การศึกษาเรื่องวิญญาณสำหรับผู้เริ่มต้นโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาจะได้เข้าใจได้โดยง่ายก่อนอื่นขอให้เข้าใจคำศัพท์ก่อนว่าวิญญาณมโนมณนะมนัตและคำว่าใจมีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้เช่นจิตหมายไปถึงจิตสํานึกและใจหมายถึงจิตไร่สานึก ซึ่งผู้ศึกษาต้องเข้าใจจุดประสงค์และความหมายตรงตามผู้สอนแต่ละท่านด้วยโดยเฉพาะในสายเน้นปฏิบัติอาจจะได้เห็นการใช้ศาสตร์เฉพาะเพื่ออธิบายแนวทางของท่านที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนก็ได้นะครับในที่นี้ท่านใช้คำว่าวิญญาณตรงกับหลักการสามัญคือเป็นความหมายเดียวกับเรื่องวิญญาณประเภทอื่นอีกที่เป็นเหมือนพลังงานอย่างหนึ่งตามธรรมชาติ ซึ่งการอธิบายแนวนี้จะทําให้เข้าใจการเกิดดับของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติในแบบวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับมีพุทธพจน์ว่ามโนโหรือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงสําเร็จมาแต่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปซึ่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาลสรุปแล้วก็เหลือเพียงแค่นามนธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นการศึกษาเรื่องวิญญาณจึงสําคัญมาก อาจเข้าใจได้จริงจะทําให้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งกรรมการเกิดภพชาติการเกิดดับของโลกและทุกสรรพสิ่งในจักรวาลจะทําให้เข้าใจหลักอริยสัจและข้อธรรมอื่นได้ง่ายขึ้นจะเกิดคุณธรรมในใจขึ้นมาหลายอย่างทันทีเจนความเกรงกลัวละอายบาปซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาเห็นตามจริงจากความเข้าใจในผลของกรรมความเข้าใจเรื่องวิญญาณที่ถูกต้องจะมีผลชัดต่อการละสักยทิฏฐิ ความยึดมั่นเห็นผิดไปว่ากายใจนี้เป็นเราวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในบาปบุญและกฎแห่งกรรมเป็นต้นและศิลละพตะปรามาดความงมงายในข้อวัดปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเบื้องต้นสู่การบรรลุธรรมหามเข้าใจเรื่องวิญญาณที่เป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ได้จริงจะไม่เป็นการยากที่จะเห็นความจริงในเรื่องปลีกย่อย หรือเรื่องที่สลับซับซ้อนกว่านั้นได้แบกเป็นเหตุเป็นผลตรงตามจริงคล้ายคนเข้าใจหลักการบวกลบคูณหารถูกต้องดีแล้วการจะไปคำนวณอะไรที่ซับซ้อนในขั้นต่อไปก็จะไม่มีการผิดพลาดออกนอกทางแต่กลับกันนะครับถ้าหากไม่เข้าใจพื้นฐานหรือรากฐานดีพอการจะเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนในลําดับต่อมาได้ถูกต้องตรงตามจริงจะเป็นไปได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่ก็โปรดเข้าใจด้วยนะครับว่าคนเราต่างจริตต่างปัญญาอินทรีย์ต่างกันการศึกษาแนวนี้ก็เปรียบเหมือนทางขึ้นเขาทางหนึ่งที่มีสิ่งแวดล้อมที่บางคนพอใจและเดินขึ้นได้โดยง่ายไม่เบือ่อแต่บางคนก็อาจไม่พอใจในเส้นทางนี้แล้วรู้สึกว่าทางอื่นสบายใจกว่าแต่สุดท้ายจุดหมายก็คือไปถึงยอดเขาเดียวกันแต่การจะรู้ว่าเส้นทางไหนเหมาะกับเรามากที่สุดก็คงไม่ต่างกับอาหารที่เราต้องลองชิมด้วยตนเองสัก่อน การศึกษาธรรมก็เช่นกันนะครับบางครั้งเราก็ต้องเพียนศึกษาให้กว้างขวางเพื่อให้มั่นใจว่าทางนี้ดีกับเราจริงโดยเฉพาะในด้านปริยัติคือด้านทฤษฎีซึ่งหากมีเวลาก็ควรฟังไว้ประดับความรู้แม้จะมั่นใจในแนวทางของตนแล้วก็ตามเพราะการรอบรู้ในทางธรรมย่อมไม่ส่งผลเสียอะไรโดยเฉพาะที่เป็นหลักธรรมแท้ที่ถ้าเข้าใจได้จริงจะลงกันเสมอซึ่งท่านว่าการสะสมสุดตะ ที่เป็นปัญญาขั้นต้นก็สาคัญมากอย่าคิดว่าอยู่ดีๆไปภาวนาเลยแล้วจะเข้าใจได้จริงซึ่งก็มีหลงทางกันมามากแล้วแล้วก็ยากจะถอนตัวด้วยคนที่จะมีเรียนหลักการให้เข้าใจก่อนแล้วไปปฏิบัติผ่านนั้นท่านว่าต้องเคยสะสมสุตตะมาอย่างโชคโชนแล้วในอดีตชาติเท่านั้นพอมาในชาติปัจจุบันอะไรๆก็เลยง่ายไปหมดจึงไม่ควรประมาทในการศึกษาให้กว้างขวางรอบด้านนะครับ ซึ่งการฟังคำอธิบายแม้ของอาจารย์รุ่นเกิงพุทธการก็ตามก็ยังจําเป็นเพราะตัวอย่างในพระไตรปิฎกเองพระพุทธเจ้าตรัสสอนสาวกหลายครั้งท่านก็ตรัสสั้นๆเท่านั้นและภิกษุที่ฟังอยู่หลายรูปนั้นบางรูปที่ไม่เข้าใจก็ยังต้องไปพึ่งพระสาวกอื่นอธิบายโดยละเอียดอีกครั้งก่อนจะไปทูลให้ทรงทราบและตรัสรับรองว่าถูกต้องซึ่งการอธิบายทรรในแต่ละยุคบางครั้งก็ต้องอาศัยผู้แตกฌานจริงในยุคนั้นๆ อธิบายด้วยศัพท์และการเปรียบเทียบที่คนยุคนั้นเข้าใจได้ง่ายด้วยยังมิรวมกับเรื่องที่คนปัจจุบันสติปัญญาด้วยลงทุกวันก็ต้องการคําอธิบายที่ละเอียดมากขึ้นถ้าจะยึดพุดทธวจนะอย่างเดียวที่เป็นคําสั้นๆที่ท่านสอนคนพร้อมจะบรรลุซะเป็นส่วนใหญ่แทนยังเป็นการแปลมาจากภาษาอื่นที่หากไม่แตกชานิสัพพอและปฏิบัติไม่ถึงจริงก็มีโอกาสตีความผิดจากความจริงได้เช่นกันดังนั้นการได้ผู้รู้จริงในแต่ละยุค อธิบายให้ฟังโดยละเอียดจึงยังอาจมีความจําเป็นพอสมควรแต่ก็เป็นการยากที่จะรู้ว่าอาจารย์รุ่นหลังท่านใดสอนที่ถูกต้องตรงทางจริงฉะนั้นการรอบครอบในการศึกษาให้กว้างขวางที่สุดเปิดใจรอบแนวทางอื่นไปพร้อมกันให้ได้สะสมข้อมูลหลายด้านก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งความจริงควรได้ศึกษาประไตรปิฎกให้ครบทุกเล่มก่อนด้วยซ้ํานะครับแต่คนทั่วไปก็คงทําได้ยากที่พอจะเป็นไปได้ที่อยากแนะนําก็คือ อยากให้ได้อ่านหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายสักครั้งในชีวิตเพราะเป็นการสรุปเนื้อหาในพระไตรปิฎกมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจหลักสําคัญไว้ครบถ้วนจะเป็นความรู้พื้นฐานที่สําคัญที่จะเป็นเกราะป้องกันความเข้าใจผิดในธรรมได้มากทีเดียวโดยเฉพาะในแง่ของศัพท์และการแปลความหมายที่ถูกต้องสําหรับหนังสือวิญญาณคืออะไรเล่มสองนี้เนื้อหาอาจ ด, ดูซ้ําไปซ้ํามาในบางเรื่องโดยท่านตั้งใจย้ําจุดสําคัญให้จําให้ได้แม่น พร้อมพ่วงประเด็นปลีกย่อยในแต่ละตอนดังนั้นเมื่อเจอข้อความซ้ําก็ขออย่าพึ่งรําคาญหรือเบื่อที่จะฟังเพราะสิ่งเหล่านี้จําเป็นที่ต้องกล่าวถึงซ้ําเพื่อประโยชน์และความเข้าใจให้ลึกที่สุดของผู้ศึกษาจริงๆแม้ท่านจะบอกว่าเป็นการศึกษาเรื่องวิญญาณสําหรับผู้เริ่มต้นแต่ก็หมายถึงการอธิบายในประเด็นหลักที่ควรรู้ก่อนในเบื้องต้นซึ่งวิญญาณเป็นเรื่องนามธรรมที่ปกติก็เข้าใจยากอยู่แล้ว ในที่นี้อาจารย์พรท่านอธิบายถึงรายละเอียดในระดับที่ลึกกว่าที่สอนกันทั่วไปเด็บางจุดจึงอาจดูเข้าใจยากไปบ้างหรือถึงขั้นขัดกับความเชื่อเดิมเลยทีเดียวนะครับจึงอยากให้เปิดใจลองฟังให้จบก่อนสิ่งใดที่ไม่เชื่อก็ข้ามไปก่อนตรงไหนไม่เข้าใจก็ค่อยหาเวลากลับมาฟังซ้ําท่านอาจจะได้พบแง่มุมบางอย่างที่ทําให้เข้าใจหลักธรรมอื่นและส่งผลดีต่อตัวท่านในอนาคตได้มากกว่าที่คิด การศึกษาทำในหัวข้อเดียวกันแต่อธิบายเน้นประเด็นหรือแม้แต่การเปรียบเทียบที่ต่างกันนั้นจะเป็นประโยชน์มากต่อผู้ศึกษาที่จะได้เห็นแง่มุมที่หลากหลายรอบด้านมากขึ้นนะครับจากประวัติของอาจารย์พร น, นั้นท่านเคยบวชและเป็นสหายธรรมเทศคู่กับลุงพ่อปัญญาจนลาศิกขามารักษาตัวและมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยสงฆ์และสถาบันการศึกษาชั้นนําอีกหลายแห่งท่านเป็นผู้แตกฉานในภาษาบาลี เข้าใจภาษางกฤษเป็นอย่างดีศึกษาพระไตรปิฎกและคำภีร์ของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องรวมถึงศึกษาด้านวิทยาศ า, ศาสตร์และปรัชญาอื่นๆรวมทั้งจริงจังกับการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาเป็นอาจารย์สอนทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติมายาวนานจึงถือว่ามีคุณสมบัติเห็นความรอบรู้รอบด้านอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นการเปิดใจฟังคําอธิบายของท่านผู้รอบรู้ถึงเพียงนี้จึงไม่ควรตั้งอคติหรือมองข้าม ซึ่งท่านก็ย้ำเสมอนะครับว่าสิ่งที่ท่านอธิบายนั้นมีหลักฐานอ้างยิงจากพระไตรปิฎกตรวจสอบหรือโยงเข้าหากันลงรอยกันได้กับพุทธวจนะหลายคนชอบอ้างตำราติดแต่ตัวอักษรและมักโต้แย้งบางจุดนั้นก็ต้องถามกลับนะครับว่าท่านที่โต้แย้งนั้นเคยปฏิบัติจนได้สมาธิขั้นสูงเคยวิปัสสนาจนเห็นไตรลักษณ์ได้จริงเคยประสบกับสภาวะจิตผู้รู้ตื่นเห็นจิตเป็นอนัตตาได้จริง สามารถแปลมาลีออกได้จริงได้ศึกษาคัมภีร์มาครบทวนทุกเล่มหรื อ, อยังบางอย่างที่ท่องตามตัวหนังสือนั้นอาจภูมิธรรมไม่ถึงจริงก็ไม่มีทางเข้าใจสภาวะธรรมที่แท้ได้เลยนะครับการศึกษาธรรมต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งอธิบายได้หลายนัยยะหลายระดับยกตัวอย่างการเปรียบเทียบในหลายรูปแบบพุทธพจนโพธิสอนไว้แต่ละประโยคนั้นท่านเลือกอธิบายให้เหมาะกับคนตรงหน้า ใช้ศัพท์ใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบให้เหมาะกับยุคสมัยนั้นๆที่จะเข้าใจได้ง่ายที่สุดหรือเหมาะกับจริตปัญญาของเขามากที่สุดไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดไม่ตรัสไว้เราจะเชื่อถือไม่ได้เหมือนพระวินัยที่หลายอย่างไม่มีในสมัยพุทธกาลท่านก็ไม่ได้บัญญัติห้ามไว้แต่ทรงให้หลักกลางเวพิจารณาแล้วเช่นสิ่งใดทําละกุศลเจริญคนปิดเตียนไม่ได้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นก็ให้ทําได้ จะให้ท่านมาตรัสสอนตรัสห้ามไม่ครบทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เหมือนสอนหลักการบวกเลขเวลาและยกตัวอย่างให้ดูที่เหลือก็ควรจะคิดกันเองต่อได้ตามหลักที่ให้ไว้ไม่ใช่ว่าสอนตัวอย่างแค่ไหนก็อ้างว่าครูสอนมาแค่นี้อย่างอื่นไม่ใช่อย่างอื่นผิดหมดจะเห็นว่าการยึดมั่นในตัวอักษรหรือในหลักการอย่างสุดตรงอาจกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปโดยไม่รู้ตัวหรืออาจพลาดโอกาสที่จะเข้าใจประเด็นปลีกย่อยอีกมาก ที่อาจเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับจริตของตนไปอย่างน่าเสียดายสำหรับเรื่องวิญญาณในแนวทางของอาจารย์พร น, นั้นท่านอธิบายลงลึกไปในระดับที่หลายคนอาจคานว่าไม่มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกก็โปรดเข้าใจอีกครั้งนะครับว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนคนที่เหมาะสมกับอธัธยาศัยเท่านั้นครูบาอาจารย์หลายท่านก็เช่นกันนะครับท่านสอนสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือเหมาะกับสิทธิตรงหน้า บางท่านไม่พูดเรื่องพบชาติเลยเราดูแล้วก็เสียเวลาเหมือนอธิบายคนตาบอดให้เข้าใจว่าสีขาวสีเขียวเป็นยังไงพูดไปก็ไม่เข้าใจสู้ทำให้เข้าหายตาบอดก่อนคือให้เห็นทุกเห็นนิพพานกันในปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจเรื่องชาติหน้าที่เมื่อเกิดธรรมะจากสุขแล้วจะรู้เองว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้คนไม่เข้าใจก็คิดว่าท่านไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงทําให้เกิดกรรมร้ายหนักกับตนเอง ทั้งการปรามาย์ครูบาอาจารย์และการเข้าใจธรรมที่ผิดลู่ผิดทางเป็นมิจฉาทิฐิร้ายแรงที่เชื่อว่าตายแลือสศูนย์นั่นเองพระพุทธองค์เองท่านก็ทรงตรัสกับบางคนนะครับว่าอย่าสนใจเรื่องพวกนี้แต่กับคนอีกมากท่านก็ตรัสชัดถึงเรื่องโลกนี้และโลกหน้าปรโลกสวรรค์โทษของสวรรค์ซึ่งหลายเรื่องที่วิทยาการสมัยนั้นยังไม่พร้อมท่านก็ทรงอธิบายไปตามความเข้าใจของเขา จะเห็นได้นะครับว่าหลักวิทยาศาสตร์หลายอย่างเมื่อเทียบกันแล้วก็ตรงกันแต่ท่านใช้ศัพท์และการเปรียบเทียบอธิบายแตกต่างออกไปหรือบางเรื่องก็จะไม่ตรัสถึงหรืออธิบายไม่ลงลึกมากนักเพราะคนสมัยนั้นจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยการอธิบายเรื่องวิญญาณในแบบของอาจารย์พรก็เช่นเดียวกันในที่นี้ท่านอธิบายวิญญาณตามความหมายหลักในพระไตรปิฎกก่อนให้เข้าใจเบื้องต้น ก่อนที่ท่านจะยกวิญญาณสองประเภทหลักมาเป็นหลักสําคัญในการเดินเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายและตรงกับวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการสมัยปัจจุบันคือแยกออกเป็นจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกและมีส่วนปลีกย่อยต่อไปอีกกับคุณสมบัติคุณลักษณะที่แตกต่างในแต่ละประเด็นที่ควรทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยเจาะลึกไปถึงวิญญาณในวัตถุวิญญาณในต้นไม้ในเชื้อโรคซึ่งก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในความหมายของท่าน แม้จะใช้คําว่าวิญญาณแต่ก็เป็นวิญญาณคนละประเภทกันเป็นประเภทย่อยลงไปซึ่งอาจมองให้เข้าใจได้ง่ายว่าคือพลังงานอย่างหนึ่งแต่เป็นพลังงานในฝ่ายนามธรรมอย่างในวัตถุท่านก็ใช้คําว่าวิญญาณแฝงคล้ายความร้อนแฝงที่มีอยู่แม้ในของที่เย็นก็ตามซึ่งสิ่งนี้คนที่ศึกษาและยึดมั่นเฉพาะตัวอักษรที่มีในตำรานั้นมักจะมองว่าอาจารย์พรสอนผิดหลักพุทธ รอบบางอย่างในคำภีไม่ได้กล่าวถึงจึงต้องขอให้เปิดใจรับความรู้ใหม่ที่อาจขัดความรู้เดิมบ้างนะครับก่อนจะไม่เชื่อควรลองพิจารณาตามเหตุผลที่ท่านอ้างถึงว่าลงกับหลักปฏิจจสมุปบาทและทำให้เห็นชัดจริงๆว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปส่งต่อให้เกิดภพชาติให้เกิดวัตถุสสารพลังงานคือรูปต่างๆขึ้นมาได้อย่างไร สำหรับท่านที่อ้างว่าคำภี์ไม่กล่าวถึงขอโปรดเข้าใจนะครับว่าหลายเรื่องไม่สามารถตรัสสอนในยุคนั้นได้และจะทำให้คนยิ่งสับสนท่านจึงสอนแค่เรื่องหลักๆให้เข้าใจก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องวุ่นวายอย่างเรื่องวิญญาณในต้นไม้ในวัตถุเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ต้องมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้ดีพอสมควรก่อนและบางแง่มุมก็ต้องได้อภิญญาหรือสมาธิขั้นสูงก่อนเท่านั้นจึงจะเข้าใจ ในแง่หลังนี้จึงไม่จําเป็นต้องตรัสสอนไว้เพราะเมื่อเข้าใจได้เองจากการได้อภิญญาหรือบรรลุ ธ, ธรรมก็ไม่จําเป็นต้องพูดถึงเพราะหลายอย่างพูดไปคนทั่วไปก็เข้าใจไม่ได้อีกแต่เห็นว่าในสมัยพุทธกาลนั้นท่านเน้นสอนให้เข้าใจวิญญาณในแง่ของการรู้อารมณ์และการตัดสินว่าสิ่งใดมีชีวิตคือวิญญาณประเภทที่เป็นหลักสําคัญเท่านั้นแต่ในพืชในเชื้อโรคจะไม่ถือว่ามีวิญญาณประเภทนี้ หรือที่เรียกว่ามีใจครองให้ดูนะครับว่าทางวิทยาศาสตร์ถือว่าต้นไม้กับเชื้อโรคมีชีวิตซึ่งความมีชีวิตในที่นี้ความหมายทางวิทยาศาสตร์กับทางศาสนาที่บันทึกไว้หมายถึงคนละอย่างกันและเช่นกันในความหมายของอาจารย์พรท่านก็หมายถึงวิญญาณคนละประเภทกันเข้าใจว่าการจะหาศัพท์อื่นมาแทนที่ก็ยังไม่เห็นคําไหนมาแทนได้เพราะว่าโดยหลักแล้ว ก็มีคุณสมบัติเดียวกับวิญญาณคือเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเพียงแต่เป็นประเภทย่อยเท่านั้นซึ่งการอธิบายและใช้คำว่าวิญญาณในวัตถุหรือพืชของอาจารย์พร น, นั้นท่านอธิบายเป็นเหตุผลตรงกับทางวิทยาศาสตร์ที่คนสมัยนี้น่าจะเข้าใจง่ายมากกว่านะครับการอธิบายแนวนี้หากผู้ที่คนในสมัยพุทธกาลฟังอาให้ธรรมะที่ละเอียดซับซ้อนยากอยู่แล้วยิ่งยากขึ้นไปอีกหลายเท่า ซึ่งตัวอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดกับการสอนของพระองค์นะครับว่าสอนคนทั่วไปท่านก็ตรัสเท่าที่จําเป็นและโดยปกติท่านก็เน้นสอนคนที่มีปัญญาพร้อมจะบรรลุก่อนเท่านั้นเพราะเวลาของชีวิตมีจํากัดและอย่างที่บอกนะครับว่าหลายสิ่งจะรู้ได้ก็ต้องมีปัญญากล้าต้องได้ฌานสมาบัติหรือบรรลุธรรมก่อนในบางคนแม้จะมีปัญญากล้าพอจะเข้าใจแต่ถ้าตรัสบางเรื่องก็อาจทําให้เขายิ่งสงสัยติดข้องอยู่กับเรื่องนั้น จะสักถามไม่จบสิ้นต้องเสียเวลาสอนกันนานหลายสายเหตุนะครับที่หลายเรื่องท่านจึงไม่ตรัสสอนไว้ในเวลานั้นจึงต้องขอย้ำเสมอนะครับว่าหลายเรื่องที่ไม่กล่าวถึงไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ยังไม่ควรพูดถึงเวลานั้นหรืออาจไม่เหมาะกับคนที่ท่านสอนตอนนั้นก็ได้นะครับสำหรับในเรื่องวิญญาณในวัตถุนั้นมีเรื่องที่น่าแปลกที่ควรคิดก็คือหนังสือแปลของต่างชาติที่เป็นศาสนาอื่น หลายท่านแม้จะอยู่คนละประเทศคนละาศาสนาและเกิดต่างยุคสมัยกันกลับเล่าตรงกันถึงเรื่องโลกหลังความตายหรือชีวิตของโอปปาติกะทั้งจากการติดต่อทางจิตทางสมาธิการบังเอินถอดกายทิพออกไปได้แม้ขณะยังมีชีวิตบางท่านเป็นนักบวชที่เคร่งและาศาสนาของท่านไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้แต่ทุกท่านกลับบอกตรงกันว่าวัตถุทุกอย่างมีชีวิตชีวิตในที่นี้บางท่านอาจเรียกว่า เป็นเหมือนพลังงานบางอย่างที่สัมผัสวยจิตได้ว่ามันมีชีวิตจริงๆแม้ท่านจะไม่ใช้คำว่าวิญญาณแต่จากคำอธิบายของอาจารย์พรก็พอจะเทียบเคียงได้ว่าเป็นการหมายถึงสิ่งเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็เริ่มค้นพบพลังงานบางอย่างที่เป็นต้นกำเนิดของอะตอมที่ให้ชื่อว่าอนุภาคพระเจ้าและการทดลองในจักรวาลจาลองก็พบว่าเกิดอนุภาคขึ้นจากความว่างได้จริง ซึ่งวิทยาศาสตร์ยังต้องค้นคว้าไปอีกงานนะครับเพื่อจะได้พบว่ามีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่เป็นตัวสร้าง ส, สารพลังงานขึ้นมาจากความว่างวัตถุธาตุต่างๆมีอะตอมและในทุกอะตอมนั้นมีพลังงานอะไรที่เป็นตัวการสร้างและรวมอิเล็กตรอนมาในปริมาณที่เหมาะสมจนเป็นธาตุที่แตกต่างกันและคงรูปนั้นต่อไปได้แม้วิทยาศาสตร์จะค้นพบลึกขึ้นเรื่อยๆ จนคนพบอนุภาคที่เบาวกว่าอิเล็กตรอนถึง6ล้านเท่าที่เรียกว่านิวตริโนหรือเรียกอีกอย่างว่าอนุภาคผีคืออนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งที่ตรวจจับได้ยากเนื่องจากมีมวลอยู่น้อยมากเหมือนกับไม่มีแม้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันจะรู้ได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังคงยากที่จะได้รู้เห็นกันจริงถึงพลังงานคือวิญญาณที่มีพุทธพจน์ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง และผู้จะรู้เห็นได้ชัดแจ้งครบด้านจริงต้องได้สมาธิขั้นสูงก่อนเท่านั้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใดๆก็ตามก็เหมือนกับการจะพยายามพิสูจน์กลิ่นด้วยการใช้ตามองซึ่งไม่มีทางที่ตาจะได้กลิ่นได้เลยต่อให้พยายามแค่ไหนก็ตามนะครับสำหรับเรื่องที่ว่าการเข้าใจเรื่องวิญญาณ น, นั้นต้องได้สมาธิสูงก่อนเท่านั้นในที่นี้หมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริงอย่างหมดหัวใจนะครับ แต่การศึกษาด้านทฤษฎีด้วยการเปรียบเทียบและพิจารณาเหตุผลในใจจากหลักการและข้อความที่ท่านอธิบายก็สามารถทําให้เข้าใจได้จริงเช่นกันเหมือนกับที่มีคนไม่กี่คนที่ออกไปนอกอวกาศและเห็นโลกลมจริงๆคนที่เห็นด้วยตาตนเองว่าโลกลมจริงจากภายนอกโลกนั้นแน่นอนว่าเขาต้องสิ้นสงสัยอย่างหมดหัวใจในเรื่องโลกลมแต่คนอีกมากนั้นขอให้สังเกตนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าโลกลมนั้น แต่ละคนก็ไม่เคยไปเห็นด้วยตนเองเป็นเพียงการเปรียบเทียบทางด้านเหตุผลว่าน่าจะเป็นจริงตามที่เขาบอกเท่านั้นซึ่งในเรื่องนี้ปัจจุบันก็มีลัทธิที่เชื่อว่าโลกแบนและมีจํานวนมากพอสมควรด้วยสิ่งที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นไม่ยอมเชื่อว่าโลกกลมก็เพียงเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นด้วยตาของตนเองคนพวกนี้ก็น่าสงสารนะครับเป็นพวกประเภทที่ว่าตัวเองความสามารถไม่ถึงไม่มีคุณสมบัติเพียงพอหรือความพร้อมที่จะเข้าใจ แต่ก็ยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อความเห็นของตนกลายเป็นความสุดตรงทางด้านความคิดสิ่งที่ไม่เห็นต้องไม่มีไม่ว่าใครจะอธิบายด้วยเหตุผลและหลักฐานอย่างไรก็ตามเขาจะเชื่อต่อเมื่อเขาได้เห็นเท่านั้นคนจาพวกหนึ่งก็คล้ายคนตาบอดบางคนที่ตัวเองก็มองไม่เห็นแต่ก็กล้า ย, ยืนยันว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้มีหรือบางครั้งก็คล้ายกับคนตาบอดความช้างได้สัมผัสแค่บางส่วนก็ยึดมั่นถือมั่นว่า สิ่งนั้นมีลักษณะอย่างนั้นส่วนอวัยวะส่วนอื่นที่คนอื่นได้สัมผัสนั้นไม่ใช่ของจริงสำหรับเรื่องวิญญาณในต้นไม้ที่อาจารย์พรท่านอธิบายนั้นนอกจากจะดูขัดแย้งกับความเชื่อเก่าแต่ก็พอจะเข้าใจได้ไม่ยากว่าต้นไม้ย่อมมีชีวิตประเด็นนี้อาจทําให้คนสมัยใหม่ดูแคลนหรือสับสนในคําสอนทางศาสนาได้เช่นกันเพราะมีหลักว่าชีวิตจะเกิดมีได้ต้องมีวิญญาณ ต้องไม่ลืมว่าเรื่องศาสนานั้นท่านบัญญัติหรือสอนแค่ปัญหาที่เจอเฉพาะหน้าและสิ่งที่คนตอนนั้นเข้าใจได้หลายส่วนในพระไตรปิฎกจึงทําให้คนที่มีเคยศึกษาให้เข้าใจก็คิดว่าศาสนาเข้าใจผิดทั้งที่ท่านสอนในบางประเด็นเท่านั้นและให้หลักในการพิจารณาเผื่อไว้แล้วซึ่งยังมีอีกเรื่องที่คนทั่วไปไม่เข้าใจก็คือคําสอนที่เผยแพร่กันบางส่วนนั้นเป็นมติของอัตถกถาหรือเป็นข้อความจากคำภีรุ่นหลัง ที่ถูกผนวกรวมเข้าไปกับพระตายปิดกบางครั้งท่านไม่ได้สอนแต่ท่านยกศัพท์หรือสอนในสิ่งที่คนสมัยนั้นเปรียบเทียบกับความเชื่อเดิมแล้วก็ใจง่ายที่สุดระยะทางจํานวนหลายแห่งก็เป็นเพียงสํานวนที่สอดคล้องกับประโยคหรือเป็นภาพรวมเช่นระยะทางหรือความกว้าง 84% ดหมื่นพันโยธก็ไม่ใช่ขนาดนั้นจริงๆเป็นแต่เพียงให้พร้อมกับ 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ซึ่งบางคํานั้นท่านทําให้จําได้ง่ายหรือเพื่อการสวดให้คล่องปาก เราสมัยก่อนการสืบต่อพระไตรปิฎกนั้นสืบต่อด้วยการท่องจำนะครับตัวเลขบางอย่างแค่หมายถึงกว้างใหญ่มากประมาณหนึ่งพอเป็นตัวเลขแบบนี้จะทำให้จำได้ง่ายกว่าเป็นตัวเลขเ ป, เป๊ะ เ, เหมือนพระเจ้า500ชาติความจริงก็มีแค่400รอยกว่าเท่านั้นนะครับสำหรับหัวข้อเนื้อหาภายในเนื่องจากมีจำนวนค่อนข้างมากขอให้ดูจากรายละเอียดด้านล่างเพื่อกดเลือกฟังหรือได้เห็นภาพรวมก่อน แตแนะนํานะครับว่าควรฟังไปตามลําดับจะดีที่สุดไม่ควรข้ามไปฟังเพียงบางหัวข้อเพราะจะทําให้เข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงได้นะครับเสียงานโดยอริยะคุณจุมรพลดีร่วมจัดทําโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัต์ครอบครัวปิติเจริญกุลสริญญาอริยชาติพดุงกิจเจ้าภาพรองพิรพัฒน์อุตระสริติกุลครอบครัวเอิมวงศรีทัชวดีพรมาราณ น, น สุมเมธคมวงร่วมกับพนมรักเพศชเถียนสุภาพรเทีบุญประเสริฐยานินเวียงเกตทวีช่างพินิตรครอบครัวสีโพาชาตาชูพันน้ำปันร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จุดท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุมโมทนาสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ วิญญาณคืออะไรเล่มสองโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณการศึกษาเรื่องวิญญาณสำหรับผู้เริ่มต้นวิญญาณคืออะไรวิญญาณเท่านั้นที่เป็นตัวพลังงานอันแท้จริงรืยผู้อินไนยาหนึ่งก็คือวิญญาณเป็นบ่อเกิดของพลังงานในทางวัตถุทุกอย่างและเป็นที่มาของสสารทุกอย่างด้วยกฎเกณฑ์ของวัตถุ ก, ก็ขึ้นอยู่กับวิญญาณ วิญญาณังอณิทัศนังอนันตังสาพโตป พ, พังเอตหาอาโปจ่ปัทวีจ่เตโชวาโยนะคาทติเอตหาธีคันจะรัศญจ่อันุงทุลังสุภาสุพังเอตหานามัญจะรู ป, ปัญจะอเสสังอปรุชติวิญญาณัสสานิโรเทนะเอเตตังอุปรุชติมีอยู่วิญญาณซึ่งเห็นด้วยตาไม่ได้เปรียบเทียบกับอะไรจริงๆไม่ได้เป็นอนันตะ คือไม่มีสิ้นสุดมีรัศมีอันกระจ่างไม่สิ้นสุดมีทางที่จะเข้าถึงได้ด้วยกรรมฐานตาทีวิญญาณนี้ไม่มีน้าไม่มีดินไม่มีไฟไม่มีลมนาทีวิญญาณนี้ไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีเล็ดไม่มีใหญ่ไม่มีงามไม่งามนาที่วิญญาณนี้น้ำและรูปดับลงไม่มีเหลือเพราะในที่นี้วิญญาณดับสนิทน้ำรูปทั้งหมด ถึงถึงซึ่งการดับลงไม่มีเหลือข้อความจากทีฆานิกายศิลขันธวัชพระไตรปิฎกเล่มที่9สําสำหรับคำว่าวิญญาณดับสนิทในประโยคสุดท้ายนั้นหมายถึงวิญญาณที่เคยมีอวิชามาก่อนคือวิญญาณทั้ง6ได้แก่จักุวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณและมโนวิญญาณสำหรับหนังสือวิญญาณคืออะไรเล่มสองนี้เป็นบทความที่อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ค้นคว้าศึกษาเรื่องวิญญาณและเขียนลงพิมพ์ในหนังสือวิญญาณในปีพุทธศักราช2510จนถึงปี2512แบ่งเป็นสองตอนตอนที่หนึ่งว่าด้วยการศึกษาเรื่องวิญญาณสำหรับผู้เริ่มต้นตอนที่สอง ว่าด้วยคำถามคำตอบเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหนังสือเล่มนี้ใช้เป็นคู่มือศึกษาเรื่องวิญญาณคือเรื่องความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่าวิญญาณคือผีสางเทวดาและหนังสือนี้จะใช้เป็นคู่มือศึกษาเรื่องโอปปาติกะคือผีสางเทวดาตัวจริงได้เป็นอย่างดีคานา การศึกษาเรื่องวิญญาณสำหรับผู้เริ่มต้นข้าพเจ้าได้เขียนลงเป็นตอนๆลงในหนังสือวิญญาณเรื่องนี้ได้เขียนขึ้นมาก็เพื่อต้องการให้ผู้ที่เริ่มศึกษาเรื่องวิญญาณเข้าใจเรื่องนี้ง่ายแม้แต่เด็กๆที่อยู่ในชั้นประถมก็สามารถที่จะอ่านเข้าใจได้สำหรับข้อความในระยะแรกๆ แ, แต่โดยทั่วไปแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ในระดับสามัญแต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมีความหมายสลับซับซ้อนมากเพราะวิญญาณเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้ด้วยประสาททั้งห้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองเรื่องนี้เมื่อขิงเขียนไปจึงอดที่จะมีความหมายลึกซึ้งไม่ได้ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าในตอนเปล่ปลายของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากยิ่งขึ้นทุกทีแต่ถึงกระนั้น ถ้าเทียบกับหนังสือเล่มอื่นที่ข้าพเจ้าเขียนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหนังสือเรื่องนี้นับว่าอ่านเข้าใจง่ายกว่าเล่มอื่นๆทุกเล่มเพราะฉะนั้นจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์พอสมควรแก่ผู้ที่เริ่มต้นอั น, น, นหนึ่งในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ข้าพเจ้าได้ประมวลถึงคำถามและคำตอบเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณซึ่งโดยปกติปัญหาที่นามารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้มักจะมีผู้ถามอยู่เสมอ การที่เอาเรื่องนี้มารวมไว้ในเล่มเดียวกันก็เพื่อว่าเมื่อได้อ่านข้อความในตอนต้นอาจจะเก็บความเข้าใจไม่ละเอียดถ้าหากไม่มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงนำมารวมไว้ในเล่มเดียวกันและถ้าหากท่านผู้ใดมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องวิญ ญ, ญาณในตอนไหนก็ขอให้พลิกอ่านดูที่สารบัญซก่อนแล้วท่านก็จะหาคาตอบที่ต้องการจะทราบได้โดยไม่ยากเรื่องคาถามคาตอบเกี่ยวกับเรื่องวิญ ญ, ญาณนี้ ได้เริ่มเขียนลงในหนังสือวิญญาณตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2511ไปจนถึงเดือนมกราคม2512และต่อจากนี้ข้าพเจ้าก็หยุดเขียนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเพราะเท่าที่เขียนมาตั้งแต่ปีแรกคือเดือนกุมภาพันธ์2508เป็นต้นมาก็นับว่าได้เขียนมามากพอสมควรแล้วในอันที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณโดยทั่วไปแต่อย่างไรก็ดีเท่าที่เขียนมาทั้งหมดนั้น เป็นการอธิบายแต่ในทางทฤษฎีไม่ใช่เป็นการอธิบายในทางปฏิบัติถ้าท่านต้องการอยากจะรู้เรื่องวิญญาณทางปฏิบัติซึ่งหมายถึงว่าเราต้องการจะใช้ความรู้ในเรื่องนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณของตัวเองหรือต้องการจะพัฒนาวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นท่านต้องไปอ่านในเรื่องสมาธิและวิปัสสนานในชีวิตประจำวันซึ่งในขณะนี้ได้จัดพิมพ์ออกมาเป็นเล่มแล้วมีสีเล่มด้วยกันและควรจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องบทความพิเศษอีกด้วย การเขียนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวิญญาณหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันมากมายเพราะมันเหมือนกับเมื่อเราจะรักษาโรคทั้งร่างกายซึ่งมีมากมายหลายร้อยอย่างนั้นจงคิดเอาเองก็แล้วกันว่าผู้ที่จะรักษาโรคต่างๆให้หายหรือป้องกันโรคต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องศึกษาวิชาต่างๆกว้างขวางเพียงไรในเรื่องจิตใจก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันมากเรื่องต่างๆที่ข้าพเจ้าเขียนนั้นโดยปกติเมื่อข้าพเจ้านึกได้ว่าควรจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็เขียนออกมาเท่าที่นึกได้ในขณะนั้นเรื่องต่างๆที่เขียนลงในหนังสือวิญญาณ น, นั้นยังไม่อาจที่จะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือตาราเพราะถ้าจะทำเป็นตาราจริงๆก็จะต้องเขียนอีกแบบหนึ่งแต่ก็ตั้งใจไว้ว่าเมื่อใดเขียนเรื่องในทํานองนี้ออกมาให้มากแล้ว ต่อไปก็จะรวบรวมจัดเป็นประเภทประเภทและจัดลําดับข้อความใหม่เราก็จะได้หนังสือตําราที่สมบูรณ์ออกมาซึ่งถ้าไม่เขียนออกมาในลักษณะ น, นี้ก่อนก็ไม่มีทางที่จะทําได้เนื่องจากข้าพเจ้ามีเวลาเขียนหนังสือน้อยมากเพราะมีงานในด้านอื่นที่จะต้องทําอีกหลายอย่างในขณะนี้เมื่อนึกถึงเรื่องอะไรได้ก็เขียนเอาไว้ก่อนเพื่อการลืมแล้วต่อมาภายหลังจึงค่อยมารวบรวมเขียนขึ้นใหม่ให้พระณียยิ่งกว่านี้ ลงชื่อพรรัตนสุวรรณวิญญาณคืออะไรการศึกษาวิญญาณสำหรับผู้เริ่มต้นในปีพุทธศักราช2510ท้าพระเจ้าได้ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามเขียนเรื่องวิญญาณให้เป็นที่เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นในทางนี้มาก่อนส่วนผู้ที่มีความรู้ในทางนี้มาบ้างแล้วและมีความรู้ในทางโลกมากว้างต้องการจะศึกษาในส่วนที่ลึกซึ้งก็สามารถที่จะหาอ่านได้จากหนังสือวิญญาณของปีที่หนึ่งและปีที่สองซึ่งในที่นี้ท่านรวมพิมพ์เป็นหนังสือและให้ชื่อว่าวิญญาณคืออะไรเล่มหนึ่งข้าพเจ้าคิดว่ายังมีคนอีกจำนวนมาก ที่ไม่อาจจะเข้าใจเรื่องวิญญาณที่ข้าพเจ้าได้เขียนมาแล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้จึงตั้งใจที่จะเขียนเรื่องง่ายๆตั้งแต่พื้นความรู้เบื้องต้นไปโดยลําดับและข้าพเจ้าคิดว่าแม้แต่ผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้มามากแล้วก็ควรจะอ่านเรื่องนี้เหมือนกันทั้งนี้เพราะข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะให้ผู้ที่มีความรู้ในทางนี้เป็นอย่างดีแล้วเอาไปสอนเด็กภายในบ้านหรือเอาไปแนะนําคนอื่นที่ยังไม่มีพื้นฐานในทางนี้มาก่อน การที่ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องซึ่งค่อนข้างจะยากมาก่อนก็เพราะต้องการที่จะให้นักศึกษาชั้นสูงเกิดความสนใจต่อเรื่องนี้ซึ่งถ้าหากเขียนง่ายเกินไปเขาก็จะมีข้อคัดค้านทําให้ไม่เชื่อเรื่องนี้และอีกประการหนึ่งคนที่มีการศึกษาดีนั้นไม่ได้มาพบถึงความหมายที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณซึ่งคนธรรมดาเข้าใจไม่ค่อยได้แต่สําหรับเขาเข้าใจได้เป็นอย่างดีนั้น เขาก็จะเกิดความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้าได้รับกำลังสนับสนุนจากพวกชั้นปัญญาชนการสอนศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบไว้ว่าเหมือนกับการทานาซึ่งควรจะหวานเข้ากล้าลงในนาที่ดีซะก่อนเพราะจะทำให้เสียเวลาน้อยแต่ได้ผลมากข้าพเจ้าคิดว่าเท่าที่ได้อธิบายเรื่องนี้มาแล้วสองปีหวังว่าคงจะทาให้ชนชั้นปัญญาชนทั้งหลาย ได้มองเห็นความลึกซึ้งและประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการศึกษาเรื่องนี้พอสมควรแล้วฉะนั้นในปีนี้ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะวางรากฐานให้กับผู้ที่ไม่มีพื้นในทางนี้มาก่อนวิญญาณคืออะไรตาเห็นคือวิญญาณเห็นหูได้ยิน คือวิญญาณได้ยินจะหมูกรู้สึกกลิ่นคือวิญญาณรู้สึกกลิ่นลิ้นรู้สึกรสคือวิญญาณรู้สึกรสการรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนคือวิญญาณรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนสมองนึกคิดคือวิญญาณนึกคิดผู้ที่ยังไม่มีพื้นในทางนี้มาก่อนจะต้องจําข้อความที่กล่าวมานี้ไว้ให้แม่นและต้องหมันนิดทบทวนบ่อยๆในที่สุดก็จะเข้าใจได้ดีว่า วิญญาณคืออะไรวิญญาณไม่ใช่ผีคนทั่วไปเมื่อพูดถึงวิญญาณมาจะนึกถึงผีที่มาปรากฏร่างให้เห็นขอได้โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าผีนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโอปปาติกะซึ่งหมายถึงชีวิตประเภทหนึ่งที่เป็นกายทิพย์ เป็นชีวิตที่มีรูปร่างมีตัวตนเหมือนกับคนเราและเป็นชีวิตจริงๆกล่าวคือพวกนี้ก็มีการเห็นการได้ยินมีความรู้สึกนึกคิดมีอารมณ์ต่างๆเหมือนคนเราและที่สําคัญที่สุดก็คือเขามีร่างกายมีอวัยวะครบถ้วนทุกอย่างเหมือนกับคนเราเป็นแต่ร่างกายของพวกนี้เราไม่สามารถจะจับถูกต้องหรือมองเห็นได้ด้วยตาธรรมดานอกจากพวกที่ได้สมาธิชั้นสูงเท่านั้น แต่ในบางครั้งบางคนก็อาจจะเห็นได้โดยบังเอิญคำว่าผีเป็นภาษาไทยโดยปกติเราหมายถึงซากของคนที่ตายแล้วฉันเราพูดว่าไปเผาผีซึ่งหมายถึงไปเผาซากศพของคนตายโดยธรรมดาคนเราทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดเป็นโอปปาติกะทันที พวกโอป ป, ปาติกาทั้งหลายเมื่ อ, อยังอยู่ในโลกมนุษย์โดยธรรมดาก็จะมีรูปร่างเหมือนเดิมคือเมื่อก่อนตายมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีอายุขนาดไหนเมื่อมาปรากฏให้เห็นก็มักจะปรากฏในรูปร่างลักษณะอย่างนั้นคนไทยในสมัยโบราณเมื่อได้เห็นคนที่ตายไปแล้วมาปรากฏให้เห็นอีกและในเมื่อเราเรียกคนที่ตายว่าผีก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเรียกร่างที่มาปรากฏนั้นว่าผี เราไม่ทราบว่าจะเรียกอย่างไรอื่นนอกจากนี้คำบอกเล่ากเกี่ยวกับเรื่องผีนิยายเกี่ยวกับเรื่องผีบทละครหรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องผีก็มักจะแสดงออกมาแต่ในลักษณะรูปร่างที่น่ากลัวส่วนนางฟ้าหรือเทพบาทซึ่งตามความหมายของคนไทยก็ควรจะเรียกว่าผีเหมือนกันเพราะเป็นโอปปาติกาเหมือนกันแต่คนส่วนมากไม่เรียกว่าผีเมื่อพูดถึงผี จะต้องเห็นเป็นภาพที่น่ากลัวเสมอซึ่งความเป็นจริงพวกนางฟ้าหรือเทพบุตรทั้งหลายก็คือคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นโอปปาปติกะแต่ไปอยู่ในสวรรค์มีรูปร่างสวยงามถ้าหากใครได้เห็นแล้วจะไม่กลัวส่วนโอปปาติกะชั้นต่ำคือที่มีจิตใจต่ำพวกนี้เท่านั้นที่ในบางครั้งอาจจะปรากฏเป็นรูปร่างที่น่ากลัว แต่โดยปกติคนทั่วไปถ้าได้เห็นคนที่ตายไปแล้วมาปรากฏแม้จะเห็นเหมือนอย่างคนธรรมดารูปร่างเหมือนกับเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่ทุกอย่างไม่ได้แสดงรูปร่างที่น่ากลัวอย่างไรออกมาเช่นบางคนอาจจะได้เห็นพ่อแม่หรือญาติที่ตายไปแล้วปรากฏอยู่ในลักษณะเดิมทุกอย่างเหมือนเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้มาทำร้ายอะไรเลยแต่แล้วคนเราส่วนมากก็กลัวกันถ้าหากได้เห็นหรือบางทีแม้แต่เพียงนึกขึ้นมาว่า ท่านอาจจะอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ได้เห็นรูปร่างก็กลัวทั้งนี้เป็นเพราะอบรมกันมาผิดวิญญาณกับจิตมีความหมายเหมือนกันเราพูดกันว่าฉันกลุ้มใจฉันไม่สบายใจฉันดีใจฉันชอบใจ ทัพูดเหล่านี้ทั้งหมดถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าวิญญาณเสียใจวิญญาณกลุ้มใจวิญญาณดีใจวิญญาณชอบใจจะพูดอย่างนี้ก็มีความหมายเหมือนกันเพราะคำว่าจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงใจและยังมีอีกคำหนึ่งคือคำว่ามโนคำนี้ก็หมายถึงใจเหมือนกันโปรดจำไว้ให้แม่นว่า วิญญาณเป็นนามธรรมฉะนั้นจึงไม่มีรูปร่างเป็นตัวตนไม่อาจจะมองเห็นหรืออาจจับต้องได้ไม่อาจจะสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าวิญญาณเป็นอำนาจหรือพลังงานอย่างหนึ่งเช่นความร้อนก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งแต่ความร้อนถึงแม้จะเป็นพลังงานหรือเป็นสิ่งที่ส่งไว้ซึ่งอำนาจนั้นยิ่งใหญ่เช่นสามารถจะเผาบ้านให้กลายเป็นขี้เถ้าไปได้แต่ความร้อนก็ยังเป็นพลังงานที่หยาบ เป็นพลังงานที่เป็นวัตถุความร้อนเป็นรูปธรรมเพราะสามารถจะสัมผัสได้หรือรู้สึกได้ทางร่างกายส่วนวิญญาณเป็นอำนาจหรือเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าความร้อนมากแต่เป็นพลังงานที่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าคือจะใช้ตาดูใช้หูฟังหรือใช้มือจับถูกต้องไม่ได้เป็นต้น เราจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเกิดมาจากวิญญาณไม่ใช่เกิดมาจากตาไม่ใช่เกิดมาจากหูไม่ใช่เกิดมาจากประสาทไม่ใช่เกิดมาจากสมองไม่ใช่เกิดมาจากร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งการเห็นการได้ยินหรือความรู้สึกนึกคิดต่างๆทั้งหมดนี้เกิดมาจากวิญญาณซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากร่างกาย ในทรรนองเดียวกับต้นไม้ไม่ใช่เกิดจากดินแต่เกิดจากมเมล็ดของมันแต่ถึงกระนั้นต้นไม้จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยดินอาศัยน้ำและอย่างอื่นอีกหลายอย่างในธรนองเดียวกันการเห็นเกิดจากวิญญาณแต่วิญญาณจะเห็นอะไรได้ต้องอาศัยตาถ้าตาบอดวิญญาณก็ไม่อาจจะเห็นอะไรได้การได้ยินก็เกิดจากวิญญาณ แต่ก็ต้องอาศัยหูถ้าหูหนวกการได้ยินย่อมไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นโดยธรรมดาเห็ดย่อมเกิดมาจากมเมล็ดของมันแต่มเมล็ดของมันเล็กมากมองดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศขยายดูจึงจะมองเห็นบางคนที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องนี้ก็อาจจะเข้าใจว่าเห็ดเกิดจากดินก็ได้ วิญญาณเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดและประณีตยิ่งกว่ า, มาเมล็ดของเห็ดมากมายเพราะแม้จะใช้กล้องจุลทรรศขยายดูก็ไม่อาจจะเห็นได้เพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงเข้าใจกันว่าการเห็นการได้ยินเกิดจากตาเกิดจากหูความรู้สึกนื้คิดทั้งหลายเกิดมาจากสมองอะไรทำนองนี้โดยธรรมดาคนที่จะเข้าใจว่าการเห็นการได้ยินเกิดจากวิญญาณนั้น ในครั้งแรกจะต้องเชื่ออย่างนี้ไว้ก่อนเมื่อศึกษาเรื่องนี้ไปมากแล้วในที่สุดก็จะสามารถพิสูจน์ได้เองว่าการเห็นเกิดจากวิญญาณจริงๆและจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งว่าวิญญาณกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันน้ำที่อยู่ในขวดน้ำกับขวดไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันแต่ถ้าขวดนั้นใส่มากน้าก็ใส่มาก คนที่ดูไม่ละเอียดก็อาจจะไม่รู้ว่าในขวดมีน้ำอาจจะมองเห็นแต่ขวดส่วนน้ำมองไม่เห็นข้อนี้ฉันใดร่างกายเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายและถ้าตาบอดทุกคนก็รู้ว่าการเห็นจะไม่มีถ้าหูหนวกการได้ยินก็จะไม่มีถ้าสมองไม่ดีความคิดก็ไม่ดีความจำก็ไม่ดีฉะนั้น จึงมักจะลงความเห็นว่าการเห็นการได้ยินและความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดจากตาเกิดจากหูเกิดจากประสาทเกิดจากสมองนี่เองตาเห็นคือวิญญาณเห็นหูได้ยินคือวิญญาณได้ยินหลักเหล่านี้จะต้องพยายามนึกบ่อยๆ จนกว่าจะเข้าใจซึ้งและมองเห็นว่าการเห็นการได้ยินเป็นต้นเกิดจากวิญญาณจริงๆและวิญญาณที่ว่านี้มีอยู่ในร่างกายแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายไม่ว่าเราจะจับต้องเอาบปยว่าส่วนไหนมีความรู้สึกเกิดขึ้นทั้งสิน้นนั่นแสดงให้เห็นว่าวิญญาณมีทั่วร่างกายวิญญาณมีอยู่ทั่วร่างกาย สัตว์และพืชทุกชนิดมีวิญญาณวิญญาณไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในคนเท่านั้นสัตว์ทุกชนิดก็มีวิญญาณเชื้อโรคทั้งหลายก็มีวิญญาณพืชทุกชนิดก็มีวิญญาณควรจะจำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าวิญญาณคือพลังงานของชีวิตซึ่งหมายความว่าวิญญาณเป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดชีวิต ที่ใดมีชีวิตที่นั่นมีวิญญาณลักษณะเฉพาะของวิญญาณก็คือความรู้สึกที่เป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาที่มีความหมายหรือพูดง่ายๆว่าการที่ต้นไม้ทั้งหลายมีความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมเช่นรู้สึกว่าแสงแดดอยู่ทั้งไหนอย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกที่มีความหมายอย่างนี้แหละที่บอกให้รู้ว่าสิ่งนี้มีวิญญาณ หมายเหตุผู้อ่านในเรื่องนี้ก็จะมีคนอีกมากนะครับที่บอกว่าที่ต้นไม้หันเข้าหาแสงนั้นคล้ายๆกับแม่เหล็กที่ดูดหรือผลักกันซึ่งในเรื่องนี้มีการทดลองในต่างชาตินะครับว่าพืช น, นั้นมีความรู้สึกและสามารถสื่อสารส่สงข้อความถึงกันได้มีการแจ้งบอกข่าวส่งต่อกันให้เพื่อที่อยู่ไกลออกไปได้เตรียมป้องกันตัวเมื่อมีภัยมาถึงซึ่งน่าจะแสดงให้เห็นว่าต้นไม้ก็มีวิญ ญ, ญาณ เคยมีธาตุรู้เหมือนกันตัวบุ่งหรือตัวนอนถ้าเราไปถูกมันเข้ามันเจอหดตัวหรือแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาอาการอย่างนี้แหละที่แสดงให้รู้ว่าบุ่งหรือนอนมีวิญญาณต้นไม้ประเภทเถาวันเช่นต้นถั่วฝักยาวพอยอดของมันถูกกิ่งไม้เข้ามันก็จะพันกิ่งไม้ขึ้นไปเพื่อให้ลาต้นมันเกาะอยู่ได้ การอย่างนี้ก็แสดงให้รู้ว่าต้นทั่วฝักยาวมีวิญญาณคนโดยมากเข้าใจกันว่าต้นไม้ทั้งหลายไม่มีวิญญาณอันนี้เป็นความเข้าใจผิดและยังเข้าใจผิดอีกว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดความจริงพระพุทธเจ้าได้สอนไว้นานแล้วว่าต้นไม้มีวิญญาณ สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายมีวิญญาณทั้งสิน้นเพราะถ้าวิญญาณไม่มีแล้วชีวิตจะมีไม่ได้สิ่งที่มีวิญญาณไม่จำเป็นจะต้องพูดได้หรือมีความรู้สึกเจ็บปวดคนด้วยมากเข้าใจว่าการที่รู้ว่าคนเรามีวิญญาณสัตว์ทั้งหลาย เช่นสุนัขหรือแมว เ, เป็นต้นก็มีวิญญาณก็เพราะเราสังเกตเห็นได้ว่าพวกเหล่านี้พูดได้ออกเสียงได้และถ้าถูกตีหรือถูกทำร้ายก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเพราะฉะนั้นจึงถือว่ามีวิญญาณส่วนต้นไม้เราเอามีไปฟันมันไม่เห็นมันร้องไม่เห็นมันแสดงอาการเจ็บปวดและมองไม่เห็นว่ามันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร เลยเข้าใจว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณอันที่จริงการที่ต้นไม้ไม่เจ็บปวดก็เพราะต้นไม้ไม่มีประสาทอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเราส่วนใดไม่มีประสาทเมื่อไปตัดมันมันไม่รู้สึกเจ็บเช่นปลายผมปลายเล็บเป็นต้นหรืออวัยวะส่วนใดถ้าทําให้ประสาทชาก็จะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด ถ้าทำให้สลบก็จะหมดความรู้สึกไม่รู้สึกถึงร่างกายใครจะทำอะไรกับร่างกายในขณะนั้นไม่รู้สึกทั้งสิน้นแต่ถึงกระนั้นทุกคนก็รู้ว่าคนที่สลบยังหายใจอยู่นั้นแม้จะไม่รู้สึกตัวแต่วิ ญ, ญญาณก็ยังคงอยู่ในร่างกายก็ต้นไม้ไม่มีประสาทเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกเจ็บปวดอย่างของคนหรือสัตว์จึงไม่มี และการที่ต้นไม้ไม่พูดหรือไม่ร้องก็เพราะมันไม่มีปากไม่มีอวัยวะสำหรับออกเสียงเด็กที่อยู่ในท้องแม่ในขณะนั้นก็มีวิญญาณแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีใครพูดและไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังอยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นคนที่อ้างว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณเพราะพูดไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เมื่อพูดถึงวิญญาณอย่าเข้าใจว่าจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดที่รู้สึกตัวได้เสมอไปการที่เรารู้ว่าในตัวเรามีวิญญาณก็เพราะเรามีการเห็นมีการได้ยินมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกทั้งหมดที่ว่านี้เรารู้สึกตัวได้เพราะฉะนั้นจึงถือว่ามีวิญญาณ ส่วนต้นไม้ไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนอย่างที่คนเรามีเพราะฉะนั้นจึงถือว่าไม่มีวิญญาณอันนี้เป็นความเข้าใจผิดขอให้สังเกตว่าเด็กที่เกิดในท้องแม่แม้เพียงวันหรือสองวันซึ่งในตอนนั้นมองดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นยังไม่มีรูปร่างเป็นตัวตนที่จะบอกให้รู้ว่าเป็นรูปร่างคนแม้กระนั้นในตอนนี้ก็มีวิญญาณแล้ว เพราะถ้าวิญญาณยังไม่มาเกิดายที่ผสมเอาไว้แล้วนั้นจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้เราทุกคนในขณะที่ตัวยังเล็กอยู่นั้นเราก็ยังถือว่ามีวิญญาณซึ่งวิญญาณในตอนนั้นถ้าหากจะพูดกันอย่างธรรมดาตามความเข้าใจของคนทั่วๆไปแล้วก็ต้องบอกว่าวิญญาณในตอนนั้นยังไม่มีความรู้สึกนึกคิดแต่ก็ถือว่ามีวิญญาณอยู่แล้วตัวเราในตอนนี้ ทั้งที่ยังไม่มีความรู้สึกนึกคิดก็ยังถือว่ามีวิญญาณได้เพราะฉะนั้นการที่จะถือว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณเพราะไม่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนอย่างที่เรามีนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นต้นไม้ไม่มีสมองไม่มีประสาทเหมือนกับคนเพราะฉะนั้นจะให้มันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับคนได้อย่างไร แต่การที่เรารู้ว่าต้นไม้มีวิญญาณก็เพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีอาการที่แสดงให้เห็นว่ามันมีความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งความรู้สึกที่แสดงออกมานี้มีความหมายคืออธิบายได้ว่าอาการที่แสดงออกมานั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรวิญญาณมีอยู่สองประเภท คือประเภทหนึ <_ warming> ่งเป็นวิญญาณที่มีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัววิญญาณส่วนนี้เรียกว่าพระวังข้าวิญญาณหรือพระวังขจิตประเภทที่สองเป็นวิญญาณที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นไปโดยรู้สึกตัววิญญาณส่วนนี้เรียกว่าวิถีวิญญาณหรือวิถีจิต ต้นไม้มีแต่ผวังขวิญญาณส่วนวิถีวิญญาณไม่มีพวกพืชหรือสัตว์ชั้นต่ำที่ยังไม่มีระบบประสาทไม่มีสมองนั้นมีแต่ผวังขวิญญาณส่วนวิถีวิญญาณยังไม่มีคำว่าผวังขวิญญาณตามศัพท์แปลว่าวิญญาณที่เป็นรากฐานของชีวิต เช่นต้นไม้จะเกิดขึ้นมาเป็นต้นอะไรปัจจัยสําคัญอยู่ที่เมล็ดของมันเมล็ดมะม่วงจะต้องโตขึ้นเป็นต้นมะม่วงเมล็ดมะม่วงเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะมันงอกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในเมล็ดมะม่วงจะต้องมีวิญญาณและวิญญาณในเมล็ดมะม่วงนี่แหละที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ต้นมะม่วงเกิดและเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับ วิญญาณที่ทำหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าผวังข้าวิญญาณจงสังเกตว่าผวังข้าวิญญาณทำหน้าที่ของมันโดยไม่รู้สึกตัวซึ่งถ้าพูดอีนในย่าหนึ่งก็คือการที่ผวังข้าวิญญาณเนยเล็ดมะม่วงสร้างต้นมะม่วงขึ้นมาได้นั้นมันจะต้องมีความรู้สึกและมีความนึกคิดด้วยแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ว่านี้เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัว เพราะฉะนั้นระวังข้าวิญญาณจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตไร้าสานึกส่วนวิถีวิญญาณนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ตามเรารู้สึกตัวว่ามันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นวิญญาณส่วนนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตสํานึกผู้เริ่มศึกษาเรื่องวิญญาณ จะต้องพยายามละทิ้งความเชื่อกเก่าๆความคิดเขียนอย่างเก่าที่ขัดแย้งกับหลักดังที่กล่าวมานี้ขอให้พิจารณาตัวอย่างอย่างถี่ถ้วนว่าความเข้าใจแต่เดิมที่มีมานานแล้วนั้นเราได้มาโดยไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดไม่มีการค้นคว้าคนอื่นก็บอกมาอย่างไรก็จำกันมาอย่างนั้นคนส่วนมากที่ไม่อาจจะเข้าใจเรื่องวิญญาณที่ข้าพเจ้าเขียนนั้นไม่ใช่เป็นเพราะข้าพเจ้าเขียนยาก หรือเป็นเพราะเรื่องนี้ลึกซึ้งเกินไปแต่ความเป็นจริงสาเหตุที่ทำให้ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องวิญญาณที่ข้าพเจ้าเขียนนั้นเป็นเพราะมีความคิดเห็นหลายอย่างขัดแย้งอยู่ในใจแล้วปัดทิ้งออกไปไม่ได้คอแต่จะวกกลับไปหาความเข้าใจเดิมที่ฟังมานานทั้งที่มันผิดแต่เพราะเคยเชื่ออย่างนั้นมานานเสียแล้วถอนออกได้ยากเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนได้ยากมาก ส่วนคนที่ไม่ติดอยู่ในความคิดเก่าๆคิดแต่จะสแสวงหาความจริงอยู่เสมอบุคคลประเภทนี้อ่านเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนเข้าใจง่ายวิญญาณคือธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิต ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ที่จะศึกษาเรื่องวิญญาณในความหมายของพระพุทธศาสนาเข้าใจจริงๆนั้นท่านจะต้องละทิ้งความเชื่อและความเข้าใจเก่าๆหลายอย่างถึงแม้หากว่าจะฝืนก็ต้องยอมไปก่อนมันจะขัดแย้งกับความรู้สึกในใจอย่างไรก็ตามก็ขอให้เก็บความเข้าใจเก่าๆเอาไว้ก่อนไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องวิญญาณตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนมาแล้วและที่จะเขียนต่อไป และผู้ที่ศึกษามาในทางพระพุทธศาสนาที่มีความเห็นขัดแย้งกับมติที่ข้าพเจ้าเสนอนี้ก็ขอให้อดใจไปก่อนข้อสำคัญก็คือพยายามเก็บความรู้ที่ขัดแย้งเอาไว้ก่อนขอให้ลองพยายามคิดตามแนวที่ข้าพเจ้าเสนอไปให้ถึงที่สุดเสียก่อนและท่านจะเข้าใจได้เองว่าความเข้าใจอย่างไหนจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องขอให้จาหลักไว้อย่างหนึ่งว่า สิ่งที่เป็นหลักความจริงนั้นจะต้องพิสูจน์ได้ลงตัวและจะไม่ขัดแย้งกันวิธีศึกษาเรื่องวิญญาณที่จะให้เข้าใจง่ายก็คือขอให้ท่านพิจารณาดูการเกิดของต้นไม้ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าส่วนต่างๆของต้นไม้ที่เกิดขึ้นมานี้ทุกอย่างมีความหมายรากออกมาเพื่ออะไรลำต้นเกิดมาเพื่ออะไรกิ่งและใบออกมาเพื่ออะไรทุกอย่างมีความหมายทั้งสิน้น พฤติกรรมหรือความเป็นไปต่างๆของต้นไม้ก็มีความหมายหน้าที่ของมันทุกอย่างมีความหมายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดถ้าเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นมีความหมายวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดชีวิตวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตหลักอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทว่าวิญญาณปัจญานามารูปัง ตามสับแปลว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปถ้าแปลโดยถอดความหมายก็แปลว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตและตามหลักในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารในคำนี้หมายถึงเจตนาหรือวิบากของกรรม ตามหลักข้อนี้หมายความว่าทุกขณะที่วิญญาณเกิดจะต้องประกอบด้วยเจตนาถ้าไม่มีเจตนาวิญญาณเกิดไม่ได้คำว่าวิญญาณเกิดหมายความว่าเมื่อการเห็นหรือการได้ยินหรือความรู้สึกนึกคิดใดๆก็ตามเกิดขึ้นเรียกว่าวิญญาณเกิดหรือพูกอีกในยะหนึ่งคำว่าวิญญาณคิดก็หมายถึงจักสุวิญญาณ โสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณและมโนวิญญาณเกิดขึ้นโปรดสังเกตว่าถ้าเสียงเข้าหูถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังการได้ยินไม่เกิดคนเราจะมีความนึกคิดในเรื่องไหนก็ต่อเมื่อมีความสนใจหรือมีความตั้งใจในสิ่งนั้นถ้าเรื่องไหนไม่สนใจไม่มีความตั้งใจที่จะนึกคิด ความนึกคิดในเรื่องนั้นก็ไม่เกิดคำว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณมีความหมายเช่นนี้และโปรดจำให้แม่นว่าคำว่าสังขารในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายแต่หากหมายถึงเจตนาหรือวิบากรรมสิ่งใดที่เกิดจากวิญญาณย่อมมีความหมาย การที่สิ่งใดเมื่อเกิดจากวิญญาณจะต้องมีความหมายก็เพราะวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยเจตนาเสมอดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงถือได้ว่าสิ่งใดถ้าเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นจะต้องมีความหมายส่วนต่างๆของต้นไม้ก็ดีพฤติกรรมหรือความเป็นไปต่างๆของมันก็ดีทุกอย่างมีความหมายทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น จึงถือได้อย่างแน่นอนว่าตามหลักพระพุทธศาสนาย่อมถือว่าต้นไม้มีวิญญาณสิ่งที่จะขอร้องเป็นพิเศษในที่นี้ก็คือขอให้เรามาคิดเสไหมว่าธรรมชาติที่สร้างชีวิตต้นไม้ขึ้นมานี้ไม่ใช่อะไรอื่นที่แท้ก็คือวิญญาณในต้นไม้นั่นเองอย่าลืมว่าวิญญาณเป็นนามธรรมทุกครั้งที่เรามองดูการเกิดของต้นไม้ เราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าอำนาจที่ทำให้มเมล็ดผลไม้ออกรากมีลำต้นเกิดขึ้นมีกิ่งและใบเกิดขึ้นอำนาจที่ควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆของต้นไม้ก็คือวิญญาณอย่าลืมว่าสิ่งใดถ้าเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นจะต้องมีความหมายถ้าหากเราก็ใจอย่างนี้หรือเปลี่ยนความคิดสมัยได้ว่า ตัวธรรมชาติที่สร้างชีวิตมานั้นก็คือวิญญาณถ้าเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ได้อย่างนี้เรื่องวิญญาณก็จะเข้าใจง่ายขึ้นมากเราชอบพูดกันว่าคนเราเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติสุดแล้วแต่ธรรมชาติจะสร้างสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันพืชทั้งหลายก็เหมือนกันคำว่าธรรมชาติที่เราพูดถึงกันอยู่นี้ขอให้เข้าใจว่าหมายถึงวิญญาณนั่นเอง จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากต้องพยายามพิจารณาให้เห็นหรือทำความเข้าใจให้ได้ความคิดอันใดที่ขัดแย้งกับความคิดอันนี้ขอได้โปรดเก็บเอาไว้ก่อนเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดถึงอยู่นี้รับรองได้ว่าเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องข้าพเจ้าได้พยายามศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้มานานแล้วพิสูุนและทดสอบมาทุกด้านในทางหลักวิชาและข้อเท็จจริงจากหลักฐานต่างๆมากมาย ส่วนความเข้าใจของคนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนมากก็เชื่อตามๆกันมาไม่ได้ทาการค้นคว้าหรือพิสูจน์ให้แตกหักเช่นถ้าจะถามว่าธรรมชาติในความหมายอย่างที่เคยเข้าใจกันมานั้นหมายถึงอะไรทุกคนจะตอบได้ยากมากหรือบางคนแม้จะตอบได้แต่ในที่สุดก็จะต้องยอมจำนน้ดยเหตุผลที่มาหักล้างหลายอย่างเพราะฉะนั้น ทางที่ดีก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนส่วนสําหรับผู้รู้ที่เรียนในทางพระพุทธศาสนามามากและเข้าใจว่าข้าพเจ้าสอนมิตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาเพราะตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณ น, นั้นเหตุผลในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้ชี้แจงพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆเป็นการชี้แจงสําหรับผู้รู้ที่เรียนมาม า, มากเช่นในหนังสือพุทธวิทยา หนังสือคำบรรยายพุทธปรัชญาและในหนังสือวิญญาณรวมเล่มของปีที่หนึ่งส่วนในที่นี้ข้าพเจ้าจะไม่ชี้แจงเราเรื่องนี้ต้องการจะเขียนให้เป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับผู้ที่จะเริ่มต้นศึกษาเรื่องวิญญาณถ้าเราเอามาเล็ดผลไม้ที่ยังไม่เสียซึ่งหมายความว่าเมื่อเอาไปเพาะแล้วงอขึ้นได้สําหรับมาเล็ดผลไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ก็ขอให้เข้าใจว่า ในมเมล็ดมีวิญญาณแต่วิญญาณที่ว่านี้เราจะมองไม่เห็นตัวถึงแม้ว่าเราจะเอามาผ่าแยกๆดูอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจจะพบตัววิญญาณแต่ที่เรารู้ว่าวิญญาณมีอยู่ในที่นี้ก็เพรา ะ, มะเมล็ดผลไม้อันนี้มีชีวิตขอให้จำหลักไว้อย่างหนึ่งว่าที่ใดมีชีวิตที่นั่นย่อมมีวิญญาณชีวิตกับวิญญาณแยกจากกันไม่ได้ แต่ชีวิตไม่ใช่ตัววิญญาณชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดจากวิญญาณเหมือนอย่างคนเราถ้าวิญญาณอยู่ในร่างกายร่างกายก็ยังมีชีวิตแต่ถ้าวิญญาณออกจากร่างกายเมื่อใดร่างกายก็ตายเมื่อนั้นและวิธีง่ายๆที่จะทำให้วิญญาณออกจากร่างกายก็คือการทำให้ร่างกายตายจะโดยวิธีใดก็ตามเมื่อร่างกายตายแล้ววิญญาณก็ดับ หมายเหตุผู้อ่านคําว่าวิญญาณออกจากร่างกายแล้วไปเกิดใหม่นั้นในที่นี้เป็นการใช้คําเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเบื้องต้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงจุดติดหรือตายคือเคลื่อนจากพบเก่าไปปฏิสนธิในพบใหม่การศึกษาธรรมะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการอธิบายแต่ละครั้งนั้นท่านมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายในแง่มุมไหนหรือสําหรับคนในระดับไหนหลายครั้งนะครับ ที่ผู้เรียนอภิธรรมหรือผู้เคร่งในตำรามักจะเปลือยเอาความรู้ระดับปรมัตดที่เป็นความหมายของศัพต์ในขั้นสูงสุดมาคุยกับคนทั่วไปหรือใช้มาถกเถียงอธิบายธรรมกับในยะการอธิบายที่ต้องการความหมายคร่าวๆในเบื้องต้นเพื่อปูพื้นให้คนทั่วไปเข้าใจก่อนได้ง่ายควรเข้าใจเจตนาการอธิบายธรรมในแต่ละครั้งที่ตรงกันกับจุดประสงค์ของผู้บรรยายหรือแม้แต่พุทธวจนะเองก็ตามนะครับ อย่าลืมว่าวิญญาณเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมย่อมไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าคือจะใช้ตาดูหรือใช้หูฟังเป็นต้นย่อมไม่มีทางจะรู้ได้คนที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณอย่างละเอียดลึกซึง้งต้องเป็นคนที่มีสมาธิ ด, ดีเรื่องวิญญาณต้องศึกษาด้วยวิธีทางสมาธิเท่านั้นจึงจะสามารถรู้แจ้ง การศึกษาด้วยวิธีอื่นเป็นทางอ้อมไม่มีทางที่จะรู้เรื่องวิญญาณอย่างถูกต้องมันเหมือนกับคนตาบอดจะเรียนเรื่องสีต่างๆโดยใช้หูฟังจากคำบอกเล่าของคนอื่นเขาก็อาจจะจำได้แต่จะไม่มีทางรู้จริงเพราะตามองไม่เห็นการศึกษาเรื่องวิญญาณก็เหมือนกันเราอาจจะใช้ตาดูใช้หูฟังก็ได้และโดยปกติเราก็ได้ใช้วิธีนี้กันอยู่แล้วเป็นประจำ เช่นเราอยากจะรู้ความในใจของใครเราก็สังเกตดูกิริยาท่าทางและคําพูดของเขาวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลพอสมควรแต่ในที่สุดจะไม่มีใครสามารถรู้จักใจของคนอื่นได้ทุกแง่ทุกมุมโดยอาศัยวิธีนี้การศึกษาเรื่องจิตใจโดยอาศัยการดูหรือการฟังนั้นมันก็เหมือนกับคนตาบอดเรียนเรื่องสีหรืออาศัยการฟังคําบอกเล่าคนหูหนวกฟังคําพูดคนอื่น โดยวิธีสังเกตจากปากและท่าทางเพราะฉะนั้นเราจะต้องสํานึกไว้เสมอว่าเราจะไปเชื่อความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณโดยวิธีดูหรือฟังนี้ไม่เคยได้เพราะเราศึกษาเรื่องนี้ผิดวิธีธรรมชาติของมันข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาเรื่องวิญญาณมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างจำแจ้งคือต้องอาศัยสมาธิ ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาจากหลักวิชาต่างๆด้วยและโดยเฉพาะก็คือต้องศึกษาธร ร, รมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจด้วยคนที่ไม่มีความรู้แล้เป็นนั่งสมาธิเพื่อจะให้เกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เว้นไว้แต่คนคนนั้นจะเป็นคนที่มีบา ร, รมีในเรื่องนี้มามากแล้วคือหมายถึงเคยฝึกฝนเคยเรียนเคยสะสมความรู้ในชาติก่อนๆมามากแล้ว การทำสมาธิอย่างเดียวโดยไม่ต้องเรียนมาก็อาจจะช่วยให้มีความรู้แตกฉานเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณได้เหมือนกันปัญหาที่ผู้เริ่มเรียนเรื่องวิญญาณไม่ควรจะคิดสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาเรื่องวิญญาณระยะเริ่มต้นนี้เขาจะได้เอาปัญหาที่ยากๆมาพิจารณาก่อน ท่านควรจะศึกษาไปตามลำดับตามหัวข้อที่ข้าพเจ้าแนะนำมาส่วนปัญหาที่ยังไม่จำเป็นขออย่าได้เอามาคิดเป็นอันขาดเราค่อยๆศึกษาไปทีละน้อยก็ใจแค่ไหนก็จดจำไว้เพียงแค่นั้นอันไหนที่ยังไม่เข้าใจก็เก็บเอาไว้ก่อนเช่นปัญหาในทางนองว่าวิญญาณอันแรกมาจากไหนคนเราตายแล้ววิญญาณไปไหนไปอย่างไรเมื่อถือว่าต้นไม้มีวิญญาณวิญญาณของต้นไม้ เมื่อต้นมันตายแล้วมันจะไปเกิดใหม่หรือไม่แล้วเมื่อถือว่าต้นไม้เกิดจากวิญญาณวิญญาณเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแผ่นดินแม่น้าภูเขาสิ่งต่างๆที่ร้ายชีวิตจะเกิดขึ้นมาจากวิญญาณด้วยหรือเปล่าปัญหานี้ทนนองนี้ขอให้เก็บเอาไว้ก่อนข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าถ้าท่านศึกษาไปโดยลาดับและมีความรู้ในขั้นต้นแจ่มแจ้งดีแล้วปัญหาที่ว่านั้นทั้งหมด ท่านสามารถที่จะตอบได้ด้วยตัวของท่านเองส่วนผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นของวิญญาณยังไม่แจ่มแจ้งพอก็ยังไม่มีทางที่จะเข้าใจปัญหาเหล่านั้นได้แม้ท่านจะถามข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอธิบายท่านฟังแล้วก็ตามท่านก็จะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เป็นอันขาดข้าพเจ้าใครที่จะขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีที่จะศึกษาเรื่องวิญ ญ, ญาณให้เข้าใจง่ายก็คือ ขอให้พิจารณาดูการเกิดและการเจริญเติบโตของต้นไม้พยายามดูแล้วดูอีกจนกว่าท่านจะเข้าใจซึง้งและยอมรับอย่างจริงใจว่าต้นไม้มีวิญญาณและวิญญาณในต้นไม้นี่เองที่เป็นตัวการสำคัญทำให้ต้นไม้ออกรากมีลำต้นมีกิ่งมีใบมีดอกมีผลอย่าลืมที่จะนึกอยู่เสมอว่าสิ่งใดถ้าเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นมีความหมาย วิญญาณเป็นนามธรรมเรารู้ว่าต้นไม้มีวิญญาณก็เพราะสังเกตเห็นความเป็นไปของต้นไม้นี่แหละและอีกประการหนึ่งเราสังเกตได้ว่าต้นไม้ก็มีความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนและเป็นความรู้สึกที่เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวคือเป็นความรู้สึกที่จัดอยู่ในจาพวกผะวังค้าวิญญาณ ถ้าหากท่านมีความเข้าใจในเรื่องต้นไม้เป็นอย่างดีแล้วการศึกษาเรื่องวิญญาณในขั้นต่อๆไปก็จะทำให้เข้าใจง่ายและจะทำให้มีความสนใจในอันที่จะศึกษาเรื่องนี้อยู่เสมอท่านจะไม่มีวันเบื่อเพราะจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องของตัวเราเองแจ่มแจ้งโดยลำดับซึ่งจะยังผลให้เรามีความสบายใจและรู้จักการแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเองและจะทาให้เราได้หลักที่ดีและมั่นคงอย่างยิ่งในการดาเนินชีวิต ซึ่งในที่สุดเราจะพบว่าตัวเราเองได้บรรลุถึงความอิสระอย่างสมบูรณ์และเอาชนะความทุกข์ได้ทุกอย่างโดยธรรมดาการศึกษาเรื่องชีวิตทุกอย่างเราจะต้องศึกษาจากชีวิตชั้นต่ำมาก่อนจึงจะทําให้เข้าใจถึงเรื่องชีวิตของเราแจ่มแจ้งเพราะชีวิตชั้นต่ำเป็นชีวิตที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายส่วนชีวิตของคนเราเป็นชีวิตที่ซับซ้อนมาก เพราะฉะนั้นถ้าหากเราศึกษาสิ่งที่ยากเสียก่อนโดยไม่ศึกษาสิ่งที่ง่ายมาก่อนย่อมไม่อาจจะเข้าใจเรื่องของเราได้อย่างแจ่มแจ้งและด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงใคร่ที่จะขอร้องท่านผู้อา่านให้พยายามพิจารณาดูวิญญาณในจาพวกพืชทั้งหลายเสียก่อนแต่ว่าสําหรับในเมืองไทยหรือในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาสักแต่ว่าตามๆกันมาไม่มีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจัง ก็มักจะมีการเข้าใจผิดกันอยู่อย่างหนึ่งว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณซึ่งความเข้าใจผิดที่ว่านี้มีมานานแล้วและเพราะเหตุที่เราไม่ยอมรับกันว่าต้นไม้มีวิญญาณนี่แหละจึงทําให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องยากแม้แต่ในกลุ่มของผู้ใหญ่ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่เสมอเพราะเหตุที่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะสอนเด็กได้ ทั้งที่เรื่องนี้เด็กสามารถเรียนได้ดีเข้าใจง่ายปัญหายุ่งยากในการสอนเกือบไม่มีเลยข้าพเจ้าเคยทำการสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากแล้วข้าพเจ้าพบด้วยตัวของข้าพเจ้าเองว่าเด็กๆมีความสนใจเรื่องนี้ดีมากและสามารถเข้าใจได้ดีด้วยแต่ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าสอนข้าพเจ้าจะต้องพยายามสอนเด็กให้เข้าใจว่าพืทุกอย่างมีวิญญาณ การสอนอย่างนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเป็นการฝึกหัดให้เด็กได้รู้จักว่าธรรมชาติที่สร้างชีวิตทั้งหลายก็คือวิญญาณ น, นั่นเองซึ่งถ้าหากเด็กเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วเด็กจะมีรากฐานศีลธรรมอยู่ในตัวเองต่อไปเด็กจะรู้จักวินิจฉัยได้ถูกต้องว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เด็กจะสามารถตอบตัวเองได้ ในที่สุดเด็กจะมองเห็นคุณค่าของศิลธรรมเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์อย่างนี้มามากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นเป็นความจำเป็นที่จะต้องสอนคนทุกคนแม้กระทั่งเด็กให้เข้าใจว่าพืชทั้งหลายมีวิญญาณธรรมชาติผู้สร้างสารรค์ชีวิตคือวิญญาณ เมื่อเอามาเล็ดผลไม้เช่นมะม่วงเพาะลงไปในดินในไม่ช้ า, มาเมล็ดมะม่วงก็จะออกรากและต่อมาก็จะมีลำต้นเกิดขึ้นมีกิ่งมีใบจึงกระทั่งในที่สุดก็มีดอกและมีผลเราจะต้องพยายามสอนเด็กให้เข้าใจว่าการเกิดการเจริญเติบโตและการมีชีวิตของต้นไม้นั้นขึ้นอยู่กับวิญญาณซึ่งมีอยู่ในมเมล็ดที่ใดมีชีวิตที่นั่นมีวิญญาณ คำพูดประโยคนี้จะต้องจําไว้ให้แม่นและหมั่นนึกอยู่เสมอว่าวิญญาณเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมย่อมไม่สามารถจะสัมผัสดได้ด้วยประสาททั้งห้ามเมล็ดมะม่วงที่ยังมีชีวิตเพราะมันยังไม่ตายเอาไปเพาะแล้วมันงอกขึ้นมาได้มเมล็ดมะม่วงอย่างนี้ยังมีวิญญาณอยู่ภายในมเมล็ดส่วนมเมล็ดที่เน่าบริเีย มันก็เหมือนกับคนที่ตายแล้ววิญญาณย่อมไม่มีสมองเป็นศูนย์กลางของวิญญาณในขณะที่เราเนื้อคิดหมายถึงวิญญาณเนื้อคิดเรารู้ว่าวิญญาณมีอยู่ในสมองก็เพราะในขณะที่เราคิดเราใช้สมอง ถ้าสมองพิการก็คิดอะไรไม่ออกหรือบางทีก็คิดอะไรไม่ได้เลยทั้งที่เรารู้ว่าวิญญาณอยู่ในสมองแต่จะพาสมองออกเพื่อตรวจดูวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะวิญญาณเป็นนามนธรรมในมเมล็ดพืชทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ในขณะ น, นี้วิญญาณยังมีอยู่ในมเมล็ดแต่ก็ไม่อาจที่จะพามาล็ดออกเพื่อตรวจดูวิญญาณ การศึกษาเรื่องวิญญาณอย่าพยายามใช้ตาดูหรือใช้มือจับถูกต้องแต่ต้องพยายามพิจารณาถึงเหตุผลจึงจะสามารถเข้าใจได้เมื่อพูดถึงวิญญาณอย่าลืมว่าวิญญาณมีอยู่สองประเภทคือจิตสํานึกกับจิตไร้าสานึกวิญญาณในเมล็ดพืชเป็นจําพวกจิตไร้สํานึกเพราะฉะนั้นวิญญาณประเภทนี้จะทางานไปโดยไม่รู้สึกตัว การที่ต้นไม้ออกรากได้จเจริญเติบโตได้มีลำต้นเกิดขึ้นมีกิ่งและใบเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะวิญญาณสร้างสรรค์ข้อพิสูจน์ก็คือสิ่งใดถ้าเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นจะต้องมีความหมายคืออธิบายได้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรการออกรากก็ดีการมีลำต้นเกิดขึ้นก็ดีการมีเปลือกมีกันมีใบมีดอกมีลูกเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ เราอธิบายได้ทั้งสิ้นว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรพฤติกรรมคือความเป็นไปต่างๆของต้นไม้เป็นสิ่งที่มีความหมายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงรู้แน่ว่าต้นไม้มีวิญญาณอย่าใช้คำว่าธรรมชาติโดยที่ไม่เข้าใจความหมายย่างชาัดเจน อันหนึ่งผู้ที่จะศึกษาเรื่องวิญญาณให้เข้าใจจำแจ้งในระยะแรกจะต้องปัดคำว่าธรรมชาติที่ตนเองไม่เข้าใจออกไปก่อนเช่นที่เราพูดกันว่าชีวิตเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติสุดละแต่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นมาคำว่าธรรมชาติที่ใช้กันอยู่นี้ต้องปัดออกไปก่อนอย่าไดเอามาใช้เป็นอันขาดเราจะทาให้เกิดความไม่เข้าใจในเรื่องวิญญาณแต่ตรงกันข้าม ทุกครั้งที่เรามองดูชีวิตเช่นมองดูการเจริญเติบโตของต้นไม้เราจะต้องนึกไว้เสมอว่าในต้นไม้นั้นมีวิญญาณควบคุมอยู่และอำนาจที่สร้างสารรค์ต้นไม้ขึ้นมาก็คือวิญญาณอย่าลืมว่าวิญญาณส่วนนี้เป็นพวกจิตไร้สานึกและจะต้องหมั่นนึกถึงเหตุผลที่ว่าสิ่งใดเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นมีความหมายเราจะต้องพยายามจาข้อความที่ว่านี้ และนึกให้บ่อยที่สุดจนกว่าจะเข้าใจซึ่งว่าอำนาจที่ควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของต้นไม้นั้นก็คือวิญญาณไม่มีอำนาจอะไรอย่างอื่นนอกจากนี้เมื่อเราเข้าใจเรื่องวิญญาณในต้นไม้ดีแล้วก็เป็นการง่ายที่จะทําให้เรามองเห็นว่าเด็กที่เกิดใหม่ในท้องแม่ก็จะต้องมีวิญญาณและการที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลาดับ ก็เป็นด้วยอานาจของวิญญาณอย่าลืมที่จะนึกบ่อยๆว่าวิญญาณคืออำนาจหรือพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็นนามธรรมวิญญาณที่มีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในสิ่งที่มีชีวิตทุกประเภทเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราก็มีวิญญาณอยู่ทั่วทุกเซลล์แต่ถึงกระนั้นวิญญาณก็มีศูนย์กลางเหมือนกับกระแสฟไฟฟ้าซึ่งแผ่กระจายอยู่ทั่วเมือง ซึ่งศูนย์กลางของไฟฟ้าก็คือโรงงานผลิตไฟฟ้าในถนองเดียวกันศูนย์กลางของวิญญาณก็คือสมองดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองวิญญาณเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็นนามธรรมาเมื่อเราเอากระดาษใส่เข้าไปในกองไฟในที่สุด กระดาษก็กลายเป็นขี้เท่าไปหรือความร้อนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้กระดาษกลายเป็นขี้เท่าเพราะเหตุที่ความร้อนมีอานาจเช่นนี้ทางวิทยาศาสตร์จึงเรียกความร้อนว่าเป็นพลังงานในทนองเดียวกันคนที่ตายแล้วถ้าเอาอาหารให้กินอาหารนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลายเป็น เ, ปนเนื้อหนังขึ้นมาได้แต่ถ้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อรับประทานอาหารเข้าไป อาหารก็จะกลายเป็นเลือดเนื้อเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆด้วยเหตุนี้วิญญาณจึงถือว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งแต่ต่างจากความร้อนเพราะความร้อนเป็นพลังงานที่เป็นวัตถุหรือเป็นพลังงานของวัตถุส่วนวิญญาณเป็นพลังงานที่เป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูป คำว่ารูปในที่นี้หมายถึงร่างกายและหมายถึงหน้าที่หรือพฤติกรรมต่างๆของร่างกายชีวิตเมื่อตอนเริ่มต้นเป็นเพียงจุดเล็กๆซึ่งเกิดขึ้นจากการผสมระหว่างสเปิร์มกับไข่ภายในมดลูกตามหลักพุทธศาสนาถือว่าไข่ที่ผสมเวลานี้ถ้าหากวิญญาณยังไม่มาเกิดไข่นั้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนไม่ได้ ว, วิญญาณจะมาเกิดในไข่ที่ยังไม่ได้ผสมกับตัวสเปิร์มหรือเชื้อของพ่อก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบวิญญาณเหมือนพืชบาลีว่าวิญญาณนางพีชังโดยธรรมดาพืชถ้าไม่ได้ดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมพืชนั้นก็ไม่อาจที่จะเกิดอาจจเริญเติบโตขึ้นมาได้วิญญาณซึ่งเป็นพืชนามธรรม ก็ไม่อาจที่จะเกิดในสภาพของชีวิตที่ไม่มีความเหมาะสมเช่นไข่ที่ยังไม่ได้ผสมหรือผสมแล้วแต่สภาพแ่งจิตใจและสภาพแ่งร่างกายที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ถ้าหากไม่เหมาะสมกับสภาพของวิญญาณที่มาเกิดวิญญาณก็ไม่อาจที่จะเกิดในชีวิตนี้ได้จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเป็นจุดที่จะต้องทาความเข้าใจให้จำแจ้ง ขอให้จำคำพูดไว้ประโยคหนึ่งว่าวิญญาณย่อมรู้จักที่ที่เหมาะแก่ตัวมันเองวิญญาณสูงย่อมเกิดในที่สูงวิญญาณต่ำย่อมเกิดในที่ต่ำวิญญาณย่อมรู้จักที่ที่เหมาะแก่ตัวมันเองคำพูดประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่า คนเราจะสามารถเลือกที่เกิดเอาได้โดยจิตสำนึกพืชทั้งหลายย่อมรู้จักที่ที่เหมาะแก่ตัวมันเองซึ่งหมายความว่าถ้าหากพื้นดินและสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่เหมาะแกะพ่พืชพืชที่ปลูกลงไปนั้นก็จะไม่เกิดหรือเกิดแต่ก็ไม่งามพืชย่อมรู้จักที่ที่เหมาะแก่ตัวมันเองโดยที่มันไม่รู้สึกตัวเป็นการรู้โดยอัตโนมัติข้อนี้ฉันใด คำว่าวิญญาณย่อมรู้จักที่ที่เหมาะแก่ตัวมันเองก็มีความหมายอย่างเดียวกันนี้หรือพูดอีกในย่าหนึ่งวิญญาณที่มีสภาพที่คล้ายคลึงกันและเข้ากันได้ย่อมดึงดูดเข้าหากันด้วยกฎอันนี้เองคนเราเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในที่ไหนโดยเฉพาะคือเกิดในกำเนิดของคนหรือของสัตว์ในโลกนี้จะต้องมีความเหมาะสมเช่นเดียวกับพืชทั้งหลายไม่เช่นนั้นเกิดไม่ได้ แต่ถ้าไปเกิดเป็นโอปปาติกะไม่ต้องอาศัยความเหมาะสมของพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมต่างๆการเกิดของโอปปาติกะเป็นการเกิดโดยอาศัยอํานาจแห่งวิบากของกรรมโดยเฉพาะาพระพเจ้าขอให้ท่านนึกถึงการเกิดของต้นไม้อีกสักครั้งหนึ่งเมื่อเราเอามาล็ดผลไม้พิเพาะลงในดินในไม่ช้ามันก็จะออกรากเกิดลําต้นเกิดกิ่งเกิดใบขึ้นโดยลําดับ ขอให้ท่านพยายามสลัดความคิดเก่าๆออกไปให้หมดแลมองดูการเกิดของต้นไม้พยายามมองให้เห็นว่าตัวธรรมชาติที่ทำให้เมล็ดออกรากและทำให้เกิดลาต้นเกิดส่วนต่างๆของต้นไม้หรือพูดอีกในย่าหนึ่งการที่ต้นไม้ดูดเอาอาหารในดินเข้าไปเลี้ยงลาต้นดินกลายเป็นต้นก็โดยอาศัยอำนาจของวิญญาณอย่าลืมว่า สิ่งใดถ้าเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นย่อมมีความหมายเมื่อท่านเข้าใจเรื่องวิญญาณในต้นไม้แจ่มแจ้งดีต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการง่ายในอันที่จะทำความเข้าใจว่าไข่ของแม่ที่ผสมเอาไว้แล้วซึ่งในที่สุดก็ได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนเหมือนกับมเมล็ดพืชซึ่งเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ให้ท่านสังเกตว่าอา ว, วัยวะทุกๆอย่างภายในร่างกาย หน้าที่ของอวัยวะต่างๆสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นมามีความหมายทั้งสิ้นหมายเหตุผู้อา่านในเรื่องสิ่งปลีกย่ อ, อยในร่างกายนั้นที่บางส่วนอาจดูไม่มีประโยชน์หรือไร้ความหมายก็ให้เข้าใจว่าเป็นข้อยกเว้นว่าอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อประโยชน์อะไรแต่เกิดมาเพราะวิบาก ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นถ้าในอดีตชาติมีความฝังใจในรูปลักษณ์ของเพศตรงข้ามอย่างเหนียวแน่นถ้าความชอบนั้นเป็นในทางการราคาอย่างเข้มข้นเมื่อเกิดใหม่จิตก็จะสร้างร่างกายในแบบที่ตัวเองเคยชอบอาจจะได้ร่างกายเป็นหญิงทั้งที่ใจยังรู้สึกเป็นชายหรืออาจจะได้ร่างกายเป็นชายกํายำอย่างที่เคยชอบอย่างเหนียวแน่นแต่ความรู้สึกในใจก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นหญิงตลอดเวลาหรือแม้จะเรื่องเล็กน้อย เช่นถ้ชาติก่อนๆเคยมีจิตฝังใจชอบคนขนดกแน่นอนว่าเกิดใหม่ก็อาจจะกลายเป็นคนคนดกได้โดยง่ายโดยที่จะเห็นนะครับว่าบางสิ่ง น, นั้นไม่ได้เกิดมาทำหน้าที่อะไรโดยเฉพาะแต่เกิดเพราะวิบากของกรรมคือมโนกรรมที่สะสมไว้อย่างเข้มข้ น, นแล้วก็ยังมีค้อบกพรอย่อยอยีกคือหลายครั้งอาจจะไม่ได้ชอบแต่เป็นการเกลียดอย่างรุนแรงหรือเป็นการปรามทยสะใจที่ได้ด่า ได้ล้อเลียนส่วนบุกร่องของผู้อื่นความสะใจในการด่าในการเหยียดยามรูปลักษณ์ของผู้อื่นก็จะเป็นข้อมูลฝังในจิตไว้ลึกมากเป็นข้อมูลที่ทําให้จิตไร้สานึกเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ชอบสิ่งที่ต้องการเมื่อเกิดใหม่ก็อาจจะมีความบุกร่องทางร่างกายได้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เคยด่าอย่างสะใจสนุก ป, ปากหรือมีความสุขใจที่ได้ล้อเลียนคนอื่นไว้ให้สังเกตนะครับว่า การกระทําด้วยความสะใจด้วยความสุขใจด้วยความสนุกของตัวเองก็อาจส่งผลให้เกิดข้อมูลผิดสะสมไว้ในจิตไร้สํานึกจนเมื่อเกิดใหม่ก็นําข้อมูลเหล่านั้นออกมาสร้างเป็นรูปลักษณ์ที่เคยล้อเรียนหรือเคยเหยาดยามเข้าไว้ได้ซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปลีกย่อยนะครับแต่ต้องขอหมายเหตุเพิ่มไว้เพราะเกรงว่าถาหลายท่านได้เห็นประโยคที่ผ่านมานั้นว่า อ, าอาวัยวะทุกส่วนของร่างกายเกิดขึ้นมาล้วนมีความหมายบางครั้ง อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรแต่เกิดมาด้วยความหมายของส่วนที่ว่าเป็นผลของวิบากของกรรมเป็นมนโนกรรมที่เคยทำไว้สะสมไว้ในจิตเป็นข้อมูลเสียๆไว้ให้มาสร้างร่างกายให้ผิดปกติหรือบางส่วนอาจดูไม่มีประโยชน์ในแบบที่เรียกว่าไม่รู้จะมีไว้ทำไมหรือทาไมต้องเกิดมาเป็นแบบนี้กลับเข้าเนื้อหาหลักต่อนะครับ เมื่อท่านเข้าใจแล้วว่าอำนาจที่ทำให้อาหารของต้นไม้ที่รากมันดูดเข้าไปกลายเป็นส่วนต่างๆของต้นไม้อำนาจที่ว่านี้คือวิญญาณเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าอำนาจที่ทำให้โลหิตของแม่ที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในตัวเด็กได้กลายเป็นส่วนต่างๆของร่างกายก็คืออำนาจของวิญญาณเช่นเดียวกันวิญญาณที่ทาหน้าที่สร้างร่างกายขึ้นมานี้เป็นพวกผวังคาวิญญาณ รอจิตไร้สำนึกเป็นวิญญาณที่ทำหน้าที่ของมันโดยไม่รู้สึกตัวเป็นการทำงานโดยอัตโนมัติใครจะเกิดมามีรูปร่างลักษณะอย่างไรสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือกรรมพันธ์ที่สืบเนื่องมาจากพ่อแม่สาเหตุอันที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมและสาเหตุอันที่สามก็คือสภาพของวิญญาณที่มาเกิดเพราะฉะนั้น แต่ละคนที่เกิดมาจะต้องเหมือนพ่อแม่แต่ไม่ใช่เหมือนทุกอย่างเพราะยังมีสาเหตุที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในวิญญาณวิบาสของกรรมของแต่ละบุคคลไม่มีของใครเหมือนกันเพียงแต่คล้ายคลึงกันบางอย่างหรือบางแง่เท่านั้นเพราะฉะนั้นลักษณะพิเศษซึ่งเรียกว่าบุคลิกลักษณะซึ่งต้องมีด้วยกันทุกคน ลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันและไม่เหมือนกับพ่อแม่อันนี้แหละที่ทำให้คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันทุกอย่างเราลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคลเกิดมาจากวิบากของกรรมซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเราทราบกันดีว่าต้นไม้จะเกิดขึ้นมาเป็นต้นอะไรความสำคัญอยู่ที่มเมล็ดของมันสิ่งแวดล้อมไม่สามารถจะเปลี่ยนพันธุ์ของต้นไม้ได้ เชื้อของต้นไม้ซึ่งมีอยู่ในมเมล็ดก็คือวิบากของกรรมซึ่งเป็นวิบากที่มองเห็นได้ง่ายเพราะเรื่องของต้นไม้ไม่ซับซ้อนเหมือนกับเรื่องของคนแต่ปัญหาสําคัญมีอยู่ว่าคนที่ยังไม่เคยชินกับความคิดในเรื่องนี้ก็มักจะไม่ยอมเชื่อว่าเชื้อของมเมล็ดผลไม้ก็คือวิบากของกรรมของต้นไม้สาเหตุที่ไม่เชื่อและไม่เข้าใจ ก็เพราะเคยเข้าใจผิดกันมาเส้นนานว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณเมื่อต้นไม้ไม่มีวิญญาณต้นไม้ก็ย่อมไม่มีกรรมและเมื่อกรรมไม่มีวิบากของกรรมก็ย่อมไม่มีข้าพเจ้าใครที่จะขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าถึงแม้ว่าความคิดอันนี้จะเป็นสิ่งที่แปลกและขัดกับความรู้สึกเดิมเพียงไรก็ตามก็ขอได้โปรดอดใจไว้ก่อน เมื่อก่อนข้าพเจ้าก็มีความคิดอย่างเดียวกับท่านทั้งหลายคือไม่เชื่อว่าต้นไม้มีวิญญาณแต่ข้าพเจ้ากรอดีกว่าท่านทั้งหลายตรงที่ว่าข้าพเจ้าทําการศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรู้แน่ว่าต้นไม้มีวิญญาณแน่และต้นไม้ก็มีกรรมและมีวิบากของกรรมเหมือนกัน การศึกษาเรื่องวิญญาณจะต้องศึกษาควบคู่กันไปกับเรื่องกรรมเพราะการที่จะเข้าใจเรื่องกฎของกรรมได้อย่างแจ่มแจ้งนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างแจ่มแจ้งและในทำนองเดียวกันการที่จะเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างแจ่มแจ้งก็ต้องเมื่อเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งและเมื่อพูดถึงการศึกษาเรื่องกรรมข้าพเจ้าก็ใคร้ที่จะขอเตือนไว้ก่อนว่าจงเก็บความคิดทีขัดแย้งเอาไว้ก่อน รอเรื่องกรรมเท่าที่ศึกษากันมานั้นโดยมาศึกษากันในวงแคบและก็มักจะยึดมั่นอยู่แต่ในความคิดเห็นเท่าที่ได้เรียนมาอันนี้นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงที่ทําให้ไม่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งและถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าจะอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ท่านจะพบว่ามีอะไรแปลกและใหม่จากความเข้าใจของคนทั้งหลายเป็นอันมาก ความหมายของคำว่ากรรมข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างย่อมมีวิญญาณต้นไม้ก็มีวิญญาณและในเมื่อต้นไม้มีวิญญาณก็หมายความถึงว่าต้นไม้มีกรรมหรือถ้าจะพูดให้ชัดการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของต้นไม้ก็อยู่ภายใต้กฎของกรรม เช่นเดียวกับคนและสัตว์ทั่วไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงคําว่ากรรมขออย่าได้เข้าใจแต่เพียงว่าถ้าฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตหรือทําความชั่วอื่นๆถือว่าเป็นบาปกรรมแต่ถ้าไม่ได้ฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตทําแต่ความดีต่างๆถือว่าเป็นกุศ ล, ลกรรมความเข้าใจเช่นนี้แพร่หลายทั่วไปคนส่วนมากเข้าใจกันเพียงเท่านี้ ถ้าจะพูดว่าต้นไม้ก็ทํากรรมเหมือนกันคนทั่วไปจะสงสัยไม่เข้าใจและไม่เชื่อเพราะผิดจากความเข้าใจเดิมและผิดจากความเข้าใจของคนทั้งหลายเป็นอันมากข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าการศึกษาเรื่องชีวิตจะต้องเริ่มต้นศึกษาจากชีวิตชั้นต่ำชีวิตที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเราเข้าใจชีวิตประเภทนี้ดีแล้วการศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องชีวิตชั้นสูง คือชีวิตที่ซับซ้อนเช่นชีวิตของคนเป็นต้นก็จะเข้าใจได้โดยง่ายการศึกษาเรื่องกรรมก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุที่คนทั้งหลายไม่ได้รับการสอนให้เข้าใจถึงเรื่องกรรมในแบบง่ายๆคือกรรมของพืชทั้งหลายนอกจากจะไม่ได้รับการศึกษาในเรื่องนี้แล้วยังเข้าใจผิดอีกด้วยว่าชีวิตของต้นไม้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของกรรม ความบวกพร่องในเรื่องนี้หละที่ทำให้คนทั้งหลายมิซึ้งในเรื่องกฎของกรรมข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าต้นไม้ก็อยู่ภายใต้กฎของกรรมการกระทาหรือพฤติกรรมต่างๆของมันนั่นแหละคือกรรมของต้นไม้กรรมคือกฎแห่งส า, ากลจักรวาล เมื่อพูดถึงคำว่ากรรมขอให้เข้าใจว่ากฎอันนี้เป็นกฎของสากลจักรวาลคือเป็นกฎของทุกสิ่งทุกอย่างคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำแต่ถ้าจะแปลกันให้ชัดต้องแปลว่าพฤติกรรมที่มีความหมายหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งกรรมหมายถึงการกระทำที่เกิดจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามหลักพุทธศาสนาที่เรารู้กันแพร่หลายเหล่านั้นสอนว่ากรรมมีสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมขอให้พิจารณาดูความหมายนี้ให้ชัดการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจทุกอย่างที่ถือว่าเป็นกรรมนั้นล้วนแต่เกิดจากเจตนาทั้งสิน้นและจะถือว่าเป็นกุศลและอกุศลก็สําคัญอยู่ที่ตัวเจตนา เพราะฉะนั้นจึงพูดได้อีกนัยยะหนึ่งซึ่งเป็นความหมายที่ลึกซึ้งว่าเจตนาคือกรรมทั้งนี้ก็เพราะการกระทาทุกอย่างย่อมเกิดจากเจตนาไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่งและการกระทำนั้นจะเป็นกุศลลาอกุศลสําคัญอยู่ที่เจตนาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิ แปล ว, ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมคือการกระทาหรือพฤติกรรมที่มีความหมายคำจงกัดความอันนี้โปรดจำไว้ให้แม่นและในการศึกษาครั้งแรกอย่าเพิ่งนึกในแง่ของศีลธรรมคือนึกในแง่ของบุญและบาป แต่ขอให้นึกเป็นหลักกลางๆเอาไว้ก่อนเรื่องบุญและบาปเรื่องกุศลและอกุศลเอาไว้พูดกันทีหลังเฉพาะในระยะเริ่มแรกนี้ต้องเข้าใจแต่เพียงว่ากรรมก็คือการกระทาหรือพฤติกรรมที่มีความหมายครั้งนี้ขอให้เราหันมามองดูเรื่องต้นไม้แล้วเราจะพบว่าต้นไม้มีการกระทาหลายอย่างเช่นการกินซึ่งหมายถึงการดูดอาหารทางรากหรือทางใบ การหายใจการสืบพันธุ์การย่อยการเผาผลาญอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งการทําต่างๆเหล่านี้ย่อมมีเหมือนกันในสิ่งที่มีชีวิตการกระทําอย่างนี้คนทั่วไปไม่ยอมรับว่าเป็นกรรมทั้งนี้ก็เพราะเข้าใจว่าการกระทําเหล่านี้จะถือว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปไม่ได้เพราะมันเป็นการกระทําเหมือนกันหมดในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแต่อย่างไรก็ดีขอให้นึกถึงความหมายของคําว่า ก, กรรม ที่ว่ากรรมคือการกระทำที่มีความหมายและจงพิจารณาดูว่าการกินการย่อยการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของต้นไม้มีความหมายหรือไม่ทุกคนก็จะยอมรับว่าทุกอย่างมีความหมายทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงได้ถือว่าเป็นกรรมแต่ข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่าคนส่วนมากจะไม่ยอมรับความคิดอันนี้ เราไม่อาจจะจัดได้ว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ข้าพเจ้าก็ได้บอกแล้วว่าการคิดถึงเรื่องกรรมในครั้งแรกอยากคิดในแง่ของบุญและบาปแต่จงคิดในแง่ที่ว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะต้องมีวิบากของมันอย่างนั้นเกิดขึ้นและเมื่อวิบากมีอยู่อย่างไร ก็จะเป็นเหตุที่เกิดการกระทำอย่างนั้นสืบต่อไปอีกหลักอันนี้เป็นหลักที่ลึกซึ้งคนส่วนมากไม่คิดให้ละเอียดจึงมองไม่เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่มเมล็ดมะม่วงเป็นเหตุที่เกิดต้นมะม่วงและต้นมะม่วงก็เป็นเหตุที่เกิดมเมล็ดมะม่วงจงพิจารณาให้เห็นว่าการกระทำต่างๆของต้นมะม่วงนักจําเดิมตั้งแต่การออกราก จนกระทั่งออกดอกและออกผลนั้นการกระทำทุกอย่างของมันมีความหมายและเป็นเหตุให้เกิดวิบากคือเมล็ดหรือถ้าจะพูดให้ชัดคือเป็นเหตุให้เกิดเชื้อหรือกรรมพันธุ์ซึ่งมีอยู่ภายในเมล็ดเชื้อหรือกรรมพันธุ์ซึ่งมีอยู่ภายในเมล็ดอันนี้แหละคือวิบากของต้นไม้และจากวิบากอันนี้เองก็จะเป็นเหตุให้เกิดกรรม คือการกระทาในรูปเดิมและจากการกระทาในรูปเดิมก็จะเป็นเหตุให้เกิดวิบากในรูปเดิมสืบต่อกันไปเช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านมองเห็นแล้วหรือยังว่าต้นไม้มีกรรมคือการกระทําที่มีความหมายและจากการกระทําที่มีความหมายก็เป็นเหตุให้เกิดวิบาก ค, คือเชื้อและจากวิบาก ค, คือเชื้อก็เป็นเหตุให้เกิดกรรม คือการกระทำที่มีความหมายสืบต่อกันไปอีกอันที่จริงเรื่องกรรมและวิบากตามที่อธิบายมานี้เห็นได้ง่ายเข้าใจง่ายแต่คนส่วนมากกลับเข้าใจยากและไม่ยอมเชื่อว่าอย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมและวิบากคนที่ไม่ยอมเชื่อเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเหตุอะไรเลยเป็นเพราะความรู้ที่เรียนมาเกิดเป็นพิษทาให้ตามืดมัว รอยเหตุที่ตนศึกษามาแคบและไม่เคยใช้ความคิดในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งซึ่งตรงกันข้ามกับเด็กสอนไม่นานเท่าไหร่เด็กก็จะเข้าใจและเชื่อได้อย่างสนิทหรือนักศึกษาที่ไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นใดๆของตนไม่มีทิฏฐิมานะนะักศึกษาที่มีใจเป็นกลางไม่มีอคติจะเข้าใจถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดมาแล้วง่ายมาก ชีวิตของต้นไม้เป็นชีวิตที่ไม่ซับซ้อนมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นและสมองเหมือนอย่างคนมันไม่มีโอกาส ศ, ศึกษาไม่มีโอกาสรับสิ่งภายนอกเข้าไปเปลี่ยนแปลงสันดานของมันนอกจากอาศัยสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวซึ่งต้องใช้เวลานานมากกว่าสันดานของมันจะเปลี่ยนและถ้าหากเราพิจารณาดูคนที่สมองไม่เจริญหรือประสาทบางอย่างพิการเช่นหูหนวกหรือตาบอดมาแต่กาเนิด บุคคลประเภทนี้เคยมีนิสัยสันดานมาอย่างไรก็มักจะเป็นอย่างนั้นจนตลอดชีวิตสันดานก็คือวิบากที่สะสมเอาไว้เป็นเวลานานจนกระทั่งเป็นแบบตายตัวหรือแน่นแฟ้นเปลี่ยนแปลงยากสันดานที่แสดงออกมาทางการกระทำทางการพูดและทางความนึกคิดอันนี้เราเข้าใจได้ไม่ยากแต่สันดานที่แสดงออกมาในทางบุคลิกลักษณะ คนทั่วไปเข้าใจไม่ได้นอกจากหมอดูที่จำนานในการดูลนะักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเช่นลักษณะคิ้วหน้าผากตาใบหูลายมือเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบอกที่รู้ถึงนิสัยสันดานเป็นเครื่องบอกที่รู้ถึงโชคชะตาเพราะฉะนั้นเราจึงยอมรับว่าบุคลิกลักษณะต่างๆเป็นคนที่สืบเนื่องมาจากวิบากของกรรม ที่สืบเนื่องมาแต่ชาติก่อนซึ่งได้เริ่มให้ผลคือก่อให้เกิดบุคลิกลักษณะต่างๆมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิวิบากของกรรมที่ก่อให้เกิดบุคลิกลักษณะต่างๆอันนี้ลหละเป็นเงื่อนสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต้นไม้ก็มีกรรมและมีวิบากเหมือนกันและอย่าลืมว่าเงื่อนนี้คนทั่วไปไม่รู้และไม่ได้เอาใจใส่ เพราะฉะนั้นจึงนึกไม่ถึงว่าแม้ต้นไม้ก็มีกรรมและมีวิบากข้าพเจ้าใครที่จะขอเตือนอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เคยเตือนมาแล้วหลายครั้งอย่าหาว่าเป็นการซ้ำซากเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าความเคยชินมีอิทธิพลเพียงใดและความเคยชินที่ว่านี้ก็คือท่านอย่านึกเป็นอันขาดว่าต้นไม้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ สุดแล้วแต่ธรรมชาติจะสร้างข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่าให้ปัดคำว่าธรรมชาติที่ตนเองไม่เข้าใจความหมายดีวยทองแท้ออกไปให้ไกลที่สุดแต่จงคิดเสใหม่ว่าชีวิตทั้งหลายซึ่งมีวิญญาณยอมเกิดขึ้นมาตามสภาพของวิญญาณสุดแล้วแต่วิญญาณจะสร้างจุดนี้เป็นจุดสาคัญถ้ายังคืนวกไปหาความเข้าใจเดิมว่าสุดแล้วแต่ธรรมชาติจะสร้าง ถ้ายังคืนวกไปอย่างนี้จะไม่เข้าใจถึงเรื่องวิญญาณแล้วเรื่องของกรรมอย่างแจ่มแจ้งและข้าพเจ้ารู้ดีว่าคนที่เคยชินกับความคิดแบบไหนก็มักจะคิดแต่แบบนั้นตัดได้ยากโดยเหตุนี้จึงต้องคอยเตือนสติเอาไว้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าต้นไม้มีวิญญาณเพราะต้นไม้ก็มีความรู้สึก และการกระทำต่างๆของมันมีความหมายทั้งสิน้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ขอให้พิจารณาว่าการกระทำของต้นไม้ซึ่งถ้าจะพูดให้ชัดก็คือการกระทำของวิญญาณที่มีอยู่ในต้นไม้การกระทำทุกอย่างของมันจะก่อให้เกิดวิบากหรือไม่และวิบากที่ว่านี้คืออะไรจงปล่อยเรื่องนี้ไว้ก่อนจงหันมาศึกษาถึงเรื่องคน ซึ่งเรายอมรับว่าการกระทำทุกอย่างเป็นกรรมและจะต้องมีวิบากเกิดขึ้นเสมอแต่ถ้าจะพูดให้ชัดตามหลักอภิธรรมจะต้องกล่าวว่าเมื่อชวนจิตเกิดขึ้นแล้ววิบากจะต้องเกิดขึ้นเสมอวิบากของคนคืออะไรชวนะโดยสับแปลว่าลั่นไปชวนจิต คือจิต ท, ที่ลั่นไปอย่างเร็วในอารมณ์ด้วยกุศลจิตอกุศลจิตกิริยาจิตและวิบากจิตวิบาก ค, คืออะไรคนเราเมื่อทำดีพูดดีคิดดีและดีในทางไหนความดีในทางนั้นย่อมเกิดขึ้นในสันดาน เมื่อผู้ชั่วทำชั่วคิดชั่วและชั่วในทางไหนความชั่วในทางนั้นย่อมเกิดขึ้นในสันดานความดีและความชั่วที่สะสมอยู่ในสันดานอันนี้หละคือตัววิบากและโดยในยะนี้นิสัยหรือความเคยชินต่างๆความถนัดหรือความสามารถความรอบรู้ที่สะสมเอาไว้ในสันดานก็คือวิบากเมื่อพูดถึงวิบากโปรดยันนึกแต่เพียงแค่แคว่า จะต้องหมายถึงในทางไม่ดีคําว่าวิบากเป็นคำกลางๆซึ่งจะหมายถึงทั้งในทางดีก็ได้ในทางชั่วก็ได้เช่นพูดว่าวิบากของกุศลวิบากของอกุศลวิบากของบุญวิบากของบาปอย่างนี้ก็ได้และอย่านึกแต่เพียงว่าถ้าพูดถึงกรรมและวิบากจะต้องมีความหมายเฉพาะแต่ในทางศีลธรรม เช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์เป็นอกุศลกรรมการไม่ฆ่าการไม่ลักการฟังเทศการใส่บาทอย่างนี้เป็นกุศลกรรมอย่างนี้เป็นต้นโปรดจะนึกแต่เพียงแคบๆอย่างนี้เด็กที่กําลังหัดอ่านหนังสือหัดเขียนหนังสือหัดวาดรูปหรือหัดทําอะไรก็ตามอย่างนี้เรียกว่าเด็กกําลังทํากรรมและวิบาศของกรรมอย่างนั้นก็ต้องเกิดขึ้นในสันดาน เมื่อเราหัดอ่านหนังสือหัดเขียนหนังสือบ่อยๆเราก็จะมีความชำนาญในการอ่านและการเขียนมากขึ้นโดยลำดับความรู้ความชำนาญหรือความสามารถที่ค่อยๆเกิดขึ้นในสันดานอันนี้ก็คือวิบาก ค, คนที่เคยศึกษาอภิธรรมมาแล้วจงพิจารณาให้ดีว่าในขณะที่เด็กหัดเขียนหรือหัดอ่านเด็กต้องใช้ความนึกคิดเด็กต้องใช้ความตั้งใจ อาการเหล่านี้ต้องแสดงให้เห็นว่าในขณะที่เด็กกำลังหัดเขียนหัดอ่านชาวนาจิตได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นกรรมและจะต้องมีวิบากเกิดขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหากเราได้พยายามศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องกรรมและวิบากให้กว้างขวางดังที่กล่าวมานี้แล้วจะทำให้เรามองเห็นถึงอานาจของกรรมได้อย่างลึกซึ้งทีเดียว แล้วเราจะเข้าใจเรื่องชีวิตของเราได้ง่ายว่าทุกคนจะต้องเป็นไปตามวิบากของกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ก็ต่เมื่อเราศึกษาเรื่องต้นไม้เปรียบเทียบกับสัตว์และเปรียบเทียบกับคนที่สมองไม่เจริญหรือประสาทพิการเพราะชีวิตประเภทนี้ไม่ค่อยซับซ้อนเช่นอย่างต้นไม้มันทำกรรมซ้ำๆอยู่ในรูปเดิมและผลของมันก็ออกมาในรูปเดิมเสมอ สัตว์ทั่วไปก็เหมือนกันคนที่สมองไม่เจริญก็เหมือนกันข้อสำคัญขอให้พยายามมองให้ซึ้งว่าอำนาจที่ควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทุกอย่างนั้นคือวิญญาณและในวิญญาณย่อมมีวิบากต่างๆที่สะสมเอาไว้วิบากนั้นก็เกิดจากการกระทำต่างๆเช่นการกินการย่อยเป็นต้น อันหนึ่งเมื่อท่านนึกถึงหลักที่ว่าวานเพื่อเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีซึ่งหมายถึงได้ความดีทำชั่วย่อมได้ชั่วซึ่งหมายถึงได้ความชั่วความดีความชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทาก็คือวิบากของกรรมเมื่อนึกถึงหลักอันนี้แล้วต้องพิจารณาให้ซึงโดยเฉพาะคือต้องนึกถึงคาว่า กรรมก็คือการกระทาที่เกิด จ, กจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรรมที่มีความหมายและการกระทาทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดวิบากกรรมอย่างไรวิบากก็อย่างนั้นและวิบากเมื่อมีอยู่อย่างไรหรือเกิดขึ้นมาจากการกระทาอย่างไรก็จะเป็นเหตุให้เกิดการกระทาในรูปนั้นต่อไปอีกหลักของกรรมที่เป็นหลักใหญ่เป็นหลักเบื้องต้น เป็นหลักที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือหลักดังที่กล่าวมานี้ถ้ายังไม่เข้าใจหลักอันนี้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งไปนึกในแา่ของบุญและบาปเพราะว่าบุญและบาปนั้นเป็นคำที่สมมุติขึ้นในภายหลังเหมือนอย่างเมื่อเราพูดถึงเรื่องคนเราย่อมรู้ว่าโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปคืออะไรเกิดมาอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไร หลักทั่วๆไปย่อมเหมือนกันหมดทุกชาติทุกภาษาแล้วต่อมาเราจึงมาแบ่งแยกลักษณะพิเศษเป็นคนชาตินั้นชาตินี้เป็นคนดีคนชั่วคำว่าชาติไทยชาติจีนชาติอินเดียหรือคำว่าคนดีคนชั่วเป็นคำที่บัญญัติขึ้นในภายหลังในทนองเดียวกับคำว่าบุญและบาปเป็นคำที่มาบัญญัติขึ้นในภายหลังส่วนกฎของกรรมเป็นกฎ ด, ดั้งเดิม เป็นกฎของทุกสิ่งทุกอย่างและเหมือนกันหมดกล่าวคือการกระทําไม่เกิดขึ้นแล้วจะต้องก่อให้เกิดวิบากกรรมอย่างไรวิบากก็อย่างนั้นหลักอันนี้ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนสิ่งที่มีชีวิตย่อมมีวิญญาณ พือทุกชนิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นจึงมีวิญญาณด้วยเมื่อต้นไม้มีวิญญาณต้นไม้ก็ยอมอยู่ภายใต้กฎของกรรมการศึกษาเรื่องวิญญาณก็ดีการศึกษาเรื่องกรรมก็ดีต้องศึกษาควบคู่กันไปและถ้าเริ่มต้นศึกษาจากชีวิตขั้นต่ำเสียก่อนก็จะทำให้เข้าใจง่ายถึงชีวิตของเราคนส่วนมากไม่ยอมเชื่อว่าต้นไม้มีวิญญาณ และไม่ยอมเชื่อว่าต้นไม้ก็อยู่ภายใต้กฎของกรรมคนที่ว่าเข้าใจเรื่องกฎของกรรมและเชื่อว่าชีวิตของคนเราทุกคนต้องเป็นไปตามกฎของกรรมนั้นความเชื่อที่ว่านี้ส่วนมากเป็นความเชื่อตามตัวหนังสือมากกว่าจะเป็นความเชื่อตามข้อเท็จจริงทั้งนี้เป็นเพราะขาดความรู้เบื้องต้นในเรื่องนี้เขาไม่ยอมรับว่าต้นไม้ก็มีวิญ ญ, ญาณ และอยู่ภายใต้กฎของกรรมเหมือนกันและด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงพยายามอธิบายให้คนทั้งหลายเห็นว่าต้นไม้ก็มีวิญญาณและมีกรรมด้วยแต่อย่างไรก็ดีความพยายามของข้าพเจ้าในเรื่องนี้เท่ากับเป็นการปฏิวัติความเชื่อของคนส่วนมากนับตั้งแต่คนชั้นธรรมดาจนกระทั่งถึงบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในทางศาสนาเพราะฉะนั้น ความยากลำบากในเรื่องนี้มีอยู่อย่างไรไม่จําเป็นต้องพูดถึงก็ได้อันที่จริงถ้าหากนักศึกษาที่ขัดแย้งกับเรื่องเหล่านี้จะทําใจให้เป็นกลางเสียก่อนแล้วก็ค่อยๆพิจารณาตามเหตุผลที่ข้าพเจ้าเสนอข้าพเจ้าคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ประการใดเลยในอันที่จะทําความเข้าใจในเรื่องนี้ขอให้นึกถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ข้าพเจ้าเสนอ อย่าให้นิสัยที่ติดอยู่แต่ในตำรามาเป็นอุปสรรคและอย่าให้อคติหรือความไม่ชอบในเรื่องส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาขัดขวางในที่สุดก็จะมองเห็นความจริงได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยตัวของท่านเองและการที่ข้าพเจ้าต้องเน้นในเรื่องนี้บ่อ ย, อยๆก็เพราะเป็นความรู้เบื้องต้นที่จาเป็นเหมือนกับการเรียนสระและพยัญชนะให้จาได้และให้รู้จักการผสมตัวเหล่านี้ก่อน ต่อไปการอ่านหนังสือและการเขียนหนังสือก็จะทำได้โดยง่ายข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าการกินการย่อยการเผาผลาญอาหารและพฤติกรรมต่างๆของต้นไม้นั่นแหละคือกรรมของมันเพราะคำว่ากรรมแปลว่าพฤติกรรมที่มีความหมายที่ต้องแปลเช่นนี้ก็เพราะการกระทำของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่าง ย่อมเกิดจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเจตนาเป็นคุณสมบัติของวิญญาณวัตถุล้วนๆซึ่งไม่มีชีวิตย่อมไม่มีเจตนาในการเปลี่ยนแปลงของมันแต่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างมีความหมายทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าการกระทำของต้นไม้ทุกอย่างเป็นกรรมและวิบากของมันก็คือเชือ้อหรือกรรมพันธุ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดการกระทำในรูปเดิมต่อไปอีกข้าพเจ้าได้เตือนเวลาว่าการศึกษาเรื่องกรรมในครั้งแรกอย่าเพิ่งนึกในแง่บุญและบาปจงปล่อยเรื่องนี้เอาไว้ก่อนซึ่งถ้าตกลงกันได้เช่นนี้ปัญหาต่อไปก็จะไม่ยุ่งยากการสืบต่อของวิญญาณมีสองอย่าง คือหนึ่งการสืบต่อโดยอาศัยระบบของชีวิตที่ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์หรือพูดอีกในย่าหนึ่งคือการสืบต่อทางสายโลหิต 2. การสืบต่อโดวยวิธีจุติและปฏิสนธิเช่นอย่างคนหรือสัตว์เมื่อตายแล้ววิญญาณจะออกจากร่างไปเกิดใหม่ไปสร้างชีวิตใหม่แต่ถ้าจะพูดให้ถูกตามความหมายจริงๆ ก็คือวิ ญ, ญญาณเมื่อดับพร้อมกับชีวิตที่ตายแล้วในขณะต่อมาวิญญาณก็จะเกิดอีกโดยอาศัยกรรมและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในตัวของมันและเมื่อวิญญาณเกิดอีกวิญญาณก็จะสร้างร่างกายหรือสร้างชีวิตขึ้นมาอีกต้นไม้เมื่อตายแล้ววิญญาณก็จะดับสูญพร้อมกับชีวิตไม่มีการจุดติลพติสนที แต่ในเมื่อต้นไม้นั้นมีลูกและเป็นลูกที่สมบูรณ์ไม่เน่าไม่เสียเมื่อลูกของมันได้รับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกดังที่เรารู้กันอยู่หรือต้นไม้บางอย่างเพียงแต่ตัดกิ่งไปปักลงในดินมันก็จะงอกขึ้นมาอีกหรือพืชบางอย่างเพียงแต่เอาใบไปแช่ลงในน้ําหรือไปปักในดินมันก็สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้อีกการสืบต่อของวิญญาณในลักษณะเช่นนี้ เป็นการสืบต่อโดยอาศัยระบบชีวิตในร่างกายของคนเราก็มีการสืบต่อโดวยวิธีนี้เหมือนกันเช่นตัวสเปิร์มของผู้ชายและไข่ของผู้หญิงวิญญาณของพ่อแม่ก็สามารถที่จะสืบต่อมาถึงลูกได้โดยวิธีนี้แต่อย่างไรก็ดีคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะก็จะมีความเข้าใจและยึดถือว่าวิญญาณจะสืบต่อได้ ก็โดยวิธีดังที่กล่าวมานี้เท่านั้นแต่สำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งมีตาทิพตสามารถมองเห็นชีวิตในโลกของโอปปาติกะได้อย่างกว้างขวางและมีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าจึงทรงรู้ว่าการสืบต่อของวิญญาณยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการสืบต่อโดวยวิธีจุติและปฏิสนธินักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้ถึงขั้นมีตาทิพ์เกิดขึ้น จะทำได้อย่างมากก็เพียงแค่จิตสงบชั่วคราวและไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเลยคอยแต่จะเข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดจากชีวิตเหมือนกับกำลังในการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ก็เกิดจากเครื่องยนต์นั่นเองผู้ที่เข้าใจแต่เพียงเท่านี้จะไม่มีทางเข้าใจถึงเรื่องการสืบต่อของวิญญาณโดยวิธีจุดติลับติสนธินักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ เป็นคนมีอิทธิพลมากในการพูดที่คนเชื่อเพราะผลงานทางวิทยาศาสตร์มีมากมายและเป็นประโยชน์แก่คนในยุคปัจจุบันมากมายเมื่อนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากเชื่อเช่นไรคนส่วนมากมักจะเชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนี้เองคนส่วนใหญ่จึงมักจะไม่ยอมเชื่อว่าคนเราตายแล้วจะต้องเกิดอีกแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่า สักวันหนึ่งในอนาคตอันไม่ไกลนี้นักวิทยาศาสตร์เองจะเป็นผู้ประกาศให้โลกรู้ว่าทฤษฎีของศาสนาต่างๆที่กล่าวว่าคนเราตายแล้วจะต้องเกิดอีกนั้นเป็นความจริงเพราะเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นสาตราจารย์หลายประเทศกําลังหันมาสนใจในทางศาสนาถึงขั้นพยายามหัดนั่งสมาธิด้วยตัวเองและกาลังมีจานวนมากขึ้นโดยลาดับและในปัจจุบันนี้เอง นักวิทยาศาสตร์ที่ยอมเชื่อว่าคนเราตายแล้วไม่สูญก็มีจํานวนไม่น้อยแล้วการที่จะศึกษาให้เข้าใจว่าต้นไม้ก็มีวิญญาณและอยู่ภายใต้กฎของกรรมเหมือนกันนั้นท่านจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าหากยอมรับว่าการสืบต่อของวิญญาณมีอยู่สองอย่างดังที่กล่าวมาแล้วแต่ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาในเรื่องเหล่านี้ ต้องศึกษาไปทีละขั้นเข้าใจแค่ไหนเชื่อแค่นั้นอย่าพังคิดให้กลายเกินไปและอย่าเอาปัญหาที่ยุ่งยากเกินความรู้ของตัวเองมาคิดถ้าค่คอยๆศึกษาไปโดยวิธีนี้ข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าในที่สุดก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยกระจ่างและเมื่อพูดถึงต้นไม้หรือสัตว์ทั้งหลายขออย่าได้เอาปัญหาเรื่องบุญละบาปเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจะไม่มีทางเข้าใจ จนกว่าท่านจะเข้าใจเรื่องชีวิตทั้งหมดโดยตลอดสายและเข้าใจเรื่องโลกุตฑรธ ร, รมด้วยและจึงจะมองเห็นและเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่าบุญและบาปมีความหมายกว้างขวางแค่ไหนการกระทำของต้นไม้และของสัตว์ต่างๆจะนับว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปปัญหานี้ท่านจะเข้าใจได้เองในภายหลังอันหนึ่งข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อคิดไว้สักอย่างหนึ่งว่า เมื่อขาระวาตัดต้นไม้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสว่าเป็นบาปแต่ถ้าพระตัดต้นไม้พระจะต้องเป็นอาบัติอย่างเดียวกับการฆ่าสัตว์คือเป็นอาบาาัติปาจิตติและในทำนองเดียวกันเมื่อผู้หญิงกับผู้ชายจัต้องถูกตัวกันด้วยความรักใคร่และด้วยความเต็มใจทั้งสองฝ่ายและด้วยความเห็นชอบของพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือถ้าไม่มีผู้ปกครองก็ทําด้วยความสมัครใจของเขาเอง พระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าเป็นบาปแต่ตรงกันข้ามถ้าพระไปทำเช่นนั้นเข้าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามพระต้องเป็นอาบัติและถ้าหากเรื่องได้เลยไปถึงขั้นเสพเมทุนธรรมพระก็ต้องเป็นอาบัติปาราชิกซึ่งมีโทษเท่ากับถูกประหารชีวิตคือเป็นผู้ตายจากศาสนาจะอยู่เป็นพระอีกไม่ได้และจะกลับมาบวชอีกก็ไม่ได้การกระทําอย่างเดียวกันแต่ในเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นคารวาต อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพระทำไมโทษจึงไม่เหมือนกันปัญหาเหล่านี้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องโลกกตระธรรมจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสว่าคารวาดตัดต้นไม้เป็นบาปเพราะถึงจะตรัสห้ามอย่างไรคนส่วนมากก็ทำตามไม่ได้ซึ่งการห้ามเช่นนี้ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย ขารวาสผู้ยังมีความพอใจอยู่ในทางโลกียวิสัยถ้าหากปฏิบัติให้ถูกต้องตามศีลธรรธมของคารวาสการกระทำเหล่านี้ซึ่งเมื่อมองจากแง่ของพระก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดแต่ถ้ามองจากแง่ของคารวาสก็เป็นการกระทำที่ถูกและเป็นการกระทำที่จำเป็นและมีประโยชน์มากมายข้อคิดดังที่ได้กล่าวมานี้จะทำให้ท่านได้คิดว่า การที่เราจะพูดว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเราจะต้องนึกถึงฐานะของผู้กระทําแล้วเราจะมองเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าคําว่าบุญและบาปเป็นคําสมมุติที่จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเป็นครูตรวจสมุดนักเรียนเมื่อเด็กอยู่ชั้นปหนึ่งเขียนหนังสือได้ขนาดนี้เราก็บอกว่าดีมากแต่ถ้าเป็นเด็กชั้นสูงยังเขียนหนังสือได้เท่ากับเด็กปหนึ่ง เราก็ต้องบอกว่าเร็วมากหรือแย่มากเพราะเหตุที่ว่าคาว่าดีและชั่วบุญและบาปเป็นคำที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามฐานะของบุคคลเช่นนี้หละซึ่งถ้าหากผู้ที่จะกล่าวคำเหล่านี้ออกมาไม่นึกถึงฐานะของผู้กระทาแต่เอาฐานะของตัวเข้าไปเปรียบเทียบเรื่องก็จะต้องสับสนและจะไม่มีทางยุติลงได้ด้วยเหตุนี้ถ้าจะมีปัญหาเกิดขึ้นว่า ในเมื่อต้นไม้มีวิญญาณและมีกรรมการที่รอตัดต้นไม้จะเป็นบาปหรือไม่และการที่ต้นไม้มันเบียดเบียนกันมันจะเป็นบาปหรือไม่มันจะมีการตกนรกขึ้นสวรรค์หรือไม่ขอให้สังเกตว่าคนที่ตั้งปัญหาเหล่านี้หรือเกิดสงสัยอย่างนี้ก็เพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับต้นไม้แต่ถ้าหากเราพยายามนึกถึงฐานะของมันเสียก่อน ไม่เอาตนเองเข้าไปเปรียบเทียบปัญหาที่ว่านี้จะไม่เกิดขึ้นและแน่นอนถ้าใครถามปัญหาเช่นนี้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไม่ตอบด้วยนอกจากจะบอกว่าให้เลิกคิดมันจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็อย่าไปคิดถึงมันเลยไม่มีประโยชน์ท่านคงจะได้เห็นแล้วว่าการที่จะศึกษาให้เข้าใจว่าต้นไม้มีวิญญาณและมีก ร, รมนั้น เราจะต้องรู้จักตัดปัญหาที่ไม่จําเป็นออกไปพยายามพิจารณาจะข้อเท็จจริงตามเหตุผลที่กล่าวมาซึ่งถ้าทำได้เราก็จะเข้าใจได้อย่างง่ายและยอมรับความจริงนั้นที่กล่าวมาแต่อย่างไรก็ดีท่านควรจะรู้ไว้ด้วยว่าต้นไม้แม้หากจะมีวิญญาณและมีกรรมก็จริงแต่วิญญาณของมันก็ไม่เหมือนกับวิญญาณของสัตว์และของคนคือเป็นวิญญาณคนละขั้น กรรมของมันก็เหมือนกันก็เป็นกรรมคนละอย่างไม่เหมือนกับของคนและสัตว์เป็นกรรมคนละชนิดคนละประเภทแต่การที่กล่าวว่าต้นไม้มีวิญญาณและมีกรรมก็เพราะโดยหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่หมันเหมือนกันหมายเหตุผู้อ่านสำหรับในเรื่องต้นไม้นั้น ในที่นี้ท่านอธิบายถึงพระวินัยห้ามตัดต้นไม้ซึ่งอาจจะมีคนค้านว่าในที่นั้นเพื่อป้องกันชาวบ้านติเตียนแต่อาจารย์พรท่านระบุไปอีกอย่างหนึ่งหากท่านไม่เชื่อว่าต้นไม้มีชีวิตและทรงห้ามตัดต้นไม้เพราะเหตุที่อาจารย์พร อ, อธิบายไว้ก็ขอให้ข้ามประเด็นนี้ไปลงไหนไม่อยากเชื่อก็ข้ามไปก่อนแต่เชื่อมั่นว่าด้วยเหตุผลที่ท่านยกมาอธิบายนั้นจะทําให้เราเข้าใจประเด็นอื่น ได้อีกลึกซึ้งมากขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่าก็อาจเพราะมันลึกเกินอธิบายได้ง่ายๆสำหรับคนในตอนนั้นท่านก็เลยไม่ตรัสถึงเหตุผลที่ลึกลงไปในระดับนี้ก็ได้นะครับในเมื่อเรื่องวิญญาณท่านยังตรัสเน้นหลักสำคัญแค่นั้นซึ่งแค่นั้นก็เข้าใจยากพออยู่แล้วในเมื่อไม่ตรัสเรื่องวิญญาณประเภทย่อยที่มีในพืชในวัตถุ ก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะมาบอกว่าห้ามตัดด้วยเหตุผลปลีกย่อยอื่นอีกก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้แต่ตอนต้นนะครับว่าหลายเรื่องนั้นยังไม่สามารถอธิบายให้คนยุคนั้นหรือในคราวนั้นเข้าใจได้และบางเรื่องก็จะเข้าใจได้จริงต่อเมื่อบรรลุ ธ, ธรรมหรือได้อภิญญาได้สมาธิขั้นสูงก่อนเท่านั้นสําหรับในเรื่องข้อห้ามตัดต้นไม้นั้นถ้าแค่เกรงชาวบ้านติดเตียนอย่างเดียวก็คงไม่ห้ามถอนหญ้า หรือแม้เพียงนั่งเรือกำลังจะขึ้นฝั่งเรือเกิดโครงขึ้นมาเพียงคว้าตะไคร่น้ำขาดยังต้องอาบัดทำจิตให้เศร้าหมองได้เลยเนะครับในหนังสือปฏิปทาพระธุดงาก์ระมาฐานสายหลวงปู่มั่นท่านก็ยังเล่าถึงเรื่องพระธุดงและเมื่อวินัยตัดต้นไม้แล้วส่งผลเสียหายให้พระรูปนั้นมากเช่นกันหลายอย่างต้องปฏิบัติจนจิตละเอียดจริงเท่านั้นจึงจะรู้สึกและเข้าใจได้รอบด้านจริงเป็นสิ่งที่ผู้ท่องแต่ตำราไม่เคยปฏิบัติให้ถึงจุด จะไม่มีทางเข้าใจหรือกข้าใจจริงได้ยากมากนะครับแต่ทั้งนี้สำหรับเรื่องเหตุผลในการห้ามตัดต้นไม้ที่อาจารย์พร อ, อธิบายไว้นั้นก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อตามนี้ก็ได้ประเด็นสำคัญที่อยากชี้ให้เห็นก็คือบางอย่างไม่สอนก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่อาจจะยังไม่เหมาะที่จะสอนตอนนั้นหรือสมัยนั้นและความเชื่อบางอย่างต่อให้ไม่เชื่อตามก็ยังสามารถจับหลักสาคัญ เช่นการพิจารณาการทำบาปในระดับลึกสำหรับผู้มีจิตประณีสูงนำไปปรับใช้กับตัวเองหรือเปรียบเทียบกับกรณีอื่นได้เป็นอย่างดีเช่นกันบัณฑิตขอแค่เพียงรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยกได้ถูกก็สามารถนำสิ่งที่เหมือนร้ายสาระไปเป็นประโยชน์ได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันก็ขอฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ ธรรมชาติคืออะไรข้าพเจ้าได้เคยกล่าวแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนทั่วไปไม่เข้าใจเรื่องวิญ ญ, ญาณก็คือคําว่าธรรมชาติผู้ที่ไม่สามารถจะตอบปัญหาว่าธรรมชาติคืออะไรจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องวิญ ญ, ญาณได้โดยกระจ่างการเข้าใจความหมายของคำที่ใช้อยู่เป็นเรื่องสําคัญมากและเป็นขั้นต้นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างดีก่อน การศึกษาในทางพระพุทธศาสนามีขั้นปริญญาอยู่สามขั้นคือหนึ่งยาต่างปริญญา 2. ติรณปริญญา 3. ปหาหนาปริญญายาต่างปริญญาแปล ว, ว่ามีความรอบรู้ในคำบัญญัติหรือคำสมมุติปริญญาขั้นนี้เป็นขั้นต้น ถ้าหากผู้ที่ศึกษาธรรมยังไม่เข้าใจความหมายของคำที่ใช้อย่างจมแจ้งก็จะไม่มีทางรู้แจ้งธรรมะได้ด้วยตัวของตัวเองและโดยเฉพาะปริญญาในขั้นต่อไปคือในขั้นตีรณะปริญญาและปหานาปริญญาจะก้าวขึ้นไปไม่ได้เลยติรณะปริญญาแปลว่ามีความรอบรู้ในการพิจารณาหรือพูดอีกในย่าหนึ่ง คือเป็นคนที่เข้าใจคิดมีหลักเกณฑ์ในการคิดที่ดีจนกระทั่งสามารถเข้าใจความจริงได้ด้วยตัวของตัวเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับในทางวิทยาศาสตร์ก็หมายความว่าเป็นคนที่เข้าใจหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์หาความจริงขอให้สังเกตว่าคนที่จะก้าวมาถึงขั้นนี้ได้ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจความหมายของคำทุกคำที่นำมาใช้ ปหานะปริญญาแปลว่ารอบรู้ในการละข้อนี้หมายความว่ามีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่ากิเลสในสันดานจะละได้อย่างไรถ้าเปรียบเทียบกับวิธีการของแพทย์ก็หมายถึงการเข้าใจวิธีการรักษาทุกอย่างและได้ผลด้วยหมายเหตุผู้อ่านซึ่งยาตะปริญญาก็เทียบได้กับ สุตตมยปัญญาติรณปริญญาเทียบได้กับจิตตมยปัญญาและปหาณาปริญญาก็เทียบได้กับภาวนามยปัญญาการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาจะต้องมีความรู้หรือได้ปริญญามาเป็นขั้นๆตามลําดับดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นในเมื่อคนส่วนมาก ชอบใช้คำว่าธรรมชาติเดี๋ยวถ้าหากไม่เข้าใจความหมายของคำนี้อย่างลึกซึ้งก็จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้หลายอย่างโดยเฉพาะก็คือจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นในลำดับนี้ท่านควรจะศึกษาให้เข้าใจคำนี้อย่างถูกต้องเสียก่อนอันหนึ่งโปรดเข้าใจก่อนว่าคาว่าธรรมชาติไม่เคยมีใช้ในสมัยครั้งพุทธกาล ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้คําอื่นแทนคําว่าธรรมชาติและคําที่พระองค์ทรงใช้มากที่สุดก็คือคําว่าวิญญาณหรือจิตหรือมโนคำสามคํานี้เป็นคําที่ใช้แทนคําว่าธรรมชาติในความหมายอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้ขอให้พิจารณาคําพูดในประโยคดังต่อไปนี้มโนปุปพังขึ้มาธรร ม, มามโนเสถามโนมยา มโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณจิตเตนะนิยติโลโกโจิตเตนะปริกัสติจิตตสสะเอกธรรมสะสะสัพเพวะวะัสมันวะคู่โลกย่อมหมุนไปตามจิตวิวัฒนาการไปตามจิตเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิต อ น, นิพเตนะนชาโตปัจจุปันเนนะชีวติจิตพังคามโตโลโกโปัญญติปรมัตติยาเมื่อจิตไม่เกิดโลกก็ไม่เกิดโลกเป็นอยู่ได้ก็เพราะจิตกำลังเกิดอยู่เมื่อจิตดับโลกก็ดับนี่เป็นบัญญัติโดยทางปรมัตจากหลักฐานที่อ้างมานี้แสดงให้เห็นว่า คำว่าธรรมชาติที่เราพูดกันในจมนวนที่ว่าคนเราเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้แม่น้ําภูเขาหรือแร่ธาตุต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติสุดแล้วแต่ธรรมชาติจะสร้างคำว่าธรรมชาติในความหมายดังที่กล่าวมานี้ขอให้เราพิจารณาดูคําแปลดังที่กล่าวมาแล้วเช่นคําว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมาจากวิญญาณหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ยังเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตความหมายของคำว่าจิตหรือวิญญาในที่นี้มีความหมายตรงตามที่เราเรียกกันว่าธรรมชาตินั่นเองแต่ข้อสำคัญอย่าลืมว่าคำว่าธรรมชาติซึ่งเขียนอย่างนี้ให้สังเกตว่าที่ตัวต่อเตามีสระอีกคำนี้เป็นคำที่บัญญัติขึ้นใหม่ในภาษาไทยและเข้าใจว่าคานี้เพิ่งจะใช้กันมาไม่เกินร้อยปี เป็นคำที่เราแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า nature ซึ่งคำนี้ในภาษาอังกฤษได้อธิบายไว้และแปลายเป็นไทยได้ว่าธรรมชาติคือกำลังงานทุกอย่างที่ก่อให้เกิดโลกและสรรพสิ่งในโลกและรักษาทุกสิ่งไว้ในระเบียบของมันอย่างเหมาะสมแต่คำแปลในภาษาอังกฤษนี้ท่านจะเห็นได้ว่าคำว่าธรรมชาติมีความหมายคล้ายกับคำว่าพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาคริสต์หรือในศาสนาอิสลาม แต่อย่างไรก็ดีขอให้เรามาพิจารณาคำนี้ในความหมายที่เราใช้กันอยู่ในภาษาไทยโดยปกติคำว่าธรรมชาติที่เราใช้กันอยู่มีความหมายอยู่3ามอย่างคือหนึ่งของธรรมชาติซึ่งหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเองโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเช่นต้นไม้แม่น้ำภูเขาแร่ธาตุต่างๆตลอดทั้งคนและสัตว์ สิ่งเหล่านี้เราเรียกกันว่าของธรรมชาติเพราะมนุษย์เราสร้างขึ้นมาไม่ได้ส่วนรถยนต์บ้านเครื่องใช้ต่างๆหรืออะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเราไม่เรียกว่าของธรรมชาติและการที่เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าของธรรมชาติก็เพราะถือว่าธรรมชาติได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา 2. กฎธรรมชาติ เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นมีระเบียบหรือมีกฎเกณฑ์ตายตัวระเบียบที่ว่านี้มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมันมีมานานแล้วมีมาก่อนที่มนุษย์จะเกิดขึ้นเราเรียกกฎเหล่านี้ว่ากฎธรรมชาติและเราถือว่าสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นมาตามกฎธรรมชาติเช่นน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งหรือจะกลายเป็นไอมันมีกฎของมันโดยเฉพาะ คนที่รู้จักกฎเหล่านี้ก็สามารถจะทําน้ําแข็งหรือทําไอ้น้ําขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นลสลักษณะธรรมชาติอันนี้หมายความว่าโดยกําเนิดต้นไม้ก็ดีสัตว์ก็ดีคนก็ดีหรือสิ่งใดๆก็ดีตั้งแต่เกิดมามันมีลักษณะอย่างไรเราเรียกลักษณะอันนี้ว่าลักษณะธรรมชาติ เช่นผู้หญิงโดยธรรมชาติมีลักษณะอย่างไรผู้ชายโดยธรรมชาติมีลักษณะอย่างไรเมื่อเราเข้าใจลักษณะ น, นี้ถูกต้องเราก็อาจจะบอกได้เสมอว่าคนอย่างนี้เป็นผู้หญิงคนอย่างนี้เป็นผู้ชายการที่เรารู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆจัดไว้เป็นพวกเป็นหมู่และบัญญัติชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็โดยอาศัยลักษณะธรรมชาติคำว่าธรรมชาติที่เราใช้กันอยู่ในภาษาไทย ไม่ว่าจะพูดในสำนวนไหนโดยหลักใหญ่ๆก็มีความหมายเพียงแค่สามอย่างนี้เท่านั้นแต่ปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าในกรณีที่เราพูดว่าคนเราเกิดมาตามธรรมชาติต้นไม้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติอะไรทำนองนี้คนส่วนมากไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าธรรมชาติที่ตนพูดถึงนั้นหมายถึงอะไรแน่คนส่วนมากสักแต่พูดตามๆกันมา เช่นถ้าจะถามว่าคนเราเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติจริงธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาจริงแต่ธรรมชาติที่ว่านี้คืออะไรท่านจะเห็นว่าการที่จะตอบปัญหาข้อนี้ทำได้ไม่ง่ายเลยสิ่งต่างๆย่อมเกิดขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ของมันและเท่าที่เรารู้เราก็มักจะเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครสร้างมันเกิดขึ้นเอง การเข้าใจแบบนี้มีพระหลายทั่วไปและสำหรับคนที่เชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเขาจะตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกและสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎที่พระองค์ได้ทรงวางไว้แต่ตัวพระผู้เป็นเจ้าเองเป็นผู้ที่อยู่เหนือกฎแต่ครั้นจะถามว่าพระผู้เป็นเจ้าที่ว่านี้คืออะไร การที่จะหาคำตอบในเรื่องนี้ก็ทำได้ไม่ง่ายเช่นเดียวกันส่วนในทางพระพุทธศาสนาเราไม่มีคำว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีคำว่าธรรมชาติแต่มีคำว่าจิตหรือวิญญาณซึ่งก็มีความหมายคล้ายๆกับพระผู้เป็นเจ้าและคล้ายกับคำว่าธรรมชาติและเราสามารถที่จะอธิบายได้พิสูจน์ได้ว่า จิตหรือวิ ญ, ญญาณคืออะไรแต่อย่างไรก็ดีทางพระพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงจิตดวงแรกหรือวิญญาณดวงแรกปัญหาที่ว่านี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้คิดไม่ให้เอาใจใส่ปัญหาที่ว่านี้ให้ตัดออกไปก่อนตราบใดที่จิตยังไม่บรรลุนิพพานหรือยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ปัญหาที่ว่านี้จะตอบไม่ได้ และสำหรับท่านที่เป็นพระอาหารหันต์ซึ่งตอบปัญหาข้อนี้ได้แล้วแต่ท่านก็จะไม่ตอบให้ปุถุชนฟังเพราะไม่มีทางที่จะพูดกันให้รู้เรื่องได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่านี้พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามไม่ให้คิดและอีกประการหนึ่งก็คือปัญหานี้ไม่จาเป็นต้องคิดเพราะในเมื่อเราละกิเลสได้แล้วเราก็จะตอบปัญหานี้ได้ด้วยตัวของเราเอง โดยไม่ต้องถามใครเลยมาเหตุผู้อ่านเรื่องที่ไม่ควรคิดนั้นเรียกว่าอาจินไตคือเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการคิดแต่จะเข้าใจได้จริงด้วยการบรรลุธรรมก่อนเท่านั้น ข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาถึงเรื่องต้นไม้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเอามาเล็กเพาะลงไปในดินในไม่ช้ามันก็จะออกรากและมีลำต้นมีกิ่งมีใบขึ้นมาโดยลำดับถ้าเราพูดอย่างภาษาธรรมดาตามที่เราพูดกันทั่วไปเราก็จะบอกว่ามันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติได้สร้างมันขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมชาติที่ว่านี้มันคืออะไรนั้นยากที่จะตอบ แต่ถ้าเราพิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนาเราสังเกตเห็นว่าต้นไม้นี้มีชีวิตและส่วนต่างๆของมันมีความหมายการกระทำทุกอย่างของมันก็มีความหมายคืออธิบายได้ว่าการเกิดมีขึ้นและการกระทำนั้นมีขึ้นมาเพื่ออะไรและทำไปเพื่ออะไรสิ่งใดถ้าเกิดขึ้นมามีความหมายก็ยอมแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีวิญญาณเมื่อเราพิจารณาตามแนวนี้ เราก็รู้ว่าต้นไม้มีวิญญาณและวิญญาณในต้นไม้นี่เองเป็นผู้สร้างต้นไม้ขึ้นมาขอรีโปรดนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ย่อมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตเมื่อจิตเกิดโลกจึงจะเกิดโลกเป็นอยู่ก็เพราะอาศัยจิตที่กำลังเกิดเมื่อจิตดับโลกก็ดับหลักพระพุทธศาสนาต่างๆตามที่กล่าวมานี้ขอให้พิจารณาดูโดยละเอียดแล้วท่านก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมชาตินั้นก็คือวิญญาณหรือจิตนี่เอง ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าในสมัยครั้งพุทธกาลไม่มีคำว่าธรรมชาติเพราะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าจิตหรือวิญญาณแทนคำว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องวิญญาณเพื่อที่จะเข้าใจความหมายของคำนี้อย่างถูกต้องตามแนวของพระพุทธศาสนานั้นครั้งแรกจะต้องปัดคำว่าพระเจ้าและธรรมชาติออกไปก่อน ในที่ที่เราควรจะใช้คำว่าพระเจ้าหรือใช้คำว่าธรรมชาติขอให้เราใช้คำว่าวิญญาณแทนและในเมื่อเราศึกษาความหมายของคาว่าวิญญาณแจ่มแจ้งดีแล้วเราจึงจะใช้คำว่าพระเจ้าหรือคำว่าธรรมชาติได้ถูกต้องและอีกประการหนึ่งการศึกษาเรื่องวิญญาณในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นเป็นการศึกษาจาข้อเท็จจริงและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของตัวเอง ฉนั้นในที่สุดเราก็จะเกิดความแน่ใจในความรู้ที่ถูกต้องของเราอันหนึ่งการศึกษาเรื่องวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมผู้ที่ศึกษาจะสามารถเข้าใจได้อย่างจาแจ้งก็ต่อเมื่อมีสมาธิดีด้วยรอกความรู้ที่ได้มาจากประสาทสัมผัสช่วยเราเข้าใจเกี่ยวกับวิญญาณแต่เพียงเล็กน้อยและมักจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันบ่อย ถ้าหากผู้ใดจำหลักตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้และนำมาพิจารณานในขณะจิตเป็นสมาธิจะทำให้เข้าใจง่ายและจะค่อยๆเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนผู้ที่ไม่ฝึกสมาธิจะเข้าใจเรื่องวิญ ญ, ญาณแต่เพียงผิวเผินจากคาอธิบายที่กล่าวมานี้ท่านจะเห็นได้ว่าการที่คนส่วนมากไม่อาจที่จะเข้าใจเรื่องวิญ ญ, ญาณได้อย่างจำแจ้ง ก็เพราะไปติดเรื่องพระเจ้าบ้างไปติดเรื่องธรรมชาติบ้างทั้งๆที่คนเหล่านี้ไม่เข้าใจความหมายของคำทั้งสองนี้อย่างถูกต้องและอีกประการหนึ่งก็คือคนส่วนมากนั่งสมาธิไม่ได้ไม่เคยใช้ความคิดอย่างละเอียดด้วยใจที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะไม่เข้าใจถึงเรื่องที่ข้าพระเจ้าพูดก็ขอให้นึกว่าเป็นเพราะเหตุดังที่กล่าวมานี้ใช่หรือไม่ อันหนึ่งข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าการศึกษาเรื่องวิญญาณจะต้องศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาเรื่องกรรมและวิธีศึกษาที่จะทําให้เราเข้าใจง่ายก็คือให้มองดูการเกิดการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือจะพิจารณาดูการเกิดการเจริญเติบโตและรูปร่างลักษณะของจาพวกสัตว์ต่างๆก็ได้ข้อสังเกตอย่าลืมว่าในการพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้ อย่าได้ใช้คำว่าพระเจ้าและคำว่าธรรมชาติให้การเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนเช่นเมื่อเราเอ า, มาเมล็ดมะม่วงปลูกลงไปในดินไม่ช้ามันก็จะออกรากและมีลำต้นเกิดขึ้นในกรณีเช่นนี้ขอให้พยายามพิจารณาดูให้เห็นว่าเพราะเหตุที่ต้นไม้มีความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมส่วนต่างๆของมันมีความหมายพฤติร ก, กรรมต่างๆก็มีความหมายเพราะฉะนั้น ต้นไม้จึงได้ชื่อว่ามีวิญญาณและวิญญาณในต้นไม้นี่เองที่ทำให้มเมล็ดออกรากทำให้ลำต้นเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นท่านจะต้องพยายามหัดคิดแบบนี้บ่อยๆในมิช้าท่านก็สามารถที่จะบอกได้ดีทีเดียวว่าพระเจ้าที่สร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเช่นสร้างต้นไม้ขึ้นมาก็คือวิญญาณในต้นไม้นี่เองแต่ข้อสาคัญ อย่าเพิ่งไปคิดถึงต้นไม้ต้นแรกว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือถ้าหากเราจะพูดว่าต้นไม้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติสุดล้แต่ธรรมชาติจะสร้างก็ขอให้เข้าใจว่าธรรมชาติที่ว่านี้ก็คือวิญญาณในต้นไม้นั่นเองอย่าลืมว่าวิญญาณในต้นไม้เป็นจำพวกจิตไร้สำนึกและการสืบต่อของวิญญาณในต้นไม้ก็เป็นการสืบต่อ อาศัยระบบของชีวิตหรืออาศัยกรรมพันธุ์เมื่อเราพิจารณาเห็นวิญญาณในต้นไม้เช่นนี้แล้วข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องพยายามมองเห็นว่าสมรรถภาพในการสร้างสรรค์ของวิญญาณก็คือวิบากของกรรมเหมือนอย่างที่เราหัดพูดความสามารถในการพูดก็ค่อยๆมีขึ้นและมากขึ้นโดยลําดับ ความสามารถในการพูดก็คือวิบากของกรรมเมื่อเราออกแรงทำงานอะไรก็ตามความแข็งแรงของร่างกายซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความรู้สึกนึกคิดในการบังคับร่างกายความแข็งแรงของร่างกายไม่เรียกว่าวิบากแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ฝังอยู่ในสันดานที่เป็นตัวการสำคัญที่ควบคุมร่างกายให้ทงานได้อย่างแข็งแรงนั้นนั่นคือตัววิบาก หรือพูดอีกในย่าหนึ่งเมื่อเราใช้อวัยวะส่วนไหนมากร่างกายก็จะค่อยๆปรับปรุงตัวมันเองให้มีความเหมาะสมในอันที่จะทำงานนั้นๆเช่นฝ่าเท้าจะมีความหนาในเมื่อเดินมากทั้งนี้ก็เพราะส่วนนี้ใช้มากจะต้องมีการเสียสีกับพื้นดินหรือที่ที่เราเดินบ่อยๆแต่ถ้าคนไหนใส่รองเท้าอยู่เสมอแม้กระทั่งอยู่บนบ้านก็ใส่เป็นประจำ ฝาเท้าจะบางการที่อวัยวะต่างๆมีการปรับปรุงตัวเองให้มีความเหมาะสมในอันที่จะใช้งานนั้นๆความแข็งแรงหรือความสมบูรณ์ของอวัยวะที่เกิดขึ้นไม่เรียกว่าวิบากแต่ความสามารถของจิตใจที่ควบคุมร่างกายทำงานจนกระทั่งมีความสามารถเหมาะสมเกิดขึ้นนั่นคือวิบาก ถ้าหากว่าท่านเข้าใจความหมายของคำว่าวิบากเหมือนอย่างที่อธิบายมานี้ท่านก็จะมองเห็นได้โดยไม่ยากว่าสมัรถภาพที่สร้างสารรค์ต้นไม้ขึ้นมาซึ่งตาเรามองไม่เห็นเรามองเห็นแต่ผลของมันที่เกิดขึ้นตัวสมัรภาพที่ว่านี้ก็คือวิบากของกรรมนั่นเองเพราะสมัรถภาพที่ว่านี้เกิดขึ้นจากการกระทำของตน ข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่าอย่าได้เอาคำว่าธรรมชาติมาใช้อย่าไปพูดว่าธรรมชาติได้สร้างให้มันเป็นมาอย่างนั้นธรรมชาติจะมีความสามารถอย่างเหลือเกินความคิดหรือคำพูดในธรนองนี้อย่าได้นำเอามาใช้เป็นอันขาดขอให้ท่านพิจารณาดูว่าต้นไม้ถ้าปลูกในที่ร่มมันก็จะต้องเอ็นไปหาที่สว่างเพื่อที่จะได้รับแสงแดดการที่มันเอ็ไปได้เช่นนั้น มันต้องมีความสามารถในอันที่จะทำให้ต้นของมันค่อยๆเอยนไปซึ่งความสามารถที่ว่านี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการกระทําต่างๆภายในต้นของมันความสามารถที่ว่านี้คือวิบากของกรรมและในทานองเดียวกันต้นไม้ที่เกิดในที่เบียเสียดมันจะพยายามแข่งขันเพื่อให้ต้นไม้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ต้นไม้ที่เกิดในที่เบียดเสียดโดยเฉพาะต้นไม้ยืนต้นต้นจะสูงมากทั้งหมดที่ว่านี้ก็เกิดจากวิบากของมันในการพิจารณาดูการแข่งขันของต้นไม้ถ้าหากพิจารณาดูตามแนวดังที่กล่าวมานี้จะทําให้เข้าใจความหมายของกรรมวิบากของกรรมและวิญญาณชัดเจนมาก วิญญาณหมายถึงความรู้สึกสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างย่อมมีความรู้สึกซึ่งความรู้สึกที่ว่านี้มีอยู่สองอย่างคืออย่างหนึ่งได้แก่ความรู้สึกที่เป็นไปย่งมมีความรู้สึกตัวและอีกอย่างเป็นไปอย่างไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุที่สิ่งที่มีชีวิตย่อมมีวิญญาณ มีความรู้สึกดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมหรือสัมผัสกับอะไรก็ตามมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายหรือพูดอีกในแย่หนึ่งคือก่อให้เกิดการกระทําต่างๆซึ่งการกระทําที่ว่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อที่จะรักษาชีวิตหรือเพื่อการสืบพันธุ์หรือเพื่อการหลบหลีกอันตรายเพราะฉะนั้น การกระทำที่กล่าวนี้เราจึงเรียกได้ว่าเป็นกรรมคือเป็นการกระทำที่มีความหมายเป็นการกระทำที่เกิดจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งและเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นผลแห่งการกระทำที่เป็นนมามธรรมก็ย่อมต้องมีนั่นก็คือสมรรถภาพต่างๆที่เกิดขึ้ น, มนเมล็ดผลไม้เมื่อเราเอาไปเพาะหรือมันได้รับดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมมันก็จะออกราก สมัติภาพที่ทำให้เกิดรากซึ่งถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดก็จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากการกระทาหลายอย่างรวมกันซึ่งการกระทาแต่ละอย่างล้วนแต่มีความหมายทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสมัติภาพของชีวิตทุกอย่างเมื่อพูดตามความหมายของพระพุทธศาสนาจึงได้เรียกว่าวิบากด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้คนส่วนมากเมื่อพูดถึงวิบาก จะไม่เข้าใจเหมือนดังที่อธิบายมาโดยเฉพาะคนที่เคยชินมากับความคิดในแบบเดิมจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับความหมายของวิบากดังที่กล่าวมาบางคนเมื่อพูดถึงวิบากจะต้องหมายถึงความลำบากเช่นไปเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็พูดว่าเป็นด้วยวิบากของเขาทางทิ่ฐุระ ก, กันดานมักจะพูดว่าทั้งวิบากส่วนคนที่มั่งมีสีสุขเป็นใหญ่เป็นโต เราก็มักจะพูดว่าเขาเป็นคนมีบารมีบารมีของเขามากแต่จะไม่พูดว่าเป็นเพราะวิบากแห่งกุศลกรรมเพราะเหตุที่คนส่วนมากมักจะเข้าใจคำว่าวิบากดังที่กล่าวมานี้หรือบางคนแม้จะเข้าใจว่าวิบากเป็นคำกลางกลางกจะหมายถึงวิบากของกุศลก็ได้หมายถึงวิบากของอกุศลก็ได้แม้ว่าความเข้าใจของเขาจะก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่อาจที่จะเข้าใจได้ว่าสมรรถภาพของชีวิตทุกอย่างคือวิบากของกรรมและในเมื่อพูดว่าต้นไม้ก็มีวิบากของกรรมเหมือนกันก็ยิ่งจะงงและบางคนก็ถึงกับลงความเห็นว่าข้าพเจ้าพูดไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาไปเอาเรื่องอย่างอื่นมาอ้างว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ความหมายของคำดังที่ได้อธิบายมานั้นเป็นหลักของพระพุท ธ, ธศาสนาจริงๆแต่คนส่วนมากไม่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจทีจ่จะเข้าใจถึงความหมายของวิบากดังที่กล่าวมาข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเราเห็นต้นไม้ อ, อกรากมีลำต้นมีกิ่งหรือมีใบหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราจะต้องนึกว่า ความสามารถในการทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ก็คือวิบากของกรรมซึ่งวิบากที่ว่านี้มีอยู่ในวิญญาณของต้นไม้และวิญญาณของต้นไม้ก็มีอยู่ในมเมล็ดของต้นไม้ถ้ามเมล็ดนั้นไม่เน่าไม่เสียก็แปลว่ายังมีวิญญาณถ้ามเมล็ดนั้นตายก็แปลว่าวิญญาณไม่มีขอให้พยายามคิดตามนี้ให้ได้ปัดคาว่าธรรมชาติออกไปอย่าเอามาใช้ และขอให้พิจารณาดูให้ซึ้งว่าสมัรภาพของต้นไม้ก็เกิดจากการกระทำของต้นไม้และการกระทำของต้นไม้เรียกได้ ว, ว่าเป็นกรรมก็เพราะเป็นการกระทำที่มีความหมายเป็นการกระทำที่เกิดจากเจตนาซึ่งเจตนาที่ว่านี้จะมีได้ก็เฉพาะในสิ่งที่มีชีวิตเพราะเจตนาเป็นเจตสิกคือเป็นคุณสมบัติของวิญญาณ ต้นไม้ที่มีชีวิตก็คือต้นไม้ที่ยังมีวิญญาณและในวิญญาณก็ย่อมมีเจตนาต่างๆขอให้สังเกตจากใจของเราทุกขณะที่ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นจะต้องเกิดมาจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเจตนาไม่เกิดวิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้หรือถ้าเจตนาไม่มีวิญญาณก็ย่อมไม่มีขอให้สังเกตจากใจของตัวเอง และจะสามารถเข้าใจเรื่องวิญญาณในต้นไม้เรื่องกรรมและเรื่องวิบากของกรรมของต้นไม้เชื้อหรือกรรมพันธ์ก็คือวิบากของกรรมเมื่อพูดถึงวิบากก็ขอให้เข้าใจว่าหมายถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า การสืบต่อของวิญญาณมีอยู่สองอย่างคือการสืบต่อโดยอาศัยระบบชีวิตเป็นการสืบต่อทางสายโลหิตอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือการสืบต่อด้ยวยวิธีจุติและปฏิสนธิพวกเชื้อโรคต่างๆซึ่งแพร่พันธุ์ด้วยการแบ่งตัวเช่นอะฮิวาตัวหนึ่งเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะแบ่งเป็นสองตัวแต่และตัวก็มีวิญญาณและวิญญาณที่ว่านี้เกิดจากระบบชีวิต วิญญาณย่งนี้สืบต่อโดยอาศัยระบบชีวิตพวกพืชต่างๆก็เหมือนกันสเปิร์มและไข่ของคนก็เหมือนกันวิญญาณสามารถสืบต่อจากพ่อแม่มาถึงลูกได้โดยวิธีเดียวกันแต่อย่าลืมว่าชีวิตที่มีสมองหรือมีระบบประสาทเกิดขึ้นแล้วนอกจากวิญญาณจะสืบต่อโดยอาศัยระบบชีวิตแล้วยังมีการสืบต่อโดวยวิธีจุติและปฏิสนธิอีกด้วย ตัวอย่างเช่นคนการที่ลูกมีลักษณะเหมือนพ่อแม่มีนิสัยใจคอบางอย่างเหมือนพ่อแม่ก็เพราะวิญญาณของพ่อแม่ได้ถ่ายทอดมานยังลูกโดยอาศัยการผสมพันธ์แต่วิญญาณส่วนนี้ไม่สามารถที่จะสร้างสมองหรือสร้างระบบประสาทขึ้นมาได้การที่คนเรามีลักษณะพิเศษเป็นของเฉพาะตัวมีโชคชะตาวัาสนาไม่เหมือนพ่อแม่ไม่เหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน ก็เพราะในขณะที่สเปิลมกับไข่ได้ผสมกันแล้วได้มีวิญญาณจากที่ใดที่หนึ่งมาเกิดในที่นี้ทันทีที่วิญญาณนี้มาเกิดระบบประสาทและลักษณะาทางเพศก็จะเริ่มตั้งต้นเกิดขึ้นซึ่งระยะแรกๆนี้แน่นอนไม่อาจที่จะมองเห็นได้แม้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แต่ทางพระพุทธศาสนารู้เรื่องนี้ก็เพราะมีญาณต่างๆที่เกิดจากสมาธิเป็นเครื่องมือทดสอบเช่นตาทิพย์ การเรืองลึกชาติได้ดังนี้เป็นตน้นอันหนึง่งขอให้สังเกตว่าชีวิตเช่นอย่างของมนุษย์ซึ่งร่างกายทุกส่วนจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับระบบประสาททั้งหมดถ้าระบบประสาทของอวัยวะส่วนไหนพิการอวัยวะส่วนนั้นจะไม่เจริญเช่นเด็กที่เป็นโรคคารีบที่เรียกว่าเป็นโรคโปลิโอ ก็เพราะประสาทที่มาคุมขาเกิดพิการอย่างนี้เป็นต้นสำหรับในกรณีที่ระบบของอวัยวะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับระบบประสาทนั้นวิญญาณที่ทำหน้าที่สร้างระบบประสาทเป็นวิญญาณที่มาจากที่อื่นเป็นวิญญาณที่สืบต่อโดยวิธีจุดติและปฏิสนธิในการศึกษาเรื่องวิญญาณจะต้องพยายามแยกแยะประเด็นต่างๆเหล่านี้ออกพิจารณาให้ละเอียด เมื่อท่านเข้าใจการสืบต่อของวิญญาณและเข้าใจความหมายของคำว่าวิบากดังที่กล่าวมาแจ่มแจ้งดีเขาพเจ้าคิดว่าท่านจะไม่ลำบากอีกต่อไปในการที่จะมองให้เห็นว่าชีวิตทุกอย่างนับตั้งแต่ศาสเซลเดียวจนกระทั่งถึงคนชีวิตต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยวิญญาณวิญญาณมีการกระทําอยู่เสมอพฤติกรรมต่างๆของชีวิตก็คือการแสดงออกแห่งการกระทําของวิญญาณ เมื่อวิญญาณมีกรรมคือมีการกระทํามันก็ต้องมีวิบากของมันเกิดขึ้นเหมือนอย่างว่าเมื่อเราใช้ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็จะต้องมีผลของความนึกคิดที่เป็นนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นผลแห่งความนึกคิดที่เป็นนามธรรมอันนี้แหละก็คือวิบากโปรดจําให้ดีว่าคําว่าวิบากไม่ได้หมายถึงผลที่เป็นวัตถุเช่นเมื่อเราเรียนหนังสือ ซึ่งต้องใช้ความคิดมากมายกว่าจะมีความรู้ความสามารถเกิดขึ้นความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในใจนี่คือวิบากเมื่อเรามีความรู้แล้วไปหางานทำแล้วได้เงินเงินที่เกิดขึ้นจากความรู้ไม่เรียกว่าวิบากเพราะฉะนั้นขอให้สังเกตให้ดีว่าทุกครั้งที่มีความนึกคิดเกิดขึ้นจะต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นนมามธรรมเกิดขึ้นเสมอ ส่วนผลที่เป็นวัตถุที่แสดงออกมาให้เห็นได้ชัดในภายนอกนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดย่อมขึ้นกับเหตุกับปัจจัยอีกหลายอย่างคนที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องวิบากก็เพราะคอยแต่จะเป็นนึกนิยเรื่องวัตถุคือไปเข้าใจเสียว่าผลที่ปรากฏออกมาในภายนอกเช่นความมีเงินหรือความยากจนความสุขสบายหรือความทุกข์ยากลาบากไปเข้าใจกันว่านี่คือวิบาก ซึ่งความจริงวิบากไม่ได้มีความหมายเช่นนี้ความยากจนและความมั่งมีนั้นเป็นผลที่เกิดจากวิบากอีกตอนหนึ่งถ้าเข้าใจได้เช่นนี้แล้วก็จะมองเห็นว่าทุกครั้งที่วิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นวิบากของมันจะต้องเกิดขึ้นเสมอและวิบากที่ว่านี้ก็จะค่อยๆสะสมมากขึ้นโดยลาดับ ต้นไม้กว่าจะเจริญเติบโตจนกระทั่งมีโูกเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับคนเราเริ่มเรียนหนังสือกว่าจะมีความรู้ความสามารถเกิดขึ้นต้องอาศัยการสะสมวิบากรขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยผลอย่างใดจะเกิดขึ้นเมื่อไรมันมีกฎเกณฑ์ตายตัวของมันเหมือนเหมือนกับคนเราเรียนหนังสือหรือเรียนวิชาอันใดก็ตามมันมีหลักแน่นอนของมันว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จะต้องรู้อะไรมาโดยลาดับ จนกระทั่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นจริงๆแต่สําหรับในเรื่องนี้ต้องพิจารณาดูรายละเอียดด้วยคนที่มีพื้นมาดีเคยรู้เคยเข้าใจในเรื่องนั้นมาบ้างแล้วก็ยอมจะเรียนได้เร็วกว่าคนที่มีพื้นมาไม่ดีแต่ถ้าพื้นเดิมเท่าเทกันก็ต้องใช้เวลาเท่ากันจึงจะมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวกันเติมพวกพืชหรือสัตว์ต่างๆ พื้นเดิมมีมาเหมือนกันจะแตกต่างกันก็แต่เพียงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าต้นไม้ชนิดเดียวกันเกิดในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันเวลาจะมีลูกก็ย่อมจะมีพร้อมๆกันส่วนเรื่องของคนเนื่องจากแต่ละคนมีพื้นเดิมมาตั้งแต่ชาติก่อนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่คนเราเช่นเราจะร่ำรวยเมื่อไรเราจะตกรกรรมลำบากอย่างไรจะตายเมื่อไร จะเจ็บป่วยด้ยวยโรคอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้มีกฎเกณฑ์ของมันมาแน่นอนทุกอย่างแต่ว่าการพยากรณ์ถึงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและทำได้ยากมากนอกจากผู้ที่ได้อภิญญาขั้นสูงจริงๆจึงจะสามารถรู้รายละเอียดและทำงานได้อย่างแม่นยำวิญญาณกรรมวิบากของกรรม อันที่จริงการศึกษาเรื่องวิญญาณถ้าหากเข้าใจความหมายของคำสามคำแจมแจ้งดีก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยไม่ยากคำสามคำที่ว่านี้ก็คือคำว่าวิญญาณกรรมและวิบากของกรรมซึ่งความหมายของคำเหล่านี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วโดยละเอียดแต่ถึงแม้ท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วก็ตามก็ขอให้มันนึกถึงความหมายของคาเหล่านี้บ่อยๆเช่นวิญญาณคือความรู้สึก ซึ่งจะเป็นไปโดยที่รู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามก็เรียกว่าวิญญาณและความรู้สึกที่เรียกว่าวิญญาณนี้หมายถึงรู้สึกเห็นรู้สึกได้ยินรู้สึกกลิ่นรู้สึกรสรู้สึกสัมผัสในร่างกายและรู้สึกนึกคิดอยู่ในใจเมื่อพูดถึงความรู้สึกขอเรียบรดยแยกยะให้ดีว่าไม่ใช่หมายถึงรู้สึกพอใจไม่พอใจรู้สึกโกรธเกลียดรู้สึกอยากได้อะไรเหล่านี้เป็นต้น ความรู้สึกเหล่านี้ไม่เรียกว่าวิญญาณหรือพูดอีกในาย่าหนึ่งไม่ใช่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของวิญญาณโดยตรงคำว่ารู้สึกในภาษาไทยมีความหมายกว้างแต่ในภาษาบาลีมีความหมายเฉพาะอันที่จริงคำว่าวิญญาณตามศัพท์แท้แปลว่ารู้และคำว่ารู้ในที่นี้ ถ้าเป็นการรู้ทางตาก็คือการเห็นถ้าเป็นการรู้ทางหูก็คือการได้ยินอย่างนี้เป็นต้นรู้ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงความเข้าใจแต่หมายถึงรู้ที่ศัก์แต่ว่ารู้อย่าลืมว่าคำว่ารู้ถ้าพูดในภาษาไทยก็มีความหมายกว้างแต่คำว่ารู้ที่หมายถึงวิญญาณแปลได้หลายอย่างคือแปลว่าเห็นก็ได้ การได้ยินก็ได้การเห็นเป็นการรู้ของวิญญาณการได้ยินก็เป็นการรู้ของวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นการศึกษาเรื่องนมามธรรมจะต้องพยายามกำหนดความหมายของคำที่เราใช้ให้จำแจ้งอย่าให้คลุงเคลืออย่าลืมเป็นอันขาดว่าเมื่อพูดถึงวิญญาณก็หมายเพียงแค่การเห็นการได้ยินเป็นต้นแต่อย่างไรก็ดี อาจจะพูดได้อีกนัยยะหนึ่งว่าการเห็นการได้ยินเกิดขึ้นมาจากสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมสภาวะอันนี้มีลักษณะเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่สามารถจะสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้ามีทางที่จะเรียนรู้ได้โดยตรงเพียงทางเดียวคือทางมนสสัมผัสสัมผัสทางใจส่วนการเรียนรู้โดยอาศัยประสาททั้งห้าเช่นอาศัยการดูหรือการฟังเป็นต้น เป็นการเรียนทางอ้อมหรือการเรียนที่เป็นเพียงส่วนประกอบไม่มีใครที่สามารถจะรู้เรื่องจิตใจอย่างลึกซึ้งหรือถูกต้องตามความเป็นจริงโดยอาศัยการดูหรือการฟังเป็นต้นและถ้าหากต้องการที่จะรู้ให้ละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุมก็จะต้องฝึกสมาธิไปจนกระทั่งมียานพิเศษต่างๆเกิดขึ้นเช่นยานที่ทาให้ระลึกชาติได้ยานที่ทาให้เกิดตาทิพยานที่ทาให้อ่านใจคนอื่นได้อย่างนี้เป็นต้น แต่ถึงแม้จะมียานที่ว่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ตามก็ยังไม่อาจที่จะรู้แจ้งเรื่องวิญญาณถึงที่สุดจนกว่างเมื่อใดสามารถเข้าถึงนิพพานดับจิตและเจตสิกทั้งหลายได้ซึ่งเป็นการดับในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นการดับที่ไม่ใช่เป็นการหลับอย่างธรรมดาหรือเป็นการสะกดจิตแต่เป็นการดับเพราะกิเลสในสันดานไม่มีความกดดันทางอารมณ์ต่างๆไม่มีและมีความชนานาญในการเข้าสมาธิ ซึ่งในขณะที่จะดับนั้นมีส ต, ติอยู่กับตัวติด ต, ต่อกันไปทุกขณะจิตในระหว่างที่ดับก็มีสติตสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นการดับจิตและเจตสิกในขณะที่จิตเข้าถึงนิพพานหรือพูดอีกไงยะหนึ่งคือเข้าถึงความว่างซึ่งในขณะที่เข้าถึงความว่างนี้จิตไม่มีรูปและไม่มีนามเด็ดเป็นอารมณ์ผู้ที่สามารถเข้าถึงความดับเช่นนี้ จะทำให้รู้แจ้งถึงสภาพของวิญญาณและสภาพของชีวิตในสากลจักรวาลนี้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจากคำอธิบายโดยสังเขตดังที่กล่าวมานี้สําหรับคนที่ไม่มีพื้นในเรื่องที่เกี่ยวกับนิพพานก็คงจะอ่านไม่รู้เรื่องแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยเอาไว้ก่อนเท่าที่อธิบายมาให้ฟังนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้รู้ว่า วิธีศึกษาที่จะให้เข้าใจเรื่องวิญญาณโดยละเอียดมีอยู่อย่างไรบ้างท่านที่เป็นนักศึกษาจะได้รู้จักประมาณตัวไม่เชื่อความคิดของตัวเองจนเกินไปเหมือนอย่างบางคนทั้งๆที่ตนเองไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีเครื่องมือในอันที่จะศึกษาเรื่องวิญญาณเพียงแต่มีความรู้ที่จะมาจากคนอื่นผิดๆถูกๆแล้วก็ยึดมั่นว่าความ้าใจของตนเองถูกต้องคนประเภทนี้จะไม่มีทางที่จะเข้าใจเรื่องวิญญาณได้โดยละเอียด ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อพูดถึงวิญญาณขอให้นึกถึงทันทีว่าหมายถึงการเห็นการได้ยินเป็นต้นความหมายเพียงแค่นี้เท่านั้นไม่มากไปกว่านี้และเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ขอเดียกรโอดเข้าใจต่อไปอีกขั้นหนึ่งว่าการเห็นและการได้ยินเราจะพูดว่าคือตัววิญญาณก็ได้เช่นจะถามว่าวิญญาณคืออะไรก็พึงตอบว่า วิญญาณก็คือการเห็นและการได้ยินเป็นต้นอย่าลืมว่าวิญญาณมีหกอย่างคือการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้ความนิคิดในใจเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วก็อย่ายุดมั่นเพียงแค่นี้จะต้องคิดต่อไปอีกขั้นหนึ่งว่ า, วาการเห็นและการได้ยินไม่ใช่เกิดจากตาไม่ใช่เกิดจากหูการเห็นและการได้ยินเกิดขึ้นมาจากวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากร่างกายการเห็นและการได้ยินเป็นต้นนั้นเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณเช่นเมื่อท่านเห็นต้นไม้มีความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรู้สึกที่ว่านี้จะ ก, ก่อให้เกิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความหมายก็พึงเข้าใจเถิดว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณโดยอีกไงยะหนึ่งตัวสเปิร์มของผู้ชาย ในเมื่อถูกขับเข้าไปอยู่ในมดลูกของผู้หญิงแล้วทุกตัวจะพยายามว่ายไปหาไข่แต่ถ้าตัวไหนไปถึงไข่ก่อนมันก็จะเอาหัวทิ่มเข้าไปในไข่และไข่นั้นก็จะสร้างเยื่อหุ้มขึ้นมาทันทีเป็นการป้องกันไม่ให้สเปิร์มตัวอื่นทิมเข้าไปได้มันคล้ายๆกับผู้หญิงไม่ได้ตกลงใจรักกับชายใดเป็นการแน่นอนแล้วก็จะมีปฏิกิริย า, าการปฏิเสธชายอื่นถ้าหากชายอื่นประสงค์จะเข้าไปเกี่ยวข้อง การกระทําที่มีความหมายเช่นนี้บอกให้รู้ว่าสิ่งนี้มีวิญญาณข้อสำคัญอย่าลืมว่าอย่าเอาคำว่าธรรมชาติเข้ามาใช้เป็นอันขาดมีคำพูดอยู่เพียงสองประโยคเท่านั้นที่เราจะต้องนึกอยู่เสมอกล่าวคือเมื่อถามว่าวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็คือการเห็นและการได้ยินเป็นต้นอย่าลืมคำว่าเป็นต้น และถ้าจะถามต่อไปอีกว่าการเห็นและการได้ยินเกิดจากอะไรต้องตอบว่าเกิดจากวิญญาณไม่ใช่เกิดจากตาไม่ใช่เกิดจากหูและวิญญาณ น, นั้นเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากร่างกายคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณยังอยู่และวิญญาณอันนี้จะสร้างชีวิตต่อไปอีกและเมื่อชีวิตเกิดขึ้นแล้ว วิญญาณก็จะมีการเห็นการได้ยินหรือมีความรู้สึกทางประสาททางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นที่กล่าวว่าวิญญาณคือการเห็นการได้ยินนั้นโปรดสังเกตให้ดีว่าการเห็นและการได้ยินนี้ไม่ใช่ตัววิญญาณโดยตรงแต่เป็นสิ่งที่เกิดมาจากวิญญาณเพราะฉะนั้นในครั้งแรกจึงตอบว่าวิญญาณคือการเห็นและการได้ยิน ที่ตอบเช่นนี้ก็เพื่อจะแยกหน้าที่ของวิญญาณกับหน้าที่ของร่างกายออกจากกันคนที่เข้าใจว่าตาเห็นก็คือตาเห็นหูได้ยินก็คือหูได้ยินซึ่งหมายความว่าเขาเข้าใจว่าตาเป็นผู้เห็นหูเป็นผู้ได้ยินความเข้าใจอย่างนี้ผิดที่ถูกวิญญาณเป็นผู้เห็นวิญญาณเป็นผู้ได้ยินอย่างนี้เป็นต้น การที่ข้าพเจ้าต้องกล่าวซ้ำอีกบ่อยๆก็เพื่อจะให้ท่านเข้าใจโดยกระจ่างและมีความคล่องแคล่วในเรื่องวิญญาณในคำพีเคยกล่าวไว้ว่าการศึกษาเรื่องนมามธรรมต่างๆถ้าศึกษาคำว่าวิญญาณให้เข้าใจดีแล้วเรื่องอื่นๆก็จะเข้าใจได้โดยง่ายด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องอธิบายบ่อยๆท่านผู้อ่านโปรดอย่าคิดว่าเป็นการซ้ำซากหรือเป็นการพูดวกบน ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการสอนมาเป็นเวลาเกือบ20ปีข้าพเจ้าเคยพบตัวอย่างมามากคนที่ฟังข้าพเจ้าบ่อยๆซึ่งตัวเขาเองสำคัญตัวเองว่าเข้าใจดีแต่ครั้นถามขึ้นกลับตอบไม่ได้ส่วนมากมักจะเป็นกันอย่างนี้ผู้ที่จะชื่อว่าเข้าใจเรื่องวิญ ญ, ญาณอย่างจำแจ้งนั้นเมื่อถามก็จะต้องตอบได้ทันทีจะมัวช้าหรืออึกอักอยู่ไม่ได้และต้องตอบออกมาให้ชัดเจนด้วย กรรมแปลว่าการกระทำคำนี้ก็เหมือนกันอย่านึกแต่เพียงแค่คำแปลเท่านั้นการแปลว่าการกระทำก็จริงแต่การกระทำที่จะเรียกว่าเป็นกรรมได้ก็ต่อเมื่อการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นมีความหมายเป็นการกระทำที่เกิดจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเจตนาเป็นเจตสิกและเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะ หมายความว่าทุกขณะที่มีการเห็นหรือการได้ยินหรือมีความรู้สึกนึกคิดใดๆเกิดขึ้นก็ตามจะต้องประกอบด้วยเจตนาเกิดพร้อมเจตนาเสมอถ้าไม่มีเจตนาวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นเสียงเข้าหูถ้าไม่ตั้งใจฟังการได้ยินย่อมไม่เกิดผู้ที่เข้าสมาธิได้ลึกจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิยางมั่นคง ในขณะนั้นเจตนาที่จะรับอารมณ์ภายนอกจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะความตั้งใจทั้งหมดไปรวมอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิเพราะฉะนั้นในขณะนั้นไม่ว่าจะมีอารมณ์มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นและกายอย่างไรก็ตามแต่วิญญาณทั้งห้าคือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นและกายจะไม่เกิดขึ้นเลยข้อเท็จจริงอันนี้สาหรับคนที่ได้ฌานจะเข้าใจได้อย่างจำแจ้ง และยอมรับความจริงข้อนี้ส่วนคนธรรมดาที่เข้าฌานไม่ได้ติดใจมักจะวกแวกอยู่เสมอจึงไม่อาจที่จะรู้ความจริงข้อนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามขอให้จำไว้ว่าวิญญาณจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งและเจตนาที่เกิดขึ้นก็ต้องเกิดพร้อมกับวิญญาณในขณะนั้นด้วย กรรมแบ่งออกเป็นสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเรื่องกรรมสามอย่างนี้ถ้าสรุปแล้วก็มีเพียงอย่างเดียวคือมนโนกรรมเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเราจะพูดอะไรหรือทำอะไรก็ต้องนึกคิดก่อนถ้าทำออกมาทางกายเช่นการฆ่าสัตว์เป็นต้นหรือการใส่บาตเป็นต้นก็เรียกว่ากายกรรมถ้าพูดออกมาก็เรียกว่าวจีกรรม แต่ถ้าไม่ทำและไม่พูดเพียงแต่คิดอยู่ในใจซึ่งจะคิดดีหรือคิดชั่วก็ตามก็เรียกว่ามโนกรรมและโปรดสังเกตไว้ด้วยว่าในชั่วขณะที่เห็นหรือได้ยินถ้าความนึกคิดยังไม่เกิดไม่ถือว่าเป็นกรรมและจัดว่าเป็นกรรมได้ก็ต่อเมื่อความนึกคิดเกิดถ้าเรียกตามสังนวนอภิธรรมก็ว่าชวนาจิตเกิดชวนาจิต หมายถึงจิตที่กำลังมีความนึกคิดเมื่อความนึกคิดเกิดซึ่งจะทำหรือพูดออกมาหรือไม่ก็ตามเรียกว่ากรรมได้เกิดขึ้นแล้วหรือพูดอีกในย่าหนึ่งว่าได้ทำกรรมแล้วอย่าลืมว่าความนึกคิดที่เกิดขึ้นทุกขณะจะต้องประกอบด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอและเมื่อความนึกคิดเกิดขึ้นแล้วแม้จะไม่พูดหรือไม่ทาอะไรก็ตาม ในขณะนั้นพฤติกรรมทั้งร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามหลักของปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อวิญญาณเกิดรูปจะต้องเกิดซึ่งคําว่ารูปในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเรียกตามภาษาอภิธรรมว่าเมื่อวิญญาณเกิดกายวิญญาตรหรือวจีวิญญาตจะต้องเกิดขึ้นเสมอ กายวิญยัตแปลว่าพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้รู้ความหมายซึ่งแสดงออกทางร่างกายวจีวิ ญ, ญัตแปลว่าปฤติกรรมที่เป็นเหตุให้รู้ความหมายซึ่งแสดงออกทางวาจาการที่พฤติกรรมมีความหมายก็เพราะเกิดมาจากความนึกคิดที่ประกอบไปด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งในอภิธรรมได้กล่าวว่า กายวิญญาตเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและได้เกิดมาแล้วตั้งแต่วิญญาณได้ปฏิสนธิอย่าลืมว่าวิญญาณมีอยู่สองอย่างคือวิถีวิญญาณกับผวังข้าวิญญาณในผวังข้าวิญญาณซึ่งเป็นจิตไร้สำนึกก็มีความรู้สึกเนื้อคิดเกิดขึ้นเสมอซึ่งอันนี้จะสังเกตได้จากการทำงานของอวัยวะต่าง และการเจริญเติบโตของร่างกายตั้งแต่เรื่องปฏิสนธิหมายเหตุผู้อ่านจิตไร้สำนึกที่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอเช่นการย่อยอาหารการสูบฉีดโลหิตการทำงานของระบบร่างกายที่เรามมกเข้าใจกันว่าเป็นไปตามธรรมชาติหรือเป็นไปตามอัตโนมัตินั้นจริงๆล้ะเป็นการทำงานของจิตไร้สานึกหรือพื่อวาวิญญาณนะครับให้สังเกต น, นะครับว่า เรื่องจิตไร้สำนึกนั้นกว่าที่วิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันจะเข้าใจและพิสูจน์จนยอมรับว่ามีจริงก็เป็นเวลาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สองพันกว่าปีแล้วนะครับข้อที่จะต้องศึกษากันให้ลึกซึ้งก็คือจะต้องพยายามพิจารณาให้เห็นว่าคนเราได้ทำกรรมอยู่เสมอทุกขณะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิหรือถ้าจะพูดิงในญ่าหนึ่งก็คือ กรรมได้เกิดขึ้นเสมอทุกขณะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิกรรมก็คือพฤติกรรมต่างๆที่มีความหมายซึ่งได้มีมาแล้วตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิและจากพฤติกรรมต่างๆนี้เองอวัยวะต่างๆจึงได้เกิดเมื่อพูดถึงกรรมอย่ากเข้าใจแต่เพียงว่าจะต้องหมายถึงการกระทำที่เป็นบุญหรือเป็นบาปที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนตามหลักของกุศ ล, ลกรรมบท และอกุศลละกรรมบทเท่านั้นและถ้าหากท่านเข้าใจถึงเรื่องกรรมดังที่กล่าวมานี้ยังจำแจ้งท่านก็จะมองเห็นว่าในสัตว์ทุกชนิดก็มีกรรมในพืชทุกชนิดก็มีกรรมการอธิบายถึงเรื่องกรรมดังที่กล่าวมานี้คนส่วนมากจะไม่ค่อยเชื่อและมาจะเห็นว่าเป็นการอธิบายที่นอกเหนือไปจากหลักของพระพุทธศาสนาะข้าพเจ้าขอเตือนว่าข้าพเจ้าไม่ได้อธิบายนอกเหนือไปจากหลักของพระพุทธศาสนา ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าได้มาจากหลักของพระพุทธศทา ส, สนาทั้งสิน้นแต่คนส่วนมากไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ถึงความหมายที่ละเอียดแต่อย่างไรก็ดีถ้าใครไม่สามารถจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ตัดออกไปก่อนจะคิดแต่เพียงว่าการกระทำอันใดที่เป็นไปนตามหลักของอกุศ ล, ลกรรบทและกุศ ล, ลกรรบทเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นกรรม ถ้าท่านจะคิดเพียงเท่านี้ก็ได้แต่ถ้าคิดเพียงเท่านี้ท่านก็มองไม่เห็นว่าวิญญาณจะสร้างร่างกายมาตั้งแต่แรกปฏิสนธิได้อย่างไรและตามหลักของอภิธรรมก็บอกได้ชัดว่าวิญญาณจะต้องเกิดพร้อมกับเจตนาทุกขณะจิตและจะต้องอาศัยเจตนาทุกขณะจิตจึงจะเกิดได้และในเมื่อยังมีวิญญาณเกิดเมื่อใดรูปคือวิญญาติรูปก็จะต้องเกิดขึ้นมา น, นั้น วิญยติรูมีสองกายวิญยต์ไว้กายให้รู้ความวจีวิญยต์ไว้วาจาให้รู้ความคือพูดได้แต่อย่างไรก็ดีในขณะที่เรายัางอยู่ในท้องแม่ก็ดีในขณะที่เรานอนหลับสนิท ก, ก็ดีซึ่งวิธีจิตหรือจิตสานึกยังไม่เกิดในตอนนี้แม้จะได้ชื่อว่ามีการทำกรรมแต่ก็เป็นการทำกรรมที่ซ้าๆอยู่ในรูปเดิม ไม่มีการสร้างกรรมใหม่หรือถ้าจะพูดอีกในย่านหนึ่งก็ว่าในขณะนั้นวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในสันดานกำลังให้ผลอย่างนี้ก็ได้ขอให้สังเกตว่าการที่คนเราจะเกิดมามีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีบุคลิกลักษณะอย่างไรจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอายุจะยืนหรือสั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์ทั้งหมดและไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม แต่หากขึ้นอยู่กับวิบากของกรรมซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่ชาติก่อนด้วยและวิบากของกรรมที่ว่านี้ก็เริ่มให้ผลมาตั้งแต่ร่างกายเริ่มปฏิสนธิการศึกษาเรื่องกรรมในขั้นละเอียดจะต้องพยายามพิจารณาตามแนวดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้อย่าลืมว่าในมเมล็ดผลไม้ที่ยังมีชีวิตนั้นมีวิญญาณและในวิญญาณก็ย่อมจะมีวิบากของกรรม วิบากของกรรมในต้นไม้ก็คือเชื้อซึ่งมีอยู่ในมเมล็ดผลไม้นั่นเองและเชื้ออันนี้จะกำหนดความเป็นต้นไม้ของมันออกมาข้อนี้ฉันใดวิญญาณที่มาปฏิสนธิในไขที่ผสมไว้แล้วในวิญญาณนี้ก็มีวิบากของกรรมซึ่งจะกำหนดบุคลิกลักษณะและชะตาชีวิตออกมาแต่โปรดจำไว้ว่าเรื่องคนกับต้นไม้มีข้อที่แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่ง คือวิญญาณในต้นไม้สืบต่อโดยอาศัยระบบชีวิตเท่านั้นส่วนการสืบต่อวิญญาณของคนมีสองสายคือสายหนึ่งวิญญาณสืบต่อโดยวิธีจุติและปฏิสนธิซึ่งวิญญาณอันนี้เป็นวิญญาณจากที่อื่นมาเข้าท้องแม่และอีกสายหนึ่งเป็นวิญญาณที่สืบต่อมาทางสายโลหิตแบบเดียวกับวิญญาณต้นไม้และวิญญาณที่ว่านี้ ก็คือวิญญาณที่มีอยู่ในตัวสเปิร์มและที่มีอยู่ในไข่และวิญญาณทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มีวิบากอยู่ในตัวของมันและวิบากที่ว่านี้เองที่เป็นตัวการทำให้ลูกที่เกิดขึ้นมามีลักษณะเหมือนพ่อและแม่ การที่จะเข้าใจเรื่องตายแล้วเกิดจะต้องเข้าใจเรื่องโอปปัติกะแจ่มแจ้งข้าพเจ้าได้สรุปให้ท่านเข้าใจว่าถ้าหากเราเข้าใจความหมายของคำสามคำแจ่มแจ้งดีแล้วการศึกษาเรื่องวิญญาณและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับความลี้ลับของชีวิตนั้นเราก็จะเข้าใจได้โดยง่ายคำสามคำที่ว่านี้ก็คือคาว่าวิญญาณกรรมและวิบากของกรรม ซึ่งความหมายของคำทั้งสามคำนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาโดยละเอียดแล้วและอธิบายไว้หลายตอนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทบทวนให้ท่านเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้จริงๆปัญหาขั้นต่อไปที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจก็คือปัญหาเรื่องตายและเกิดแล้วเรื่องโอปปปาติกะสำหรับผู้ที่เข้าใจความหมายของคาทั้งสามอย่างที่ล่ามาแจมแจ้งดีแล้วปัญหาเรื่องตายและเกิด และปัญหาเรื่องโอปปปาติกะก็จะเข้าใจได้โดยง่ายขอได้โปรดทำความเข้าใจให้ดีว่าเรื่องตายและเกิดกับเรื่องโอปปปาติกะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดที่สุดซึ่งหมายความว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องตายและเกิดแจม่มแจ้งก็ต่อเมื่อเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะด้วยในคำนองเดียวกันคนที่จะเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะแจม่มแจ้ง ก็ต่อเมื่อเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งการตายและการเกิดอย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นในอันดับต่อไปนี้ทพเจ้าจะได้พูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์แห่งการตายและการเกิดเมื่อเรามองดูต้นไม้เราจะได้พบความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าหากเมล็ดผลไม้ไม่เน่าไม่เสียเราก็รู้แน่ ว, ว่ามันจะต้องงอกขึ้นมาอีกแต่จะงอกเมื่อไรและงอกที่ไหนนั่นย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม มเมล็ดข้าวเปลือกที่เราเก็บเอาไว้อย่างดีเมอยังไม่เอาไปปลูกมันก็ยังไม่งอกแต่เมื่อเอาไปปลูกเมื่อไหร่มันก็งอกขึ้นมาเมื่อนั้นแล้วเราจะรู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าปราดได้ที่มเมล็ดข้าวเปลือกยังดีอยู่เป็ น, มนเมล็ดที่ไม่เน่าไม่เสียและดินฟ้าอากาศที่จะอำนวยให้ต้นข้าวเกิดขึ้นก็ยังมีอยู่เราก็รู้แน่ว่ามเมล็ดข้าวเปลือกหรือต้นข้าวจะไม่สูญไปจากโลก มันจะต้องมีอยู่ตลอดไปขอให้สังเกตว่าอนุเล็ดเข้าเปลือกนั้นเมื่อเราเอามาแยกธา ด, ดูเราก็จะพบว่ามีธาต่างๆประกอบกันขึ้นเป็นมเมล็ดเข้าเปลือกและถ้าหากเราแยกส่วนประกอบออกจากกันแล้วมเมล็ดเข้าเปลือกก็จะไม่มีและต้นข้าวก็จะไม่มีในความหมายอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามเมล็ดเข้าเปลือกเป็นอนัตตาซึ่งหมายความว่า ตัวมเมล็ดข้าเปลือกที่เป็นตัวตนอันแท้จริงซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั้นไม่มีหรือเหมือนกับเก้าอี้ถ้าเราแยกส่วนต่างๆของเก้าอี้ออกจากกันแล้วตัวเก้าอี้ก็จะไม่มีมีความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าเก้าอี้เป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาแปล ว, ว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงและคำว่าตัวตนในที่นี้ หมายถึงตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดการเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองไม่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆตัวตนที่ว่านี้ไม่มีวิญญาณก็เหมือนกันขอให้เข้าใจว่าเมื่อเราพูดถึงวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงการเห็นการได้ยินเป็นต้นการเห็นการได้ยินนี้ก็เป็นอนัตตา เพรา ก, การเห็นหรือการได้ยินจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยเหตุหลายอย่างเช่นต้องอาศัยตาอาศัยหูอาศัยอารมณ์อาศัยเจตนาอย่างนี้เป็นต้นคำว่าอารมณ์ในตามหลักธรรมนั้นมีความหมายต่างจากอารมณ์ที่คนไทยใช้กันทั่วไปนะครับซึ่งตามความหมายทางธรรมนั้นอารมณ์แปลว่าสิ่งน่วงเหนียวจิต สิ่งที่ยึดดึงจิตไว้หมายถึงสิ่งที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่และยึดจิตไว้มีหกอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสกดทะพะและธรรมอารมณ์มีชื่อเรียกโดยเฉพาะเช่นรู ป, ปารมณ์อารมณ์คือรูปสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเป็นต้นหรือถึงแม้จะกล่าวว่าวิญญาณหมายถึงสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมการเห็นการได้ยิน ที่เรียกว่าเป็นวิญญาณก็เพราะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือที่เรียกว่าวิญญาณธาตุซึ่งธาตุอันนี้บางครั้งก็อาจจะมีปรากฏการออกมาเป็นการเห็นการได้ยินหรือเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆแต่บางครั้งก็อาจจะไม่มีปรากฏการวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุนามธรรมจะมีปรากฏการหรือไม่มีก็ตามแต่สิ่งสิ่งนี้ก็เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริง เราเมื่อพูดถึงวิญญาณไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆความเป็นวิญญาณจึงจะมีขึ้นได้เช่นเมื่อพูดถึงวิญญาณจะต้องเข้าใจว่าในตัวของมันจะต้องประกอบไปด้วยเจตสิก ค, คือคุณสมบัติต่างๆหรือพูดอีกในย่าหนึ่งมันจะต้องมีตัณหาอุปาทานมีอวิชชามีวิบากของกรรมเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอซึ่งถ้าหากส่วนประกอบต่างๆที่ว่านี้ไม่มี มันก็จะหมดสภาพของการเป็นวิญญาณมันเหมือนกับมเมล็ดข้าเปลือกถ้าส่วนประกอบต่างๆของมันยังดีอยู่ความเป็นมเมล็ดข้าวเปลือกก็จะมีอยู่ตลอดไปแต่ถ้าส่วนประกอบต่างๆของมันขาดตกบกพร่องหรือเสียไปยอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะหมดสภาพความเป็นข้าเปลือกมันจะงอกขึ้นมาอีกไม่ได้มันจะต้องละลายหายสูญเมื่อพูดถึงวิญญาณในความหมายของพระพุทธศาสนา จะต้องเข้าใจอย่างนี้เสมอข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าถ้ามเมล็ดข้าวเปลือกยังดีอยู่และสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้มเมล็ดข้าวเปลือกเกิดขึ้นเป็นต้นข้าวมีอยู่มเมล็ดข้าวเปลือกก็ดีต้นข้าวก็ดีก็จะไม่สูญไปจากโลกมันจะต้องมีอยู่เสมอต้นข้าวตายแล้วแต่มเมล็ดข้าวเปลือกยังมีอยู่มันก็ต้องงอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวอีกและตราบใด ที่ส่วนประกอบภายในมเมล็ดข้าเปลือกไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะรักษาความเป็นตัวตนในแบบเดิมของมันได้ตลอดไปซึ่งหมายความว่าไม่ว่ามันจะตายแล้วเกิดใหม่อีกกี่ครั้งมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เสมอตัวอย่างเรื่องข้าเปลือกดังที่กล่าวมานี้ขอให้พยายามพิจารณาให้ถี่ถ้วนจะทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องการตายและเกิดได้อย่างดีทีเดียว ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าปัญหาข้อที่เราจะต้องเข้าใจก่อนและจะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนั้นก็คืออำนาจอะไรที่เป็นผู้สร้างสารรค์ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วบ่อยๆหลายครั้งและได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าสิ่งใดถ้าเกิดจากวิบบ ญ, ญญาณสิ่งนั้นจะต้องมีความหมายอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดจากบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายและข้าพเจ้าได้เตือนไว้แล้วว่า อย่าได้เอาคำว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติมาใช้เว้นไวเสียแต่ว่าเราได้เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าหรือธรรมชาตินั้นก็คือวิญญาณนั่นเองถ้าเข้าใจได้อย่างนี้เราก็ใช้คำว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติได้ในเมื่อเราเข้าใจอย่างจำแจ้งแล้วว่าตัวการที่สร้างสารรค์ชีวิตและควบคุมชีวิตอยู่ทุกขณะนั้นคือวิญญาณและวิญญาณที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักได้ เพราะวิญญาณได้แสดงปรากฏการอยู่เสมอในเมื่อเราก็ใจเช่นนี้แล้วสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจต่อไปก็คือวิญญาณกับร่างกายไม่ใช่สิ่งสิ่งเดียวกันแต่มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง ใ, ใกล้ชิดมันคล้ายๆกับว่าต้นไม้แม้จะเกิดจากเมล็ดของมันก็จริงแต่ในเมื่อจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าต้นไม้เกิดจากดินก็ได้เพราะดินนั่นเอง ได้กลายมาเป็นส่วนต่างๆของต้นไม้ซึ่งถ้าไม่มีดินต้นไม้ก็เกิดขึ้นไม่ได้และต้นไม้เมื่อตายแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินจากดินก็กลายมาเป็นต้นไม้แต่อย่าลืมว่าการที่ดินจะกลายเป็นต้นไม้ได้นั้นวิญญาณเป็นตัวการสำคัญที่เป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงในคานองเดียวกันเราจะบอกว่าการเห็นการได้ยิน และความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดจากสมองหรือเกิดจากประสาทหรือจะพูดอีกไงยะหนึ่งว่าเกิดขึ้นมาจากสารประกอบต่างๆที่รวมตัวกันเป็นสมองหรือประสาททำนองเดียวกับพูดว่าต้นไม้เกิดขึ้นมาจากดินคือดินนั่นเองที่กลายมาเป็นส่วนต่างๆของต้นไม้เราจะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้แต่ข้อสาคัญอย่าลืมว่าถ้าในสมองหรือในเซลประสาทไม่มีวิญ ญ, ญาณ ความรู้สึกเนื้อคิดจะเกิดขึ้นจากสมองหรือประสาทไม่ได้เป็นอันขาดแต่อย่างไรก็ดีขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราศึกษาเรื่องวิญ ญ, ญาณไปให้ลึกซึ้งจนถึงที่สุดแล้วเราก็จะพบว่าสสารก็คือวิญญาณนั่นเองซึ่งเรื่องนี้น้อยคนที่จะเข้าใจที่พูดไว้นี้ก็เพียงแต่สกิดใจไว้เท่านั้นซึ่งถ้าหากไม่เข้าใจก็ปัดออกไปเลยอย่าไดเอามาคิดเป็นอันขาด เมื่อเรามองดูมเมล็ดข้าวเปลือกมันก็มีการเวียนว่ายตายเกิดฉั้นใดเราก็ควรจะมองดูเรื่องวิญญาณให้เข้าใจว่ามันก็มีการเวียนว่ายตายเกิดในทรนองเดียวกันแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องจาไว้ก่อนว่ากฎของวิญญาณมีอยู่ดังนี้ถ้าหากในวิญญาณยังมีกิเลสและมีวิบากของกรรมอยู่วิญญาณเมื่อจุติแล้วจะต้องปฏิสนธิอีกเสมอ วิญญาณเมื่อจุติเกิด ต, ตายหรือเคลื่อนจากพเก่าแล้วจะต้องปฏิสนธิอีกเสมอซึ่งหมายความว่าเมื่อวิญญาณดับแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นอีกและมันจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดตราบเท่าที่เหตุปัจจัยของมันยังมีอยู่ทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมดาวิญญาณสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ในตัวของมันเอง สิ่งอื่นนอกจากนี้เป็นเพียงส่วนประกอบมันเหมือนกับมเมล็ดข้าวเหลือกที่ยังดีอยู่โดยอาศัยตัวของมันเองมันก็พร้อมที่จะงอกขึ้นมาอีกเสมอและจะเป็นเหตุให้เกิดมเมล็ดข้าวเหลือกขึ้นมาอีกตราบใดที่เหตุปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้มันเกิดยังมีอยู่มันก็จะมีอยู่ตลอดไปคือตายแล้วก็เกิดอีกมเมล็ดเก่าหมดไปแล้วมเมล็ดใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ในเรื่องของมเมล็ดข้าวเปลือกเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ไม่ยากเพราะเมล็ดข้าวเปลือกเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาและใครๆก็มองเห็นโดยใครก็เข้าใจอย่างเดียวกันความสงสัยในเรื่องนี้จึงไม่มีส่วนเรื่องวิ ญ, ญญาณซึ่งเป็นนามธรรมคนทั่วไปที่ไม่ได้คิพยาจักสุไม่ได้เห็นโอปะปะติกะไม่รู้เรื่องโอปปาติกะไม่อาจที่จะเข้าใจได้เลยแม้จะพยายามนึกคิดอย่างไรก็ตาม คนส่วนมากก็ยังมองไม่เห็นอยู่นั่นเองว่าวิญญาณที่ดับพร้อมกับชีวิตดับนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรตอนดับมองเห็นแต่ตอนเกิดใหม่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะเข้าใจกฎของวิญญาณที่ว่าท่านในวิญญาณยังมีกิเลสยังมีวิบากของกรรมอยู่วิญญาณจุติแล้วจะต้องปฏิสนธิทันทีอีกเสมอเพราะวิญญาณที่ยังมีกิเลสมีวิบากของกรรมนั้น มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆภายในตัวของมันเองและสามารถที่จะสร้างปัจจัยในภายนอกคือร่างกายขึ้นอีกเพื่อที่จะช่วยให้วิญญาณสืบต่ออยู่ได้เสมอเรื่องนี้ที่คนส่วนมากไม่อาจที่จะเข้าใจได้เป็นเพราะสาเหตุข้อเดียวคือเขาไม่มีความรู้เรื่องโอปปปาติกะและไม่เชื่อว่าโอปปปาติกะมีจริงเพราะฉะนั้นในตอนต่อไป ข้าพเจ้าจะได้อธิบายถึงเรื่องนี้โดยละเอียดคนที่จะเข้าใจเรื่องตายแล้วเกิดแจ่มแจ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาจะต้องรู้ก็คือเรื่องโอปปาติกะคนที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับว่าโอปปาติกะมีจริงจะไม่มีทางเข้าใจว่าวิญ ญ, ญาณเป็นผู้สร้างชีวิตและจะไม่เข้าใจว่า หลังจากตายถ้าหากวิญญาณยังมีกิเลสวิญญาณจะต้องเกิดอีกและจะต้องสร้างชีวิตต่อไปอีกความรู้แจ้งในเรื่องโอปปปาติกะเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะทำให้เข้าใจในเรื่องตายและเกิดเพราะฉะนั้นในตอนนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายให้ท่านมองเห็นว่าโอปปปาติกะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งการอธิบายในที่นี้เป็นการอธิบายสาหรับคนธรรมดา ซึ่งไม่ต้องได้ที่พยาจักสุกก็สามารถที่จะเข้าใจได้ก่อนอื่นท่านจะต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงวางกฎไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปซึ่งหมายความว่าคนเราเมื่อยังมีวิบากอยู่ในสันดานตายแล้ววิญญาณจะต้องปฏิสนธิอีก และเมื่อวิญญาณปฏิสนธิอีกก็จะต้องมีนามรูปเกิดขึ้นมาอีกและอีกกฎหนึ่งว่าเมื่อมีตัณหาก็จะต้องมีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานก็จะต้องมีภพหมายความว่าคนที่ยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ในสันดานเมื่อตายแล้วก็จะต้องมีภพอีกคือมีนามรูปเกิดขึ้นมาอีก ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงวางกฎซึ่งเป็นหลักความจริงเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติได้ก่อนและทรงได้ตาทิพมาก่อนขอให้นึกถึงพุทธประวัติในคืนวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในยามที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ยามที่สองได้ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ ยานที่ทําให้เกิดตาทิพย์ทำให้มองเห็นโอปปาติกะติดต่อกับโอปปาติกะได้และทําให้รู้ถึงกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งทําให้รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการจุดติและปฏิสนธิยานที่สามได้ทรงบรรลุอาสวะขย้ายยานยานที่ทําให้อาสวะหมดสิ้นไปอาสวะขย้ายานก็คือยานที่รู้แจ้งเรื่องไตรลักษณ์เรื่องปฏิจจสมุปบาท เรื่องอริยสัจขอให้สังเกตว่าเพราะพระองค์ทรงระลึกชาติได้และทรงนิตาทิพจึงทำให้ทรงรู้แจ้งถึงเรื่องการตายและเกิดและทรงวางกฎเรื่องปฏิจจสมุปบาทดังที่กล่าวมาแล้วส่วนคนธรรมดาเช่นเราท่านทั้งหลายระลึกชาติไม่ได้ตาทิพก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะให้รู้เรื่องโอปปาติกะเรื่องตายและเกิดอย่างแจ่มแจ้งจริงๆนั้น จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บุคคลที่จะระลึกชาติได้และได้ตาทิพย์จะต้องได้สมาธิขั้นสูงคือจะต้องได้ฌานทั้งสี่และมีความชนานาญในเรื่องฌานด้วยแต่อย่างไรก็ดีคำอธิบายต่อไปนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงเรื่องอุปปัติกะถึงเรื่องตายและเกิดได้พอสมควรอย่างน้อยก็จะไม่ทำให้เราจึงกับลงมติอย่างเด็ดขาดว่าคนเราตายแล้วก็ศูนแน่ ซึ่งเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงและนับว่าเป็นภัยทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมอย่างมากข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะและเชื่อสนิทว่าโอปปปาติกะมีจริงก็จะเข้าใจได้อย่างง่ายดายถึงเรื่องตายแล้วเกิดวิธีคิดที่จะให้เข้าใจเรื่องนี้ก็คือขอให้นึกถึงชีวิตในความฝัน ทุกคนเมื่อหลับแล้วจะต้องฝันคนที่นอนหลับแล้วไม่ฝันนั้นไม่มีแต่บางคนที่บอกว่าเขาไม่ได้ฝันนั้นส่วนมากเป็นเพราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้แต่ระยะที่จะไม่ฝันในขณะนอนหลับก็มีเหมือนกันคือตอนที่หลับสนิทจริงๆในตอนนี้บางครั้งจะไม่มีฝันแต่โอกาสเช่นนี้มีน้อยมากเพราะตอนที่คนเราหลับสนิทจริงๆนั้นความฝัน มากจะเกิดด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งเป็นการฝันเห็นโอปปาติกะซึ่งในเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะจำเหตุการณ์ในความฝันได้แม่นมากแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายปีก็ยังจำได้ 2. ในขณะที่นอนหลับสนิทนั้นถ้าไม่ฝันเห็นคนที่ตายไปก็อาจจะฝันว่าได้ไปเห็นสถานที่บางแห่งหรือบุคคลบางคนหรือได้เห็นเหตุหการณ์บางอย่าง ซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้ฝันเห็นนั้นเป็นความจริงการฝันในลักษณะเช่นนี้เมื่อเตินขึ้นมาแล้วก็จาแม่นจำได้นานส่วนความฝันที่เกิดจากความคิดของตัวเองมักจะเป็นภาพเลือนรางหรือถ้าหากจะเป็นภาพที่ชัดเจนเรื่องราวก็ไม่ค่อยจะปะติดปะต่อกันมักจะเป็นเรื่องเปรอะเปะทั้นองคนคิดฟุ้งซ่านเอาเรื่องเอาราวไม่ได้ ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมง่ายถ้ายิ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยที่สมองเสื่อมพอตื่นขึ้นมาไม่กี่นาทีก็จะลืมหมดความฝันที่เกิดจากความคิดของตัวเองนี้ส่วนมากมักจะเกิดในตอนเคลิมหรือในตอนที่หลับไม่สนิทคนที่ร่างกายไม่สบายมีสิ่งรบกวนทางประสาทมากจะนอนไม่เคยหลับแล้วฝันมากฝันไม่ได้เรื่องได้รา ตื่นขึ้นมาร่างกายก็อ่อนเพลียไม่สดชื่นร้อ น, นอนไม่เต็มอิ่มการศึกษาเรื่องอุปปาติกะสำหรับคนทั่วไปนั้นขอให้ศึกษาจากชีวิตในความฝันจะสามารถทำให้เข้าใจได้ข้อที่จะพึงสังเกตในเรื่องความฝันก็คือ 1. ชีวิตในความฝันก็ปรากฏว่ามีตัวเราซึ่งมีร่างกายทำอย่างน้นได้ทำอย่างนี้ได้ ไปโน่นมานี้ได้และตลอดเวลาที่ยังฝันอยู่จะเข้าใจว่าชีวิตในความฝันเป็นความจริงแล้วร่างกายในความฝันนี้จะปรากฏสมบูรณ์ขึ้นมาทันที2ในความฝันจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสและมีความรู้สึกนึกคิดทั้งๆ ท, ที่ในขณะนั้น ร่างกายได้นอนหลับไม่มีการเคลื่อนไหวไม่รับรู้ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิน้นแต่เล้าร่างกายที่ปรากฏในความฝันนั้นมีการเคลื่อนไหวมีการทำงานมีการรับรู้อารมณ์ต่างๆสามชีวิตในความฝันเกิดจากใจของเราโดยตรงไม่ได้อาศัยพ่อแม่และไม่ได้อาศัยกฎเกณฑ์ทางวัตถุไม่ได้อาศัยธรรมชาติ 4. ขอให้สังเกตว่าเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในความฝันนั้นเกือบจะทั้งหมดมาจากประสบการณ์ที่เคยรู้เคยเห็นเคยผ่านมาแล้วแต่การที่เรื่องราวในความฝันบางอย่างปรากฏว่าไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนนั้นเป็นเพราะเราสร้างเรื่องขึ้นใหม่โดยอาศัยประสบการณ์เก่าๆที่มีอยู่แต่เดิมคือเอาเรื่องตรงนั้นมาต่อเข้ากับตรงนี้เอาตรงนี้ไปต่อเข้ากับตรงนั้น จึงได้กลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาไม่ได้เอาเรื่องราวทั้งหมดของแต่ละอย่างมาคือเอามาแต่เพียงตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เครรู้ไม่ใคยเห็นมาก่อนอาถ้าหากนอนหลับสนิทแม้ว่าเรื่องในความฝันออกมาจากความคิดของตนแต่ก็จะเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัด เหมือนกับคนที่มีสมาธิดีซึ่งเมื่อ น, นึกถึงภาพอะไรภาพนั้นก็จะปรากฏชัดเหมือนของจริงและสำหรับในกรณีที่ฝันเห็นคนตายมาบอกเรื่องราวต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าเป็นความจริงด้วยหรือในกรณีที่ไม่ใช่ฝันเห็นคนตายแต่ได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างซึ่งต่อมาปรากฏว่าเป็นความจริงตัวอย่างทั้งสองกรณีที่กล่าวนี้สาหรับคนที่ได้ประสบมาด้วยตัวเอง ถ้าได้เข้าใจหลักวิชาเสียสักหน่อยก็จะเชื่อได้อย่างสนิททีเดียวว่าโอปปาติกะมีจริงขอให้ท่านย้อนกลับไปพิจารณาถึงชีวิตในความฝันอีกครั้งหนึ่งและจงตั้งปัญหาถามตัวเองว่าทําไมในขณะที่นอนหลับจึงได้มีตัวเราอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นเป็นตัวตนที่เราเชื่ออย่างสนิทในระหว่างที่เรายัางนอนหลับอยู่ว่าเป็นตัวเราจริงๆ ส่วนร่างกายที่นอนอยู่จะไม่รู้สึกถึงเลยร่างกายในความฝันเกิดจากอะไรเกิดจากใจของเราใช่หรือไม่และทาไมจึงเกิดได้ขอให้สังเกตว่าถ้าร่างกายยังรับรู้อารมณ์ภายนอกอยู่คือยังไม่หลับถึงแม้จะหลับตาฝันทั้งที่ยังตื่นอยู่นั้นภาพที่ปรากฏในใจมันก็ไม่เหมือนกับภาพในความฝันชัดเจนผิดกันมาก และคนที่มีสมาธิดีถึงแม้จะนึกวาดภาพในใจได้ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นในใจนั้นจะชัดเจนดีก็ตามแต่เขาก็ยังรู้สึกอยู่นั่นเองว่าภาพที่เห็นในใจนั้นไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งผิดกับในเวลานอนหลับตามความรู้สึกในขณะนั้นจะบอกว่าเรื่องที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นเรื่องจริงทุกอย่างชีวิตมีความฝันเป็นชีวิตที่เกิดจากใจโดยตรง แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสาทและสมองอยู่ด้วยเหมือนกันจงสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตในความฝันแม้จะปรากฏว่ามีการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นรู้สึกรสหรือรู้สึกสัมผัสอะไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมดที่ว่านี้ส่วนมากจะเกิดมาจากการนึกเอาเองหรือคิดเอาเองทั้งสิน้นไม่ใช่เห็นของจริงหรือได้ยินเสียงจริง ซึ่งแตกต่างจากชีวิตของพวกโอปปาติกะประเภทที่เป็นปกติและสมบูรณ์พวกนี้ไม่เห็นอะไรหรือได้ยินอะไรก็ตรงตามความเป็นจริงเหมือนกับที่คนอื่นเห็นและได้ยินไม่ใช่เป็นการนึกเอาเองหรือคิดเอาเอง การศึกษาที่จะให้เข้าใจว่าคนเราเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดอีกหลักสาคัญอยู่ที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าโอปปปาติกะมีจริงโอปปปาติกะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาบ้างแล้วแต่เนื่องจากยังมีข้อความอีกหลายอย่างที่จะต้องศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นและโดยธรรมดาผู้ที่จะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆนั้นจะต้องได้สมาธิขั้นสูงจะต้องได้สําเร็จทิพยจักสุหรือยอย่างน้อย ก็ต้องสามารถหลับในสมาธิได้และเห็นโอปปาติกะได้ซึ่งสมาธิขั้นนี้ยังไม่ถึงขั้นที่พยาจักสุเพราะถ้าเป็นทิพยาจักสุแล้วจะสามารถมองฝามองกำแพงทะลุแต่ในขณะที่เห็นโอปปาติกะอยู่นั้นก็สามารถจะมองเห็นคนในโลกนี้ได้ด้วยโดยไม่ต้องลืมตาขึ้นมาดูเพราะเหตุที่คนที่จะรู้แจ้งเรื่องโอปปปาติกะจริงๆนั้นจะต้องได้สมาธิถึงขั้นนี้ แต่คนที่จะได้อย่างนี้หายากมากเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนส่วนมากเข้าใจและเชื่อเรื่องโอปปาติกะโดยอาศัยวิธีทางสมาธิดังที่กล่าวมานี้จึงเป็นไปไม่ได้และผู้ที่สำเร็จสมาธิขั้นสูงถึงขนาดที่จะสามารถพิสูจน์ให้คนทั้งหลายเชื่ออย่างสนิทต่อหน้าชุ ม, มชนก็เป็นสิ่งที่ทาไม่ได้ง่ายเลยแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเห็นว่า ถ้าหากเราจะได้ศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องกฎของกรรมถ้าหากความรู้สองอย่างนี้จำแจ้งดีแล้วเราก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องโอปปปาติกะจากชีวิตในความฝันได้เพราะชีวิตในความฝันคือตัวอย่างที่ใกล้เคียงมากกับชีวิตของโอปปปาติกะจะแตกต่างกันก็แต่เพียงว่าชีวิตในความฝันเป็นชีวิตโอปปปาติกะที่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังเห็นอะไรได้ยินอะไรตามความเป็นจริงไม่ได้ยังใช้การอะไรไม่ได้ส่วนโอปปาติกะที่เกิดขึ้นหลังจากตายนั้นเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์เหมือนกับคนเราทุกอย่างต่างกันแต่เพียงส่วนร่างกายคือกายมนุษย์เป็นกายเนื้อเป็นกายวัตถุเป็นกายหยาบตายแล้วมีซากไปไหนมาไหนไม่ได้รวดเร็วเท่าใจนึกส่วนกายของพวกโอปปาติกะเป็นกายทิ เป็นกายที่เกิดจากใจเป็นกายละเอียดสามารถจะไปไหนมาไหนได้เร็วเท่ากับใจนึกตายแล้วไม่มีซากเหลืออยู่นี่คือความแตกต่างระหว่างกายมนุษย์กับกายโอปปาติกะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เคยอธิบายมาแล้วแต่ที่ต้องนำมากล่าวซ้ำอีกก็เพราะเป็นประเด็นที่สาคัญและเพื่อต้องการที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงหลักฐานที่กล่าวไวในคำพีพระพุทธศาสนาฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำข้อความดังต่อไปนี้มาให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาอีกสาเหตุแห่งความฝันมีอยู่4อย่างตามหลักในคำภีเ้กล่าวไว้ว่าสาเหตุแห่งความฝันมีอยู่4อย่างคือหนึ่งทาตุโคภะรสธาตุกำเริบ ข้อนี้หมายความว่าคนที่ฝันนอนหลับไม่สนิทเพราะร่างกายไม่สบายมีสิ่งรบกวนทางประสาทมากความฝันประเภทนี้เป็นเรื่องเปรปะไม่ติดต่อเป็นเรื่องเป็นราวเชื่อถืออะไรไม่ได้คนส่วนมากที่ฝันกันมักจะอยู่ในข้อนี้สองอนุพูตตาอุพะเราเคยรู้เคยเห็นมาก่อน ข้อนี้หมายความว่าสิ่งใดที่เคยรู้เคยเห็นสิ่งเหล่านั้นยังฝังอยู่ในใจเมื่อนอนหลับสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความฝันข้อนี้บางทีก็เรียกว่าจิตวิวรณ์ 3. เทวโตประสังฮรณะเพราะเทวดาโดนใจหรือชักจูงข้อนี้หมายความว่าบางคนในขณะที่กำลังนอนหลับ จิตอยู่ในภาวะที่สามารถจะติดต่อหรือรับความคิดจากโอปปาติกะได้ซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งในตอนนี้เองเป็นโอกาสที่โอปปาติกะสามารถจะบอกเป็นคำพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือบอกเป็นปริศนาหรือแสดงภาพนิมิตยอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นหรือบรรดาให้เ ห, เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้อนี้บางทีเรียกว่าเทวดาสังหอนโปรดสังเกตว่า คำว่าเทวดาในที่นี้หมายถึงโอปปปติกะทั่วไปซึ่งอาจจะเป็นโอปปปติกะที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สอุ 4. ปนิมิตเพราะบุญหรือบาปที่เคยทำไว้ในครั้งก่อนๆแสดงนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้เห็นซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์บอกให้รู้ว่าจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นในการข้างหน้า เหตุแงความฝันทั้งสี่ประการนี้มีกล่าวไว้ในคำพีสัทธรรมปาปโชติกาภาคสองท่านได้อธิบายไว้ว่าความฝันสองข้อแรกถือเอาเป็นสาระไม่ได้ส่วนข้อสาพระเทวดาดลใจหรือชักจูงบางทีก็ถือเอาเป็นสาระได้แต่บางทีก็ถือเอาเป็นสาระไม่ได้ส่วนข้อสี่ปุพานิมิต ราะบุญหรือบาปที่เคยทำไว้ในครั้งก่อนๆแสดงนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้เห็นถือเอาเป็นสาระได้ทั้งหมดสำหรับคนที่เคยฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วซึ่งถ้าพาพในความฝันชัดเจนและมีหลักฐานที่จะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการฝันเห็นคนที่เคยรู้จักซึ่งได้ตายไปแล้วสำหรับบุคคลประเภทนี้ ไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่เชื่อว่าโอปปาติกะมีจริงแต่เนื่องจากน้อยคนมากที่จะฝันเห็นถึงคนที่ตายอย่างมีหลักฐานส่วนมากมักจะเป็นการผสมผสานระหว่างความคิดของตนกับความคิดของโอปปาติกะที่สร้างภาพในความฝันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ข้อเท็จจริงที่บริสุทธิ์และอีกประการหนึ่งคนส่วนมากไม่ได้ฝันเห็นคนที่ตาย เพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงไม่เชื่อว่าเรื่องที่คนบางคนฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วนั้นเป็นความจริงและเขาก็จะไม่ถือเอาเรื่องจากความฝันประเภทนี้มาเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนเราตายแล้วก็ยังมีชีวิตคือเกิดเป็นโอปปาติกะแต่อย่างไรก็ตามขอให้สังเกตไว้ว่าในวงการวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงเพียงชิ้นเดียวที่นักวิทยาศาสตร์บางคนค้นพบ ซึ่งในขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์อื่นๆอย่างคนไม่พบนั้นเขาก็ถือเป็นหลักในการค้นคว้าได้แต่ข้อเท็จจริงอันใดถ้าหากนักวิทยาศาสตร์อื่นๆไม่พยายามที่จะคิดตามหรือพิสูจน์ตามนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากก็คงจะไม่เชื่อว่าข้อเท็จจริงที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งคนพบนั้นเป็นความจริงตัวอย่างเช่นลุยส์มัสเตอร์ เป็นคนแรกที่ค้นพบว่าศัตรูของมนุษย์ที่ร้ายที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ตาเรามองไม่เห็นเมื่อค้นพบใหม่ๆนั้นนักวิทยาศาสตร์อื่นๆแม้จะไม่ยอมเชื่อแต่ก็เคราะห์ดีที่เมื่อเขาไม่เชื่อแต่เขาก็พยายามคิดพยายามพิสูจน์ตามวิธีของลุยส์ต่อมาจึงได้ยอมรับกันว่าสิ่งที่ลุยส์ปาสเตอร์ค้นพบนั้นเป็นจริงข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าหากเราจะทําการบันทึกเรื่องราวของคนต่างๆที่ฝันเห็นคนตายแล้วนามาพิจารณาอย่างละเอียดพร้อมทั้งศึกษาหลักมิชฉาให้เข้าใจด้วยข้าพเจ้าเชื่อแน่เหลือเกินว่าในมิชฉาโลกก็จะยอมรับว่าโอปปปาติกะมีจริงการที่เรื่องเหล่านี้ยังไม่ยอมรับกันทั่วโลกก็เพราะคนส่วนมากเมื่อมีความสงสัยในเรื่องนี้ก็ปล่อยให้สงสัยอยู่อย่างนั้นไม่พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าให้รู้จริง ซึ่งผิดกับในวงการวิทยาศาสตร์ในด้านวัตถุเขามีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจังผลงานจึงได้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนหลักวิชาในเรื่องนี้มีอยู่เพียงนิดเดียวแต่นิดเดียวที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยเหมือนกันกล่าวคือถ้าหากเราก็าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิต และจากการศึกษาถึงเรื่องวิบากของกรรมทำให้เราเข้าใจซึ่งว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นจากพ่อแม่และวิบากต่างๆที่มีในสันดานนั้นแสดงให้เห็นว่าได้เคยเกิดมาแล้วหลายชาติถ้าหากเรามีความเข้าใจในหลักวิชานี้ก่อนการที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องโอปปาติกะจะไม่ยากอะไรเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าชีวิตในความฝันนั้น เป็นชีวิตตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตในโลกของโอปปาติกะได้เป็นอย่างดีไม่ว่าความฝันที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตในความฝันได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่นอนหลับสนิทหรือบางคนพอเคลิ้มก็ฝันเราจะต้องทำการเปรียบเทียบชีวิตในความฝันกับชีวิตในโลกของโอปปาติกะให้เข้าใจโดยท่องแท้ กล่าวคือการที่ชีวิตในความฝันยังเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์นั้นก็เพราะพลังของวิญญาณที่สร้างชีวิตในความฝันนั้นไม่ใช่เป็นพลังของวิญญาณทั้งหมดเป็นเพียงพลังส่วนหนึ่งที่แสดงออกมาและส่วนที่แสดงออกมานี้ก็เป็นส่วนที่เล็กน้อยมากในเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้แสดงออกมาทั้งนี้ก็เพราะวิญญาณส่วนใหญ่ได้ควบคุมร่างกายทงาน เพื่อให้ชีวิตสืบต่อส่วนคนที่ตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างกายทั้งหมดไม่มีตกค้างอยู่ในร่างกายไม่ได้ถูกแบ่งเอาไปใช้ในที่อื่นเพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากตายซึ่งคล้ายกับชีวิตในความฝันนั้นจึงมีความสมบูรณ์เราเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของวิญญาณล้วนๆโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่โดยไม่ได้อาศัยธรรมชาติ คือความเหมาะสมของดินฟ้าอากาศอัห น, นึง่งการที่ชีวิตของพวกโอปปาติกะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ผิดจากชีวิตในความฝันเพราะพลังของวิญญาณที่สร้างชีวิตโอปปาติกะมันนั้นไม่ถูกแบ่งไปใช้ที่อื่นเลยนั้นจะเห็นความจริงข้อนี้ได้ง่ายถ้าหากนึกถึงคนที่เข้าสมาธิได้ดีถึงขั้นที่จะสามารถรวบรวมกำลังจิต มีความเข้มได้แล้วก็สามารถสร้างภาพขึ้นมาในใจได้อย่างชัดเจนและถ้าหากผู้นั้นมีสมาธิสมบูรณ์ขึ้นไปอีกถึงขั้นที่มีความชํานาญในการเข้าสมาบัติ8ก็จะสามารถเนรมิตกายทิพย์ให้เกิดขึ้นมาได้ทันทีซึ่งผู้ที่ได้สมาธิขั้นนี้เรียกว่าได้มโนมยิทธิคนที่ได้มโนมยิทธินั้นสามารถที่จะสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้ และจะเป็นไหนมาไหนก็ได้รวดเร็วเท่าใจนึกและสามารถจะไปรู้ไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับไปมาด้วยกายเนื้อจากหลักวิชาที่อธิบายมาให้ฟังนี้ถ้าท่านเข้าใจและเชื่อว่าเป็นไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะไม่ยอมรับว่าโอปปปาติกะมีจริงและในเมื่อยอมรับว่าโอปปปาติกะมีจริงปัญหาเรื่องตายและเกิดก็กลายเป็นเรื่องง่าย ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหากจะได้มีนักศึกษาในที่ทัท่วไปพากันสนใจและติดตามวิธีที่ข้าพเจ้าเสนอมานี้ในไม่ช้าเราก็จะรับรองได้ทั่วไปว่าโอปปปาติกะมีจริงข้าพเจ้าหวังว่าการเสนอแนวความคิดดังที่ได้กล่าวมานี้อย่างน้อยก็คงจะทำให้คนที่เคยลงความเห็นว่าตายแล้วศูนย์นั้นคงจะได้ยั่งคิดและหันกลับมาคิดใหม่ว่า บางทีคนเราเมื่อตายแล้วอาจจะไม่สูญและสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อดิ่งลงไปทีเดียวว่าตายแล้วสูญยังเชื่อครึ่งๆกลางๆอยู่แนวความคิดที่เสนอแนมานี้เข้าใจว่าพอจะเป็นเครื่องเตือนสติได้เเละเมื่อมีอายุมากขึ้นก็คงจะเชื่อได้อย่างสนิทว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่อีกและบางคน ถ้าหากเคยป่วยหนักจนจะตายแต่ไม่ตายรอดกลับมาได้ก็จะเชื่อได้อย่างสนิททีเดียวว่าโอปปาติกะมีจริงเพราะโดยหลักธรรมดาคนที่กําลังจะตายต้องได้เห็นโอปปาติกะเสมอและบางคนที่ป่วยหนักไม่มีทางจะฟื้นถ้าหากมีพื้นในเรื่องนี้มาบ้างซึ่งเมื่อก่อนแม้ว่าจะไม่ค่อยยอมรับว่าโอปปาติกะมีจริงแต่ในตอนจะตายนี่แหละ เขาจะต้องเชื่อเพราะเขาจะได้เห็นตัวอย่างแม้เพียงแค่นี้ก็ได้รับประโยชน์ไม่น้อยเมื่อตายไปแล้วก็มีหวังว่าจะได้รับความสุขเพราะจะเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆในโลกนั้นได้ถูกต้องซึ่งจะมีผลทำให้ตัวเองมีความก้าวหน้าอยู่ในโลกนั้นแต่ถ้าหากคนในหัวเด็ดตีนขาดไม่ยอมเชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดคนที่เป็นมิจฉาทิถีเช่นนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกไว้แล้วว่าเขาจะไม่มีคติเป็นอย่างอื่นนอกจากจะไปสู่อบายภูมิเท่านั้นหมายเหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่าคนที่เชื่อว่าตายแล้วสูนนั้นเมื่อถึงเวลาจะตายจริงจะมีความกลัวตาย มากกว่าคนที่เชื่อว่าโลกน่ามีจริงแค่ไหนเพราะคิดว่าต้องสูญสิ้นไปทุกอย่างจะต้องจากจากคนที่รักจะต้องจากจากพ่อแม่เพื่อนฝูงไปในแบบที่ไม่มีโอกาสจะได้เจอกันอีกยิ่งถ้ามีของที่รักของที่ห่วงอยู่ด้วยติดก็จะยิ่งห่วงของจะได้ของพวกนั้นและความห่วงความกังวลอีกหลายเรื่องแน่นอนว่าคนที่เชื่อว่าตายแล้วสูญความเชื่อมั่นในบาปบุญก็จะไม่มีการจะนึกถึงกุศอนที่เคยได้ทาไว้ก่อนนั้น เพื่อเป็นหลักนําไปสู่พบภูมิที่ดีก็ย่อมไม่เกิดขึ้นดังนั้นการตายด้วยจิตเป็นทุกข์จึงค่อนข้างเกิดได้อย่างแน่นอนกับคนที่เชื่อว่าตายแล้วสูญให้สังเกตนะครับว่าแม้คนที่เชื่อในเรื่องพระเจ้าหรือเชื่อในเทพที่ไม่มีอยู่จริงแต่การระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจว่ากําลังระลึกถึงของสูงระลึกถึงสิ่งที่มีคุณธรรมมีความเมตตามีความรักอย่างยิ่ง จิตที่นึกถึงก่อนตายในแบบนี้ต่อให้เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่ก็จะทําให้จิตมีความสุขมีความหวังที่จะได้ไปอยู่ร่วมกับสิ่งที่เขาบูชาเกิดความปีติเกิดความสุขใจขึ้นชั่วขณะได้ซึ่งแน่นอนว่าจิต ท, ที่เป็นทุกข์ก่อนตายยอมพาไปสู่อบายทุขติจิต ท, ที่เป็นสุขก่อนตายยอมพาไปสู่สุ ข, ขติหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ทาจิตก่อนตายให้เป็นสุขก็ได้ไปสุขติทุกคน ซึ่งความจริงจิตจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก่อนตายได้นั้นไม่ได้ทำกันง่ายๆครับยังมีผลบุญผลบาปที่หากทำไว้อย่างเข้มข้นจะมาปรกากฏชัดก่อนตายในแบบที่เลี่ยงไม่ได้ให้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทั้งชีวิตไม่เคยทำความดีไม่เคยฝึกจิตให้ผ่องใสไม่เคยมีศรัทธาอะไรอย่างบริสุทธิ์ใจเมื่อถึงภาวะก่อนตายกันจริงจะทาใจให้สงบเป็นสุขได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ก็ขอฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับคำถามคำตอบเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณวิญญาณคืออะไรข้าพเจ้าได้เขียนมาแล้วเป็นเวลาหลายปีได้มีสมาชิกบางคนกล่าวว่าข้าพเจ้าเขียนเรื่องวิญญาณวกวนกล่าวซ้ำซากซึ่งความเป็นจริง ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนวกวนหรือซ้ำซากแต่การที่ข้าพเจ้าต้องกล่าวข้อความบางตอนซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นก็เพื่อเป็นการเปลี่ยนความทรงจำเพราะข้อความที่กล่าวซ้ำนั้นเป็นข้อความที่เป็นหลักสำคัญที่จะต้องจำไว้ให้แม่นและจะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและอีกประการหนึ่งในเมื่อข้าพเจ้าต้องการจะขยายความในบางแง่ที่คลุมเคลืออยู่ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องอ้างถึงหลัก ที่จะนำมาขยายความคนที่อ่านเรื่องนี้ไม่ละเอียดความจำไม่ดีความเข้าใจไม่ประณีตเห็นแต่ข้อความที่ซ้ำๆกันส่วนความหมายที่แตกต่างจากที่เคยกล่าวมาแล้วกำหนดใจความไม่ได้ฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเข้าใจว่ า, าพระพเจ้าเขียนวก ว, วนซ้ำไปซ้ำมาอย่างไรก็ดีการศึกษาเรื่องวิญ ญ, ญาณซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมมองไม่เห็นตัว จับต้องไม่ได้เหมือนวัตถุนั้นวิธีพูดและวิธีเขียนจําเป็นจะต้องใช้วิธีกล่าวซ้ําบ่อยๆคนที่อ่านหนังสือพระไตรปิฎกจะเห็นตัวอย่างทานองนี้อย่างชัดเจนและเป็นความจริงอย่างยิ่งที่ว่าความหมายของสิ่งที่เป็นนามธรรมานั้นถ้าไม่กล่าวย้ําบ่อยๆแล้วไม่มีทางที่จะเข้าถึงความจริงในเรื่องนี้ได้เลยคนที่เข้าไม่ถึงความหมายแม้แต่เพียงส่วนเล็กน้อยจะรู้สึกรำคาญในไม่เห็นข้อความซ้ําๆในคำภีร์ ส่วนคนที่เข้าถึงความหมายจะรู้สึกตรงกันข้ามยิ่งเห็นบ่อยๆหรือนึกทบทวนบ่อยๆจะยิ่งทราบซึ้งขึ้นโดยลําดับซึ่งจะทําให้จิตใจแจ่มใสและเบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่อ่านหนังสือเรื่องวิญญาณเพียงครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกเบื่อถ้ายิ่งเห็นข้อความที่ซ้ำซากก็ยิ่งรู้สึกรำคาญก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าท่านผู้นั้นยังเข้าไม่ถึง ส่วนคนที่เข้าถึงจะไม่รู้สึกเบื่อเลยอันหนึ่งสำหรับในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่สี่ของการออกหนังสือวิญญาณข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้ว่าจะได้พยายามรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดนำมาตอบไว้เป็นข้อๆเพื่อสะดวกแก่ผู้ที่จะศึกษาค้นคว้าหาคำตอบได้ในระยะเวลาสั้นๆและทั้งจะทาให้ความเข้าใจที่เคยมีอยู่แล้วแต่ยังมืดมัวอยู่นั้นได้ปรากฏแจ่มชัดยิ่งขึ้น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 และมโนวิญญาณซึ่งเมื่อพูดอย่างง่ายๆตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นคือจักสุวิญญาณหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดอันหนึ่งที่พูดว่าตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นเป็นต้นนั้นก็เพราะความเป็นจริงลำพังตาอย่างเดียว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 แต่ก็ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศอย่างนี้เป็นต้นปัญหาข้อที่สองจิตกับวิญญาณมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคําตอบจิตกับวิญญาณมีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้ ในคำพีพระไตรปิฎกและในคำพีของพระพุทธศาสนาทั้งหมดคำดังต่อไปนี้มีความหมายเหมือนกันเป็นไวยพจน์ของกันและกันคือใช้แทนกันได้กล่าวคือจิตมโนมานัตหทัทไยปันระมนายตนะมณีสีวิญญาณวิญญาณขันในบรรดาคำเหล่านี้ คำที่เราคุ้นเคยและเห็นอยู่เสมอก็คือจิตวิญญาณมโนมานัสส่วนคำที่เหลือจากนี้คนที่ไม่เคยชินกับทางพุทธศาสนาจะไม่ค่อยได้พบเช่นคำว่าปัญระซึ่งตามศัพท์แท้ๆแปลว่าขาวหรือผุดพองคำนี้ก็หมายถึงวิญญาณซึ่งวิญญาณ น, นั้นจะผุดพองหรือไม่ผุดพองก็เรียกว่าปัญระได้เหมือนกัน โดยเล็งไปถึงความหมายอันสุดท้ายที่ว่าวิญญาณของสัตว์ทั้งปวงโดยเนื้อแท้ย่อมเหมือนกันคือเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับน้ำไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนตัวน้ำแท้แท้ย่อมเหมือนกันคือสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีใดๆและคาว่าวิญญาณขันในที่นี้ก็หมายถึงจิตหรือวิญญาณทั่วไปนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นกล่าวถึงวิญญาณในส่วนไหนเช่นวิญญาณที่กำลังจุติหรือปฏิสนธิหรือวิญญาณที่กำลังสร้างนามรูปในขณะที่กำลังอยู่ในท้องแม่ก็เรียกว่าวิญญาณนัคขัได้เหมือนกันการทำความเข้าใจในความหมายของคำเหล่านี้ให้ถูกต้องตามที่ใช้อยู่ในคำพีของพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งสาคัญมากอันหนึ่งคาบาลีทั้งหมดที่กล่าวมานี้ แปลเป็นภาษาไทยได้คำเดียวคือคำว่าใจและจงสังเกตคำว่าอัทไทซึ่งมาจากบาลีว่าอัยะในความหมายของภาษาบาลีก็เหมือนกับภาษาไทยและภาษาอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นคือมีความหมายได้สองอย่างคือหมายถึงหัวใจซึ่งเป็นอ ว, วัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้และหมายถึงจิตใจ ซึ่งเป็นนามธรรมก็ได้ปัญหาข้อที่สามเหตุรายคนส่วนมากจึงมักเข้าใจว่าวิญญาณหมายถึงผีหรือหมายถึงคนที่ตายไปแล้วซึ่งมาปรากฏร่างให้เห็นหรือมาเข้าสิงคนนั้นคนนี้คนส่วนมากเมื่อนึกถึงวิญญาณทีไรก็มักเข้าใจว่า วิญญาณมีรูปร่างเป็นคนหรือเป็นสัตว์ต่างๆความเข้าใจอันนี้ทําให้เกิดผลเสียหายอย่างไรบ้างหรือไม่คำตอบการที่คนส่วนมากเข้าใจกันเช่นนี้นั้นสาเหตุสำคัญเป็นเพราะไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างถูกต้องมาก่อนและอีกประการหนึ่งถ้าหากเราจะพูดถึงวิญญาณโดยไม่มีสมมุติให้มีรูปร่างขึ้นมา คนทั่วไปก็ไม่อาจที่จะเข้าใจได้ตัวอย่างเช่นในบทละครหรือในภาพยนต์ในหนังสือวรรณคดีหรือหนังสือนิทานต่างๆซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้คนทั่วไปเข้าใจกันง่ายๆจึงได้แสดงภาพออกมาในรูปต่างๆเช่นทำเป็นดวงไฟกลมๆลอยไปลอยมาหรือทำเป็นควันเป็นเมฆหมอกเป็นแสงสว่างและบางทีก็ทาเป็นภาพคนหรือภาพสัตว์ออกมาเลย เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดในเรื่องวิญญาณ น, นั้นเป็นเพราะคนทั่วไปสมัยก่อนมีความเชื่ออยู่แล้วว่าคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณจะต้องจากร่างไปเกิดใหม่และเนื่องจากในบางครั้งคนที่ตายไปแล้วหรือสัตว์ที่ตายไปมาปรากฏร่างเดิมให้เห็นซึ่งเราจําได้ว่าเป็นภาพของคนไหนหรือสัตว์อะไรที่ได้ตายไปแล้วแล้วก็รู้อยู่ว่า ร่างกายของคนหรือสัตว์ที่เรารู้จักนั้นได้ถูกฝังหรือถูกเผาไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแต่วิญญาณเท่านั้นฉะนั้นจึงได้พูดและเข้าใจกันว่าสิ่งที่มาปรากฏให้เห็นก็คือวิญญาณของคนคนนั้นหรือสัตว์ตัวนั้นนั่นเองทั้งนี้ก็เพราะคนทั่วไปไม่ทราบว่าวิญญาณสามารถที่จะสร้างกายเนื้อหรือกายทิพย์ขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่ใช่ตัววิญญาณ เพราะตัววิญญาณทแท้ๆนั้นเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทุรังขมังเอกจรังอส ร, รีรังคูหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมขันติมาราพันธนาจิตนี้เป็นธรรมชาติไปสู่ที่ไกลได้ไปแต่ผู้เดียวคือหมายถึงเกิดที่ละขณะหรือทีละดวงไม่มีสรีระ อาศัยอยู่ในคู่หาคือร่างกายคนเหล่าใดสำรวมจิตได้คนเหล่านั้นย่อมพ้นจากบ่วงของมานคำว่าจิตหรือวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกันให้สังเกตคำว่าอาศารีรังซึ่งแปลว่าไม่มีสรีระคือไม่มีรูปร่างหรือไม่ใช่สรีระซึ่งหมายความว่า จิตหรือวิญญาณกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันผู้ที่เข้าใจว่าวิญญาณมีรูปร่างซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนั้นตราบได้ที่ยังไม่ถอนความเข้าใจผิดอันนี้ออก mm. ก็จะทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณไม่รู้จักสิ้นสุดและทำให้เป็นสัตสตทิทิฏได้ง่าย ส, ะสะตาัตตตถิทิเป็นมิจฉาทิฏิประเภทหนึ่ง คือการเห็นว่ามีตัวตนเป็นอัตตาเที่ยงแท้ถาวรและตราบใดที่ยังละศัสนาทิฏฐิไม่ได้ก็จะบรรลุมรรคผลและนิพพานไม่ได้หรือพูดอีกนวยาหนึ่งจะเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดไม่ได้ปัญหาข้อที่สี่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 เราเนื้คิดก็คือวิญญาณเนื้คิดเราโกรธเราเกลียดเรารักเราชอบเรารู้เราเข้าใจเราจำได้เราสุขเราทุกข์เรารู้สึกหนาวเรารู้สึกร้อนเราในที่นี้ก็คือวิญญาณนั่นเองปัญหาข้อที่ห้าวิญญาณมีกี่ประเภท คืออะไรบ้างคําตอบวิญญาณแบ่งได้หลายประเภทซึ่งสุดแล้วแต่จะอธิบายในแง่ไหนหรือในเรื่องอะไรแต่จะอย่างไรก็ตามสำหรับในขั้นต้นนี้จะต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนว่าโดยหลักทั่วไปแล้ววิญญาณมีอยู่สองประเภทคือวิถีวิญญาณกับพวังขาววิญญาณหรือจะเรียกว่าวิถีจิต กับพวังคจิตก็ได้เพราะคาว่าจิตและวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกันวิถีวิญญาณแปลว่าจิตสำนึกซึ่งหมายความว่าจิตส่วนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวว่าขณะนี้กาลังมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรวิถีวิญญาณตามสั์แปลว่าจิตที่เกิดในวิถี วิถีแปละว่าทางวิถีแบ่งออกเป็นหกอย่างคือจักรสุวิถีโสตวิถีคานวิถีชิวหาวิถีกายาวิถีและมนโนวิถีและในบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คำว่าทวารซึ่งแปลว่าประตูหรือช่องทางเข้าทางออกแทนคำว่าวิถีคือใช้คำว่า จักรสุทวานโสตทวารคานทวานจิวหาทวานกายทวานและมโนทวานจักรสุวิญญาณแปลว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาหรือเกิดขึ้นโดยอาศัยตาก็คือการเห็นโสตวิญญาณแปลว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นทางหูหรือเกิดขึ้นโดยอาศัยหู ก็คือการได้ยินขานวิญญาณแปลว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นทางจมูกหรือเกิดขึ้นโดยอาศัยจมูกก็คือการรู้สึกกลิ่นจิวหาวิญญาณแปลว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นทางลิ้นหรือเกิดขึ้นโดยอาศัยลิ้ น, นก็คือการรู้สึกรสกายวิญญาณแปลว่า วิญญาณที่เกิดขึ้นทางกายหรือเกิดขึ้นโดยอาศัยกายประสาทหรืออวัยวะต่างๆก็คือการรู้สึกสัมผัสต่างๆเช่นรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวเป็นต้นมโนโวิญญาณแปลว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นทางใจหรือเกิดขึ้นในใจคือเกิดขึ้นโดยอาศัยมโนสัมผัสก็คือความรู้สึกนึกคิดต่างๆ มาเหตุผู้อ่านขอย้ำสําหรับผู้มาใหม่อีกครั้งนะครับจากสูขคือตาโสตะคือหูคานะคือจมูกจิวหาคือลิ้นกายะคือกายและมโนโคือใจจงจําไว้ว่าเฉพาะตัววิญญาณอย่างเดียวนั้นหมายถึงความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมหรือความรู้สึกรับรู้อารมณ์เท่านั้น หาเหตุผู้อ่านอารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกอย่างในภาษาไทยนะครับแต่อารมณ์ในความหมายของทางธรรมะก็คืออารมณ์6ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทัพทพะและธรรมอารมณ์รูปคือรูปอารมณ์อารมณ์คือรูปเป็นต้นจงจําไว้ว่าเฉพาะตัววิญญาณอย่างเดียวนั้นหมายถึงความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม หรือความรู้สึกรับรู้อารมณ์เท่านั้นซึ่งความรู้สึกที่ว่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางไหนมันก็มีลักษณะเหมือนกันคือรู้สึกต่ออารมณ์ที่มาสัมผัสซึ่งรู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเข้าใจรู้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณมาถึงรู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นส่วนจะมีความเข้าใจด้วยหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งความเข้าใจเป็นเจตสิก ซึ่งเรียกว่าปัญญาปัญญาไม่ใช่ลักษณะโดยทั่วไปของวิญญาณทุกประเภทแต่รู้สักแต่ว่ารู้นั้นเป็นลักษณะโดยทั่วไปของวิญญาณทุกประเภทรู้สักแต่ว่ารู้นี้อาจจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าความรู้สึกซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่มีความหมายความรู้สึกชนิดนี้จะสังเกตเห็นได้ว่า มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกประเภทแม้จะเป็นสัตว์เซลล์เดียวก็มีในพืชก็มีความรู้สึกอันนี้แหละที่เรียกว่าวิญญาณในความหมายของพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า consciousness และ subconscious ความรู้สึกที่เรียกว่าวิญญาณนั้นจะมีปรากฏการแตกต่างกันออกไปตามอายตนะอายตนะแปลว่า ที่เกิดหรือที่ติดต่อซึ่งแบ่งออกเป็นหกอย่างคือจัตควายตนะอายตนะคือตาโสตายตนะอายตนะคือหูคานายตนะอายตนะคือจมูกจิวหายตนะอายตนะคือลิ้นกายายตนะอายตนะคือกายมานายตนะอายตนะคือใจ จงสังเกตว่าเมื่อวิญ ญ, ญาณเกิดขึ้นทางตาก็ปรากฏเป็นการเห็นเมื่อเกิดขึ้นทางหูก็ปรากฏเป็นการ ไ, ได้ยินเมื่อเกิดขึ้นทางจมูกก็ป ร, กรากฏเป็นการรู้สึกกลิ่นเมื่อเกิดขึ้นทางลิ้นก็ป ร, กรากฏเป็นการรู้สึกรสเมื่อเกิดขึ้นทางกายก็ป ร, ป ร, กรากฏเป็นการรู้สึกสัมผัสต่างๆเมื่อปรากฏขึ้นทางใจก็เป็นความรู้สึกเนื้อคิดต่างๆ วิญญาณซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันแต่เมื่อเกิดขึ้นทางทวารหรือทางอยายตนะต่างกันความรู้สึกของวิญญาณก็แปล ร, รูปไปต่างกันเหมือนกับแสงไฟฟ้าตลอดมีสีต่างกันแสงที่ปรากฏออกมาภายนอกก็จะมีสีต่างกันเช่นตลอดเป็นสีแดงแสงที่ปรากฏออกมาก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้เป็นต้นส่วนแสงภายในนั้นเหมือนกัน ผวางขวาวิญญาณแปลว่าจิตไร้สำนึกจิตส่วนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกตัวเช่นในเวลานอนหลับสนิทและไม่ฝันหรือในขณะที่กำลังอยู่ในท้องแม่ในขณะนี้วิญญาณก็ยังคงมีอยู่ในร่างกายวิญญาณไม่ได้ไปไหนเพราะถ้าหากในร่างกายไม่มีวิญญาณร่างกายก็จะต้องตายทันทีในขณะที่เรานอนหลับหรืออยู่ในท้องแม่นั้น เราไม่รู้สึกตัวว่าเราเป็นอยู่อย่างไรทำอะไรนึกคิดอะไรแต่ถึงกระนั้นในขณะนี้ในวิญญาณก็มีความรู้สึกนึกคิดมีความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวเช่นคนที่นอนหลับสนิทเมื่อเอาเข็มไปแทงเบาๆโดยไม่ให้ตื่นร่างกายจะมีปฏิกิริยาแต่คนนั้นจะไม่รู้สึกตัวว่าถูกเข็มแทง เด็กที่อยู่ในท้องแม่บางครั้งจะดิน้นแต่เด็กก็ไม่รู้สึกตัวความรู้สึกซึ่งมีอยู่ในขณะนั้นก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากภาวังคาวิญญาณภาวังคาวิญญาณตามสั์แปล ว, ว่าวิญญาณที่เป็นรากฐานของชีวิตอยกสั์ออกได้ดังนี้ภวะบวกอังคะบวกวิญญาณะ ภาวะแปลว่าพบพบในที่นี้หมายถึงนามรูปคือหมายถึงตัวเราทั้งหมดอังคาแปลว่าองค์คําว่าองค์ในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบที่สำคัญหรือรากฐานที่สำคัญพระวังขวิญญาณเปรียบได้กับมเมล็ดผลไม้ต้นไม้ย่อมเกิดมาจากมเมล็ดของมัน มันจะเกิดมาเป็นต้นอะไรปัจจจยสำคัญอยู่ที่เมล็ดชันใดตัวเราคือนามรูปนามรูปก็คือสภาพของร่างกายและจิตใจทั้งหมดซึ่งก็เหมือนกันคือจะเกิดมาอย่างไรก็สุดแต่สภาพของผวังข้าวิญญาณเพราะ น, นามรูปย่อมเกิดขึ้นมาจากภวังข้าวิญญาณปัญหาข้อที่หก ต้นไม้มีวิญญาณหรือไม่และมีความจำเป็นหรือมีประโยชน์อย่างไรที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าต้นไม้มีวิญญาณหรือไม่คำตอบพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมยามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย วิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณการศึกษาอะไรถ้าศึกษาจากสิ่งที่เป็นมูลฐานขึ้นมาก่อนย่อมจะทําให้เข้าใจง่ายเหมือนกับการเรียนหนังสือจะต้องศึกษา เ, าเรื่องสระและพยัญชนะให้เข้าใจเสียก่อนถ้ายังจาสระพยัญชนะวิธีผสมตัวไม่ได้การศึกษานิคันสูงขึ้นไปย่อมทําไม่ได้ ในคัมภีวิสุทธิมาร์ปัญญานิเทศพระพุทธโคสาจารย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาเรื่องนามธรรมจะต้องศึกษาเรื่องวิญญาณให้เข้าใจดีซะก่อนเรื่องอย่างอื่นจึงจะเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจําเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องวิญญาณตั้งแต่ขั้นต่ําขึ้นไปก่อนต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิต มีกรร ม, มวิธีแห่งการเกิดเหมือนคนและสัตว์เจริญมาจากรากฐานภายในเติบโตมาจากอาหารที่กินเข้าไปมีการเกิดแก่เจ็บตายมีการสืบพันธ์มีตัวผู้ตัวเมียและทุกอย่างในต้นไม้ก็เกิดมามีความหมายคืออธิบายได้ว่าแต่ละส่วนของต้นไม้นั้นเกิดมาเพื่ออะไรหรือที่เรียกว่ามีเจตนาสิ่งเหล่านี้ก็คือข้อสังเกตที่ทาให้รู้ว่าต้นไม้มีวิญญาณ แต่ข้อสังเกตเพียงเท่านี้บางคนอาจจะยังมองไม่เห็นว่าต้นไม้มีวิญญาณทั้งนี้ก็เพราะเคยเข้าใจมาจนเคยชินว่าที่ถือว่าคนและสัตว์มีวิญญาณก็เพราะสังเกตได้ว่าคนและสัตว์มีการเคลื่อนไหวมีความเจ็บปวดมีความนึกคิดมีการเห็นการได้ยินมีความรู้สึกทางกายสัมผัสเหล่านี้เป็นต้นแต่พืชหรือต้นไม้โดยทั่วไปไม่มีลักษณะดังที่กล่าวมา น, นี้ ฉะนั้นจึงได้เข้าใจว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วต้นไม้หรือพืชทุกชนิดรวมทั้งเชื้อโรคหรือพืชชั้นต่ำที่สุดที่ตาเรามองไม่เห็นก็มีวิญญาณทั้งสิน้นการที่จะรู้ว่าพืชทุกอย่างมีวิญญาณนั้นมีวิธีศึกษาให้เข้าใจดังต่อไปนี้คือเด็กล่ามาแล้วว่าวิญญาณนีสองอย่างคือวิถีวิญญาณ หรือจิตสำนึกกับผวังขวิญญาณหรือจิตไ ร, ร้สำนึกลักษณะเฉพาะของวิญญาณก็คือความรู้สึกที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่มีความหมายซึ่งความหมายที่ว่านี้เกิดมาจากเจตนาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีอยู่เสมอของวิญญาณตามหลักอภิธรรมได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าเจตนา เป็นสัพพาสาธารณาเจตสิกคือเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตทุกขณะมีอยู่ในจิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจิตสานึกหรือจิตไร้สานึกจะต้องมีเจตนาซึ่งแปลว่าความตั้งใจหรือความมุ่งหมายเป็นส่วนประกอบของจิตอยู่เสมอเพราะเหตุที่จิตหรือวิญญาณมีเจตนาอยู่ในตัวของมันอยู่ตลอดเวลาจึงได้ก่อให้เกิดปฏิกริยา หรือพฤติกรรมที่มีความหมายชีวิตของคนที่เกิดใหม่ๆเป็นเพียงจุดเล็กๆมองดูด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นบาลีเรียกว่าการละชีวิตในตอนนี้ก็ถือกันโดยทั่วไปว่ามีวิญญาณแล้วแต่การแสดงออกของวิญญาณในขณะ น, นี้ก็เป็นไปนโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับชีวิตของพืช เรารู้ว่ากาลละมีวิญญาณก็เพราะกาลละเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีการเจริญเ ต, ติบโตมีพฤติกรรมที่มีความหมายถ้าสมมติว่ากาลละจะต้องตายในระยะนี้ชีวิตของคนในตอนนี้ซึ่งถือว่ามีวิญญาณแล้วนั้นก็คงไม่ผิดอะไรกับพืชหรือสัตว์ชั้นต่ำตายนั่นเองพืชทุกชนิดที่ถือว่ามีวิญญาณนั้นขอให้เข้าใจว่า เป็นวิญญาณชั้นต่ำพูดง่ายๆว่าเป็นวิญญาณของพืชไม่ใช่วิญญาณของสัตว์ไม่ใช่วิญญาณของคนสภาพวิญญาณของพืชมีคุณสมบัติด้ยอยกว่าวิญญาณของสัตว์และของคนมากทางพระพุทธศาสนาถือว่าการที่สัตว์เกิดมาไม่เหมือนกันคนเกิดมาไม่เหมือนกันก็เพราะสภาพของวิญญาณไม่เหมือนกัน อย่าลืมหลักที่ว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงทุกอย่างสำเร็จมาแต่วิญญาณอันที่จริงเรื่องต้นไม้มีวิญญาณจะเข้าใจอย่างจมแจ้งได้จริงๆก็ต่อเมื่อได้ศึกษาเรื่องวิญญาณสร้างชีวิตให้เข้าใจอย่างจมแจ้งประกอบด้วยเพราะฉะนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ไปอ่านในหัวข้อเรื่องวิญญาณสร้างชีวิต การศึกษาให้เข้าใจว่าต้นไม้มีวิญญาณเป็นสิ่งจําเป็นมากและมีประโยชน์มากเพราะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณซึ่งแต่หากยังไม่เข้าใจว่าต้นไม้มีวิญญาณแล้วการที่จะศึกษาเรื่องวิญญาณในสัตว์และในคนให้เข้าใจแจ่มแจ้งนั้นเป็นไปไม่ได้เหมือนกับในทางชีววิทยานักศึกษาจะต้องศึกษาถึงเรื่องสัตว์เซลล์เดียวให้เข้าใจก่อนและจึงค่อยศึกษาสัตว์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นมาโดยลําดับ แล้วในที่สุดจึงจะศึกษา เ, าเรื่องร่างกายของมนุษย์ให้เข้าใจได้อย่างจำแจ้งอันหนึ่งวิญญาณในพืชเป็นวิญญาณที่ไม่ซับซ้อนศึกษาเข้าใจได้ง่ายมากเมื่อเรารู้แจ้งแล้วว่าความรู้สึกซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาและพฤติกรรมที่มีความหมายซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ามีอยู่ในพืชทุกชนิดอันนี้ละ่ะคือตัววิญญาณ ที่เรียกกันในทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วก็จะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นว่าธรรมชาติผู้สร้างชีวิตดังที่เราพูดกันว่าคนเราเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติสุดล้าแต่ธรรมชาติจะสร้างนั้นธรรมชาติที่ว่านี้ก็คือวิญญาณนี้เองและเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติผู้สร้างชีวิตนี้คืออะไรแล้วการศึกษาเรื่องชีวิตต่าง ก็จะทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นโดยลำดับและสามารถที่จะปรับปรุงชีวิตของเราให้เป็นไปตามความต้องการได้ทุกอย่างจะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความแก่ความเจ็บและความตายก็สามารถเอาชนะได้ในเมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมขั้นสูงเราจะเป็นตัวของตัวเองอย่างเด็ดขาดมีอิสระในตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งประโยชน์ทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้และประโยชน์อื่นๆ อ, อ, อีกมากมาย ก็จะสำเร็จได้ตามความต้องการถ้าหากเราเข้าใจตั้งแต่แรกว่าพืชทุกชนิดก็มีวิญญาณและวิญญาณในพืช น, นี้เองเป็นผู้สร้างชีวิตพืชขึ้นมาแต่ถ้าหากคนไหนความเข้าใจเรื่องนี้ยังไม่มีคนนั้นก็จะไปหลงอยู่ในคำว่าธรรมชาติตกเป็นทาสของธรรมชาติเอาชนะธรรมชาติไม่ได้และชีวิตของเขาก็จะเป็นเหมือนหนึ่งสวะ สึ่นสุดแล้วแต่กระแสน้ำจะพัดพาไปปัญหาข้อที่เจถ้าถือว่าต้นไม้มีวิญญาณทำไมต้นไม้จึงไม่รู้สึกเจ็บในเมื่อถูกฟันหรือถูกโคนและการที่บางคนกล่าวว่า ต้นไม้ใหญ่ๆ ใ, ในเมื่อถูกโคนมักจะได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงอย่างอื่นที่แสดงถึงความโกรธหรือความเสียใจอย่างสุดซึ้งซึ่งถือว่าเป็นเสียงของนางไม้หรือเทวดาที่เสียงสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้นและมักจะถืออีกว่าถ้าโคนต้นไม้ใหญ่ๆที่มีอายุเก่าแก่ถ้าไม่ขออนุญาตหรือทําพิธีเส้นสวงบูชาก่อนผู้ที่ไปโคนอาจจะได้รับอันตรายถึงกับเสียชีวิต ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลที่มาจากนางไม้หรือเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้นั้นเป็นผู้กระทําคำว่าต้นไม้มีวิญญาณจะหมายความว่ามีโอปปปาติกะสิงสถิตยอยู่ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าวิญญาณเช่นนี้หรือยอย่างไรคำตอบที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าต้นไม้มีวิญญาณนั้นวิญญาณในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงผีสางนางไม้หรือเทวดาต่างๆทํานองนั้นแต่หากหมายถึงวิญญาณคือความรู้สึกชนิดที่ไร้สำนึกซึ่งมีอยู่ในพืชทุกชนิดในสัตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งเนเชื้อโรคต่างๆก็มีวิญญาณอย่าลืมว่าคำว่าวิญญาณหมายถึงความรู้สึกที่เป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาที่มีความหมายซึ่งจะเห็นได้จากสิ่งที่มีชีวิตทุกประเภท การที่ต้นไม้ไม่รู้สึกเจ็บในเมื่อถูกฟันหรือถูกโคนนั้นเป็นเพราะต้นไม้ไม่มีประสาทเช่นเดียวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเราถ้าส่วนไหนไม่มีประสาทเช่นผมละเล็กเป็นต้นเวลาตัดจะไม่รู้สึกเจ็บถึงแม้อวัยวะส่วนที่มีประสาทมาเลี้ยงถ้าทำให้ประสาทชาดื่อริของยาจะผ่าตัดอย่างไรก็ไม่รู้สึกเจ็บบางคนชอบอ้างว่า ถ้าต้นไม้มีวิญญาณต้นไม้ก็ควรจะรู้สึกเจ็บด้วยและควรจะมีความรู้สึกดีใจเสียใจมีความกลัวความอยากได้อะไรต่างๆทำนองนี้แต่เพราะเหตุที่สังเกตได้ว่าต้นไม้ไม่มีความรู้สึกเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะถือว่าต้นไม้มีวิญญาณขอให้เรานึกถึงชีวิตของคนเราตอนที่เป็นเพียงจุดเล็กๆหรือถึงแม้จะโตขึ้นมาแล้วแต่ยังมีอวัยวะไม่ครบถ้วน หรือยังไม่ได้คลอดออกมาจากท้องแม่เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าชีวิตในตอนนี้ยังไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกอึดอัดไม่มีความรู้สึกดีใจเสียใจชีวิตในตอนนี้ก็คล้ายๆกับต้นไม้แต่ทำไมเราจึงถือว่าชีวิตในตอนนี้มีวิญญาณเรามีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ว่าชีวิตในตอนนี้มีวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าหากเราถือว่าชีวิตตอนนี้มีวิญญาณได้ ทำไมในต้นไม้จะถือว่ามีวิญญาณไม่ได้ในเมื่อชีวิตของเด็กในตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดไม่มีความรู้สึกดีใจเสียใจเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเข้าใจว่าการที่คนเราจะมีความรู้สึกอะไรแสดงออกมามันต้องเกี่ยวกับสมองและประาสาทส่วนอื่นๆคนที่นอนหลับคนที่ถูกตีสลบหรือถูกวางยาสลบก็จะไม่มีความรู้สึกดังที่กล่าวมาเหมือนกัน ในทางนองเดียวกับคนที่ตาบอดก็จะไม่มีการเห็นคนที่หูหนวกก็จะไม่ได้ยินเพราะเครื่องมือที่จะทำให้วิญญาณแสดงตัวออกมานั้นใช้การไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต้นไม้จึงไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดดีใจหรือเสียใจไม่มีความนึกคิดทั้งนี้ก็เพราะเครื่องมือที่จะทำให้แสดงออกมาไม่มีแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากเรายอมรับว่า วิญญาณที่มาปฏิสนธิใหม่ๆในท้องแม่วิญญาณในตอนนี้ก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารคือมีทั้งความรู้สึกสุขทุกข์มีความจําได้หมายรู้มีทั้งความดีและความชั่วฟังอยู่ในสันดานแต่ไม่ได้แสดงออกมาเพราะร่างกายยังไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่พอที่จะให้วิญญาณได้ปรากฏโตออกมาเช่นนี้แล้วเราก็อาจจะถือได้อย่างเดียวกันว่าวิญญาณในต้นไม้ก็มีเวทนามีสัญญามีสังขาร จชนมีตันหาอุปาทานอย่างนี้เป็นต้นแต่ความรู้สึกทั้งหมดที่ว่านี้เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวหรือยังไม่ได้พัฒนาออกมาอันหนึง่งการที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าวิญญาณในต้นไม้มีเวทนาสัญญาสังขารเช่นมีตันหาอุปาทานเป็นต้นนั้นถ้าหากเราจะพิจารณากันอย่างละเอียดและพิจารณาถึงหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า นามเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณท่านนามไม่มีวิญญาณก็ไม่มีนามในที่นี้ก็คือเวทนาสัญญาและสังขารก็จะทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าวิญญาณในต้นไม้จะต้องมีเวทนาสัญญาและสังขารแน่นอนแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่จะสามารถอย่างรู้ไปถึงสภาพของวิญญาณในต้นไม้ได้ถึงขนาดนี้ จะต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งจะใช้เหตุผลธรรมดาหรือใช้สามัญสำนึกไม่อาจจะเข้าใจได้เพราะเหตุนี้คนทั่วไปจึงไม่ยอมรับว่าต้นไม้มีวิญญาณอันหนึ่งเรื่องผีสางนางไม้หรือโอปปาติกะที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้นั้นถึงแม้ความจริงจะมีอยู่ในบางกรณีตามที่เล่าสือตอบต่อกันมา ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณที่ข้าพเจ้าพูดถึงในที่นี้เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าที่ข้าพเจ้าพูดว่าต้นไม้มีวิญญาณนั้นข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่เป็นคนละประเด็นกับที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องวิญญาณในที่นี้ปัญหาข้อที่8 ถ้าถือว่าต้นไม้มีวิญญาณมีกิเลสเช่นมีตัณหาอุปาทานเป็นต้นก็ต้องหมายความว่าต้นไม้ก็มีการทำบุญทำบาปทำกรรมต่างๆซึ่งฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคำตอบถ้าจะพูดว่าต้นไม้ได้ทำกรรมหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรต้นไม้ที่ทำกรรมอยู่เสมอแน่นอน เพราว่ากรรมซึ่งแปลว่าการกระทํานั้นในความหมายที่ลึกซึ้งก็คือพฤติกรรมที่มีความหมายหรือพฤติกรรมที่มีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งต้นไม้มีพฤติกรรมต่างๆเช่นมีการกินอาหารทางรากมีการย่อยมีการเผาผลาญมีการสร้างสรรซึ่งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีความหมายคือมีเจตนาทั้งสิน้นพฤติกรรมต่างๆของต้นไม้ ก็คือการกระทาของต้นไม้เพราะพฤติกรรมทุกอย่างของต้นไม้นั้นจะต้องเกิดมาจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรายอมรับว่าต้นไม้ก็เกิดมาจากวิญญาณสร้างสรรค์เราสังเกตได้ว่าสิ่งใดถ้าเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นย่อมมีความหมายและโดยหลักธรรมดาวิญญาณจะสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นมาได้ในวิญญาณจะต้องมีวิบากและวิบาก จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการกระทาวิบากแห่งวิญญาณของต้นไม้ก็คือสมัติภาพต่างๆในการสร้างสรรค์ซึ่งวิบากที่ว่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการกระทาโดยในยะนี้ต้นไม้ได้ทำกรรมอยู่เสมอและวิบากที่เกิดจากกรรมอันนี้ก็คือสมัติภาพต่างๆที่มีอยู่ในวิญญาณ ท, ที่สร้างสรรค์ต้นไม้ขึ้นมานั่นเองและมันจำเป็นจะต้องทํากรรมอยู่เสมอเพื่อให้วิญญาณยังคงอยู่เพราะถ้ามันไม่ทํากรรมอยู่เสมอวิบากคือสมถภาพในการสร้างสรรค์ก็จะหมดไปอันหนึ่งควรจะจำไว้ก่อนว่าการสืบต่อของวิญญาณมีสองสายคือสายหนึ่งสืบต่อทางสายโลหิต หรือทางระบบชีวิตเช่นอหิวาตัวหนึ่งเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะแบ่งออกเป็นสองตัวจากสองก็จะแบ่งเป็นสี่อย่างนี้เป็นต้นอะิีวาแต่ละตัวที่เกิดใหม่นั้นมีวิ ญ, ญญาณทุกตัวและวิญญาณที่ว่านี้สืบต่อทางระบบชีวิตเกิดขึ้นโดยอาศัยชีวิตวิญญาณของพืชก็เช่นเดียวกัน สืบต่อโดยอาศัยระบบชีวิตที่มันขยายตัวไปโดยลำดับอีกสายหนึ่งสืบต่อโดวยวิธีจุติและปฏิสนธิเช่นอย่างคนหรือสัตว์ที่มีระบบประสาทเกิดขึ้นแล้ววิญญาณในส่วนสูงคือวิญญาณที่มาสร้างสมองหรือระบบประสาทต่างๆวิญญาณส่วนนี้สืบต่อโดวยวิธีจุติและปฏิสนธิได้ ส่วนการกระทำของต้นไม้เช่นการกินหรือดิ้นรนเพื่อเป็นอยู่นั้นจะถือว่าเป็นบาปหรือเป็นบุญในความหมายที่ใช้กับมนุษย์นั้นไม่ได้เพราะคำว่าบุญและบาปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เลยดูคำอธิบายในเรื่องนี้ในคำตอบข้อที่11 ปัญหาข้อที่9กาารกระทากรรมของต้นไม้กับของคนหรือของสัตว์ต่างกันอย่างไรและจะมีวิบากเกิดขึ้นเหมือนกันหรือไม่คำตอบก่อนที่จะตอบปัญหาข้อนี้จะต้องเข้าใจความหมายของคำว่ากรรมให้ถูกต้องเสียก่อนได้เคยอธิบายมาแล้วว่ากรรมหมายถึงพฤติกรรมที่มีความหมาย หรือพูดอีกในย่าหนึ่งกรรมก็คือการกระทาที่เกิดจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยในย่านี้ต้นไม้ย่อมทากรรมอยู่เสมอเพราะการกระทาหรือพฤติกรรมต่างๆของต้นไม้นับตั้งแต่การออกรากล้นแต่มีความหมายทั้งสิน้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าย่อมเกิดมาจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งและเมื่อพูดถึงเจตนาก็จะต้องเข้าใจไว้ด้วยว่า เจตนากับวิญญาณไม่เหมือนกันวิญญาณหมายถึงความรู้สึกฉันรู้สึกว่ามีอะไรมาถูกมาสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นส่วนเจตนาหมายถึงความตั้งใจหรือความมุ่งหมายความรู้สึกที่เรียกว่าวิญญาณกับเจตนาถึงแม้จะเป็นสภาวะคนละอย่างแต่สองอย่างนี้จะต้องเกิดพร้อมกันเสมอ เพราะเจตนาเป็นเจตสิก ค, คือเป็นคุณสมบัติของวิญญาณในอภิธรรมกล่าวว่าเจตนาเป็นสัพพะสาธารณเจตสิกแปลว่าเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตทุกขณะเช่นในช่วขณะที่เห็นหรือได้ยินหรือในช่วงขณะที่รู้สึกว่ามีอะไรมาถูกมาสัมผัสเจตนาจะต้องเกิดขึ้นด้วยเสมอ ด้วยเหตุนี้ความรู้สึกที่แสดงออกมาทุกขณะจึงมีความมุ่งหมายและอีกนัยยะหนึ่งวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเจตนาเช่นเสียงเข้าหูถ้าไม่ตั้งใจฟังการได้ยินก็ไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นอันหนึง่งขอให้พิจารณาถึงวิญญาณที่เกิดขึ้นในขณะที่ชีวิตของคนเรา ยังเป็นเพียงจุดเล็กๆซึ่งในขณะนี้ได้มีวิญญาณอยู่ในชีวิตนั้นแล้วและในวิญญาณอันนั้นก็ได้มีอวิชชาตัณหาอุปาทานกิเลสอื่นๆ อ, อ, อ, อีกหลายอย่างพร้อมทั้งมีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีเจตนาอย่างนี้เป็นต้นแต่วิญญาณที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวทั้งสิ้นและสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณากันอย่างละเอียดก็คือ แม้ชีวิตจะเล็กถึงปานนี้คือเล็กยิ่งกว่าปลายเข็มเพราะในระยะเจ็ดวันแรกที่เชื้อของผู้ชายกับไข่ของผู้หญิงได้ผสมกันและมีวิญญาณมาปฏิสนธิในนี้แล้วนั้นในระยะเจ็ดวันแรกหลังจากวิญญาณได้มาปฏิสนธิทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีวิญญาณและมีเจตสิกต่างๆดังที่กล่าวมาจงตั้งปัญหาถามตัวเองดูว่า ชีวิตในตอนนี้ได้มีการทำกรรมหรือไม่คนที่คิดอย่างผิวเผินก็จะตอบว่าไม่ได้ทำแต่ถ้าจะถามต่อไปอีกว่าก็ในเมื่อชีวิตจะเกิดแล ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้จะต้องอาศัยพฤติกรรมต่างๆและพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีความหมายทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือได้หรือไม่ว่า พฤติกรรมต่างๆที่มีอยู่ในขณะนั้นเช่นการกินหรือการดูดซึมการย่อยการเผาผลาญในระบบของเซลล์พฤติกรรมเหล่านี้ก็คือกรรมนั่นเองแต่เป็นกรรมที่เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวเป็นกรรมที่ทำซ้ำๆอยู่ในรูปเดิมแบบอัตโนมัติและกรรมนี้เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากวิบากที่มีอยู่ในวิญญาณนั่นเอง คนที่เข้าใจถึงเรื่องกรรมอย่างลึกซึ้งถึงขนาดนี้เท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นได้ชัดว่าต้นไม้ก็มีการทำกรรมเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าการทำกรรมของคนเราในระยะนี้แตกต่างจากการทำกรรมในตอนที่เราได้คลอดออกมาจากท้องแม่เพราะใ้เมื่อเราเคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วได้มีวิถีจิตคือจิตสำนึกเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นประสาทต่าง เริ่มได้รับอารมณ์ภายนอกเข้าไปการทำกรรมในตอนนี้จะไม่ซ้ำในรูปเดิมเหมือนในตอนที่อยู่ในท้องแม่ซึ่งเป็นการทำกรรมในภาวะของจิตไร้สำนึกต้นไม้ไม่มีสมองไม่มีระบบประสาทไม่มีตาหูจมูกลิ้นไม่มีจิตสำนึกชีวิตยังอยู่ในขั้นต่ามากเพราะฉะนั้นการทำกรรมของต้นไม้ จึงซ้ำๆอยู่ในรูปเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่ามันจะมีอายุยืนยาวไปกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามวิบากของมันมีอยู่อย่างไรก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมอย่างนั้นและในเมื่อพฤติกรรมมีอยู่อย่างไรมันก็ก่อให้เกิดวิบากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของมันจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมอยู่ในกฎของ อ, อนิจจังเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาล่วงไปนานๆซึ่งไม่ทราบว่ากี่หมื่นกี่แสนหรือกี่ล้านปีต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมได้เหมือนกันเดยออาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญปัญหาข้อที่สิบ ที่กล่าวว่าต้นไม้ก็มีกิเลสเช่นมีอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นต้นนั้นมีข้อพิสูจน์อย่างไรคำตอบขอให้สังเกตดูว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์จะต้องมีการดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่มันจะพยายามทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของมันอยู่ได้ ถ้าหากเราสังเกตดูความเป็นไปของต้นไม้ในลนนักษณะนี้เราก็จะยังรู้ได้โดยไม่ยากว่าในวิญญาณของต้นไม้จะต้องมีอวิชาตันหาและอุปาทานแน่นอนเพราะคำว่าตันหาในความหมายที่ลึกซึ้งก็คือความอยากมีชีวิตการดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่ของต้นไม้เช่นรู้จักแย่งอาหารกันกินถ้าต้นไม้เกิดขึ้นกันอย่างเบียดเสียดมันก็จะพยายามแข่ง เพื่อที่จะให้ตัวมันเองสูงเพื่อรับแสงแดดไม่ให้ต้นอื่นบงังเพราะแสงแดดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมันอย่างนี้เป็นต้นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่ามันมีตัณหาและอุปาทานคือความยึดมั่นในตัวตนของมันส่วนอวิชชานั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงก็ได้เพราะฤติกรรมต่างๆที่มันแสดงออกมานั้นชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่า มันไม่รู้จักตัวมันเองเลยว่ามันเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรและทำไมมันจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่รู้แต่มันก็มีความรู้ในแบบของสัญชาตญาณพอที่จะคุ้มครองตัวมันเองให้มีชีวิตอยู่ตามฐานะของมันเท่านั้นแต่ก็อย่าลืมว่าอาวิชชาตัญหาอุปาทานที่มีอยู่ในวิญญาณของต้นไม้นั้นเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวกล่าวคือ ต้นไม้เองมันก็ไม่รู้ว่ามันมีอวิชชาตันหาอุปาทานเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราที่แรกเกิดใหม่ๆก็ไม่รู้ตัวว่าวิญญาณของตัวเองมีกิเลสอะไรอยู่บ้างปัญหาข้อที่ส1บถ้าถือว่าต้นไม้มีวิญญาณการตัดต้นไม้ก็น่าจะเป็นบาปใช่หรือไม่ คำตอบการที่เราจะพูดว่าทำอะไรเป็นบาปหรือไม่บาปนั้นเราจะต้องรู้จักความหมายของคำนี้อย่างลึกซึ้งและจะต้องรู้ด้วยว่าการกระทำอย่างเดียวกันแต่ถ้าคนที่ทำต่างฐานะหรือต่างภาวะกันคนหนึ่งเมื่อทำลงไปแล้วถือว่าเป็นบาปแต่อีกคนก็อาจจะถือว่าไม่บาปก็ได้เพราะคำว่าบาปหรือไม่บาปนั้นในความหมายทั่วๆไป ก็แปลว่าไม่ดีเช่นดินที่ไม่ดีคือไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือไม่เหมาะในอันที่จะสร้างบ้านหรือทําอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งเราก็พูดว่าดินไม่ดีซึ่งคําว่าดินไม่ดีนี้ในคำภีก็เคยใช้คําว่าบาปภูมิซึ่งแปลว่าดินไม่ดีถ้าแปลทับศัพท์ก็ต้องแปลว่าภูมิคือดินเป็นบาปจงสังเกตว่า บาปในที่นี้แปลว่าไม่ดีนั่นเองคารวาตัดต้นไม้พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีในเมื่อการตัดต้นไม้นั้นไม่ใช่เป็นการขโมยตัดต้นไม้ของคนอื่นหรือเป็นการตัดที่ผิดกฎหมายหรือทำความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นส่วนพระภิกษุไม่ว่าจะตัดต้นไม้ชนิดไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบาปทั้งนั้น และปรับเป็นอาบัตคือปรับโทษแก่ภิกษุที่ทำผิดในเรื่องนี้ว่าเป็นอาบัตปาจิตติคำว่าปาจิตติตามศัพท์แปลว่าการกระทำที่ยังกุศลให้ตกไปภิกษุตัดต้นไม้เป็นอาบัตปาจิตติและในทรรนองเดียวกันภิกษุที่ฆ่าสัตว์ให้ตายก็เป็นอาบัตปาจิตติแต่ถ้าฆ่าคนตาย เป็นอาบัติปาราชิกจงสังเกตว่าในทางวินยัยภิกษุที่ฆ่าสัตว์กับตัดต้นไม้เป็นอาบัติประเภทเดียวกันและจงสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าภิกษุถ้าถูกต้องกายของหญิงด้วยความกำนัดยินดีจะต้องเป็นอาบัติสังฆาทิเศษส่วนคารวะแม้จะจับต้องผู้หญิงด้วยความรู้สึกกำนัดอย่างไรก็ตามถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นบุคคล ที่ทางศีลธรรมไม่ถือว่าผิดเช่นภรรยาของตนอย่างนี้เป็นตน้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าเป็นการกระทําที่ผิดเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าทําอะไรเป็นบาปหรือไม่เป็นนั้นจะต้องนึกถึงฐานะหรือภาวะของแต่ละบุคคลและจะต้องนึกถึงจุดหมายของการกระทําและข้อสําคัญที่สุดก็คือต้องรู้ว่าการกระทําแต่ละอย่าง ก่อให้เกิดผลอะไรซึ่งถ้าผลอันนั้นเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จของการงานหรือขัดกับความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นบาปสําหรับในเรื่องนั้นคนเรามีความมุ่งหมายในการดําเนินชีวิตสูงกว่าสัตว์และพืชมากมายและผลแห่งการกระทําก็แตกต่างจากผลแห่งการกระทําของสัตว์และของพืชเช่นมนุษย์เรามีความมุ่งหมาย ที่จะยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆซึ่งมนุษย์รู้สึกและพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าการฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการประพฤติผิดในการมก็ดีการโกหกก็ดีการดื่มสุราเมรัยก็ดีสิ่งเหล่านี้เมื่อมนุษย์ได้ทำลงไปแล้วจะก่อให้เกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า การกระทําเหล่านี้เป็นบาปเช่นอย่างน้อยก็ทําให้จิตของคนที่ประกอบกรรมเหล่านี้ไม่พ้นไปจากการที่ต้องไปมีชีวิตอยู่ในกลุ่มของคนที่ทําให้เกิดความจําเป็นที่จะต้องฆ่าที่จะต้องลักขโมยกันอย่างนี้เป็นต้นไม่เช่นนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้และในเมื่อตัวเองต้องตกไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นก็จะประสบกับความเดือดร้อนไม่สิ้นสุด ก็ในเมื่อคนไหนไม่ต้องการจะพ้นจากสภาพอย่างนั้นก็สมัครใจที่จะฆ่าสัตว์หรือจะลักทรัพย์หรือจะทำบาปอะไรก็สุดแล้วแต่จะพูดว่าการกระทาเช่นนั้นไม่เป็นบาปสำหรับคนอย่างนั้นก็ได้เพราะเขาต้องการจะมีชีวิตอยู่ในสภาพอย่างนั้นแต่สำหรับคนที่รู้ความจริงว่าในเมื่อตัวเองยังเลิกทำบาปเหล่านี้ไม่ได้ก็จะต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ และปรารถนาที่จะพ้นไปจากสภาพอย่างนั้นถึงแม้จะไม่มีใครบอกว่าการกระทำอย่างนี้เป็นบาปสำหรับคนที่รู้ความจริงอย่างนี้ก็จะรู้สึกขึ้นมาเองว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์เป็นต้นนี้เป็นบาปแน่ส่วนการตัดต้นไม้ถ้าเป็นคารวาสผลแห่งการตัดที่เกิดขึ้นในใจ ย่อมไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการดำเนินชีวิตในแบบของเขาและอีกอย่างหนึ่งการกระทำนั้นไม่เป็นเหตุให้คราวาที่ตัดต้นไม้นั้นตายแล้วไปตกนรกแต่พระภิกษุผู้ที่ต้องการจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลส ต, ต่างๆต้องการที่จะสร้างความเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีขอบเขตเรารู้อยู่ว่า ท่านในใจไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความโลภไม่มีความคิดประทุสร้ายมีแต่ความเมตตาสงสารแม้กระทั่งพืชทั้งหลายยอมจะฝึกสมาธิง่ายเพราะเหตุที่พระภิกษุมีความมุ่งหมายอย่างนี้การตัดต้นไม้จึงเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตในแบบของพระด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการตัดต้นไม้เป็นบาป สำหรับพระภิกษุหมายเหตุผู้อ่านถ้าจะเทียบอีกแนวหนึ่งคำว่าบาปอาจเทียบได้กับการกระทาของเด็กเล็กเช่นเด็กทารกถ้าเอามือยหยิกพ่อแม่หรือตบหน้าพ่อแม่ก็ตามจะเห็นได้ชัดนะครับว่าจะไม่มีใครถือสาหรือเห็นว่าเป็นบาป หรือการกระทำหลายอย่างในวัยเด็กที่ถ้าผู้ใหญ่ทำก็จะกลายเป็นความผิดร้ายแรงแต่พอเด็กทำก็กลายเป็นเรื่องน่าเอ็นดูและคนที่ได้พบเห็นต่างพากันหัวเราดชอบใจและย้นะครับว่า เ, เรื่องนี้คือการตัดต้นไม้ไม่ได้หมายรวมถึงการนำพืชมากินเป็นอาหารข้อนี้ท่านมุ่งไปถึงเจตนาการทำลายชีวิตเป็นหลักส่วนการกินนั้นไม่ว่าจะกินอะไรก็ตาม ท่านมีกฎอยู่เช่นเดียวกันกับการกินเนื้อสัตว์นะครับว่าราบใดที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้เป็นผู้สั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นมาเป็นอาหารไม่ถือว่าเป็นบาปหรือผิดอะไรเพราะอาหารนั้นคือซากศพเป็นการกินซากที่ไร้ชีวิตซึ่งถ้าจะมองในความเป็นจริงมันเป็นวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ทั้งโลกต่อให้พระไม่ฉันเนื้อสัตว์คนทั่วไปก็ยังกินสัตว์ยังฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารเป็นปกติ และถ้าเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงก็ต้องเชื่อด้วยว่านั่นคือกรรมของสัตว์เหล่านั้นที่ต้งรับผลของตัวเองให้ต้องเกิดมาให้ถูกก่อฆ่าเป็นอาหารส่งกับน้ําหนักกรรมที่เคยทำไว้สําหรับในเรื่องการกินมีรายละเอียดปลีกย่อยมากพอสมควรที่ต้องพิจารณาให้ถูกต้องให้ายละเอียดครบถ้วนหลายแง่หลายมุมถึงจะเข้าใจได้จริงไม่อย่างนั้นก็อาจจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นศิลปตาปรามาสคือการปฏิบัติเชื่อถือแบบงม ง, งายไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ มายเหตุเพิ่มเติมไว้ด้วยเกรงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าก็ในเมืองต้นไม้มีชีวิตและกินผักจะบาบหรือไม่ซึ่งเ็าต้องเข้าใจอีกแง่หนึ่งด้วยนะครับว่าการเป็นอยู่ของพระนั้นขึ้นอยู่กับคารวาสแต่เดิมนั้นท่านก็นให้บริโภคและพอใจตามปัจจัยที่ชาวบ้านถวายคือเขามีเขากินอย่างไรก็กินก็ฉันไปตามที่เขาถวายมานั้นเมื่อขณะฉันก็มองเห็นสัจธว่าเป็นธาตุและตรัสสอนหลัก การพิจารณาในการกินไว้ครบท้วนแล้วซึ่งในเรื่องการกินนั้นท่านเปรียบเหมือนว่าพ่อแม่พาลูกเดินทางไกลในทางธุร ก, กันดานไม่สามารถหาอาหารได้และด้วยความหิวลูกน้อยจึงตายไปก่อนเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปได้พ่อแม่นั้นจึงจำเป็นต้องนําเนื้อของบุตรมากินเป็นอาหารกราถ้าไม่นํามากินเนื้อนั้นก็จะต้องเน่าเสียไปเองโดยรยประโยชน์ การที่ได้กินเนื้อของบุตรตัวเองนั้นจึงทําให้รอดชีวิตออกมาจากป่าและทางธุรกันดาร น, นั้นได้ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับเรื่องการกินในชีวิตประจำวันว่าให้ระลึกเสมอว่าการกินนั้นเป็นเพียงเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ชีวิตในภพของมนุษย์นั้นศึกษาทาปฏิบัติธรรมได้ง่ายและได้ผลมากที่สุดการกินนั้นถ้าวางจิตไว้ตรงทางอย่างที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็จะไม่เกิดบาปเกิดโทษ แต่จะเป็นเครื่องอาศัยให้ได้ทำความดีได้มากขึ้นต่อไปนะครับปัญหาข้อที่สิบสองเพราะเหตุไรวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ด้วยประสาททั้งห้าเราจะมีทางเรียนรู้เรื่องวิญญาณได้อย่างไร คำตอบโดยธรรมดาคนเราจะเรียนรู้อะไรได้ก็ต้องอาศัยการดูการฟังการดองกลิ่นลิ้มรสและมือจับถูกต้องแล้วเราจะเชื่อว่าสิ่งไหนมีอยู่จริงก็ต่อเมื่อสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าส่วนเรื่องวิ ญ, ญญาณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้ด้วยประสาททั้งห้าด้วยเหตุนี้คนส่วนมากที่ยึดมั่นเฉพาะแต่ในสิ่งที่ตามองเห็น หรือหูได้ยินเป็นต้นนั้นจึงไม่ค่อยจะยอมเชื่อว่าคนเราตายแล้ววิญญาณยังมีอยู่ถ้าหากพูดว่าความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกมาซึ่งทุกคนรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากประสาทเกิดจากสมองคนส่วนมากจะเชื่อทันทีเพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นง่ายเช่นาตาบอดก็ไม่เห็นหูหนวกก็ไม่ได้ยินอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้น เมื่อบอกว่าใจหรือวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดมาจากสมองหรือเกิดมาจากประสาททั้งห้าเพียงแค่นี้คนส่วนมากก็จะเข้าใจและยอมรับว่าเป็นความจริงและผู้ที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือพวกแพทย์หรือนักชีววิทยาโดยทั่วไปแต่คนเหล่านี้ถ้าบอกเขาว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากร่างกายการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรส การรู้สึกสัมผัสไม่ใช่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นและกายไม่ใช่เกิดจากสมองคนเหล่านี้จะไม่เข้าใจและไม่ยอมเชื่อเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ได้เพราะแนวความคิดของพวกนักวิทยาศาสตร์ประเภทนี้จะยอมเ ช, อเชื่อก็เฉพาะแต่ในสิ่งที่สามารถจะสัมผัสได้ด้ว ย, วยประสาททั้งห้าเท่านั้นคนเหล่านี้เชื่อว่าสิ่งที่มีอยู่จริงๆก็คือวัตถุ สิ่งที่เรียกกันว่าวิญญาณหรือจิตใจนั้นเป็นผลที่เกิดมาจากวัตถุอีกต่อหนึ่งในทนองเดียวกันกับเมื่อเราประกอบเครื่องจักรขึ้นมาถูกต้องตามกฎของวิชาจากักรกลก็จะมีพลังงานเกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรเสียพลังงานก็หมดไปคนประเภทนี้เขาจะเปรียบร่างกายเหมือนกับเครื่องจกักรและเปรียบใจิตใจเหมือนกับพลังงานที่เกิดจากเครื่องจกักรครั้นแล้วก็ลงมติว่าคนเราเมื่อตายแล้ว วิญญาณก็ศูนย์แนวความคิดดังที่กล่าวมานี้เป็นของพวกวัตถุนิยมคนประเภทนี้ไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมมีอยู่คำว่านามธรรมหมายความถึงสิ่งที่นอกเหนือจากวัตถุเป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากวัตถุสิ่งสิ่งนี้ไม่สามารถจะเรียนรู้หรือสัมผัสได้ด้วยประสาทั้งห้าและสิ่งที่ว่านี้ก็คือจิตหรือวิญญาณ พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องวิญ ญ, ญาณจนถึงที่สุดถือรู้แจ้งทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับเรื่องวิญ ญ, ญาณและเรื่องวัตถุพระองค์ก็ทรงทราบเป็นอย่างดีและในที่สุดพระองค์ก็สรุปให้ฟังว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามมีอยู่สองอย่างคือนามกับรูปนามหมายถึงวิญ ญ, ญาณและเจตสิกต่างๆคือคุณสมบัติของวิญ ญ, ญาณ ส่วนรูปหมายถึงธาตุทั้งสี่หรืออีกนายะหนึ่งรูปก็คือสิ่งที่เรียกว่าสสารและพลังงานในทางวิทยาศาสตร์นั่นเองขอให้สังเกตว่าตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงมองเห็นว่านอกจากสสารพลังงานซึ่งเป็นพวกวัตถุแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งคือจิตหรือวิญญาณซึ่งเป็นพวกนามธรรม ตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นวัตถุไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้คือตัวของมันเองก็ไม่รู้ว่าตัวมันคืออะไรมันมีภาวะอย่างไรและในเมื่อมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ า, าสารและพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความรู้โดยสิ้นเชิงส่วนจิตหรือวิญ ญ, ญาณซึ่งเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่สามารถจะรู้อะไรได้ต่างๆนับตั้งแต่ความรู้ในขั้นสัญชาตญาณจนกระทั่งถึงความรู้ในขั้นใช้สติปัญญาและญาณต่างๆความรู้ในขั้นสัญชาตญาณก็เช่นความรู้ของพวกพืชและของพวกสัตว์โดยทั่วไปเช่นรู้จักหากินรู้จักหลบหลีกอันตรายรู้วิธีผสมพันธุ์โดยไม่ต้องเรียนมาก่อนอย่างนี้เป็นต้น ความรู้ในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากวัตถุเป็นสิ่งที่เกิดมาจากวิญญาณเช่นสมมุติว่าเราเอ า, มาเมล็ดผลไม้เพาะลงไปในดินแล้วเฝ้าดูความเป็นไปของมันนับตั้งแต่ออกรากจนกระทั่งมีลาต้นมีกิ่งมีใบมีดอกและลูกในที่สุดเราก็จะพบว่าต้นไม้มีความรู้หลายอย่างซึ่งความรู้ที่ว่านี้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณก็เลยสมมติเรียกว่า เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเขาเองก็อธิบายไม่ได้ว่าธรรมชาติที่ว่านี้คืออะไรเพราะฉะนั้นขอให้พิจารณาดูความหมายของคำว่าวิญญาณก่อนจะทำให้เราเข้าใจความหมายและเรื่องราวของวิญญาณชัดขึ้นคำว่าวิญญาณมาจากรากศัพท์สองคำคือคำว่าวิกับคำว่าญาณนนะ วิแปลว่าวิเศษแจ้งต่างๆยานะแปลว่ารู้เ <_ d ata> มื่อเอาคำสองคำนี้มาต่อกันและเพิ่มพยัญชนะคื อ, อยอหญิงขึ้นอีกตัวตามกฎไวยากรณ์ของภาษาบาลีก็จะได้รูปคำเป็นวิญญาณะซึ่งเรียกหรืออ่านแบบไทยว่าวิญญาณ <_ d ata> เพราะฉะนั้นคำนี้ตามศัพท์จึงแปลว่า สิ่งที่รู้อะไรได้ต่างๆรู้อะไรได้อย่างวิเศษรู้อะไรได้อย่างจำแจ้งคำว่ารู้ต่างๆหมายความว่าสามารถจะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางสมองสามารถที่จะรู้ในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสต่างๆเรื่องนามนธรรมตลอดถึงกฎเกณฑ์คุณลักษณะความหมายของสิ่งต่างๆ คำว่ารู้อย่างวิเศษคืออย่างจำแจ้งนั้นหมายความว่าในเมื่อวิญญาณได้มีประสบการณ์หรือได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นวิญญาณก็สามารถที่จะรู้อะไรได้อย่างวิเศษรู้อะไรได้อย่างจำแจ้งขอริบโรธจำไว้ว่าสิ่งที่มีคนณนลักษณะเช่นนี้มีเพียงอย่างเดียวคือวิญญาณหรือจิตเท่านั้น อันหนึ่งโปรดสังเกตไว้ว่าข้าพเจ้าใช้คำว่าตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าในเมื่อเรายอมรับแล้วว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่รู้อะไรเจนจบถึงที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นการรู้อย่างจำแจ้งรู้อย่างมีเหตุผลสามารถพิสูจน์หรือทดสอบได้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่รับเชื่อมันจากคนอื่นเพราะคาว่าตรัสรู้ มาจากคาบาลีว่าสัมมาสัมพุทโธซึ่งตามสับแปลว่ารู้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องสัมมาแปลว่าโดยถูกต้องสัมแปลว่าด้วยตนเองพุทโธแปลว่ารู้แจ้งข้าพเจ้าขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่า ขอให้ท่านสังเกตว่าในที่ใดมีลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นว่าสิ่งนั้นรู้อะไรได้แม้จะเป็นความรู้ที่ต่ำต้อยสักเพียงใดเช่นโดยสัญชตาตญาณตัวสเปิร์มของชายเมื่อถูกขับออกมาแล้วมันจะพยายามว่ายไปหาไข่และไข่ของผู้หญิงนั้นในเมื่อสเปิร์มตัวใดเอาหัวทิ่มเปลือกไข่ทะลุเข้าไปข้างในแล้วมันก็จะสร้างเยื่อขึ้นหุ้มที่เปลือกไข่ทันทีเป็นการป้องกันไม่ให้สเปิร์มตัวอื่นเข้าไปอีก การกระทาที่สอถึงความรู้เช่นนี้ก็คือการกระทาที่ออกมาจากวิญญาณ น, นั่นเองหรือในทำนองเดียวกันพวกแบคทีเกรียบางอย่างเช่นอะมีบ้าเมื่อพบสิ่งที่เป็นอันตรายมักจะถอยหนีแต่ถ้าหากพบสิ่งที่เป็นอาหารมันจะไม่ถอยอาการอย่างนี้ซึ่งสอใอยเห็นว่าในชีวิตนี้มีความรู้แม้ความรู้ของสัตว์ประเภทนี้จะต่ำต้อยมาก แต่ความรู้ที่ว่านี้ก็ออกมาจากวิญญาณเช่นเดียวกันและอย่าลืมเป็นอันขาดว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากวัตถุอย่าเพิ่งเข้าใจเป็นอันขาดว่าความรู้ที่เป็นสัญชตาตญาณอย่างนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะถ้าท่านคืนคิดอย่างนี้ความคิดของท่านก็จะตันจะไม่สามารถยังรู้หรือเห็นความจริงก้าวหน้าออกไปอีกเพราะฉะนั้น ก่อนอื่นขอให้เข้าใจความหมายของคำว่าวิญญาณให้ซึ้งก่อนโดยเฉพาะวิญญาณในความหมายของพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมานี้วิญญาณถึงแม้จะเป็นนามธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเรียนรู้หรือสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าก็จริงแต่ถ้าหากเข้าใจคำว่าวิญญาณถูกต้องชัดเจนดีแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องวิญญาณโดยอาศัยการดูการฟัง หรืออาศัยการจับถูกต้องก็ได้แต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าการเรียนรู้เรื่องวิญญาณโดยอาศัยประสาทสัมผัสนั้นเป็นการเรียนรู้ทางอ้อมและตราบใดที่การเรียนเรื่องวิญญาณยังอยู่ภายในขอบเขตของประสาทสัมผัสจะไม่มีทางรู้เรื่องวิญญาณอย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดเพราะการเรียนรู้เรื่องวิญญาณโดยตรงนั้นจะต้องเรียนทางมโนสัมผัสและจะต้องสามารถเข้าสมาธิได้สูง จนกระทั่งพ้นจากอิทธิพลหรือขอบเขตของประสาทสัมผัสคืออย่างน้อยต้องได้ฌานตั้งแต่ขั้นทุติยฌานเป็นต้นจึงจะสามารถเริ่มเข้าใจเรื่องวิญญาณได้จริงๆเพราะผู้ที่อยู่ในขั้นทุติยฌานขึ้นไปนั้นไม่มีความนึกคิดวิตกวิจารไม่มีความนึกคิดเป็นผลมาจากประสาทสัมผัสอยู่ภายใต้อิทธิพลของประสาทสัมผัสและโดยธรรมดา คนเราเห็นอะไรมาแค่ไหนได้ยินอะไรมาแค่ไหนจำไว้ได้อย่างไรก็จะนึกคิดได้เพียงแค่นั้นแต่เพราะเหตุที่ตาหูของคนเรามีสมรรถภาพจำกัดคือไม่สามารถจะเห็นหรือได้ยินอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นความรู้หรือความเข้าใจที่ขึ้นอยู่กับความนึกคิดที่ได้มาจากประสาสัมผัสนั้นจึงอยู่ในวงแคบมากแคบจนกระทั่งทำให้ไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองอย่างถูกต้อง และนั้นย่อมหมายความว่ายัางมีความหลงผิดหรือความเข้าใจผิดแทรกซึมอยู่ในความนึกคิดอีกมากมายและอ่านที่จริงผู้ที่สามารถจะรู้เรื่องวิญญาณได้อย่างจำแจ้งจริงๆนั้นโดยธรรมดาแล้วจะต้องสามารถเข้าฌานได้ถึงขั้นจตุตถาฌานคือฌานที่สี่ซึ่งผู้ที่อยู่ในฌานขั้นนี้เท่านั้นจึงจะสามารถกําหนดการเกิดดับของวิญญาณได้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถจะเข้าฌานได้จึงไม่อาจที่จะรู้เรื่องวิญญาณได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากที่ยึดมั่นแต่ทฤษฎีทางวัตถุจึงไม่อาจที่จะเข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ตัวเองเข้าใจว่าเกิดมาจากสมองหรือเกิดมาจากประสาทนั้นโดยที่แท้แล้วมันเกิดมาจากวิญญาณซึ่งมีอยู่ในสมองหรือมีอยู่ในประสาท มาเหตุผู้อ่านสำหรับในเรื่องนี้ก็มีแพทย์ชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบประสาทเดิมทีท่านก็เชื่อเช่นนี้ว่าความรู้สึกนึกคิดนั้นมาจากสมองแต่เมื่อได้ประสบกับตัวเองในครั้งที่ป่วยหนักและทางการแพทย์ระบุว่าได้ตายไปแล้วแต่ต่อมากลับฟื้นขึ้นมาและท่านได้เจอประสบการณ์หลังความตายที่ชัดเจนและเห็นชัดด้วยตัวเองว่าความรู้สึกนึกคิดแม้ร่างกายจะหยุดทํางานไปแล้วนั้น ก็ยังคงมีอยู่และจึงได้ยืนยันว่าความรู้สึกนือคิดต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เกิดมีต่างหากไม่ได้เกิดมาจากสมองหรือระบบประสาทยอย่างที่เข้าใจกันปัญหาข้อที่ส3บสาวิญญาณจะถือว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งได้หรือไม่ คำตอบก่อนที่จะตอบว่าวิญญาณเป็นพลังงานหรือไม่นั้นควรจะรู้เส ก, ก่อนว่าพลังงานหมายความว่าอย่างไรคำว่าพลังงานเป็นคำที่บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อใช้ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำที่มีมาในคำพีของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ถึงความหมายอันนี้ตามที่ทางวิทยาศาสตร์ใช้กันอยู่ เมื่อเราเอากระดาษใส่ไปในกองไฟส่วนหนึ่งของกระดาษก็จะกลายเป็นควันไปสู่อากาศและอีกส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นขี้เถ้าเพราะเหตุที่ความร้อนสามารถทำให้วัตถุสิ่งหนึ่งกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นความร้อนทางวิทยาศาสตร์จึงถือว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งหรือในยาหนึ่งเมื่อเราเอาน้าใส่กาต้มให้เดือดฝาก า, กากจะเต้นเพราะไอน้าอันเกิดจากความร้อนดันฝาก า, กา จากข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เอาไปดัดแปลงทำเป็นเครื่องจักรไอน้ำซึ่งพลังงานความร้อนที่ได้จากน้ำเดือดสามารถทำให้รถไฟตั้งขบวนล่นไปได้ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาศาสตร์จึงถือว่าความร้อนเป็นพลังงานอย่างหนึ่งแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นพลังงานก็เพราะเป็นตัวการสำคัญที่สามารถจะทำให้เกิดแรงงานและทำให้วัตถุกลายสภาพได้ ทีนี้เราลองมาพิจารณาดูถึงเรื่องวิญญาณว่าจะมีคุณสมบัติเหมือนกับพวกพลังงานเหล่านี้หรือไม่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าวิญญาณจักไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามรูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระอานนท์ทูลตอบ ด้วยเหตุนี้แหลอานนท์เราจึงได้กล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปทางพระพุทธศาสนาถือว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างมีวิญญาณในเมล็ดพืชที่ยังมีชีวิตอยู่คือเอาไปเพาะและงอกได้นั้นก็แปลว่าเมล็ดพืช น, นั้นยังมีวิญญาณอยู่วิญญาณซึ่งมีอยู่ในเมล็ดพืชอันนี้หละคือตัวการสาคัญที่ทาให้เมล็ดพืชออกราก ทำให้เกิดลำต้นตลอดทั้งกิ่งใบดอกและผลมีข้อพิสูจน์ง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งใดถ้าเกิดขึ้นมาอย่างมีความหมายก็แปลว่าสิ่งนั้นเกิดมาจากวิญญาณเพราะสิ่งที่มีคุณสมบัติในอันที่จะรู้อะไรได้ต่างๆนั้นมีเพียงอย่างเดียวคือวิญญาณเท่านั้นอย่าลืมว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ด้วยประสาททั้งห้า เพราวิญญาณเป็นนามธรรมการเรียนรู้เรื่องวิญญาณเราสามารถจะทำได้ด้วยการสังเกตดูพฤติกรรมของสิ่งที่มีชีวิตเพราะความรู้สึกในสิ่งที่มีชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมที่มีความหมายซึ่งความรู้สึกที่ว่านี้จะเป็นไปโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามความรู้สึกอย่างนี้หละที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิญญาณ เมื่อเข้าใจความหมายของคำว่าวิญญาณดังที่กล่าวมานี้แล้วเราก็จะเห็นได้ชัดว่าวิญญาณเป็นตัวพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะการที่พืชกินอาหารต่างๆเข้าไปแล้วกลายเป็นส่วนต่างๆของต้นไม้ก็เป็นด้วยอำนาจของวิญญาณในทํานองเดียวกับชีวิตของคนเราเมื่อเราเกิดใหม่ๆซึ่งเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่ครั้นแล้วโดวยอาศัยวิญญาณเป็นปัจจัยจึงทาใหโลหิตที่เข้าไปหล่อเลี้ยง กลายเป็นส่วนต่างๆของร่างกายและการที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้อวัยวะต่างๆทํางานตามหน้าที่ของตนเองได้ซึ่งทางชีววิทยาถือว่าเป็นเพราะสมองหรือประสาทเป็นผู้บังคับนั้นความจริงวิญ ญ, ญาณต่างหากที่เป็นผู้ควบคุมและบังคับให้อวัยวะต่างๆทํางานพฤติกรรมภายในระบบของเซลล์ต่างๆจึงแต่ละอย่างก็มีความหมาย เช่นการดูดซึมการย่อยการเผาผลาญพฤติกรรมเหล่านี้ก็เกิดมาจากวิญญาณความร้อนในร่างกายน้ำในร่างกายซึ่งมีส่วนประกอบและปริมาณเป็นไปตามความต้องการของร่างกายอันนี้ก็เกิดจากวิญญาณขอให้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีล้วนๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศกับการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายนั้น มีข้อที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างมีความหมายส่วนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกและของสิ่งที่ไร้ชีวิตไม่มีความหมายขอให้นึกถึงหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปซึงได้เป็นปัจจัยมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ คำว่ารูปก็หมายถึงร่างกายหรือหมายถึงธาตุทั้งสี่ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายธาตุทั้งสี่ในความหมายของพระพุทธศาสนาก็ได้แก่ของแข็งของเหลวความร้อนและแก๊สต่างๆส่วนต่างๆในร่างกายซึ่งมีทั้งส่วนที่แข็งเช่นกระดูกเนื้อหนังต่างๆของเหลวเช่นโลหิตน้ำเหลืองแก๊สต่างๆ เจนทานออกซิเจนและความร้อนในร่างกายทั้งหมดที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับการควบคุมของวิญญาณทั้งสิน้นการเปลี่ยนแปลงของมันทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับวิญญาณเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจความหมายของวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาลึกซึ้งถึงขนาดนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะพูดได้อย่างมั่นใจว่าวิญญาณก็คือพลังงานอย่างหนึ่ง แต่แตกต่างจากพลังงานในทางวัตถุเพราะวิญญาณเป็นพลังงานที่เป็นนามธรรมและเป็นพลังงานที่อยู่เหนือพลังงานในทางวัตถุทุกอย่างด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณอันหนึง่ง ถ้าหากเราจะพิจารณากันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกถึงชีวิตในโลกของโอปปาติกะและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะเราก็จะพบว่าวิญญาณเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นพลังงานที่มหัศจรรย์ที่สุดเป็นพลังงานที่ประเสริฐที่สุดเช่นคนเราเมื่อตายทันทีที่ชีวิตดับวิญญาณก็จะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ทันทีซึ่งชีวิตที่ว่านี้เรียกว่าโอปปาติกะ เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทุกอย่างและยิ่งกว่านั้นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่ธรรมชาติในโลกของโอปปาติกาทุกๆอย่างเกิดขึ้นจากวิญญาณเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของวิญญาณทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิญญาณทั้งสิน้นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดสร้างอาวุธขึ้นมาทำลายชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์หรือชีวิตพืชซึ่งอาวุธที่เขาสร้างขึ้นมานั้นแม้จะไร้กาสักเพียงไร ก็จะมีผลแต่เพียงทำลายชีวิตเท่านั้นแต่จะไม่สามารถทำลายวิญญาณได้เลยเป็นอันขาดและในเมื่อวิญญาณยังอยู่วิญญาณก็จะสร้างชีวิตขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าคิดให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็จะพบว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะทำลายชีวิตได้เลยเพราะชีวิตทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิญญาณแต่ที่เราเข้าใจกันว่าการทำลายชีวิตเป็นสิ่งที่มีได้นั้น เป็นเพราะเรามองไม่เห็นถึงชีวิตที่จะต้องเกิดใหม่ทันทีหลังจากชีวิตอันใดอันหนึ่งดับลงความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงสภาพของชีวิตในรูปหนึ่งไปเป็นชีวิตอีกรูปหนึ่งเท่านั้นเมื่อพิจารณามาถึงข้อนี้ก็จะยิ่งเห็นชัดว่าวิญญาณเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งตามหลักพุทธศาสนาถือว่าตาเห็น ก็คือวิญญาณเห็นหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดความรู้ความสามารถต่างๆที่มีอยู่ในตัวคนก็คือความสามารถของวิญญาณทั้งสิน้นและความสามารถที่ว่านี้ยังจะถ่ายทอดไปถึงชีวิตในชาติหน้าได้อีกเพราะฉะนั้นขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าแพทย์ที่คิดตัวยาและวิธีรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อให้ดารงชีวิตยอยู่ได้นั้นผู้ที่คิดก็คือวิญญาณส่วนนักวิทยาศาสตร์บางคนที่คิดอาวุธหรือคิดยาพิษหรือคิดเครื่องประหารใดๆขึ้นมาก็ตามเพื่อทำลายชีวิตผู้ที่คิดก็คือวิญญาณอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าผู้สร้างและผู้ทาลายก็คือวิญญาณ แต่ไม่ว่าจะคิดล้างผ่านกันอย่างไรก็ตามตัวชีวิตจริงๆไม่ได้ตายและการเสริมสร้างชีวิตด้วยวิธีทางวัตถุนั้นก็ได้ผลเพียงชั่วคราวส่วนผู้ที่เข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งเขาจะพยายามเสริมสร้างวิญญาณให้มีความสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นเพราะวิญญาณมีความสมบูรณ์ขึ้นเพียงใดชีวิตก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพียงนั้นชีวิตต่างๆในโลกนี้ เกิดมาไม่เหมือนกันบางชีวิตอายุสั้นบางชีวิตก็อายุยืนบางชีวิตก็มีอำนาจต้านทานต่อสิ่งที่เป็นอันตรายหรือต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีแต่บางชีวิตก็มีอำนาจต้านทานน้อยบางชีวิตก็มีโรคมากบางชีวิตก็มีโรคน้อยความแตกต่างของชีวิตในด้านอย่างอื่นยังมีอีกมากมายความแตกต่างทั้งหมดที่มีอยู่นั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุเพียงอันเดียว คือเป็นเพราะสภาพของวิญญาณแตกต่างกันสภาพของชีวิตจึงได้แตกต่างกันเมื่อพิจารณาในแง่นี้ก็จะยิ่งลายเห็นถึงความหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของวิญญาณ ย, ยิ่งขึ้นไปอีกอันหนึ่งการรักษาโรคทางร่างกายนอกจากจะใช้วิธีทางวัตถุดังที่ในวงการแพทย์ได้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ ยังมีวิธีรักษาโรคอีกอย่างหนึ่งคือการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตแต่เนื่องจากคนที่มีอำนาจจิตสูงถึงขนาดสามารถรักษาโรคได้เป็นอย่างดีนั้นในปัจจุบันหาตัวอย่างได้ยากมากเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงไม่เชื่อว่าการรักษาด้วยอำนาจ จ, จิตเป็นสิ่งที่มีได้แต่อย่างไรก็ดีเดี๋ยวนี้ในวงการแพทย์ก็ได้เริ่มตระหนักแล้วว่าคนที่มีสุขภาพทางจิตดี เมื่อเป็นโรคอะไรทางร่างกายรักษาได้ง่ายกว่าคนที่มีสุขภาพทางจิตไม่ดีและยิ่งกว่านั้นคนที่มีความทุกข์ทางใจอยู่เสมอจะเกิดโรคได้ง่ายกว่าและถ้าสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคนั้นเนื่องมาจากทางจิตใจแล้วการรักษาทางยาจะไม่ได้ผลเช่นในกรณีของโรคประสาทที่มีสาเหตุมาจากทางจิตอย่างนี้เป็นต้น จากข้อสังเกตที่ในวงการแพทย์ค่อยๆมองเห็นชัดขึ้นดังที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งในวงการแพทย์เองก็จะยอมรับว่าการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนจากประวัติของพระเยซูที่พระองค์เคยรักษาคนป่วยให้หายด้วยอำนาจจิตนั้นในไม่ช้าก็คงจะยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นความจริงแต่เรื่องอย่างนี้ สำหรับคนที่ได้ศึกษาในทางพระพุทธศาสนามาเป็นอย่างดีแล้วย่อมรู้เป็นอย่างดีว่าการรักษาโรคดรวออำนาจิตเป็นสิ่งที่มีได้และมีมานานแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าเกิดเสียด้วยซ้ำไปอันหนึ่งสำหรับคนที่ได้เรียนรู้เรื่องอภินยาในพระพุทธศาสนาเช่นเรื่องหูทิพตาทิพการระลึกชาติการหายตัวการถอดกายทิพ เราสามารถจะท่องเที่ยวไปได้ทุกคนทุกแห่งเหมือนหนึ่งไปด้วยกายเนื้อตลอดถึงการเอาชนะกิเลสในสันดานได้อย่างเด็ดขาดนั้นผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องนี้จนเข้าใจหลักวิชาและเหตุผลอย่างชาัดเจนว่าสิ่งมหศัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีได้และมีขึ้นมาได้เพราะอะไรเขาก็จะมองเห็นชัดว่าวิญญาณเป็นอำนาจหรือพลังงานที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง นักวิทยาศาสตร์อย่าลืมว่าตนเองที่มีความรู้ความสามารถคิดค้นหาหลักเกณฑ์ในทางวิทยาศาสตร์และสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้มากมายเอาชนะธรรมชาติต่างๆได้หลายอย่า ง, บ, างบังคับควบคุมธรรมชาติได้หลายอย่างนั้นทั้งหมดที่กล่าวมานี้ตัวการที่ก่อให้เกิดก็คือวิญญาณหรือใจเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันสรุปได้ว่าวิญญาณอันเดียวเท่านั้นที่เป็นพลังงานที่อยู่เหนือพลังงานทุกอย่าง ปัญหาข้อที่สิบสี่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าวิญญาณเป็นธาตุอย่างหนึ่งคำว่าธาตุกับคำว่าพลังงานในความหมายของพระพุทธศาสนามีความหมายเหมือนกันหรือไม่คำตอบพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าชีวิตของคนเราประกอบด้วยธาตุทั้งหกคือปัวีธาตุธาตุดิน อาโปธาต์ธาตุน้ำเตโชธาต์ธาตุไฟวาโยธาต์ธาตุลมอากาศธาต์และวิญญาณธาต์ผู้ที่ศึกษามาแต่ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ศึกษาในทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจดีก็มากจะกล่าวดูมินหลักของพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงในเรื่องธาต์เพราะในทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในทางเคมีได้ค้นพบธาตุต่างๆมากมาย และแต่ละธาตุก็ได้ศึกษาจนกระทั่งมีความเข้าใจละเอียดเข้าใจถึงโครงสร้างและคุณสมบัติเฉพาะของมันและเมื่อพูดถึงคำว่าธาตุในทางวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงส า, า, สารที่มีอนูชนิดเดียวกันส่วนสารประกอบไม่เรียกว่าธาตุฉะ น, นั้นในเมื่อมาพบตำราในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องธาตุเพียงแค่นี้จึงรู้สึกดูหมิ่นว่าทางพระพุทธศาสนารู้แคบ และยังใช้คําว่าธาต์ผิดอีกด้วยทั้งนี้เรามีรู้คําว่าธาต์ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงธาตุแท้ก็ได้หมายถึงสารประกอบก็ได้หมายถึงพลังงานก็ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นปัทวีธาต์แปลว่าธาตุดินก็ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะแต่ดินเหล็กไม้หินกระดูกเนื้อหนังผมคนเล็บ สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าธาดินเพราะฉะนั้นคำว่าธาดินจึงหมายถึงของแข็งโดยทั่วไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามก็เรียกว่าธาดินอาโปธาดแปลว่าธาตุน้ำธาตุน้ำในที่นี้หมายถึงของเหลวโดวยทั่วไปเช่นน้ำในต้นไม้ในผลไ ม, นนไม้น้ำในแม่น้าลาคลองน้ำในอากาศโลหิตน้าเหลืองน้ามัน ไขข้อสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าธาตุน้ําเตโชธาต์แปลว่าธาตุไฟธาตุไฟในที่นี้หมายถึงความร้อนหรืออุณหภูมิโดยทั่วไปนั่นเองและในความหมายที่กว้างย่อมหมายถึงพลังงานในทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างวายโยธาต์แปลว่าธาตุลมธาตุลมในที่นี้หมายถึงแก๊สต่างๆ อากาศาธาตุแปลว่ า, วาธาตุอากาศอากาศในที่นี้หมายถึงความว่างที่มีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงเช่นความว่างหรือช่องว่างที่มีอยู่ในระหว่างปรามณูก็เรียกว่าอากาศาธาตุวิญญาณาธาตุแปลว่ า, าธาตุรู้ซึ่งได้แก่วิญญาณทั้งหกเช่นจักสุวิญญาณคือวิญญาณทางตาหรือการเห็นเป็นต้น ในธาตุทั้งหกอย่างที่กล่าวมานี้ธาตุทั้งสี่ถือเป็นรูปธปรรมอากาศธาตุไม่ถือว่าเป็นรูปธปรรมแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นนามธรรมในที่บางแห่งอากาศธาตุเรียกว่าเป็นอรูปธรรมซึ่งแปลว่าสิ่งที่ไม่ใช่รูปหรือไม่มีรูปและคำว่าอารูปธรรมในที่นี้โปรดจาไว้ด้วยว่าไม่ใช่หมายถึงนามธรรม แต่คำว่านามธรรมจะเรียกว่าเป็นอรูปธรรมก็ได้ฉะนั้นเมื่อพูดถึงอรูปธรรมจะต้องแยกยะให้ดีว่าในที่นั้นหมายถึงนามธรรมหรือหมายถึงอากาศาธาตุส่วนวิญญาณเป็นนามธรรมโดยแท้อย่าลืมว่าคำว่านามธรรมไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเรียนรู้หรือสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้า คำว่านามธรรมจะต้องหมายถึงสิ่งที่สามารถจะรู้อารมณ์และเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ได้ด้วยคำว่าธาตุหรือธาตุในทางพระพุทธศาสนาแปลว่าสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมดาซึ่งจะเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยของมันไม่มีใครสร้างไม่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าหรือจะหมายถึงสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมดา โดยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ได้ฉะนั้นคำว่าธาตุในทางพระพุทธศาสนาจึงมีทั้งที่เป็นสังคตตาธรรมและอสังคตตาธรรมสังคตตาธรรมหมายถึงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งคือขันธ์ห้าทั้งหมดอสังคตตาธรรมสิ่งที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งธาตุที่เป็นสังคตตาธรรม ยัอมเป็นอนัตตาโดยแท้คือไม่มีโตตนของมันที่แท้จริงและไม่เป็นของใครส่วนธาตุที่เป็นอสังขตาธรรมซึ่งแปลว่าสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นในทางพระพุทธศาสนามีความหมายพิงสองอย่างคือหมายถึงนิพพานกับอากาศาธาตุธาตุทั้งสองนี้แม้จะเป็นอสังขตาธรรมแต่ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันคือไม่เป็นของใคร และในทางปฏิบัติถ้าหากคนไหนยังมีความพอใจที่จะยึดถือเอานิพพานหรืออากาศธาตุก็ตามว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราก็แปลว่าผู้นั้นยังไม่เข้าใจเรื่องจิตใจของตัวเองอย่างทะลุปลุกโลงยังไม่เข้าใจถึงทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงและย่อมจะพ้นทุกข์ไม่ได้เรื่องธาตุ่างที่ได้กล่าวมานี้ ผู้ที่ได้ศึกษามาในทางวิทยาศาสตร์เมื่อมาพบคําว่าธาตุในตําราพระพุทธศาสนาจะต้องทําความเข้าใจให้ดีว่ามีความหมายไม่เหมือนกับที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์และอย่าลืมว่าคําว่าธาตุนี้เป็นคําในพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยกลั้งพุทธกาลนักวิทยาศาสตร์มาขอยืมคํานี้ไปใช้ในภาษาของตนและมาแปลความหมายเสียใหม่ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว คำว่าพลังงานที่ได้อธิบายมาแล้วในปัญหาข้อที่สิบสามกูที่ได้อ่านคำตอบในปัญหาทั้งสองข้อนี้แล้วก็จัดเข้าใจได้ดีว่าคำว่าธาตุในพระพุทธศาสนาหมายถึงพลังงานก็ได้เช่นคำว่าเตโชธาตุเตโ ช, ตตโชซึ่งหมายถึงความร้อนทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งแต่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น วิญญาณซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นพลังงานก็ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วโปรดสังเกตให้ดีว่าคำว่าธาตุกับคำว่าพลังงานในทางวิทยาศาสตร์มีความหมายไม่เหมือนกันแต่ในทางพระพุทธศาสนาคำว่าธาตุในบางแห่งอาจจะเรียกว่าเป็นพลังงานก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกคำไปเช่นคำว่าปฐวีธาต ่าตในที่นี้จะถือว่าเป็นพลังงานไม่ได้เว้นไว้แต่ในความหมายขั้นสูงที่ถือว่าสะสารกับพลังงานคือสิ่งสิ่งเดียวกันเพราะาสารทุกอย่างเมื่อสลายตัวแล้วก็กลายเป็นพลังงานพลังงานเมื่อรวมตัวกันเข้าก็กลายเป็นสาสารขึ้นมาได้อีก ปัญหาข้อที่สิบห้าผู้ที่จะสามารถเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ในทางวัตถุได้อย่างจำแจ้งถึงที่สุดจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องศึกษาเรื่องวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งโดยตลอดคำตอบพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นสัพพัญยูคือรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงและได้ชื่อว่า โลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกถ้าหากเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติเช่นนี้จริง <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าผู้ที่ไมรู้แจ้งเรื่องวิญญาณถึงที่สุด <c oughs> ก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งเรื่องวัต ถ, ถุถึงที่สุดเพราะวิญญาณเป็นรากฐานของวัตถุวัตถุทุกอย่างได้ ก, กดําเนิดมาจากวิญญาณทั้งสิน้นขอให้พิจารณาถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้ มโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณโลกยอมหมุนไปตามจิตวิวัฒนาการไปตามจิตเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยอมเป็นไปตามอํานาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตคำว่าจิตในที่นี้มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าวิญญาณ เมื่อจิตเกิดโลกก็เกิดเมื่อจิตดับโลกก็ดับพุทธพจน์สองบทแรกข้าพเจ้าเคยอ้างมาบ่อยครั้งสำหรับบทที่สามไม่ค่อยนำมาอ้างบ่อยนักบทที่สามนี้ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์โดยตรงแต่เป็นคำที่มีความหมายตรงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เพราะเป็นคำอธิบายพุทธพจน์ของระสารีบุตร บทนี้เป็นบทสำหรับใช้พิจารณาในขณะเจริญวิปัสสนามีกล่าวอ้างไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่29และเก้าและในหนังสือวิสุทธิมรรคปัญญานิเทศพุทธพจน์อีกบทหนึ่งที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นบทที่มีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางมากโดยเฉพาะเป็นบทบังคับที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่จะเป็นพระอริยบุคคล จะต้องเป็นบุคคลที่รู้แจ้งในเรื่องโลกของวัตถุและในเรื่องสากลจักรวาลด้วยทั้งนี้ก็เพราะผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลทุกองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องวิญญาณเมื่อรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณแจ่มแจ้งถึงที่สุดก็ย่อมจะรู้แจ้งในเรื่องของวัตถุ ด, ด้วยเพราะวัตถุมีกำเนิดมาจากวิญญาณอย่างที่ได้อ้างมาแล้วกุฏพจน์ที่ว่าเป็นบทสำคัญสำหรับผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคล ที่จะต้องรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโลกของวัตถุและเรื่องของส า, ากลจักรวาลด้วยนั้นก็คือพุทธพจน์ที่ว่าไตรจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ไตรจักรู้แจ้งซึ่งยามาโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่ารเาเซค่ะจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ราเซค่ะจักรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก พระเสกขะในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคนที่เรียนมาแต่ในทางวัตถุไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณให้มีความรู้อย่างแตกฉานแน่นอนเลิศเกินว่าจะไม่มีทางมองเห็นเลยว่าวัตถุมีกำเนิดมาจากวิญญาณแต่กลับจะมองเห็นในมุมกลับคือเห็นว่าวิญญาณมาจากวัตถุดังที่นักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่า คนเราเมื่อมีชีวิตเกิดขึ้นย่อมจะมีวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อชีวิตดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณเป็นเสมือนหนึ่งพลังงานที่เกิดจากเครื่องจักรเมื่อเครื่องจักรเสียพลังงานก็หมดไปอันที่จริงนักวิทยาศาสตร์ที่คิดอย่างนี้ถ้าหากจะคิดต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งว่าเครื่องจักรไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองแต่เครื่องจักรเกิดขึ้นจากความคิดของวิญญาณ คือใจที่รอบรู้ในเรื่องกฎของแมคชีนิกคือช่างเครื่องช่างกลเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดอย่างนั้นเขาก็อาจจะมองเห็นว่าวิญญาณเป็นต้นกำเนิดของวัตถุแต่อย่างไรก็ดีนั่นเป็นแต่เพียงข้อสังเกตเพราะว่าคนที่สามารถจะรู้แจ้งได้จริงๆว่าวัตถุทุกอย่างมีกำเนิดมาจากวิญญาณนั้นจะต้องเป็นคนที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องโอปปาติกะและเรื่องอภิญญา และโดยเฉพาะจะต้องสามารถฝึกสมาธิและวิปัสสนาไปจนถึงขั้นที่พอจะยังรู้ได้ว่านิพพานคืออะไรเพราะการรู้แจ้งเรื่องนิพพานเท่านั้นจึงจะสามารถทาให้รู้แจ้งว่าวิญญาณเกิดอย่างไรดับอย่างไรสืบต่อได้อย่างไรและวัตถุทั้งหลายเกิดขึ้นมาอย่างไรดับอย่างไรสืบต่อได้อย่างไรหรือผู้ดิ้นไยหนึ่ง ผู้ที่จะยังรู้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนั้นจะต้องเป็นคนที่รู้ถึงที่สุดของนามและรูปและนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดนิพพานก็คือที่สุดของนามรูปการเข้าใจให้ซึ้งจนกระทั่งมองเห็นว่าวิญญาณเป็นต้นกําเนิดของวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดสําคัญยิ่งกว่าความรอบรู้ในวิชาการทุกขแขนงกล่าวคือ บางคนแม้จะมีความรอบรู้ในวิชาที่ตนเองได้เรียนมาสักเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณโดยละเอียดแล้วความรู้ที่เรียนมาอย่างดีนั่นแหละจะทำให้เกิดความหลงผิดได้อีกหลายอย่างเพราะความรู้แต่ละอย่างที่เรียนมาเป็นเพียงความจริงบางแง่หรือบางขั้นของความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่รู้ถึงที่สุดของความรู้หรือผู้ดีในายะหนึ่งไม่รู้ถึงหลักความจริงโดยส่วนรวมแล้ว แน่นอนเลยเกินเขาก็ยอมจะคิดได้แต่เพียงจากแง่ที่ตัวเองเคยเรียนมาส่วนแง่อื่นหรือด้านอื่นย่อมไม่อาจที่จะรู้ได้และโดยมากคนเราก็มักจะเชื่อแต่ในประสบการณ์ที่ตนเองเคยผ่านมาด้วยเหตุนี้ความรู้ทุกอย่างที่เรียนมาแม้จะเชี่ยวชาญสักเพียงไรย่อมจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ตรงกันข้าม ผู้ที่ศึกษาเรื่องวิญญาณให้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่ว่าจะไปศึกษาใ น, ขนแขนงใดก็จะเข้าถึงแก่นหรือสาระของขนแขนงนั้นได้รวดเร็วและดีกว่าคนอื่นที่ไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมาก่อนปัญหาข้อที่16เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวิญญาณเป็นต้นกําเนิดของวัตถุ มีตัวอย่างหรือข้อพิสูจน์อะไรบ้างที่ทําให้เข้าใจในเรื่องนี้คําตอบโดยธรรมดาผู้ที่จะสามารถตอบปัญหาข้อนี้ได้อย่างชัดเจนด้วยตัวของตัวเองนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้อภิญญาครบหมดทุกข้อเช่นสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้สามารถถอดกายทิพได้มีหูทิพย์ตาทิพย์อ่านใจคนได้ระลึกชาติได้ และที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องรู้แจ้งในเรื่องนิพพานเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ามันเป็นการเหลือวิสัยจริงๆที่คนทั่วไปจะอย่างรู้ว่าวิญญาณเป็นต้นกำเนิดของวัตถุนักวิทยาศาสตร์ปลายวัตถุแม้จะมีความรู้เชี่ยวชาญในทางวัตถุสักเพียงไรก็ตามก็เป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะมองเห็นชัดว่าวิญญาณเป็นต้นกาเนิดของวัตถุ เพราะคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นโดยปกติแล้วเป็นคนที่ถือหลักอันนี้เคร่งครัดมากกล่าวคือสิ่งใดที่ยังพิสูจน์ไม่ได้หรือไม่มีข้อเท็จจริงยืนยันอย่างชัดเจนแล้วเขาก็จะไม่ยอมรับความจริงในเรื่องนี้ซึ่งหลักอันนี้เป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปนิสัยอันนี้อันที่จริงมีประโยชน์มากมีคุณค่าสูงมากแต่ก็มีโทษมากเพราะมันเหมือนกับคนเราโดยธรรมดา ก็รักตัวเองเหนือสิ่งอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากคนคนนั้นมีความดีเด่นในทางไหนก็ตามซึ่งตัวเองได้สร้างขึ้นมาเขาก็ย่อมจะมีความภูมิใจในตัวเองมากและความรักในตัวเองก็ย่อมจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นความรักตัวเองในลักษณะเช่นนี้แม้ว่าจะเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมกล่าวคือไม่มีการเย่อหยิอวดดีไม่ดูถูกผู้อื่นรู้จักประมาณตัวไม่หลงลืมตัว ความรักตัวเองในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงควรแกการยกย่องแต่แล้วเราก็จะพบว่าความรักแบบนี้แหละได้กลายเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการปล่อยวางในเรื่องตัวตนซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเราเข้าถึงความหลุดพ้นแต่ถ้าหากรู้จักเอาความรักที่ว่านี้มาใช้ในทางที่ถูกก็อาจจะช่วยให้หลุดพ้นจากความยึดถือในเรื่องตัวตนได้ง่ายขึ้น ในทำนองเดียวกันนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ที่จะยอมรับสิ่งใดก็ต่อเมื่อพิสูจน์เสียก่อนนั้นได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจเรื่องวิญ ญ, ญาณอย่างลึกซึง้งเป็นไวแต่เขาจะยอมรับว่าประสาทของเขามีขอบเขตจำกัดแม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยประสาทสัมผัสก็มีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาจะไม่ยึดถือในความคิดของตัวเองจนเกินไปรู้จักปล่อยวางเสียบ้าง เขาก็จะพบความจริงอีกระดับหนึ่งคือความจริงที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสและความจริงที่ว่านี้ถ้าหากคนไหนเรียนมาให้ถูกวิธีก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วย ต, วตัวของตัวเองว่าเป็นความจริงเรื่องวิญญาณเป็นต้นกำเนิดของวัตถุเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสและไม่มีทางอื่นที่เราจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นอกจากทางเดียว คือต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจพอเป็นแนวทางมาเสียก่อนและต้องอาศัยการฝึกสมาธิเมื่อสมาธิสูงขึ้นจนกระทั่งสามารถปัดความนึกคิดออกไปได้หมดสามารถทำใจให้ว่างได้และพร้อมกันนั้นก็มีสติอยู่กับตัวทุกขณะสมาธิต้องอยู่ในขั้นนี้จึงจะสามารถยังรู้ได้และจะทดสอบได้ด้วยข้อเท็จจริงต่างๆจากตัวเอง และเหตุผลทุกอย่างจะลงรอยกันและในที่สุดก็จะแน่ใจว่าวิญญาณเป็นต้นกาเนิดของวัตถุตัวอย่างหรือข้อพิสูจน์ที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ก็คือร่างกายของเราเองการที่ร่างกายเกิดขึ้นมาอย่างมีความหมายนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชี้ให้เห็นว่าร่างกายเกิดมาจากวิญญาณเป็นผู้สร้างถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตาทิพย์ไม่เห็นโอปปาติกะระลึกชาติไม่ได้ แต่ถ้าเป็นคนที่มีสมาธิดีก็จะเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้โดยไม่ยากเลยทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมดาวิญญาณส่วนลึกได้มีความรู้สึกในสิ่งต่างๆอยู่แล้วอย่างมากมายซึ่งความรอบรู้อันนี้ได้มีมาแล้วตั้งแต่เกิดและเหมือนกันทุกคนเพราะถ้าไม่มีความรู้ที่ว่านี้วิญญาณจะสร้างร่างกายขึ้นมาไม่ได้และจากความรู้ดังเดิมนี้หละในเมื่อจิตสงบ อิสระจากความคิดภายนอกความรู้จากภายในก็จะปรากฏขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าสำหรับคนที่มีสมาธิดีจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้โดยไม่ยากในเมื่อได้อย่างรู้แล้วว่าวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ร่างกายซึ่งเป็นรู ป, ปรธรรมเช่นนี้แล้วก็จงหันไปพิจารณาชีวิตของสัตว์ชีวิตของพืช ตลอดถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจากความนึกคิดของวิญญาณก็จะยิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นว่าวิญญาณเป็นต้นกำเนิดของวัตถุจริงๆแต่อย่างไรก็ดียังมีตัวอย่างที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือคนบางคนถ้าหากเคยมีประสบการณ์อันนี้ด้วยตัวเองก็จะมีความแน่ใจว่าวิญญาณเป็นต้นกาเนิดของวัตถุจริงๆ ประสบการณ์ที่ว่านี้ก็คือบางคนในขณะที่นอนหลับสนิทจะรู้สึกว่าตัวของตัวเองได้ออกมาจากร่างกายและสามารถที่จะท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆไปเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งต่อมาภายหลังในเมื่อไปทดสอบดูแล้วก็ปรากฏว่าได้เห็นจริงตรงตามที่ได้เห็นในขณะที่นอนหลับทุกประการคนที่มีตัวออกมาในเวลาหลับเช่นนี้โดยปกติแล้วจะต้องเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนอยู่ และเห็นคนทุกคนในที่นั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่นึกเห็นไปเองคือหมายความว่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วไปสำรวจดูก็จะเห็นว่าตรงตามที่เห็นในขณะที่เป็นเหมือนกับฟันนั้นทุกอย่างและไม่เพียงแต่เห็นเท่านั้นถ้าใครพูดอะไรก็ได้ยินด้วยคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ในทางหลักวิชาก็มักจะเรียกกันว่าเจตพูด แล้วก็ถือกันว่าเวลาคนเรานอนหลับที่ฝันเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นก็คือเจตพูดออกไปเที่ยวและถือว่าทุกคนมีเจตพูดอยู่ในตัวอันนี้เป็นความเข้าใจผิดความจริงการที่บุคคลบางคนนอนหลับแล้วรู้สึกว่ามีตัวของตัวเองออกมานั้น น, นานๆเราจึงจะพบตัวอย่างสักรายหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วคนทั่วไปตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตาย จะไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้เลยและปรากฏการณ์ที่ว่านี้คือตัวอย่างหรือข้อพิสูจน์อันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตสมตรรถภาพในการสร้างชีวิตเกิดมาจากวิญญาณจริงๆปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญซึ่งหมายความว่าไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจแต่ก็เป็นปรากฏการอย่างเดียวกันกับบุคคลที่ได้มโนมยิธิ แต่แตกต่างกันตรงที่คนที่ได้มโนโมยิธินั้นสามารถที่จะสร้างกายทิพ์ขึ้นมาได้ตามความตั้งใจเมื่อต้องการจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปดูอะไรไปฟังอะไรไม่ว่าจะเป็นเวลาใดถ้าเป็นคนมีสมาธิถึงขั้นมโนมยิธิแล้วก็สามารถที่จะสร้างกายทิพ์ที่ว่านี้ได้ทุกครั้งตามความตั้งใจเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่ได้มโนโมยิธิได้ตาทิ ระลึกชาติได้จึงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคนประเภทนี้กล่าวาคือเขามีความแน่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดวิญญาณเป็นต้นกำเนิดของวัตถุแต่ถึงกระนั้นถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องนิพพานยังไม่รู้ถึงที่สุดของนามรูปก็อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องการเกิดของโลกหรือของสักรวาล อย่างที่ละที่ศาสนาบางศาสนาถือว่ามีอัตตาและถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกซึ่งความเข้าใจผิดที่ว่านี้จะละได้ก็ต่อเมื่อรู้แจ้งในเรื่องนิพพานเท่านั้นแนวความคิดที่ทำให้เชื่อว่ามีอัตตาหรือมีพระผู้เป็นเจ้านั้นถ้าศึกษามาตามแนวนี้ตั้งแต่แรกและศึกษามาให้ถูกวิธีตามแนวของเขา ก็จะพบว่ามีเหตุผลที่สนับสนุนความเชื่ออันนี้อยู่มากมายเพราะฉะนั้นคนที่มีความรอบรู้ในลัทธิศา ส, สนาที่ถือว่ามีอัตตาและมีพระผู้เป็นเจ้านั้นจึงมักจะฝังหัวไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่ายๆก็เพราะเขามีความแน่ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาว่าความเห็นของเขาถูกต้องและประโยชน์ที่เกิดจากความเชื่อตามแนวนี้ก็มีอยู่มากมาย แต่อย่างไรก็ดีลักที่ศาสนาที่ถือว่ามีอัตตาและมีพระผู้เป็นเจ้ากับมติในทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงก็เป็นมติที่พอจะเข้ากันได้เพราะเป็นมติที่ได้ข้อสังเกตได้ข้อเท็จจริงมาแบบเดียวกันมาแยกกันในตอนปลายที่พระพุทธเจ้าโดยสงค้นพบเรื่องอนัตตาได้สงค้นพบเรื่องนิพพานเพราะฉะนั้น พระองค์จึงได้ทรงปฏิเสธเรื่องอัตตาแล้วเรื่องพระผู้เป็นเจ้าและถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการปล่อยวางในเรื่องตัวตนซึ่งจะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยเด็ดขาดคำอธิบายที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้เป็นคำอธิบายโดยแนวสังเขปซึ่งแต่าหากจะแยกประเด็นแต่ละหัวข้อออกอธิบายกันอย่างละเอียดแล้วก็จะต้องเพิ่มหน้ากระดาษขึ้นอีกมากมายและข้าพเจ้าก็รู้อยู่ว่า คนที่จะอ่านคำตอบตามที่อธิบายมานี้เข้าใจจริงๆนั้นอาได้ ย, ยากมากแต่ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามก็ควรจะได้ฟังเอาไว้บ้างเพราะว่าบางทีสักวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะเข้าใจจริงๆด้วยตัวของตัวเองหมายเหตุผู้อ่าน ในเรื่องวิญญาณเป็นผู้สร้างวัตถุทุกอย่างนั้นถ้าจะมองแบบวิทยาศาสตร์ในทุกสรรพสิ่งมีหน่วยที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอมนั้นและต่อมามีการค้นพบและเชื่อว่ามีบางสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเรียกกันว่าอนุภาคพระเจ้าและในการทดลองในจักรวาลจําลองก็พบว่ามีการเกิดอนุภาคเจอความว่างเปล่าได้จริงถ้านําหลักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบได้ มาประมวลผลกับหลักทางพระพุทธศาสนาก็อาจเชื่อได้ว่ามีพลังงานบางอย่างซึ่งก็คือวิญญาณ น, นั่นเองเป็นตัวการที่สร้างอนุภาคขึ้นมาหรือเป็นต้นกำเนิดของการสร้างอะตอมที่เป็นหน่วยย่อยของสิ่งต่างๆซึ่งมีการเคลื่อนที่หมุนเวียนอยู่ภายในตลอดเวลามองแล้วก็คล้ายกับสิ่งมีชีวิตให้ลองคิดนะครับว่าในทุกสิ่งนั้นเมื่อแยกไปจนเป็นอะตอมไม่แยกอะตอม ก็จะมีโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนความต่างของธาตุนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอนท่านว่าการที่บางคนมีอิทธิปาฏิหาริเปลี่ยนวัตถุบางอย่างเป็นอีกธาตุหนึ่งได้นั้นก็เพียงแค่ใช้พลังจิตไปลดหรือเพิ่มอิเล็กตรอนจนทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นธาตุอื่นไปถ้ามองในแง่นี้ก็จะเห็นได้ว่าอิทธิปาฏิหารินั้นเป็นไปได้จริงแต่ก็เป็นไปได้ยากมากสําหรับคนที่จะฝึกได้ถึงขนาดนั้น เอาแค่จิตสงบจริงๆได้สักห้านาทีก็ยังยากเมื่อมองเห็นตามนี้แล้วก็ให้มองต่อไปนะครับว่าแล้วพลังงานอะไรที่ทำให้เกิดโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนมารวมกันในจำนวนที่เหมาะสมจนกลายเป็นธาตุหรือวัตถุต่างๆได้ถ้ามองเห็นกันจริงว่าวิญญาณคือพลังงานอย่างหนึ่งและมีอยู่หลายประเภทพลังเหล่านี้มีอยู่ทั่วไป มีอยู่ทั่วจักรวาลมีแทรกซึมอยู่ในทุกสรร พ, พสิ่งเป็นการยากที่จะเข้าใจนะครับว่าในทุกสรร พ, พสิ่งในวัตถุทุกอย่างนั้นมีวิญญาณซึ่งคนจะเข้าใจได้จริงนั้นก็ต้องเข้าใจความหมายความแตกต่างของวิญญาณที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทด้วยสําหรับเรื่องวิญญาณในวัตถุที่มีอยู่ในทุกสรร พ, พสิ่งนั้นจะเป็นวิญญาณประเภทย่อยอีกทั้งหากนะครับเป็นคนละอย่างกับวิญญาณสองประเภทหลัก ซึ่งท่านให้คำจำกัดความว่าวิญญาณแฝงเพื่อความเข้าใจง่ายอาจจะมองว่าเป็นพลังงานแฝงอย่างหนึ่งคล้ายความร้อนแฝงที่มีอยู่ในวัตถุแต่เป็นพลังงานฝ่ายนามธรรมซึ่งคนจะรู้แจ้งได้จริงต้องได้อภิญญาหรือสมาธิขั้นสูงพอก่อนเท่านั้นซึ่งในหนังสือเล่มนี้อาจารย์พรท่านก็ไม่ได้อธิบายหรือพูดถึงเรื่องวิญญาณแฝงนี้เท่าไหร่นักมีเพียงกล่าวถึงสั้นๆในบางช่วง แต่ท่านอธิบายไว้ในหนังสือเล่มอื่นอีกหลายเล่มในเวลาต่อมาน่าจะเพราะเป็นเรื่องปริตย่อยลงลึกที่เข้าใจยากต้องอธิบายกันมากจึงพูดถึงแต่ประเด็นสําคัญที่ต้องเข้าใจก่อนกับเรื่องวิญญาณสองประเภทหลักคือวิถีวิญญาณหรือจิตสํานึกกับผวังควิญญาณหรือจิตไร้สํานึกซึ่งท่านก็บอกไว้ก่อนแล้วนะครับว่าท่านยกมาอธิบายให้เข้าใจเบื้องต้นเพียงแค่2ประเภทก่อนเท่านั้นแต่ยังมีประเภทอื่นอีก แล้รายละเอียดเปรียบย่อยเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณ น, นั้นมีอีกมากและหากเข้าใจได้จริงก็จะรู้ว่าเมื่อวัตถุทุกอย่างมีวิญญาณการปรากฏของต้นไม้แม่น้าําภูเขาและสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็ล้วนเกิดมายัางมีความหมายเช่นเดียวกันคือเมื่อวิญญาณของแต่ละคนนั้นมีวิบากมีตัณหาคือความอยากได้สุขก็ย่อมต้องการมีชีวิตเมื่อต้องการมีชีวิตก็ต้องมีร่างกาย เมื่อมีร่างกายก็ต้องมีสภาพโลกที่เหมาะสมกับร่างกายนั้นน้าต้นไม้ภูเขาแร่ธาตุต่างๆก็เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการตอบสนองให้ได้ตามบุญตามบาปยังไม่นับกับธรรมชาติต่างๆที่เกิดมานั้นก็เป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยเกิดขึ้นมาแล้วและมีอยู่ในโลกของโอปปาติกะเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดมีข้อปลิดย่อยเยอะมากนะครับ ซึ่งต้องค่อยๆศึกษากันไปเมื่อท่านเข้าใจจุดที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปและเข้าใจจนถึงว่าต้นไม้ภูเขาแม่น้ำและโลกนี้ทั้งใบนั้นเกิดขึ้นมีได้เพราะวิบากในวิญญาณเป็นพลังความต้องการที่สะสมในจิตของแต่ละคนเป็นตัวดึงวิญญาณในวัตถุต่างๆให้มารวมตัวกันสร้างเป็นโลกสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการในการมีชีวิต และทรัพยากรต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นมารองรับเพื่อการใช้ชีวิตตามบุญตามบาปของแต่ละคนตามวิบากของตนได้จริงๆการเข้าใจเรื่องวิญญาณในแง่นี้ได้จริงนั้นจะส่งผลดีอย่างมากมายทั้งการเข้าใจในทางธรรมมองคําสอนและคําอธิบายธรรมต่างๆโดยเฉพาะจะทําให้เข้าใจในหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างลึกซึ้งมากขึ้นและเห็นได้ชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลตรงตามกับหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วย ท่านที่รู้สึกคันในใจก็อยากที่ลองเปิดใจศึกษาการอธิบายธรรมของครูบาอาจารย์แต่ละท่านนั้นบางครั้งอาจใช้สาปท์ี่ต่างกันออกไปเพื่อจุดประสงค์เน้นจุดสําคัญที่แตกต่างกันและบางครั้งบางท่านอาจใช้ศสา์เดียวกันแต่อธิบายคนละความหมายกันได้เช่นกันจึงควรมุ่งเน้นที่จุดประสงค์ความหมายที่ต้องการให้ตรงกับแนวทางของแต่ละท่านด้วยนะครับให้สังเกตนะครับว่าไม่ว่าคําสอนสายไหน หรือการอธิบายทำแบบไหนก็ตามถ้ามาถูกทางจะต้องมีจุดหมายตรงกันคือเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นเราหรือให้เห็นไตรลักษณ์ในกายใจนี้ให้ได้ในที่สุดปัญหาข้อที่สิบเจ็ด เจตพูดคืออะไรและเพราะเหตุไรคนส่วนมากเวลานอนหลับจึงไม่มีกายทิพต์ออกมาทําไมจึงมีเฉพาะแต่ในบุคคลบางคนเท่านั้นคนที่มีการทิพต์ออกมานี้เขามีลักษณะพิเศษอย่างไรและเด็กทารกที่ยังนอนแบะเบาะอยู่จะมีโอกาสถอดกายทิพต์หรือสร้างกายทิพต์ออกมาแล้วไปเที่ยวที่ไหนต่อที่ไหนได้หรือไม่ คำตอบข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าเจตพูดก็คือกายทิพย์ที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับโดยธรรมดาเวลานอนหลับคนที่จะมีกายทิพย์ออกมานั้นมีน้อยคนมากฉะนั้นปัญหาจึงได้เกิดขึ้นว่าเหตุายคนส่วนมากจึงไม่มีกายทิพย์ออกมาการทิพย์เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าคนที่จะมีกายทิพย์ออกมานั้น จะต้องเป็นคนที่นอนหลับสนิทจริงๆหลับจนกระทั่งสิ่งภายนอกไม่สามารถจะทำให้ประสาทตื่นตัวขึ้นมาได้ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาตื่นและในขณะที่หลับไปนั้นจิตก็ต้องสงบจริงๆคนที่จะนอนหลับได้อย่างนี้หาได้ยากมากนอกจากในจำพวกเด็กเล็กๆแต่ถึงกระนั้นก็ต้องหมายความว่าพื้นเดิมของเด็กคนนั้นจะต้องเป็นผู้มีจิตสงบด้วยจึงจะมีกายทิพย์ออกมาได้ การที่บุคคลบางคนนอนหลับสนิทแล้วมีกายทิพย์ออกมานั้นทั้งนี้เป็นไปได้ก็เพราะโดยธรรมชาติของวิญญาณ น, นั้นเมื่อร่างกายตายวิญญาณก็ต้องจุดติแล้วปฏิสนธิทันทีและเมื่อวิญญาณปฏิสนธิก็หมายความว่าจะต้องมีนามรูปเกิดขึ้นทันทีขอให้สังเกตว่าถ้าวิญญาณเป็นอิสระจากร่างกายไม่ติดอยู่ที่ร่างกายเมื่อไหร่มันจะต้องสร้างกายทิพย์ขึ้นมาอีกทันที คนที่นอนหลับสนิทและมีกายทิพย์ออกมานั้นก็เป็นเพราะวิญญาณเป็นอิสระจากร่างกายคล้ายกับคนที่เมื่อตายแล้วก็ต้องสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่อันหนึง่งเราจะต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าโดยธรรมชาติของวิญญาณมันมีอำนาจสร้างสรรร่างกายอยู่ตลอดเวลามันจะสร้างเมื่อไรก็สร้างได้ทันทีเช่นคนทั่วไปเมื่อนอนหลับและจะต้องฝัน คนที่นอนหลับไม่ฝันเลยนั้นมีอยู่ประเภทเดียวคือพระอระหันต์เท่านั้นนอกจากนี้เวลานอนหลับต้องฝันทุกรายบางคนที่บอกว่าฉันนอนหลับไม่ฝันนั่นก็เพราะตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้การสร้างกายทิพที่สมบูรณ์กับการสร้างภาพในเวลาฝันมีลักษณะคล้ายคลึงกันต่างกันแต่เพียงว่าชีวิตในความฝันยังไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์ ร่างกายของเราในความฝันจะเรียกว่ากายทิพก็ได้แต่เป็นกายทิพย์ที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีปราษาทสมบูรณ์หมายถึงปราษาทที่ใช้การได้เหมือนกับปราษาทธรรมดากายทิพที่สมบูรณ์จะต้องมีปราษาทเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถที่จะเห็นหรือได้ยินอะไรได้คิดอะไรได้เหมือนกับในเวลาตื่นการที่ชีวิตในความฝันไม่สมบูรณ์ ก็เพราะวิญญาณที่สร้างชีวิตในความฝันนี้เป็นวิญญาณที่มีกำลังน้อยพลังส่วนใหญ่ของวิญญาณได้ถูกใช้ไปนในการควบคุมร่างกายให้มีชีวิตอยู่ควบคุมให้อวัยวะต่างๆทำงานตามหน้าที่หรือถ้าจะพูดอีกในญ่าหนึ่งคนที่นอนหลับนั้นส่วนมากจิตใจยังฟุ้งซ่านไม่สงบซึ่งจะสังเกตไดจากการนอนหลับไม่สนิทและความฝันก็เ ป, ปะปาก ภาพในความฝันก็ไม่ชัดนี่แสดงถึงอาการฟุ้งซ่านพลังของมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะสร้างชีวิตในความฝันให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ส่วนผู้ที่นอนหลับสนิทจิตใจไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับร่างกายหรือพูดอีกในย่าหนึ่งจิตสงบมากจึงกระทั่งตัดขาดจากโลกภายนอกได้อะไรที่มากระทบทางประสาท ต, ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูก็ตามไม่อาจจะเล่าให้วิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ในกรณีที่นอนหลับสนิทเช่นนี้จิตสงบเช่นนี้จิตจะมีพลังสูงเพราะฉะนั้นจึงสามารถสร้างร่างกายขึ้นมาได้แล้วร่างกายที่สร้างขึ้นมานั้นก็สมบูรณ์ด้วยอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วคนที่ถอดกายทิพ หรือถ้าจะพูดให้ถูกคือผู้ที่สร้างกายทิพขึ้นมาได้ในเวลานอนหลับนั้นจะสามารถเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ยินเสียงต่างๆเหมือนกับในเวลาตื่นเป็นได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนกับที่คนอื่นเขาเห็นส่วนการเห็นอะไรต่างๆในเวลาฝันนั้นเป็นการเห็นได้เฉพาะแต่ภาพในใจของตัวภาพอะไรที่นอกเหนือไปจากภาพในใจแล้วไม่อาจที่จะมองเห็นได้ถึงแม้ในเรื่องเสียงและกลิ่น หรืออารมณ์อื่นๆก็เหมือนกันจะรู้สึกได้เฉพาะภายในจิตใจของตัวเองเท่านั้นจงพยายามสังเกตให้ดีว่าร่างกายในความฝันกับกายทิพย์ที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถจะไปไหนมาไหนได้เห็นอะไรได้ได้ยินอะไรได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนกับในเวลาตื่นหรือเหมือนกับที่คนอื่นเขาเห็นหรือได้ยินนั้นมีประเด็นที่แตกต่างกันอย่างไร ถ้าหากเราเข้าใจถึงหลักดังที่กล่าวมานี้ดีก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดอีกแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งเราจะพบว่าคนที่ป่วยหนักจนจะตายก็มักจะมีกายทิศออกมาเช่นอย่างบางคนก่อนที่จะตายมักจะฝันว่าตนเองได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่นั่นที่นี่ซึ่งสิ่งที่ไปเห็นมานั้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และบางทีคนที่ถูกเยี่ยมก็อาจจะฝันเห็นหรือบางทีไม่ได้ฝันแต่ก็เห็นได้ทั้งในเวลากำลังตื่นว่ามีคนนั้นคนนี้มาหาซึ่งต่อมาปรากฏว่าคนนั้นกำลังป่วยหนักหรือว่าเพิ่งจะตายภาพที่เห็นในลักษณะเช่นนี้จะเป็นภาพที่ฝังใจจำได้แม่นยำนี่ก็คือผู้ที่ป่วยหนักหรือบางทีอาจจะตายแล้วได้ไปหาคนนั้นจริงๆ และที่ไปได้ก็เพราะวิญญาณที่สร้างกายทิพย์ขึ้นมาและไปด้วยกายทิพย์อันนั้นอันหนึง่งโดยธรรมดาเด็กที่นอนแบะเบาะในเวลานอนหลับก็มักจะมีกายทิพย์ออกมาเสมอแต่เด็กบอกไม่ได้เพราะยังพูดไม่ได้และตามความรู้สึกของเด็กก็เข้าใจว่าบุคคลที่เขาเห็นในเวลานอนหลับนั้นก็คือคนจริงๆเด็กจะแยกไม่ออกว่า คนกับโอปปาติกะต่างกันอย่างไรการที่เด็กมีกายทิพย์ออกมาได้ง่ายก็เพราะว่าประสาทและสมองของเด็กยังไม่เจริญประสิทธิภาพของประสาทในการรับรู้อารมณ์ภายนอกมีน้อยเพราะฉะนั้นในเมื่อเด็กนอนหลับก็หลับได้อย่างสนิทพอหลับไปแล้ววิ ญ, ญญาณก็เป็นอิสระจากร่างกายรันลา ว, วิ ญ, ญญาณก็ได้สร้างกายทิพย์ขึ้นมาซึ่งก็เป็นไปตามกฎที่ว่า เมื่อวิ ญ, ญญาณจุติแล้วก็ต้องปฏิสนธิทันทีและสร้างนามรูปขึ้นมาทันทีแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนที่ตายแล้วไปเกิดใหม่มีร่างกายเกิดขึ้นมาใหม่นั้นสายใยแห่งชีวิตระหว่างร่างกายที่ตายกับวิญญาณขาดสะบั้นส่วนคนที่นอนหลับสนิทและสร้างกายทิพย์ขึ้นมานั้นสายใยแห่งชีวิตระหว่างวิญญาณกับร่างกายที่นอนหลับอยู่ยังไม่ขาดเพราะฉะนั้น วิญญาณจริงยังจุติไม่ได้ทิ้งร่างกายอันเก่าไม่ได้คนบางคนที่ป่วยหนักจนจะตายแล้วสลบไปพอตื่นขึ้นมาก็มักจะเล่าว่าได้ไปเห็นอะไรต่างๆซึ่งถ้าหากภาพที่เห็นนั้นชัดเจนฝังใจไม่ลืมเลยก็แสดงว่าในขณะที่สลบไปนั้นวิญญาณได้สร้างกายชิพขึ้นมาแล้วไปเที่ยวในที่ต่างๆไปพบเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆ และสายใยแห่งชีวิตระหว่างร่างกายกับวิญญาณยังไม่ขาดเพราะฉะนั้นจึงได้กลับฟื้นขึ้นมาอีกขอให้สังเกตว่าคนที่ได้มโนมนยิท ธ, ธิกับคนที่นอนหลับสนิทหรือคนที่ป่วยหนักและมีกายจิตออกมานั้นก็กดอย่างเดียวกันคือ <gerçekten> ถ้าวิญญาณเป็นอิสระจากร่างกายในขนาดพอสมควรแล้ว วิญญาณจะต้องสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาทันทีเพราะโดยธรรมดาของปุถุชนวิญญาณย่อมมีตัณหาอุปาทานฝังอยู่ในร่างกายอย่างเหนียวแน่นที่สุดและต้องการจะมีร่างกายอยู่ตลอดเวลาและวิญญาณจะสืบต่อได้ก็จะต้องมีร่างกายเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอิสระจากกายเนื้อมันก็สร้างกายทิพขึ้นมาทันทีและการที่มันสร้างได้ ก็เพราะความสามารถหรือวิบากในการสร้างสรรค์ได้มีอยู่แล้วเป็นปกติอันหนึง่งกายทิพเกิดขึ้นมาได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่หรือธรรมชาติอย่างอื่นก็เพราะตามหลักความจริงวัตถุทุกอย่างเกิดมาจากวิญญาณดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณปัญหาข้อที่ส8บชีวิตกับวิญญาณมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคำตอบ คนตายกับคนมีชีวิตต่างกันอย่างไรต้นไม้ที่ตายกับต้นไม้ที่มีชีวิตต่างกันอย่างไรเครื่องยนต์ที่ตายกับที่ไม่ตายต่างกันอย่างไรปัญหาต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะเข้าใจและตอบได้ด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่เด็กๆก็ตอบได้เพราะคนตายกับคนเป็นมีลักษณะที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นคนตายเคลื่อนไหวไม่ได้อวัยวะต่างๆหยุดทางาน ความรู้สึกต่างๆในร่างกายก็ไม่มีความเจริญเติบโตความงอกงามทุกอย่างหยุดหมดคนที่ตายไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้แล้วร่างกายเมื่อปราศจากชีวิตแล้วการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในร่างกายที่ตายนั้นก็เป็นไปนตามกฎเกณฑ์ของวัตถุทุกอย่างต้นไม้ที่ตายเรื่องจากที่ตายก็มีลักษณะเหมือนกันความตายทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ชีวิตตินสีขาดหรือหมดอายุชีวิตตินสีขาดหมายความว่าลักษณะทุกอย่างที่แสดงถึงความมีชีวิตได้หยุดลงและไม่มีการสืบต่อภายในร่างกายอันนั้นเช่นโดยธรรมดาหัวใจย่อมมีการเต้นอยู่เสมอคนที่ตายอาการเต้นหรือถ้าจะพูดให้ถูกอาการสูบฉีดโลหิตได้หยุดชะงักลงและไม่เต้นอีกต่อไป ก็แปลว่าตายอย่างนี้เป็นต้นก่อนที่เราจะตอบปัญหาว่าวิญญาณมีความสัมพันธ์อยู่กับชีวิตอย่างไรเราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตให้แจ่มแจ้งซยก่อนซึ่งตามความหมายของพระพุทธศาสนาชีวิตแปลว่าความเป็นไปคือหมายถึงลักษณะต่างๆที่แสดงให้เห็นว่ายังมีชีวิตยังเป็นไปอยู่ ก็แปล ว, ว่ายังมีชีวิตดังที่ได้อธิบายมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปคือเป็นปัจจัยให้เกิดร่างกายและพฤติกรรมต่างๆภายในร่างกายคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยละเอียดมีอยู่ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งขปเจ้าได้เคยเขียนไว้แล้วในหนังสือพุทธวิทยาเล่มหนึ่งและในคํญญาบรรยายพุทธปรัชญาเล่มหนึ่ง ในที่นี้ขออธิบายแต่เพียงสั้นๆเพื่อให้จำได้ง่ายๆดังที่กล่าวมาแล้วแต่ถ้าจะจําให้เป็นหลักวิชาก็ควรจะจําว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปก็คือเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาติรูปวิญญาติรูปแปล ว, ว่ารูปที่มีความหมายหรือตามศัพท์แปล ว, ว่ารูปที่อย่างผู้อื่นให้รู้ความหมาย ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าวิญญาณได้เป็นปัจจัยให้เกิดรูปมาตั้งแต่ปฏิสนธิคือเมื่อไข่กับสเปิร์มได้ผสมกันแล้วและมีวิญญาณมาปฏิสนธิในไข่ที่ได้ผสมไว้นี้เมื่อไหร่วิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาติรูปตั้งแต่ขณะจิตแรกนั้นเป็นต้นมาการที่ไข่ได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนก็เพราะได้อาศัยวิญญาติรูปกล่าวคือ การเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมที่มีความหมายการที่พฤติกรรมต่างๆมีความหมายก็เพราะเกิดมาจากวิญญาณสิ่งใดถ้าเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นย่อมมีความหมายเรื่องนี้ได้เคยอธิบายมามากแล้วจากหลักพระพุทธศาสนาที่อ้างมานี้ย่อมถือได้ว่าวัตถุต่างๆซึ่งมาก่อนไร้ชีวิตแต่แล้วเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้ ก็เราอาศัยวิญญาณร่างกายที่ปราศจากวิญญาณย่อมปราศจากชีวิตโปรดนึกถึงพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะใช้เป็นคาถาบางสุกุลคือพุทธพจน์ ท, ที่ว่าอาจิรังวัตยังกายโยปัตถวิงอธิเสสติจุดโดอเปตาวิญญาโนมิรัตังวะกะลิงขาลังกายนี้อีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะนอนทับทมแผ่นดิน กายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณแล้วเขาก็จะเอาไปทิ้งเพราะไร้ค่าเหมือนกับท่อนไม้จงสังเกตคำว่ากายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็ไร้ค่าเหมือนกับท่อนไม้ในมหานิทานสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อีกว่าถ้าวิญญาณจุติจากร่างกายเมื่อไหร่ร่างกายก็จะตายเมื่อนั้น และจงนึกถึงชีวิตของพวกโอปปาติกะซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันชีวิตพวกนี้ยิ่งเห็นได้ชัดพอวิญญาณเกิดร่างกายก็เกิดขึ้นทันทีและเป็นร่างกายที่มีชีวิตพอวิญญาณจุติร่างกายก็จะตายทันทีและอันตรฐานสูญหายไปเลยไม่มีซากปรากฏเหลืออยู่เหมือนร่างกายมนุษย์ในโลกของโอปปาติกะไม่มีการฝังหรือการเผา เราถ้าใครตายร่างกายก็จะหายไปทันทีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รอบรู้ในชีวิตทุกประเภทฉะนั้นจึงได้บอกถึงที่มาของชีวิตได้ถูกต้องปัญหาที่นักชีววิทยามักจะถามกันว่าชีวิตคืออะไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้เพราะนักวิทยาศาสตร์ในฝ่ายวัตถุนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องวิญญาณและไม่มีเครื่องมือที่จะพิสูจน์ เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงตอบปัญหาว่าชีวิตคืออะไรไม่ได้โปรดจำหลักสั้นๆไว้ว่าเมื่อชีวิตเกิดวิญญาณก็เกิดเมื่อวิญญาณดับชีวิตก็ดับวิญญาณเป็นที่มาของชีวิตบางคนอาจจะสงสัยว่าชีวิตเกิดมาจากวิญญาณก็จริง แต่วิญญาณเล่าเกิดมาจากอะไรเพราะปรากฏว่าถ้าทำให้ชีวิตตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งวิญญาณก็ดับเหมือนกันการกระทำให้วิญญาณดับนั้นไม่ยากเอาปืนยิงที่สมองหรือที่หัวใจวิญญาณก็ดับจากข้อเท็จจริงอันนี้ทำให้เข้าใจว่าวิญญาณเกิดจากชีวิตถ้าทำให้ชีวิตดำรงอยู่วิญญาณก็ดารงอยู่เมื่อทาให้ชีวิตเกิดวิญญาณก็เกิด วิธีที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ก็เช่นถ้าคอยระมัดระวังไม่ให้ร่างกายเป็นอันตรายไม่ให้เจ็บป่วยถึงตายคอยให้อาหารให้น้ำให้อากาศสำหรับหายใจอยู่เสมอร่างกายก็มีชีวิตอยู่ได้นักวิทยาศาสตร์บางคนเลยเข้าใจว่าชีวิตเกิดจากกรรมวิธีแบบการสร้างเครื่องจักรและผู้ที่สร้างเครื่องจักรคือชีวิตก็คือธรรมชาติ วิญญาณก็เกิดจากการมีชีวิตเช่นเดียวกับเมื่อเราประกอบเครื่องจักรให้ถูกตามกฎธรรมชาติคือตามกฎแมชินิกก็จะมีกำลังงานเกิดขึ้นถ้าเครื่องจักรเสียกำลังงานก็หมดไปนักวิทยาศาสตร์เรียบวิญญาณเหมือนกับกำลังงานที่เกิดจากเครื่องจกักรนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเห็นอย่างนี้ก็มักจะลงความเห็นว่าคนเราตายแล้วก็ศูนย์วิญญาณหลังจากตายไม่มี มติของนักวิทยาศาสตร์ดังที่กล่าวมานี้ทางพระพุทธศาสนาก็ทราบเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้แล้วว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปแล้วรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งอาจจะแปลถอดความมาง่ายๆว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดชีวิตและชีวิตก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณกับชีวิตไม่ใช่สิ่งสิ่งเดียวกันแต่มีความสัมพันธ์กัน เช่นชีวิตของร่างกายเกิดขึ้นและดำรงอยู่ก็เพราะอาศัยวิญญาณและในทำนองเดียวกันวิญญาณจะยังคงมีอยู่ในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายยังมีชีวิตถ้าร่างกายหมดชีวิตวิญญาณก็ต้องจุติจุติหมายถึงการเคลื่อนจากพบนั้นหรือจากพบหนึ่งไปสู่พบอื่นซึ่งหมายถึงตายนั่นเองแต่การจุติ ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณศูนย์การจุติเป็นแต่เพียงการดับไปชั่วขณะจิตหนึ่งแต่แล้ววิญญาณจะต้องเกิดอีกซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิเมื่อใดมันก็สร้างรูปคือร่างกายขึ้นมาอีกเมื่อนั้นและเมื่อรูปเกิดก็จะทำให้วิญญาณสืบต่ออยู่ในรูปนั้นต่อไปอีกระับเท่าที่รูปนั้นยังไม่ดับคือยังไม่หมดชีวิต วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเมื่อต้องการที่จะทราบว่ามันหมุนเวียนอย่างไรเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรจะต้องศึกษาจากเรื่องปฏิจจสมุขบาทมีหลักวิชาอันนี้อันเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราเข้าใจชัดเจนหมดข้อสงสัยว่าชีวิตกับวิญญาณ มีความสัมพันธ์กันอย่างไรมหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นแนะนำให้ฟังจากเสียงอ่านพุทธธรรมฉบับปรั บ, บขยายซึ่งจำรวมผลดีได้จัดทำเวลานะครับ ปัญหาข้อที่1 9ในเมื่อคนเราจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยวิญญาณมาเกิดในท้องแม่เมื่อก่อนคนในโลกมีจำนวนน้อยแต่ทุกวันนี้คนเพิ่มกว่าเมื่อก่อนมากมายคนที่เกิดใหม่เหล่านี้ได้วิญญาณมาจากไหนวิญญาณมีจำนวนจำกัดหรือไม่จากจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้ทำให้เข้าใจว่าวิญญาณน่าจะเกิดจากชีวิต คือเมื่อมีชีวิตเกิดขึ้นวิญญาณก็เกิดเมื่อชีวิตมีการสืบพันมีการขยายตัววิญญาณก็มากขึ้นตามชีวิตเมื่อชีวิตดับวิญญาณก็ศู์เมื่อชีวิตเกิดขึ้นมาอีกวิญญาณก็เกิดขึ้นมาอีกความจริงน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าหรือย่างไรกันแน่คำตอบข้าพเจ้าได้เคยอธิบายมาแล้วว่าโดยหลักใหญ่ หรือโดยหลักทั่ ว, วไปวิญญาณก็เกิดมาจากชีวิตเหมือนกับกำลังงานเกิดมาจากเครื่องจักรเมื่อเครื่องจักรเสียกำลังงานก็หมดไปแต่ข้าพเจ้าก็ได้แยกประเด็นออกมาให้ทราบแล้วว่ากฎอันนี้ใช้ได้สำหรับชีวิตชั้นต่ำเท่านั้นคือชีวิตที่ยังไม่มีสมองหรือระบบประสาทเกิดขึ้นหรือชีวิตของพืชโดยทั่วไปชีวิตพวกนี้วิญญาณในตัวของมันเกิดขึ้นจากระบบชีวิตนั่นเอง เมื่อชีวิตยังอยู่วิญญาณก็ยังอยู่เมื่อชีวิตดับวิญญาณก็ดับวิญญาณในชีวิตประเภทนี้ไม่มีการจุติปฏิสนธิเหมือนกับวิญญาณของชีวิตชั้นสูงแต่อย่างไรก็ดีเราควรจะทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งกับคําว่าวิญญาณดับไม่ได้หมายความว่าวิญญาณศูนย์แต่มันหมายถึงปรากฏการของวิญญาณไม่มี เหมือนกับเปลวไฟที่ดับไปจะว่าศูนย์ก็ได้แต่เมื่อพิจารณาให้ซึ้งหรือพิจารณาดูอีกแง่หนึ่งก็หมายความว่ามันดับไปชั่วคราวแต่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกในเมื่อปัจจัยของมันยังมีอยู่เช่นไฟที่ดวงเทียนดับไปเพราะลมพัดในเมื่อเทียนยังดีอยู่ไส้ ย, ยังดีอยู่ก็อาจจะจุดให้มีเปลวไฟเกิดขึ้นมาอีกได้หรือนีนเมื่อเทียนอ น, นั้นต์หมดไปแล้ว ใจก็ไม่หมดไปแล้วสำหรับเทียนเล่มนั้นก็เป็นอันว่าจะทำให้เกิดเปลวไฟขึ้นมาอีกไม่ได้แต่ในเมื่อเราไปหาขี้พึ่งหรือไขมันมาทำเป็นเทียนขึ้นมาอีกก็ยอมจะทำให้มีเปลวไฟเกิดขึ้นมาได้อีกในแง่หนึ่งวิญญาณเปรียบเหมือนเปลวไฟการเกิดของวิญญาณเปรียบเหมือนการเกิดของเปลวไฟขอให้สังเกตให้ดีว่าในวัตถุทุกอย่างก็มีไฟอยู่แล้ว คือมีความร้อนแฝงแม้ว่าเปลวเทียนจะดับแต่ในไส้ก็ดีในตัวเทียนก็ดีมันก็ยังมีไฟอยู่คือมีความร้อนแฝงเปลวไฟเกิดขึ้นก็เพราะความร้อนที่มีอยู่แล้วนั้นมีปริมาตรสูงขึ้นจนกระทั่งถึงขีดทำให้เกิดการลุกไหม้ทั้งนี้ก็เพราะอาศัยปัจจัยอย่างอื่นเช่นอาศัยการจุดหรือการเสียสีที่ทาให้อนูของวัตถุนั้นมีความเคลื่อนไหวเร็วขึ้น ความร้อนก็สูงขึ้นและในเมื่อมีปัจจัยอย่างอื่นเช่นมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนในอากาศก็จะทําให้เกิดเปลวไฟขึ้นมาคนก็ดีสัตว์ก็ดีพืชทั้งหลายก็ดีแม้จะตายแล้วก็ตามแต่วิญญาณก็ยังคงมีอยู่ในร่างที่ตายนั้นวิญญาณที่เหลืออยู่ก็คือวิญญาณแฝงหรือวิญญาณในวัตถุเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยอธิบายมาแล้วในปัญหาข้อที่หนึ่ง คนที่จะเข้าใจถึงเรื่องวิญญาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นอย่างในกรณีที่คนเพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนมากมายหรือมแมลงบางชนิดเช่นตักกแตนหรือหนอนที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูกจนถึงกับต้องทําการปราบปรามกันเป็นการใหญ่อันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาว่าสัตว์เหล่านี้ได้วิญญาณมาจากไหนคนที่จะเข้าใจถึงเรื่องปัญหาที่ว่านี้จะต้องเข้าใจถึงเรื่องวิญญาณในวัตถุ หรือวิญญาณแฝงให้ชัดเจนเสีย ก, ก่อนรันแล้วจึงแยกประเด็นออกพิจารณาว่าวิญญาณมีสองประเภทคือวิญญาณชนิดที่เคลื่อนที่ได้คือสามารถไปปรากฏในที่ไกลได้ซึ่งได้แก่วิญญาณของสัตว์ชั้นสูงวิญญาณพวกนี้มีการจุติปฏิสนธิและอีกอย่างหนึ่งคือวิญญาณที่เคลื่อนที่ไม่ได้คือไม่สามารถจะไปปรากฏในที่ไกลได้ เช่นวิญญาณในพืชหรือในสัตว์ชั้นต่ำวิญญาณพวกนี้ไม่มีการเคลื่อนที่เกิดที่ไหนดับที่นั่นอันหนึ่งวิญญาณของสัตว์ชั้นสูงนั้นอันที่จริงโดยธรรมชาติของมันแท้ๆก็เหมือนกับวิญญาณชั้นต่ำคือเกิดที่ไหนดับที่นั่นสังกัมมณะความก้าวไปของวิญญาณไม่มีเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นสําหรับวิญญาณประเภทนี้เมื่อมันดับแล้ว ก็สามารถที่จะปรากฏในที่ไกลๆไปสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ในที่ไกลไกได้ตัวอย่างเช่นคนเราเมื่อตายที่เมืองไทยก็อาจจะไปเกิดที่ประเทศอังกฤษที่อเมริกาหรืออาจจะไปเกิดในโลกอื่นในจักรวาลอื่นก็ได้วิญญาณที่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนคือหมายถึงไปปรากฏไปเกิดได้ไกลไกลเช่นนี้โดยปกติเป็นวิญญาณที่มีสมรรถภาพสูงคือเป็นวิญญาณที่สามารถสร้างสมอง สร้างระบบประสาทขึ้นมาได้แล้วเมื่อเราเข้าใจความเป็นไปของวิญญาณทั้งสองประเภทดังที่กล่าวมาแล้วเราก็จะค่อยเข้าใจขึ้นว่าเหตุไรพวกเชื้อโรคพวกพืชหรือพวกสัตว์ชั้นต่ำโดยทั่วไปจึงขยายตัวได้รวดเร็วและขยายไปได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดทีนี้ก็มาถึงปัญหาของพวกสัตว์ที่มีสมองซึ่งพวกนี้จะต้องได้วิญญาณจากที่อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงจะเกิดขึ้นมาได้ ในเมื่อจะต้องอาศัยวิญญาณจากที่อื่นเช่นนี้สัตว์บางประเภทที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆหรือคนที่มากขึ้นโดยลำดับเช่นนี้ได้วิญญาณมาจากไหนสำหรับปัญหาข้อนี้เราจะต้องเข้าใจซสก่อนว่าชีวิตมีวิวัฒนาการซึ่งในความหมายที่แท้จริงก็คือวิญญาณมีวิวัฒนาการโดยหลักทั่วไปแล้ววิญญาณของสัตว์ประเภทหนึ่ง อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทอื่นได้ในเมื่อมันมีลักษณะใกล้เคียงกันหรือมีสันดานบางอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่สัตว์บางประเภทมีจำนวนมากขึ้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะวิญญาณของสัตว์ประเภทอื่นอาจจะมาเกิดหรือไม่เช่นนั้นวิญญาณของสัตว์ประเภทเดียวกันซึ่งได้ตายไปแล้วและในขณะนั้นคือก่อนที่จะมาเกิดนั้นได้อยู่ในสภาพที่เป็นโอปปาติกะ พวกนี้ก็มาเกิดได้เพราะฉะนั้นในเมื่อวิ ญ, ญญาณประเภทไหนมีการสืบพันธุ์ดีมีโอกาสที่จะขยายตัวได้มากวิญญาณของสัตว์ประเภทนั้นก็อาจจะจุติจากชีวิตที่เป็นโอปปาติกะมาเกิดเป็นชีวิตในโลกนี้ได้และในทำนองเดียวกันการที่คนในโลกนี้มีจํานวนมากขึ้นวิ ญ, ญญาณที่มาเกิดก็มีที่มาหลายทางเช่นมาจากสัตว์ ที่ค่อยๆวิวัฒนาการมาเป็นคนและจากคนที่เป็นโอปปาติกะซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เองมาเกิดเป็นคนในโลกนี้เองและจากวิญญาณของคนในโลกอื่นหรือจากโอปปาติกะในโลกอื่นก็สามารถที่จะมาเกิดเป็นคนในโลกนี้ได้อันหนึ่งขอให้เข้าใจว่าโดยธรรมดาวิญญาณที่ยังมีกิเลสยังมีวิบากของกรรมอยู่ วิญญาณประเภทนี้จะไม่มีการสูญความเป็นตัวตนของมันมันจะรักษาบุคลิกภาพหรือความเป็นตัวตนของมันอยู่ได้ตลอดไปและมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่คนในโลกนี้ในเมื่อมีความเจริญมากขึ้นในทุกๆด้านรวมทั้งในด้านศิลธรรมด้วยปริมาณของคนก็จะมากขึ้นโดยลำดับแต่แล้วในที่สุดชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ก็จะต้องมาถึงจุดจบคือพากันตายหมดไม่มีเหลือ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะน้ำท่วมโลกหรือไฟไหม้โลกซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อถึงจุดนั้นวิญญาณของคนทั้งหมดซึ่งมีจำนวนมากกว่าพ ล, ลโลกเดี๋ยวนี้หลายเท่าแม้ว่าจะได้สูญไปจากโลกแต่คนเหล่านี้ก็ไปมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปาติกะในภูมิใดภูมิหนึ่งซึ่งแล้วแต่วิบากของแต่ละบุคคลสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันและข้อเท็จจริงอันนี้ แน่นอนจะต้องเคยมีมาแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีความรู้ในเรื่องชีวิตอย่างกว้างขวางและมีสมาธิดีถึงขั้นที่มองเห็นโอปปาติกะทุกคนก็จะบอกความจริงในเรื่องนี้ได้ตรงเหมือนกันหมดเช่นเขาจะบอกว่าเฉพาะพวกโอปปาติกะที่เป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี่เองก็ยังมีจํานวนมากกว่าพลโลกที่มีอยู่เดียวนี้หลายเท่าซึ่งพวกนี้ก็พร้อมที่จะเกิดเป็นคนในเมื่อถึงเวลาของเขา ลองคิดดูก็ได้มนุษย์เราจะอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ก็เฉพาะในที่บางแห่งที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ได้เท่านั้นในน้ำในป่าที่ไม่มีบ้านตามต้นไม้ในอวกาศและในที่กันดานแห้งแลง้งคนเราอยู่ไม่ได้แต่พวกโอปปาติกะสามารถที่จะอยู่ได้ในที่ต่างๆเช่นในน้ำก็อยู่ได้อย่างที่เราเรียกกันว่าผีพรายผีทะเลผีเสื้อสมุทร อยู่ตามป่าตามเขาก็ได้ซึ่งเรียกกันว่าผีป่าหรือเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ตามต้นไม้ก็ได้ซึ่งเรียกกันว่าลุกข้เทวดาอยู่ในอากาศก็ได้ซึ่งเรียกว่าอากาศัตวเทวดาอย่างนี้เป็นต้นสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้พิจารณาดูจากคำแปลในบทชุมมเทวดา ซึ่งผู้ที่แต่งขึ้นมาเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะกว้างขวางมากบทชุมนุมเทวดานั้นขึ้นต้นด้วยคำว่าสัตขกาเมจรูเปเป็นต้นท่านจะได้ยินบทนี้เสมอในเวลาพระสวดมนต์เย็นในบทนี้แหละที่พันนาว่าปกโอปปาติกะอยู่ที่ไหนบ้างสําหรับผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้และไม่ยอมเชื่อก็เป็นธรรมดาอยู่เอง ที่จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิยายไปแต่สำหรับผู้ที่รู้จริงทุกคนเขาจะยืนยันได้เป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องโอปปาติกะที่พันณ า, าไว้ในบทชุมนุมเทวดานั้นเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากความจริงปัญหาข้อที่ยี่สิบ ปัญหาอันหนึ่งที่คนสนใจกันมากที่สุดก็คือเมื่อเชื่อว่าคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณย่อมไปเกิดใหม่วิญญาณไปได้อย่างไรในเมื่อวิญญาณเปรียบเหมือนเปลวไฟคือเกิดที่ไหนดับที่นั่นสังกรรมนะซึ่งแปลว่าการก้าวไปของวิญญาณไม่มีคำตอบ การศึกษาเรื่องวิญญาณมีอยู่สองอย่างกล่าวคืออย่างหนึ่งศึกษากันอย่างหยาบๆเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษาในขั้นละเอียดลึกซึ้งซึ่งจะต้องพูดหรืออธิบายถึงสภาวะแท้ๆของวิญญาณเรียกว่าเป็นการศึกษาในขั้นปรมัตา์การศึกษาทั้งสองขั้นนี้ถ้าหากเอามาปนกันก็จะทาให้เกิดการฟั่นเฟือ ผู้อธิบายจะต้องรู้ว่าควรจะอธิบายในขั้นไหนจึงจะเหมาะแก่สติปัญญาของผู้ฟังและผู้ฟังก็ควรจะรู้ว่าการอธิบายในลนักษณะอย่างนี้เป็นการอธิบายอย่างหยาบๆหรือว่าเป็นการอธิบายอย่างละเอียดการอธิบายอย่างหยาบๆแน่นอนเหลือเกินว่าจะพูดให้หมดเปลือกนั้นย่อมทำไม่ได้หรือจะพูดให้ถูกต้องจริงๆก็ทำไม่ได้ส่วนมาต้องใช้อุปมา จึงะเข้าใจได้ง่ายแต่การใช้อุปมานั้นสำหรับคนฟังที่ไม่รู้จักขอบเขตของอุปมาก็มักจะเข้าใจผิดเช่นอย่างในกรณีที่เปรียบว่าความตายก็เหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าเกา่าแล้วเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่หรือเปรียบเหมือนกับการย้ายจากบ้านหลังเกา่าไปอยู่บ้านหลังใหม่หรือเปรียบเหมือนกับการเดินทางไปต่างประเทศ อุปมาต่างๆเหล่านี้ทำให้เข้าใจง่ายก็จริงแต่ก็ต้องรู้ถึงขอบเขตว่าที่อุปมาเช่นนี้ต้องการจะเปรียบเทียบในแง่ไหนอย่ายึดมั่นข้ออุปมาจนเกินไปและสำหรับคนที่ยังไม่อาจจะเข้าใจถึงความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งได้ก็อย่าคิดให้มากหรือคิดให้ไกลเกินไปควรจะทำความเข้าใจและเชื่อเฉพาะแต่ในสิ่งที่ตัวเองพอจะเข้าใจได้ไปก่อนแต่ก็อย่าลืมว่า ในเมื่อตัวเองยังไม่ได้ศึกษาในขั้นละเอียดแล้วความเข้าใจเท่าที่มีอยู่นั้นย่อมจะยังไม่สมบูรณ์ยังจะต้องมีความเข้าใจผิดทรางอยู่ด้วยเสมอคนเราเมื่อตายแล้ววิญ ญ, ญ, ญ, ญาณย่อมไปเกิดใหม่วิญญาณไปได้อย่างไรถ้าหากจะอธิบายปัญหาข้อนี้ให้กับเด็กหรือคนที่มีการศึกษาน้อยมีสติปัญญาไม่กว้างขวางการอธิบาย ควรจะต้องใช้ข้ออุปมามาประกอบให้มากแต่ก็ต้องมีจุดหมายที่จะให้เกิดความเชื่อว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วจะต้องเกิดอีกใครจะเกิดเป็นอะไรและไปเกิดในที่ไหนก็สุดละวแต่กรรมที่ได้ทำไว้สำหรับการอธิบายให้กับคนประเภทนี้ไม่ควรจะอธิบายความหมายของวิญญานอย่างละเอียดเพราะถ้าเขินพูดมากคนฟังจะฟั่นเฟือ และในที่สุดก็จะจับหลักอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นการอธิบายโดยการใช้ข้ออุปมาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ยึดถือตามแนวที่ต้องการจะให้เข้าใจดังที่กล่าวมา น, นั้นเอาไว้ก่อนแต่สำหรับคนที่มีการศึกษากว้างเป็นคนชอบคิดชอบสงสัยและมีพื้นฐานความรู้ต่างๆพอที่จะเข้าใจได้การอธิบายดังต่อไปนี้จะทาให้คนประเภทนี้ เข้าใจได้โดยกระจ่างหมดข้อสงสัยก่อนอื่นจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าวิญญาณมีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่เสมอทุกขณะเหมือนกับเปลวไฟซึ่งเกิดที่ไหนดับที่นั่นจุดนี้จะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งที่สุดและขอให้นึกถึงตัวอย่างจริงๆเช่นการเห็นการได้ยินและความรู้สึกนึกคิดต่างๆความรู้สึกเหล่านี้จะสังเกตได้ว่า เกิดขึ้นมาเพียงชั่วขณะแล้วก็ดับแต่แล้วก็เกิดใหม่ได้อีกในเมื่อปัจจัยของมันยังมีอยู่ขอให้นึกถึงเรื่องเปลวไฟซึ่งมีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่เสมอจงสังเกตว่าในเมื่อไส้ยังมีอยู่น้ำมันยังมีอยู่อากาศที่จะช่วยให้ไฟลุกยังมีอยู่เปลวไฟจะต้องสืบต่ออยู่ตลอดไปหรืออีกนัยยะหนึ่งมเมล็ดผลไม้ชนิดไหนก็ตาม แต่าหากมันยังดีอยู่และดินฟ้าอากาศที่จะอำนวยให้มันเกิดก็ยังมีอยู่ต้นไม้ชนิดนั้นมเมล็ดพือชนิดนั้นจะต้องมีอยู่ตลอดไปขอให้สังเกตว่าต้นไม้ที่เกิดใหม่เช่นต้นมะพร้าวแม้จะไม่ใช่ต้นเดิมมาเกิดแต่ก็เหมือนต้นเดิมเพราะมันเกิดมาจากลูกของมันและลูกของมันก็เกิดมาจากต้นของมันสืบต่อกันอยู่อย่างนี้ ในทํานองเดียวกันวิญญาณที่มีอยู่ในขนณะนี้กับวิญญาณที่เกิดใหม่ไม่ใช่วิญญาณอันเดียวกันแต่ก็อาจจะมีลักษณะเหมือนกันได้ในเมื่อปัจจัยที่จะทำให้มันเกิดมีลักษณะอย่างเดียวกันเช่นวิบากซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดวิญญาณยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้วิญญาณที่เกิดใหม่กับวิญญาณอันเก่าที่ดับไปแล้วทั้งที่ไม่ใช่วิญญาณอันเดียวกัน แต่ก็มีลักษณะเหมือนกันได้และด้วยเหตุ น, นี้เองคนที่ตายในชาตินี้เมื่อไปเกิดใหม่ไม่ว่าจะไปเกิดในที่ไหนก็ยังจำได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันเพราะวิญญาณที่เกิดใหม่มันสืบเนื่องมาจากวิบากเกา่าและมีลักษณะเหมือนวิญญาณอันเก่าทุกอย่างการที่จะเข้าใจในปัญหาที่ว่า ตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่ไปได้อย่างไรจะต้องเข้าใจประเด็นที่สำคัญอีกแง่หนึ่งกล่าวคือวิญญาณย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองคืออาศัยวิบากซึ่งมีอยู่ในตัวของมันทำให้วิญญาณเกิดขึ้นมาอีกตามหลักปฏิจตจัสถบัตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าสังขารยังมีอยู่วิญญาณต้องมีอีก คือจะต้องเกิดอีกหรือปฏิสนธิอีกถ้าสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีสังขารในคนํานี้หมายถึงวิบากโปรดจําให้ดีว่าสังขารในเรื่องปฏิจจสมุปบาทหมายถึงวิบากซึ่งเป็นนามธรรมไม่ใช่หมายถึงร่างกายซึ่งเป็นรู ป, ปรธรรม สังขารคือวิบากเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณข้อนี้จะต้องเข้าใจอย่างจำแจ้งมากไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่ได้อย่างไรและจงสังเกตว่าโดยธรรมดาเท่าที่คนทั่วไปรู้กันนั้นวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยประสาทจะต้องอาศัยความมีชีวิตคนที่ตาบอดหรือหวหนวก การเห็นการได้ยินย่อมเกิดขึ้นไม่ได้คนที่สมองพิการความคิดอ่านก็บกพร่องและถ้าหากพิการมากก็อาจจะถึงกับสลบหมดความรู้สึกนึกคิดไปเลยจงจาให้ดีว่าคาว่าวิญญาณเกิดหมายถึงความรู้สึกนึกคิดเกิดเช่นการเห็นเกิดขึ้นหรือการได้ยินเกิดขึ้นก็เรียกว่าวิญญาณเกิด เมื่อการเห็นหรือการได้ยินดับเราเรียกว่าวิญญาณดับและในทำนองเดียวกันเมื่อร่างกายตายชีวิตดับวิญญาณก็จะต้องดับคือความรู้สึกนึกคิดทุกๆอย่างภานในร่างกายดับหมดไม่มีเหลือและตอนนี้ลหละที่ทำให้คนสงสัยว่าตายแล้ววิญญาณจะเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรทั้งนี้ก็เพราะเคยแต่เข้าใจว่าวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้ จะต้องอาศัยร่างกายอาศัยความมีชีวิตอาศัยสมองอาศัยประสาทต่างๆก็นในเมื่อสิ่งเหล่านี้ชารุดเสียหายจนใช้การไม่ได้แล้ววิญญาณจะเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรค้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าวิญญาณสามารถเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองคืออาศัยวิบากต่างๆซึ่งมีอยู่ในวิญญาณไม่จาเป็นจะต้องอาศัยร่างกายหรืออาศัยประสาทเท่านั้น มันจึงจะเกิดขึ้นมาได้แต่ตรงกันข้ามท่าในวิญญาณยังมีวิบากยังมีตันหาอุปาทานเหลืออยู่แม้วิญญาณจะดับพร้อมกับชีวิตก็จริงแต่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกได้และคำว่าเกิดขึ้นมาอีกในที่นี้หมายความว่าจะมีการเห็นการได้ยินหรือความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นมาอีกและที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่ง นอกจากร่างกายวิญญาณกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันร่างกายเป็นรูปธรรมแต่วิญญาณเป็นนามธรรมและ ว, วิญญาณคือตัวการที่สร้างร่างกายสร้างสมองสร้างประสาทสร้างตาหูจมูกลิ้นสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นส่วนต่างๆของร่างกายข้อพิสูจน์ก็คือสิ่งใดถ้าเกิดขึ้นมายัางมีความหมายก็หมายความว่าสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นมาจากวิญญาณ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแต่ในแง่เดียวว่าวิญญาณย่อมเกิดขึ้นมาจากร่างกายแต่ควรจะคิดอีกง่าหนึ่งคือร่างกายย่อมเกิดมาจากวิญญาณโดยธรรมดาร่างกายย่อมมีอยู่สองแบบคือกายเนื้อกับกายทิพกายเนื้อก็เช่นกายของมนุษย์กายทิพก็คือกายของพวกโอปปาติกาทั้งหลาย แม้แต่กายเนื้อเองจะเกิดหรือจเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณมาเกิดในท้องแม่คือมาปฏิสนธิในไข่ที่ได้ผสมเอาไว้แล้วถ้าวิญญาณยังไม่มาปฏิสนธิไข่ที่ผสมไว้นั้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้เป็นอันขาดเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบได้ทางทิพยจักสุแต่คนธรรมดาไม่มีทิพยจักสุจึงไม่อาจที่จะเข้าใจและมักจะไม่ยอมเชื่อ อันหนึ่งกายเนื้อจะเกิดขึ้นมาได้แม้จะต้องอาศัยวิญญาณก็จริงแต่ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างการเกิดของกายเนื้อค่อยเป็นค่อยไปไม่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนการเกิดของกายทิพย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงขณะจิตเดียวก็เป็นร่างกายที่ใช้การได้ทุกอย่างในขณะจิตแรกที่วิญญาณเกิดนั่นเองและมีกฎตายตัวอีกอย่างหนึ่งว่า ทันทีที่วิญญาณเกิดนามรูปจะต้องเกิดทันทีและเมื่อวิญญาณเกิดแล้วนามรูปจะไม่เกิดเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะในหลักปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปซึ่งหมายความว่าเมื่อวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิดถ้าวิญญาณไม่เกิดนามรูปก็ไม่เกิดอย่าลืมว่าถ้าเป็นนามรูปแบบมนุษย์ ก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าเป็นนามรูปแบบโอปปาติกะมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีในขณะแรกที่วิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดเป็นคนวิญญาณไปไหนมาไหนได้โดยอาศัยร่างกายพาไปหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือวิญญาณบังคับให้ร่างกายพาไปตามความตั้งใจของวิญญาณและในทำนองเดียวกันเมื่อเราเกิดเป็นโอปปาติกะ มีร่างกายอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นกายที่เกิดจากวิญญาณโดยตรงและอยู่ในอำนาจของวิญญาณทุกอย่างและสามารถจะไปไหนมาไหนได้รวดเร็วเท่าใจนึกเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโดยธรรมดาวิญญาณจะไปไหนก็จะต้องอาศัยนามรูปเป็นปัจจัยซึ่งถ้าเข้าใจเรื่องนี้แจม่มแจ้งก็ไม่เป็นการยากอะไรที่จะทาความเข้าใจว่าตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่ ซึ่งอาจจะไปเกิดในที่ไหนๆซึ่งไกลามากจากที่เคยอยู่ก็ได้วิญญาณไปได้อย่างไรถ้าจะตอบอย่างสั้นๆก็คือไปด้วยนามรูปที่มันสร้างขึ้นใหม่ในขณะแรกที่มันเกิดนั่นเองนามรูปซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจากจุติอันนี้แหละคือพาหณะที่จะพาวิญญาณไปเกิดในที่ไหนก็ได้สุดแล้วตาวิบากจะจูงไป มาเหตุผู้อ่านคำว่าสังขารคือวิบากเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณในที่นี้ซึ่งในบทก่อนๆท่านอธิบายไว้ว่ า, วาสังขารในคำนี้หมายถึงเจตนาความจริงเป็นหลักอันเดียวกันนะครับแต่อธิบายต่างในยะและเน้นไปอีกแง่หนึ่งต่างหากเท่านั้นจากคาถามก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าหมายถึงการเกิดใหม่ที่จุดติและเกิดปฏิสนธิ แต่ในคราวก่อนที่อธิบายถึงว่าสังขารหมายถึงเจตนาเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ น, นั้นในที่นั้นหมายถึงวิญญาณในการรู้อารมณ์คือการเห็นการได้ยินที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีเจตนาเท่านั้นซึ่งเป็นการเจาะรายละเอียดลงลึกเฉพาะด้านที่แตกต่างกันแต่ในความหมายหลักก็ถือว่าเป็นหลักเดียวกันนะครับมายเหตุเพิ่มเติมไว้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะสับสนว่าในที่หนึ่งอธิบายอย่างหนึ่ง และอีกที่หนึ่งกลับอธิบายอีกอย่างหนึ่งคำว่าสังขาร น, นั้นแปลได้หลายอย่างในการจะแปลเป็นอะไรนั้นอยู่ที่บริบทในแต่ละหัวข้อนั้นซึ่งอาจแปลและมีความหมายที่แตกต่างกันจึงต้องศึกษาให้รอบคอบและเข้าใจให้ตรงกับหัวข้อธรรมะในแต่ละครั้งนั้นด้วยนะครับ ปัญหาข้อที่21ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดอีกถ้าหากกิเลสยังมีอยู่วิญญาณจะไม่มีวันดับสูญวิญญาณจะต้องมีอยู่เรื่อยไปแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์กิเลสหมดสิ้นแล้วตายแล้วจึงจะไม่เกิดอีกข้อนี้หมายความว่าวิญญาณดับสูญไปเลยหรือว่าไม่สูญเพียงแต่ไม่เกิดเท่านั้น คำตอบวิญญาณจะสูญหรือไม่สูญปัญหาข้อนี้บางคนชอบคิดและชอบโตเถียงกันมากซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วปัญหาที่ว่านี้ไม่ควรจะนำมาคิดเลยเพราะถึงจะคิดอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ถ้าหากตัวเองยังเป็นปุถุชนอยู่เพราะโดยธรรมดาปัญหาข้อนี้ทุกคนจะตอบได้เองก็ต้องมือเห็นแจ้งไตรลักษณ์ และจิตเริ่มจะเข้าสู่กระแสนิพานเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจที่จะเข้าใจได้จริงๆต่อเมื่อใดตันหาอุปาทานในสันดานหมดเส้นไม่มีเหลือเมื่อนั้นจึงจะเข้าใจปัญหาที่ว่านี้แจ่มแจ้งได้จริงๆอันที่จริงปัญหาต่างๆถ้าหากว่าเรารู้จักคิดต่อเมื่อถึงจังหวะที่ควรจะคิด คือในเมื่อมีพื้นความรู้พอที่จะเข้าใจปัญหานั้นๆได้แล้วจึงค่อยนำมาคิดถ้าทำอย่างนี้ปัญหาทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลงได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาซ้อนขึ้นมาแล้วก็วนเวียนอยู่แต่ในปัญหาเหล่านั้นหาทางออกไม่ได้เหมือนกับคนที่หลงอยู่ในป่าใหญ่และหลงวนเวียนอยู่แต่ในป่านั้นเพราะคลำหาทางที่ถูกซึ่งจะทาให้ออกจากป่านั้นไม่ได้จึงต้องวนเวียนอยู่ในป่านั้น ซึ่งในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ ร, ร้ายในป่าหรือไม่ก็อดอาหารตายอยู่ในป่านั้นอันหนึ่งปัญหาที่ว่านั้นโดยปกติมีความสัมพันธ์กับปัญหาอีกข้อหนึ่งกล่าวคือถ้าคนไหนสงสัยอย่างนั้นก็จะต้องสงสัยถึงปัญหาอีกข้อหนึ่งว่าแต่เดิมทีเดียววิ ญ, ญญาณได้กำเนิดมาจากอะไรหรือว่าวิ ญ, ญญาณดวงแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ปัญหาที่ปรารบถึงที่สุดในเบื้องต้นหรือปรารบถึงที่สุดในเบื้องปลายในทํานองนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอ ah ันตะคาหิกาทิฏฐิอันตะคาหิกาทิฏฐิเป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์คือถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงตอบ